ตอนที่หนึ่งสายแล้วของวันนั้นในฤดูฝนจ่าดาวเหนือกับทีมงานนักรบหลับจ้างพันเอกนอร์แมนใส่นาธิการใหญ่กองกำลังทหารสารัฐประจำประเทศลาวพันตรีเจมส์โรเจอร์ในทหารยุทธการพันตรีแม็คีคอรลินผู้ช่วยในทหารยุทธการร้อยเอกโรเบิร์ตเนลสันในทหารการข่าวจ่าอเล็กซานและทีมงานหน่วยกล้าตายสังกัดกองกองางําลังทั้งหมดกระจายกันนั่งปรึกษาข้อราชการอยู่ภายในห้องยุทธการ สถานการณ์สู้รบกำลังตึงเครียดหนักแต่ฝ่ายวางแผนไม่เครียดตามบรรยากาศทั่วไปยังแช่มชื้นทุกคนต่างยิ้มแย้มจำใสเข้าหากันจิบกาแฟสูบบุหรี่เคี้ยวหมากฝรั่งหรือแม้แต่อมลูกกวาดยี่ห้อดีราคาแพงจากสหรัฐอเมริกาก็ว่ากันตามถนัดสไตล์ไครสไตลมันจาดาวเหนือเริ่มพบความแปลกบางอย่างจากการสังเกตที่นั่งโดยว่าทุกครั้งหรือครั้งก่อนๆที่นั่งของกลุ่มผู้เข้าประชุมมักอยู่หน้าแผนที่ระว่างเวียงจันทร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางประเทศและพ้อเมืองหลวงคือเป้าหมายสุดยอดของการลุกโดยฝ่ายคอมมิวนิสต์และการรับโดยฝ่ายอเมริกันซึ่งต้องศึกษารายละเอียดต่างๆแต่คราวนี้กลับจัด ก, กลุ่มนั่งอยู่หน้าแผนที่ระหว่างภาคใต้ของประเทศห่างจากระหว่างภาคกลางกว่าสิก้าวบ่งชี้ชัดว่าถ้าประชุมเรื่องสถานการณ์การรบต้องไม่ใช่สถานการณ์ด้านเวียงจานหรือรอบๆอย่างเคยและหากไม่ใช่การประชุมเรื่องสถานการณ์สู้รบก็ต้องประชุมกันด้วยเรื่องอื่นแล้วมันคือเรื่องอะไรล่ะ พยายามเก็บความสงสัยไว้ในใจเชื่อว่าถึงอย่างไรเสรนาธิการใหญ่หรือไม่ก็ต้องนายทหารยุทธการคนใดคนหนึ่งพูดออกมาแน่พันเอกนอร์แมนอัดขวัญสิก้าอย่างแรงขณะจับคู่คุยอยู่กับจ่าแซมเงียบๆสองคนทางด้านหน้าสุดของกลุ่มที่ประชุมเสียงพูดภาษาอังกฤษเรวปรือเกินกว่าที่คนที่ไม่ได้ใช้ภาษานี้เป็นภาษาพอ่อภาษาแม่จะรู้เรื่องอย่างละเอียดได้สองคนคุยกันไปหัวราะสลับกันไปด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ หน้าท่าทางไม่บ่งบอกถึงความเคร่งเครียดจริงจังมากนักซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องหนักสักครู่หนึ่งเสนาธิการใหญ่จึงหันไปทางนายทหารยุทธการแล้วพูดเสียงดังเมเจ r ร์โรเจตอนนี้เรามีกําลังกลินแบร้ได้อยู่ในเวียงจันทร์เท่าไหร่นายทหารยุทธการขยับตัวเล็กน้อยยกขาขึ้นไข่ห้างแล้วตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาทบทวนความจํากองร้อยป้องกันกองบัญชาการกับสถานทูตหนกองร้อยร้อคนกองร้อยปฏิบัติการแทรกซึมเบื้องสูง1นึกองร้อยร้อคน กองร้อยลาตวเวนระยะไกลา3ากองร้อยกองร้อยละ1 5อยหคนสองหน่วยหลังนี้สแตนบายอยู่ที่ค่ายน้ำผพองประเทศไทยโอเคกรีนเบลเล่ในเวียงจันนี้ผ่านไปได้เลยผมสนใจแต่พวกที่สแตนบายอยู่ในค่ายน้ำผพองเคอเนื้อสนใจอะไรพิเศษหรือครับอืมกองร้อยแทรกซึมเบื้องสูงกับกองร้อยลาตเวนระยะไกลเรามอบหมายภารกิจให้เขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ แท็กซึมเบื้องสูงเมื่อ3เดือนก่อนลงพิสูจน์ทราบ พ, พื้นที่ด้านหลังท่าเรือเมืองวินในเวียดนามเหนือปฏิบัติภา ร, รกิจนาน1เดือนด้วยกําลังเพียง12คนสําเร็จภา ร, รกิจเรียบร้อยเดินทางกลับที่ตั้งได้ทุกคนกองร้อยและตระเวนระยะไกลปฏิบัติครั้งสุดท้ายเดินทางกลับถึงที่ตั้งปกติเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วภารกิจอะไรไมีรายละเอียดบ้างไหม ภารกิจพิสูจน์ทราบหาข่าวติดตั้งเครื่องดักจับสัญญาณรถถังยานยน์หรืออาวุธหนักอื่นๆตามแนวชายแดนเวียดนามเหนือจีนชุดละตัวเวรสองชุดชุดละสองคนถูกส่งจากเรือบรรทุกเครื่องบินในอ่าวตังเกียลงเรือดำน้ําขนาดเล็กเข้าฝั่งระยะ3กิโลเมตรหลังจากนั้นจึงเรเดลอดขึ้นฝั่งด้วยเรื อ, อยางขณะที่ทัศนวิสัยหมอกลงจัดแล้วขึ้นฝั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับชุดละตัวเวรชุดแรกขึ้นฝั่งที่ร้อยห้ากิโลเมตรจากทางเหนือของท่าเรือไฮฟองส่วนอีกชุดหนึ่งขึ้นนทีี่เเหืออชุดแรรกกกไปก50ิโมต เราเริ่มทําการลาดตระเวนกระทั่งเข้าเขตแขวงพงสารีของประเทศลาวเราจึงส่งเครื่องบินพิเศษไปรับกับระหว่างเส้นทางลาดตระเวนมีการติดต่อสื่อสารกันยังไงวิทยุผ่านเครื่องบินจักรกลทุกทุกสิบชั่วโมงครับโอเคภารกิจวางเครื่องดักฟังสัญญาณยานยนต์เรียบร้อยถูกต้องตามพิ ก, กัดกาหนดทุกเครื่องไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรียบร้อยครับแต่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปเซนต์ไมมีอะไรทั้งสองชุดลาดตระเวนมีเครื่องดักจับสัญญาณติดไปเพียง4เครื่อง จากการลาดตวเวนเราทราบว่าชายแดนเวียดนามเหนือต่อจีนนั้นน่ะมีเส้นทางหลักที่สามารถใช้การได้ทุกฤดูการถึง6เส้นจึงทําให้ขาดไปสองเครื่องบนเส้นทางจากจีนเข้ามาพงศาลีโอเคถ้างั้นไม่มีปัญหาอะไรในเขตพงศาลีาไปวางเมื่อไหร่ก็ได้เราอาจใช้หน่วยแทกซึมเบื้องสูงส่งลงทางอากาศตอนกลางคืนแล้วเล็ดรอดเข้าไปว่าแต่สี่เครื่องที่วางไปแล้วนั้นน่ะมันทํางานได้ผลไหมคาดว่าได้ผลครับเพราะทุกเครื่องทํางานตามปกติเพียงแต่ยังไม่มีของจริงปรากฏออกมาให้ทดสอบเท่านั้นขอจริงเถอะคุณเมเจอร์ ผมกลัวจะเป็นเหมือนชุดลาตะเวนทหารเล่าน่ะสิไม่รู้ซีซัววางที่ไหนบ้างถึงเวลาเอาเข้าจริงรถถังทั้งขบวนผ่านเข้ามาจะถึงตัวอยู่แล้วงานนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนครับคเนลเพราะเครื่องบินจัละกรรมขอตรวจสอบที่ตั้งเครื่องทุกจุดแล้วโอเคทุกอย่างตามแผนที่กําหนดงั้นเหรอภารกิจนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่หนึ่งเดือนเต็มพอดีครับฮึนานไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแล้วระหว่างลาตะเวนไม่พบทหารฆ่าสึกบ้างเลยหรือไงไม่พบเลยครับ ไม่ว่าทหารลาวทหารเวียดนามเหนือหรือทหารจีนมีแต่หน่วยปลูกระดมมวลชนของจีนที่เข้ามาเผยแพ ร, แร่ลทมมัทธิคอมมิวนิสต์ให้กับประชาชนแต่ทะาล่าตะเวนจนถึงเขตใจกลางแขวงพงสาลีก็อาจพบฐานลาวของเจเนรั่นกองแรลก็ได้นะครับเออใช่จริงๆด้วยหรือว่าไงคุณนอสตาเสนาธิการใหญ่ทําเหมือนจบเรื่องราวสอบถามจากนายทหารยุทธการแล้วหันมาหาหัวหน้านทีมนักรบหลับจ้างก่อนจะยิงคําถามแบบไม่ตั้งใจน้าเสียงปนหัวเรา ะ, ะแสดงถึงอารมณ์ดีไม่มีความเห็นครับคุณเน จากดาวเหนือยังไม่หายสงสัยจากความสงสัยครั้งแรกเรื่องที่พันเอกนอร์แมนคุยกับพันตรีโรเจอร์เป็นเรื่องสถานการณ์ทางภาคเหนือแต่กลับมานั่งอยู่หน้าแผนที่ทางภาคใต้ดูมันช่างคนละเรื่องกันเลยคำตอบไม่ออกความเห็นเพราะคำถามไม่ได้ระบุชี้ชัดว่าต้องตอบพันเอกนอร์แมนหันไปหาร้อยเอกเนลเซนในฐานการข่าวล้วสอบถามต่อแคปเตเนลนสรุปสถานการณ์สู้รบในเวยียดนามใต้รอบสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงบ้าง ในฐานการข่าวเอ็นหลังดันพนักพิงเก้าอี้เตรียมตอบคาถามแต่คําถามไม่เคลียร์จึงต้องถามย้อนคือเนื้อต้องการเน้นด้านไหนโดยเฉพาะหรือเปล่าครับการเสริมกําลังครับเมื่อเดือนที่แล้วเวดกงเสริมกําลังอีกหนึ่งกองพลนฐานราบด้วยอัตราการจัดสามกรมฐานราบหนึ่งกรมปืนใหญ่หนึ่งกรมรถถังหนึ่งกรมการเมืองหนึ่งกองพันจัดหาเศรษฐกิจเสริมกําลังเข้ามาทางด้านไหนพื้นที่ด้านเหนือของเมืองไส้งอนครับฐานปฏิบัติการหรือกองบัญชาการอยู่ที่ไหนรู้ไหมรอยต่อสามประเทศครับ ลาวกัมพูชาเวียดนามใต้คาดว่าน่าจะอยู่ในแขวงอตัตาเปอครับทําไมต้องคาดด้วยละ่ะเอาให้แน่นอนชี้ชัดเลยไม่ได้หรือไงยังไม่ได้ครับทุกอย่างต้องรอผลการพิสูจน์ทราบจากหน่วยรัฐเวรหาข่าว ข, ของเวียดนามใต้อยู่ทราบว่าขณะนี้ส่งออกไปเป็นเวลานานเกือบสัปดาห์แล้วครับหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ยังไม่รู้ผลใช่ครับคุณเนลทั้งๆที่บริเวณรอต่อ3ประเทศในเขตลาวกับกัมพูชามีประชาชนเวียดนามอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ชุดรัฐเวนก็ยังทําการเคลื่อนไหวไม่ถนัดนักบ้าหรือเปล่าประสาท ผมละเบื่อถ้าหนประเทศบ้ า, บาๆนี่เสีงจริงเลยในดินแดนของตัวเองแท้ๆประชาชนเป็นคนเผ่าเดียวกันนี่เงื่อนไขอะไรๆก็ง่ายทั้งนั้นแต่กลับทํางานไม่สําเร็จเสนาธิการใหญ่หัวเสียขึ้นมาทันทีอัสิกาเขาปอดอย่างแรงแล้วพ่นควันเป็นทางยาวใส่หน้าจากแซมแต่จาดแซมไม่สนใจตลอดเวลาเอาแต่นั่งเคี้ยวหมากฝรั่งเอาละยังไงผ่านเรื่องนี้ไปก่อนขอประเด็นทหารวิ่งโกงเสริมกําลังทางด้านเหนือเมืองไ้งอนอีกรอบสิการปฏิบัติการรุนแรงขึ้นไหมแน่นอนครับคุณเนี่ย พรปกติเมื่อสิ้นหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวต่อหน้าร้อนเนี่ยเวียดนามเหนือถือโอกาสลุกหนักเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้พื้นที่การลบทางด้านเหนือออกจะหนักหน่วงที่กว่าทุกปีแล้วยิ่งกว่าพื้นที่ภาคอื่นๆของไซ่งอนด้วยน่าจะเป็นฝีมือของเวด ก, กองกองพลนี้แหละครับอืมแล้วฝ่ายเราล่ะกองกําลังในเวียดนามใต้เพิ่มมาตรการตั้งรับหรือว่าป้องกันยังไงบ้างหรือเปล่าทําแล้วครับกองกําลังนาวิกโยธินสองกองลลพลรับผิดชอบพื้นที่ด้านทิศเหนือของไส่งอนได้ส่งเครื่องบินจารกรรมเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ เครื่องบินแาะตัวเวรขึ้นปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อพิสูจน์ทราบที่ตั้งตรวจสอบความเคลื่อนไหวและในขณะเดียวกันฝ่ายเราก็เสริมกําลังฐานเวียดนามใต้สองกองพลซึงกําลังตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญสาคัญไว้หมดแล้วครับแล้วผลละ่ะก็มีการประทานหนักทุกจุดครับฝ่ายเราวางกําลังที่ไหนเวียดกงมันก็ต้องเข้าตีที่นั่นครับสรุปแล้วใครลุกใครรับเนี่ยเวียดกงเป็นฝ่ายลุกครับเราเป็นฝ่ายรับครับผลฝ่ายเราได้เปรียบ สาารสังหารเวทกองได้มากกว่าที่ฝ่ายเราสูญเสียถึง3มเท่าทุกครั้งไปครับทั้งจากอาวุธหลักในที่ตั้งปืนใหญ่ที่ยิงสนับสนุนดอกันเนอร์โจมตีทางอากาศแต่ก็ไม่สามารถหยุดทัพเวทกองได้ใช่ไหมใช่ครับคีเนลเวทกงมันเหมือนทหารผีครับยิ่งฆ่าก็ยิ่งเกิดไม่รู้มันเอาคนมาจากไหนมากมายฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีมันก็เหมือนเหมือนในราวนี่แหละขนาดละลายทั้งกองพันกองพันแล้วกองพันเล่าละลายหนึ่งกองพันธมาใหม่3 า, ากองพันแล้วคุณว่ามันเอาคนมาจากไหนล่ะ พันเอกนอร์แมนสบดออกมาดังลั่นในอารมณ์ที่กำลังร้อนระอุ ด, ด้วยไฟแห่งสงครามนึกไม่ถึงว่ากองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรระดับอภิมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถทำลายกองทัพ อ, อนาถายอย่างเวียดนามเหนือให้พินาศลงได้สารพัดอาวุธจำนวนมากมายมหาศาลประมาณข่ามีได้ที่ทุ่มเทลงไปเหมือนตักทรายถมทะเลเทหายเทหายแล้วกลายเป็นความว่างเปล่า ความเงียบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มรวมตัวกันครบคนในห้องยุทธการเมื่อต่างคนต่างคบคิดถึงเกมสงครามคราวนี้จากอดีตถึงปัจจุบันก่อนเข้าสู่อนาคตนั้นผลการลบจะออกมาในรูปแบบใดบ้างแต่ละคนได้แต่คิดแต่ไม่มีใครเอ่ยวาจาคำใดออกมากระทั่งเสนาธิการใหญ่เป็นฝ่ายเริ่มพูดขึ้นก่อนอีกครั้งโอเคพวกเราทุกคนฟังผมนะตั้งใจฟังนะเสียงดังฟังชัด พันเด็กเนอ้องแมงกาสศตามองหน้าทุกคนในห้องด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังก่อนจะอัสิกาก้นนั้นลงบนที่เขียเว้นระยะช่วงพูดเพื่อรอให้ทุกคนพร้อมกันแล้วจึงว่าต่อก่อนที่เวียดนามเหนือจะประสบชัยชนะในเวียดนามใต้ก่อนที่เวียดนามเหนือจะใช้เวียดนามใต้ซึ่งยึดไว้ในกํามือเรียบร้อยแล้วเป็นฐานหรือเป็นบันไดก้าวแรกในการขยายอิทธิพลสู่กัมพูชาลาวและไทยอันดับสุดท้ายสําเร็จเราต้องทําการตัดไฟตัต้นลมทําลายล้างกองกำลังเวียดนามเหนือทางด้านทิศเหนือของไส้งอนลงให้ได้เสียก่อน ด้วยการส่งกำลังรบหลักจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาประจําประเทศลาวเข้าปฏิบัติการประสานและเสริมการปฏิบัติการกับกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้กองกําลังหลักทหารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศลาวในที่นี้ผมหมายถึงพวกเราพวกเราทุกคนตอนที่สองคำพูดประโยคยาวแต่ฟังเราเหมือนสั้นกระชับได้ใจความทุกคนเข้าใจท่องแท้โดยไม่ต้องอธิบายซ้า เสนาธิการใหญ่เน้นถ้อยเน้นคำเค้นเสียงออกมาจากอารมณ์ลึกๆด้วยความรู้สึกที่ทหารพึงมีต่อข้าศึกอย่างแท้จริงเลือดในกายฉีดแรงจนหัวร้านแดงกล่ำริมฝีปากสันระลิกสองมือกำแน่นไม่สนใจจะปาดเหงื่อที่กำลังซึมซิกซิกอยู่บนหน้าผากหันหน้าไปสบตาจ่าแซมแล้วจ้องนิ่งเขมิงก่อนตั้งคำถามว่าไงเซอรเ์เจนแซมท่าเซอรเ์เจนต้องกลับไปทำงานในเวียดนามใต้ครั้งหรือบอร์ครั้งอาจต้องทำในกัมพูชาด้วยคิดว่ามีปัญหาอะไรไหม จ่าแซมอดีตนักรบบ้าสงครามสังฆ่าล้างโคตรล้างหมู่บ้านในเวียดนามตายจนเกือบต้องขึ้นสารทหารแต่เส้นดีได้รับโทษฐานเพียงแค่ย้ายสมรภูมิจากเวียดนามใต้มาประเทศลาวนางกอดอกนิง่งมองหน้าเสนาธิการใหญ่แล้วจึงตอบคําถามไม่มีปัญหาครับที่ไหนมี VC ีผมชอบไปที่นั่นไอ้ที่จะเป็นปัญหาจริงๆเห็นจะมีอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเซอร์เจนคนฝ่ายเราครับหมายความว่าไม่หมายความหมายควรอะไรหรอครับ ผมระเกียรติพวกเราที่ทำตัวปกป้อง VC ซีทำอย่างกับว่า VC เป็นบิดาบังเกิดกล้าวของตัวเองซะจริงจริเซจันพูดให้กระจ่างกว่านี้ได้ไหมได้สิครับคีเนลไอที่ผมฆ่าฆ่าแล้วก็ฆ่าฆ่าฆ่านั่นอะ่ะมันก็ VC ทั้งนั้นแล้วมาตั้งข้อห า, อาผมฆ่าคนบริสุทธิ์ผมอยากถามนักว่าที่คนบริสุทธิ์ฆ่าพวกเราทำไมไม่มีใครไปตั้งข้อหามันบ้างเท่านี้แหละครับคีเนลบรรยากาศในห้องยุทธการเงียบกว่าเงียบ ขึ้นมาอีกครั้งด้วยสํานึกแห่งนักรบนั้นทําให้ทุกคนวาดภาพตามเหตุผลของจ่าแซมเป็นทางเดียวกันว่าในสนามรบใดๆไม่ใช่มีเพียงทหารแต่งเครื่องแบบติดอาวุธเท่านั้นที่ถือว่าเป็นฆ่าศึกบุคคลผู้ให้การสนับสนุนการรบซึ่งไม่ได้แต่งเครื่องแบบหรือติดอาวุธก็ถือเป็นฆ่าศึกด้วยเช่นกันและหนทางปฏิบัติต่อฆ่าศึกนั้นหากไม่ใช่การฆ่าแล้วคนจะเป็นหนทางเช่นไรยิ่งคิดยิ่งอยากให้คณะผู้พิพากษาถือปืนออกมาลบเองดูซิจะพูดหรือร้องกันอย่างไรบ้าง เสนาธิการายยใหญ่ยิ้มแย่ๆกรอกลูกในตาไปมาซึ่งและเข้าใจในความรู้สึกของจา่าแซมดีแต่ออกความเห็นใดๆไม่ได้เช่นเดียวกับพันตรีเมริการทั้งสองและร้อยเอกเนลเซนที่เงียบกลายเป็นคนใบ้ในขณะที่หัวหน้าทีมนักรบรับจางหัวล้อหืึๆในลำคออัดขวันบุหรี่เข้าปอดอย่างแรงพ่นเป็นทางยาวไปถึงเพดานไม่มองหน้าใครแล้วก็ไม่ใส่ใจด้วยว่าท่ากลางสายตาของทุกๆคนทั้งอเมริกันไทยใครจะชะโงนย่างไรหรือไม่ สักครูบางคนจึงหัวเราะตามแสดงว่ากําลังคิดอย่างเดียวกันแต่ไม่มีอารมณ์ขันเชื่อเถิดภายในความเงียบนั้นความเครียดแค้นอย่างแสนสาหัสกําลังระอุเล่าร้อนนึกสมน้ําหน้าเวีทโงงได้เห็นดีเห็นงามกับการกระทําของจ่าเมริกันอย่างจริงแท้ไซนาธิการใหญ่อึ้งไปชั่วครู่และนึกขึ้นมาได้ว่าตนเริ่มสูญเสียลักษณะผู้นําผู้บังคับบัญชาที่ดีจึงหันไปทางจ่าดาวเหนือแล้วทาพูดแก้เกอร์นอสตา ถ้าเป็นคุณคุณจะทํายังไงต่อปัญหาที่เซอร์เจนซแซมเจอมาฆ่าครับนักลบรับจ้างตอบสั้นๆไม่มองหน้าคนถามเสียงหัวเราะฮาตึงในห้องมีเสียงกำปั้นทุบโต๊ะดังตามมาถึง3าทีพร้อมคําพูดสนับสนุนแน่นอนนองตาผมเห็นด้วยกับคุณใช่ผมด้วยเราไม่ฆ่ามันมันก็ต้องฆ่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการซะก่อนถ้ายังมีชีวิตมีโอกาสเว้นแต่ตายแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ผมว่าที่เซอร์เจนแซมทำลงไปยังน้อยไปด้วยซ้ํานะครับเลือดต้องล้างด้วยเลือดเท่านั้นถึงจะสะสม นานาทัศนะต่างคนต่างเผยความในใจออกมาเศนาธิการใหญ่กว่าสายตา ม, มองลูกน้องอเมริกันที่ละคนที่ละคนด้วยความพอใจมากกว่าความคิดตาําหนิพร้อมกับให้เหตุผลเสริมบ้างอย่างความจริงวิธีการของเซอร์เจนแซมนั่นนอสตาเซอร์เจนก็ใช้อยู่เรื่อยๆตั้งหลายครั้งไม่เห็นมีปัญหาอย่าว่าแต่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างโคตทั้งหมู่บ้านเลยนี่ถึงขนาดลบแผนที่กันเลยแม้แต่ใช้กระสุนแก๊สพิษผิดกฎหมายสนธิสัญญาเจนีวาก็ยังเคยไม่เห็นต้องมีเรื่องมีคดีขึ้นศาล สงสัยดวงเจอเจนแสมต้องย้ายสมรภูมิจากเวียดนามมาอยู่ลาวนี่แหละมั้งอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าดวงมาสมพงกันต้องมาเฮี้ยมโหดฆ่าคนยังเลือดเย็นร่วมกันพันเอกนอร์แมนพูดด้วยแววตาของความภาคภูมินักลบรับจ้างนั่งอัดบุหรี่ฟังเฉยแล้วต่อข้อความนั้นอีกตายร่วมกันด้วยครับคีเนลผมไม่หรอกมั้งนอสตาใช่ไม่ตายร่วมกันตายแต่พวกผมคีเนลไม่ได้ตายด้วยเพราะอยู่ในบอกอเฮ้ยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ผมหมายถึงว่าตราบใดที่คุณยังอัจฉริยะอยู่แล้วก็เวียดนามเหนือกินคุณไม่ลงต่างหากก็ใช่อีกนั่นแหละครับเพราะผมหนีก่อนยังไงล่ะเสียงฮอลล์ที่เบาลงกลับดังขึ้นใหม่ครั้งคราวนี้บางคนถึงกับงอหายชอบอกชอบใจตีมือตีโตมองหน้านักรบรับจ้างสลับหน้าเสนาธิการใหญ่ไปมาพันตรีโรเจอร์ก้าวเสริมขึ้นใม่คนแต่ผมไม่เคยเห็นคุณหนีสักทีเลยนะนอสตาก็ยังไม่ถึงคราวซิมเจ์ แต่ถ้าเหตุการณ์ตอนนั้นมันมาถึงจริงๆเมื่อไหร่ผมว่าตัวใครตัวมันเถอะนะห่วงก็แต่ทหารอเมริกันตัวโตเท่าตึกนั่นแหละจะหนีทันหรือเปล่าจ่าดาวเหนือยังเดาวความมุ่งหมายของการมานั่งอยู่หน้าแผนที่บริเวณภาคใต้ของเราไม่ออกเลยหาเรื่องโจ๊กมาเป็นเครื่องผ่อนคลายความเครียดจ่าแซมตัวต้นเรื่องของหัวข้อที่คุยใหม่หันมาทางจ่าดาวเหนือด้วยใบหน้ามาดขึ้นเพราะมีเรื่องบางอย่างต้องการถามนอสตาในทัศนีของคุณนอะ คุณว่าการลบกับเวียดกงเนี่ยเราควรอยู่ใกลหรืออยู่ห่างจากมันไหมต้องอยู่ใกล้ๆสิครับเซอร์เจนคืออยู่ห่างแล้วเมื่อไหร่จะได้ลบกันเล่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายถึงว่าเราควรใช้อาวุธยิงระยะไกลอย่างปืนใหญ่หรือการโจมตีทางอากาศโดยเราเป็นผู้ชี้เป้าให้แล้วใช้อาวุธเหล่านั้นทําการโจมตีแทนการใช้กําลังของเราหรือว่าเราควรก่อติดแล้วเขาทําการลบประชิดซะเองอืมในทัศนะของผมนะผมว่าต้องใช้ทั้งสองอย่างนะเซอร์เจน แม้แต่ยุทธวิธีหลักนิยมทําการรบก็ต้องใช้ทั้งของเขาของเราประยุกต์ผสมกันไม่รู้สิส่วนใหญ่ผมไม่มีทัศนะโดยตรงหรือโดยเฉพาะหรอกเจอที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผมเป็นซัดทันทีจริงไหมครับเมเจอร์โรเจอร์ท้ายประโยคหันมาถามพันตรีเมริกันในทหารยุทธการพอออกร่วมภารกิจ ด, ด้วยกันเป็นประจําพันตรีโรเจอร์ทําสีหน้าปั้นยากขึ้นมาทันทีจากความคิดเดิมที่เห็นด้วยกับคําถามของจ่าแซมนั้นตนเองก็ต้องการทราบคําตอบเช่นกัน แต่ครั่นถูกย้อนเช he be so. ่นนี anyway, ้ถึงก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่หัวล้อเบาๆแล้วโยนลูกไปให้พันตรีคอรลินผมว่าต้องถามเมเจอร์คอร์ลินนะเห็นเขาชอบเล่นวิธีการแบบนี้คู่กับเซอร์เจนยุทธพงศ์อยู่เป็นประจำนี่จ่าแซมไม่รู้เรื่องเพราะไม่เคยออกภารกิจกับทีมงานนักรลบหลับจ้างเพียงแต่เคยได้ฟังข่าวข่าวเล่าสู่กันฟังมาบ้างในบางโอกาสตีนาซื้อหันไปมองพันตรีเมริกันผู้ช่วยนายทหารยุทธการแล้วถามด้วยสายตาใช่แล้วเซอร์เจนแซ เล่นกับเวทโกงมันต้องให้ถึงลูกถึงคนเราต้องเข้าหามันก่อนก่อนที่มันจะเข้ามาหาเราถ้าทําได้พระเจ้าก็เข้าข้างเราตรงกันข้ามนะถ้าทําไม่ได้แต่เวทโกงทําได้พระเจ้าองค์เดียวกันก็จะไปเข้าข้างมาังนซะงั้นแหละไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรอคอยสถานการณ์เวลาภูมิประเทศหรือว่าอะไรตรงนี้อะไรทั้งนั้นแหละหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยกล้าตายแห่งกองกําลังพยายามตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสนใจ ขอผู้ให้คําตอบมีตําแหน่งสําหรับยูนิฟายยุทธการซึ่งมีหน้าที่วางแผนการรบทั้งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การสู้รบด้วยตัวเองมาอย่างมากมายเกินกว่านายทหารทั่วไปจะพึงมีลูกทีมอีกสิคนนั่งเรียงลายอยู่ทางด้านหลังถัดไปกับพรอยสนใจคอยฟังคําตอบด้วยแต่ครั้นคําตอบแบบกำปั้นทุบดินที่ง่ายแม้กระทั่งพลทหารใหม่ ย, ยังตอบได้อย่างนี้จึงสงสัยผมไม่เข้าใจครับพันตรีคอลินหัวเราะร่วนนึกอยู่แล้วว่ามือระดับหัวหน้าหน่วยกล้าตายต้องสงสัย การสงสัยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทําให้สงสัยนั่นแหละต้องถือเป็นเรื่องแปลกจ่าแซมถามซ้ําเช่นนี้แสดงว่าใช้สมองคิดและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ใช่เพียงรับทราบเฉยๆเท่านั้นผู้ช่วยนายทหารยุทธการหาคําตอบให้โดยเฉพาะไม่ได้ตัดสินใจโยนเกมกลับไปให้จ่าดาวเหนื่อยอครั้งถ้าอางนั้นคุณต้องถามนอสตาเซอร์เจนซะแล้วล่ะเขาเป็นเจ้าของแผนการทั้งหมดไม่ว่าจะออกปฏิบัติการที่ไหนภารกิจอะไรโน่นไงเขากลับมาจะมุมกาแฟแล้วถามเลยถามเขสิ อเมริกันหลายคนเหลือบสายตาตามไปเห็นบรรดาลูกทีมนักบรบลับจา้างทยอยกันถือถ้วยกาแฟกลับมานั่งที่เดิมแล้วรู้สึกว่าทุกคนล้วนสนิทสนมเปนนเ็นกันเองกับสถานที่เป็นอย่างดีสแสดงว่ามาที่นี่บ่อยๆผิดกับพวกตนที่ได้แต่คอยรับคําสั่งจากหัวหน้าชุดซึ่งรับมาจากเสนาธิการใหญ่อีกต่อหนึ่งทั้งนี้คงเนื่องมาจากลักษณะของหน่วยงานที่ต่างกันนั่นเองหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างเดินสดกาแฟร้อนๆแล้วหัวเราะ พอรู้เรื่องราวระหว่าง2คนที่ถามตอบกันดีเห็นท่าว่าข้อสงสัยของจา่าหน่วยกล้าตายชักจะไปกันใหญ่หาจุดจบไม่ลงจึงหาทางตัดบทเซเจ่นครับผมว่าอย่าไปจริงจังอะไรกับมันเลยปวดกระบาลเปล่ า, าๆเผื่อปวดลามไปถึงกระดองใจพารมเซ็ก์เสื่อมสีอีกด้วยนะพันเอกนอมแมนถึงกระโผลเราะนี่คือสไตล์การแก้ปัญหาของนักบรบระจางผู้ได้ฉายาว่าจอมอัจฉริยะมิใช่เฉพาะเกมการรบเท่านั้นแม้แต่เกมไขข้อข้องใจก็ยังสามารถทําได้สวย เล่นเอาจใจไม่การตีหน้าเหลอเข้าใจก็ไม่เข้าใจสงสัยก็ไม่รู้จะสงสัยตรงไหนข้อไหนอยากยิ้มอยากหัวเราะบ้างแต่ก็ทําไม่ได้เพราะความรู้สึกมันไม่ไปทําอะไรไม่ถูกก็เลยถือโอกาสดึงบุหรี่ครึ่งมวลในมือลูกน้องคนข้างๆมาสูบเสร็เลยทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่สูบบุหรี่แต่ก็ต้องสูบเพราะหาอย่างอื่นมาแก้เครียดแ ก, แ ก, แก้สิ่งไม่ได้ลูกน้องคนนั่งถัดข้างๆไปใช้มือโปะลงบนหัวของหัวหน้าชุดขยี้ไปมาแล้วกดให้คว่ำหน้าพร้อมหัวเราะเบาๆด้วยความสนิทสนม มันก็วิธีการเดียวกันกับของเรานะนะั่นแหละเซอร์เจนค่าค่าค่าค่าเท่านั้นถึงจะเอาชนะไอ ห, หัวแดงพวกนี้ได้แล้วทําไมผมถึงต้องถูกส่งขึ้นสารทหารด้วยเราก็เพราะเราเป็นอเมริกันนะสิไม่ใช่มันต้องไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้ถึงนอตสตาร์เซอร์เจนไม่ใช่คนอเมริกันแต่เขาก็มารับจ้างอเมริกันทําการรบเพราะฉะนั้นก็ต้องถือเป็นอเมริกันด้วยต้องขึ้นสารเหมือนกับผมจริงไหมจริงเหมือนกันเซอร์เจนแต่จริงนิดเดียวจริงนิดเดียวยังไงไหนว่ามาสิจริงตรงที่ว่าคนส่งเซอร์เจนไป ผมหมายถึงผ อ, อหน่วยที่สุดแสนบรมมห่วยไม่กล้ารับผิดชอบแล้วก็ไม่กล้าชนะเวียดโกงอยากโปรโมท ต, ตัวเองว่ามีมนุษยธรรมดีเลิศก็เลยใช้หลักมนุษยธรรมลบกับเวียดโกงหลงคิดว่ามันมีมนุษยธรรมเหมือนๆกับตัวเองว่าแล้วก็จัดการส่งเซอร์เจนขึ้นศาลยังไงเล่าทุยเชียก๊อตแดนแมทนัมเบอร์ฟักิงเทนเอานะเซอร์เจน ถึงยังไงยงไมันก็แค่คําขู่เท่านั้นแหละมันขู่ว่าจะเอาเซอรเจนขึ้นศาลแต่ตัวเซอร์เจนเองก็ยังอยู่ตามล่าตามฆ่ายพวกเวทโกงได้ไม่ใช่เหรอผมว่าผ่านเรื่องนี้ไปเถอะที่เนี่เรามีคอมเมนเตอร์เป็นเคอร์เนลนอร์แมนไม่ใช่เจเนเรลสังกระบวยอย่างในเวียดนามใต้นั่นแต่มันเสียประวัติเว้ยผมสะสมผลงานของผมมาเกือบ20ปีกับต้องมาเสียเพราะการทํางานตามคําสั่งผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะไม่เป็นไรหรอกเซเจนประวัติเก่าเสียก็สร้างขึ้นใหม่สิถึงยังไงอ่กเรคอร์เน ระบบทหารอเมริกันที่ใช้อายุการทำงานและผลงานเป็นเครื่องกำหนดขีดความสามารถของทหารนั้นจากแซมสู้สาตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอย่างดีด้วยใจรักจริงใจจริงจังเสียสละกล้าหานทำตัวเป็นทหารน่อาชีพไม่ใช่แค่คนมีอาชีพทหารจนเงินเดือนขึ้นทุกปีทุกปีตามวาระและระเบียบแต่กลับต้องถูกลดขั้นเงินเดือนแล้วไต่ตเต้าขึ้นไปใหม่เสียดายเงินนั้นไม่เท่าไหร่แต่เสียดายเวลาเสียดายน้ำใจที่เคยให้กับหน่วยงานให้กับกองทัพและกับภารกิจนี่สิมันน่าน้านอยใจ บรรยากาศในห้องยุทธการกลับคืนสู่ความเงียบอีกครั้งบางคนยังติดใจในกรณีของจา่าแซมต้องขบคิดต่อในว่าตัวเองก็อาโดนผู้บังคับบัญชาตั้งข้อหาอย่างนั้นบางแต่บางคนมองหน้าเสนาธิการใหญ่เราคิดเรื่องใกล้เคียงกันคือผู้บังคับบัญชาคนนี้จะเป็นเหมือนผู้บังคับบัญชาในกองกำลังประจำเวียดนามใต้หรือไม่ในขณะที่จา่าดาวเหนือเองหันความสนใจมายังแผนที่ระหว่างเดิม รำล้ำจะถามให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็อดใจไว้ก่อนจะหลวงบุรีออกมาจุดสูบน้าตาเฉยตอนที่สามเสนาธิการใหญ่หมุนเก้าอี้โตที่นั่งอยู่กลับหลังหันประชันหน้ากับแผนที่สถานการณ์บริเวณภาคใต้ปก า, ากกา m ก r ก i n g สีดำที่อยู่ในมือจัด ก, การทำเครื่องหมายวงกลมขนาดเครื่องล้อมพิกัดแขวงจำปาสักใต้สุดของประเทศลาวรอยต่อสประเทศลาวกัมพูชา ไทยเราทำวงกลมขนาดเดียวกันล้อมพิกัดแขวงอัตเตป์ไต้สุดของประเทศลาวรอยต่อ3มประเทศเช่นกันเปลี่ยนปากกามาก k i n g สีดำเป็นสีแดงก่อนจะทำวงกลมขนาดเดียวกันล้อมพิกัดเมืองเตรืองวาของเวียดนามตายทับเครื่องหมายทางทหารแสดงที่ตั้งกองพลทหารราบเวียดนามเหนือที่471 หยุดใช้ความคิดสักครู่แล้วเปลี่ยนปากการ a r กิ้ g เป็นสีน้ําเงินทําวงกลมล้อมพิกัดจังหวัดอุบลราชธานีของไทยพร้อมกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมล้อมพิกัดฐานบินอุบลแอร์เบสเป็นอันเสร็จสิ้นครบถ้วนเปนาธิการใหญ่มุนตัวเองกลับมาแล้วเวลาแห่งการเคลียร์ข้อสงสัยของนักรบรับจ้างก็เริ่มขึ้นนอสตาถึงขั้นนี้แล้วคุณพอมองภาพอะไรออกไหมคนถูกถามแบบไม่ได้จอะจงตั้งแต่แรกขวดเลาะยกกาแฟขึ้นจิบ พยายามทําใจให้เย็นก่อนจะตอบเคนเนลคงหมายถึงฐานลาวทฐาเนเขมรฐานเวียดนามใต้ว่าฐานไหนเก่งกว่ากันแล้วก็ตั้งใจรบเพื่อแผ่นดินตัวเองมากกว่ากันไม่ใช่เฮ่นอสตาผมว่าคุณกําลังพูดเล่นโยกโย้อยหรือไม่ก็แกล้งขสือ่อทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอะไรทํานองนั้นนะเพราะคุณถนัดอยู่แล้วนี่คราวนี้นะักรบรับจ้างถึงกับหผลกากเสียงดังลั่นพันตรีอเมริกันสองคนเข้าใจดีพร่อยหัวล้อไปด้วยแต่ออกจะค่อยกว่าพันเอกนอร์แมนอมยิม้ม เราคอยฟังเหตุผลพร้อมกับเตรียมตั้งคำถามใหม่ผมหมายถึงภารกิจนะ่ะทำไมล่ะครับภารกิจก็อย่างที่คีเนลพูดเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอครับทีมงานพวกเราต้องเข้าไปปฏิบัติการในเขตเวียดนามใต้เพื่อสกัดกั้นการรุกของเวียดนามเหนือเคเนลก็บอกแล้วนี่ครับใช่ข้อนั้นะผมไม่เถียงเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจดีแต่ที่ผมถามคุณใหม่ผมหมายถึงคุณมีแผนการเล่นเกมนี้อย่างไงต่างหากจ่าดาวเหนือหัวเราะหึห่ในลําคอนึกอยู่แล้วว่าต้องมีคําถามแบบนี้ออกมาจากปากเสนาธิการใหญ่แน่ ในขณะที่คนอื่นๆพยายามเงียบฟังจ้องนักรบรับจ้างตาเขมงเพื่ออยากรู้ว่าแผนการอัญญนแยบยลจะออกมาในรูปใดไม่รู้สิครับมันต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจมากกว่านี้สักหน่อยถึงจะคิดได้เคเนีวให้ข้อมูลภารกิจมากกว่านี้หน่อยสิครับท่าทางคล้ายเป็นการเป็นงานน้ำเสียงจริงจังแต่ใบหน้าแววตากลับตรงข้ามไข่ไข่อาจไม่เห็นแต่ลูกทีมนักรบรับจ้างเห็นและเข้าใจในรอยยิ้มนั้นดีว่าเปี่ยมไปด้วยความเครียดแค้นหลายๆคนพลอยรู้สึกตามไปด้วย ภาพเวียดกงกองทัพเวียดมินหรือเวียดนามเหนือปรากฏขึ้นมาลรานึกถึงภาพคอมมอนิสต์เวียดนามเหนือจํานวนหนึ่งที่กําลังปฏิบัติการอยู่ในประเทศไทยในนามของพคทหรือพรรคคอมมอนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีพคทหรือผู้ก่อการร้ายคอมมอนิสต์เป็นกองกําลังหลักทันที อดีตเคยฟาดฟันกันมาครั้งหน่วยล่าสังหารนั้นถือว่าคือการตัดไม้ที่ปลายกิ่งต้นไม้ไม่ตายหลังแต่จะงอกงามแตกกิ่งออกช่อใหม่งดงามแผ่ร่มปกคลุมบริเวณกว้างยิ่งขึ้นหากต้องการให้ไม้ใหญ่ต้นนั้นตายต้องตัดที่โคนต้นจึงจะแน่นอนการออกภารกิจลุกเข้าไปในเขตเวียดนามก็เพื่อผเผชิญหน้ากับเวียดกงตรงๆเช่นนี้ย่อมหมายถึงการทำลายต้นต่อกรณีนี้นักรบรับจ้างพอใจมากๆเสนาธิการใหญ่ขยับตัว วางประกาศมาร์กิงลงและวสะทายายภารกิจอย่างละเอียดโอเคนองตาจากข่าวเบื้องต้นนะทางเราสืบทราบมาว่ า, วาเวียดนามเหนือส่องซุ่มกําลังหนึ่งกองพลทหารลาบไว้ที่แขวงอัตเปือแล้วแทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการในเวียดนามใต้ภารกิจของเราก็คือหาทางทําลายเวียดนามเหนือกองพล น, นี้ให้ได้แค่เนี้โอเคไหมทําไมไม่ให้กองกําลังในเวียดนามใต้ปฏิบัติการเองล่ะครับในเมื่อเขาต้องตกเป็นเป้าหมายของเวียดนามเหนือกองพล น, นี้โดยตรงอยู่แล้ว แน่นอนนอสตาในเขตเวียดนามใต้อะกองกําลังฐานสารัฐที่น่านรับอยู่แล้วแต่ขุมกําลังใหญ่กองบัชาการกองพลเวียดนามเหนือมันอยู่ในเขตประเทศลาวเพราะฉะนั้นต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางเราไม่ใช่เหรอใช่ครับคเนลหากพูดกันตามลักษณะของการแบ่งมอบพื้นที่เรับผิดชอบก็ต้องเป็นอย่างที่คเนลพูดนี่แหละแต่ในเรื่องของการปฏิบัติจริงในเมื่อกองกําลังในเวียดนามใต้เขาทําการโจมตีหรือปราบปรามเวียดนามเหนือในเขตเวียดนามใต้แล้วอันที่จริงก็น่าจะลุกต่อเข้ามาในลาวในเขมรด้วยเลยเล่นแบบลูกติดพันนะครับ อืมไม่ได้ไม่ดีแล้วก็ผิดหลักการทางยุทธศาสตร์ด้วยยุทธศาสตร์ข้อไหนครับก็ข้อที่ว่าหลังจากยึดพื้นที่ได้หรือขับไล่ค่าศึกออกจากพื้นที่ได้แล้วหลักการลบกําหนดไว้ว่าต้องสถานปนาความมั่นคงขึ้นใหม่เพื่อป้องกันสถานการณ์พลิกกลับโดยเฉพาะกองกำลังหลักของค่าศึกที่แปลสภาพเป็นกองโจรเข้ามาทําการสู้รบอีกครั้งเรื่องมากเรื่องมากยังไงก็เรื่องมากตรงที่ว่าการยึดพื้นที่กับการสถานปนาความมั่นคงนั่นนะครับ ใครก็ทําได้ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยไหนยึดหน่วยนั้นต้องทําถึงยังไงยังไงอ่ะนโยบายก็กําหนดไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่แผนการปฏิบัติอย่างเดียวสินอสตาอย่างน้อยแผนยุทธศาสาตร์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามใต้ลาวขเขมรหรือไทยทั้งสี่ประเทศเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันพลอยทําให้หลายๆอย่างแตกต่างกันไปด้วยโอเคผมว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปเลยดีกว่าเอาเป็นว่าภารกิจก็คือภารกิจคําสั่งผู้บังคับบัญชาต้องเหนือสิ่งอื่นใดดีกว่าจริงไหมก็ได้ จ่าดาวเหนือผู้มีอุดมการทางทางหารที่ต่างจากคนอื่นๆตัดบทง่ายๆโดยพอเห็นว่าการโต้แย้งนี้ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดในเมื่อตนไม่ใช่ผู้มีอำนาจเต็มที่จะสามารถกำหนดแนวทางนงโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ได้ตัดใจไม่คิดเรื่องใหญ่ๆแล้วหันมาคิดเรื่องหาเงินใส่กระเป๋าตัวเองด้วยค่าคอมมิชชั่นจากแผนยุทธศาสตร์นั้นดีกว่าพันเอกนอร์แมนทำหน้าเหมือนไม่อยากเปิดเผยความลับบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจรวบลัดเรื่องราวทันทีโอเคนอร์สตาร์เซอร์เจนแซม ภารกิจข่าวในพวกคุณทุกคนมีค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันหมดชุดปฏิบัติการของเซอร์เจนแซมจะได้รับอาวุธและเครื่องมืออย่างอื่นเหมือนนักรบรับจ้างด้วยเพราะพวกคุณต้องไปทํางานร่วมกันแค่นี้มีปัญหาไหมนอสตาเฮคเนลผมไม่ใช่มนุษย์เจ้าปัญหานะครับงานทุกอย่างอ่ผมรับได้ทั้งนั้นแม้แต่ให้ไปตายโอเคขอบคุณถ้า่างนั้นผมว่าภารกิจต่อเลยจากข่าวสารขั้นต้นอันเดียวกันเวียดนามเหนือหน่วยนี้นอกจากเป็นหน่วยกําลังรบหลักหน่วยหนึ่งแล้วนะ มันยังเป็นหน่วยสนับสนุนการรบด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างอื่นที่จําเป็นต่อการรบอีกด้วยอาวุธประเภทไหนครับผมหมายถึงอาวุธประจํากายกระสุนระเบิดหรือว่าเป็นจำพวกฐานยิงจรวดขนาดใหญ่ข้าก็าเป็นอย่างหลังนะั้นนอสตางั้นก็ออยิ่งชั่วหน่อยเฮ้ย hey, คุณหมายความว่าไงคุณพูดแบบนี้ทําอย่างว่านเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนั้นแหละช่างแต่เคเน่อย่าเพิ่งใส่ใจเลยเอาเป็นว่าฝ่ายเราพิสูจน์ทราบแน่ชัดแล้อยังว่าข้าศึกพวกเนี้ตั้งอยู่บริเวณพิกัดไหนยัง ทุกอย่างรอผลจากชุดละตวเวนตามที่แคพตันเนอร์นบอกมานั่นแหละทีมงานพวกเราต้องเข้าไปค้นหาเองใช่ไหมครับใช่ทํานอง น, นั้นแหละแต่ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างคงไม่ยากเพราะมีสิ่งบอกเหตุบางอย่างช่วยในการวิเคราะห์อยู่แล้วอะไรเหรอครับบริเวณที่ B ีหสองทิ้งบอมภาพถ่ายทางอากาศจุดประท้าที่ชุดละตวเวนมักละลายเสมอลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างของภูมิประเทศหรือไม่ก็อะไรครับคีเนลขีดความสามารถของนักรบอัจฉริยะในตัวคุณน่ะสิจ้าดาวเหนือตั้งใจจะไม่พูดยาว อุส่าถามคำตอบคำให้เรื่องราวกระชับและเร็วขึ้นครั้นมันได้ยินคำพูดแบบเดิมๆอีกครั้งถึงกับตีหน้าเบย์พะในใจนั้นไม่ได้ชื่นชมหรือหลงไหลในชายานั้นแม้แต่น้อยแล้วก็วกเข้าเรื่องเดิมอีกครั้งโอเคเคนเนลข้อมูลที่ตั้งพวกเนี้ยเชื่อถือร้อเปอร์เซ็นไม่ได้สักอย่างแม้แต่ภาพถ่ายทางอากาศนั่ะเหรอใช่ครับเวียนนำเหนือสร้างที่ตั้งหลวงให้เครื่องบินของเราถ่ายภาพเล่นๆก็ได้ยิ่งบริเวณที่ทิ้งบอมของบีห้วยแล้วยิ่งกําหนดอะไรไม่ได้เลยอืม มันก็จริงของคุณนะแล้วจุดประท้าล่ะเชื่อได้แค่ไหนเหมือนกันครับคเนลเวียดนามเหนือคงไม่ปล่อยศัตรูเข้าไปประชิดใจกลางที่ตั้งสําคัญๆอย่างนี้หรออย่างน้อยมันก็ต้องมีหน่วยกลยุทธ์ทำการป้องกันตั้งแต่ระยะไกลหรือไม่ก็สร้างสถานการณ์ลบให้ฝ่ายเราเข้าใจผิดโอเคข้อนี้ผมเข้าใจนะเพราะคุณเคยเล่นอยู่บ่อยๆถ้างั้นคุณคิดว่าอะไรที่แน่นอนร้อเเซ็์เกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบสายตาคนครับคเนลชุดละตวเวีนอย่างเดียวเท่านั้น พันเอกนอร์แมนเมมรืมฝีปากนิ่งในสมองใช้ความคิดอย่างหนักโดยว่าสิ่งที่นักรบลับจ้างกล่าวถึงนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานพันตรีโรเจอร์นิ่งฟังมานานเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเงียบไปจึงถือโอกาสพูดแท้ขึ้นมาบ้างนอสตากรณีที่เครื่องบินฝ่ายเราเข้าทำการโจมตีแล้วมีปตอยิงขึ้นมาล่ะคุณคิดว่าพอเชื่อถือได้ไหมก็ยัง50าสบหอยู่อีกนั่นแหละเมเจอร์เมเจอร์จำเหตุการณ์ที่ดอยสัมปุยในแขวงพงสารีได้ไหมครับเตซ8 ถูกปตอยิงตกสี่เครื่องรวดแล้วฝ่ายเราตีความว่าพิกัด น, นั้นเป็นฐานกําลังใหญ่แต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นฐานลวงซชฉิบฐานลาวละลายทั้งกองพันเสร็จแล้วฐานจริงตั้งอยู่ห่างไปทั้ง4ี่กิโลเมตรเอาเหตุการณ์นั้นมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้ก็ได้นี่ครับพันตรีโรเจอร์ถึงกับเงียบทุกอย่างไม่ใช่ความคิดของคนพูดตะเพียงลําพังมันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วทุกคนประจักรแจ้งดีแล้วทบทวนอดีตก่าๆอีกครั้งกระทั่งเข้าใจว่า การพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่าศึกที่ได้ผลอย่างแท้จริงนั้นมีเพียงหนทางเดียวคือรายงานจาชุดลตัตเวงทั้งนี้และทั้งนั้นแม้แต่ข่าวสักถามเฉลยศึกก็ใช่ว่าสามารถเชื่อถือได้สถานการณ์ต่างๆอาจทำให้ข่าวนั้นกลายเป็นข่าวลวงได้ทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลข้อใดโตแย้งพันตรีโรเจอร์ยิ้มรับความจริงยังดูษตีแล้วปล่อยให้พันเอกนอร์แมนตั้งคำถามต่อโอเคโนสตาสำหรับภา ร, รกิจนี้คุณมีทางออกยังไงบ้าง ก็คงไม่มีทางอื่นให้เราเลือกมากนะครับเคเนลนอกาจากทําการราตตเวีนพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองหมายความว่าใช่ครับเคเนลบางครั้งผมก็ไม่อยากยืมจมูกคนอื่นให้ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานนี้รตัตตเวนเองเราเล่นเองเลยดีกว่าพ่นเอกโนแมนนิ่งคิดพอไม่อยากเอากําลังรบชนิดเกรดเอในกองทัพออกไปเสี่ยงกับภารกิจเพียงแค่ราตตเวีนพิสูจน์เท่านั้นทางออกอย่างหนึ่งที่ควรทําก็คือส่งชุดรัตะเวียนทหารลาวหลายๆชุด ให้มากชุดที่สุดเท่าที่จะมากได้ออกทำการกวนป่าเปิดโอกาสให้มีการประทะบ่อยๆแล้วทำการรวบรวมข่าวสารจากการประทะนั้นขึ้นเป็นข่าวกรองทางการรบจนถึงขั้นสุดท้ายจึงส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าทำการบดขยี้ให้สิ้นซากแต่การกระทำเช่นนี้ย่อมหมายถึงการสูญเสียจำนวนมากกองผลเวียดนามเหนือคงไม่ปล่อยให้หน่วยทหารขนาดเล็กอย่างชุดละตเวนลาวเหลือรอดแน่โดยเฉพาะขีดความสามารถของหน่วยจลยุทธ์ซึ่งเหนือชั้นกว่าลาวหลายสิบเท่าด้วยยิงแทบไม่เหลือเปอร์เซ็นต์รอดให้ทหารลาวเอาเสียเลย จำเป็นต้องตัดสินใจใช้แผนการของนักรบรับจางโอเคนอสตาผมเห็นด้วยกับแผนการของคุณจากข่าวสารเพียงเท่านี้คุณมีแผนการลงพื้นที่ยังไงบ้างเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับเคอร์เนลสำคัญแต่ว่าเมื่อพิสูจน์ทราบได้แล้วเคอร์เนลมีแผนการใช้กำลังทหารหน่วยไหนเข้าทำการโจมตีคงไม่ใช่24หรือ26คนในสองชุดของผมกับเซอร์เจนแซมนะแน่นอนนอสตาเมื่อคุณไม่มีปัญหาผมก็ไม่มีปัญหาเหมือนกัน เอาเป็นว่าร้อยผลพิสูจน์ทราบออกมาซะก่อนหลังจากนั้นคุณพิจารณาการใช้กำลังมาเองเลยดีกว่าผมพร้อมสนับสนุนทุกอย่างแม้แต่บิ g Bomber อ, อร์ B52 หรือ F fighting ก็ได้งั้นแผนการส่งลงขอเป็นส่งทางอากาศด้วยการกระโดดร่มลงหลังแนวค่าศึกในเขตเวียดนามใต้แล้วราตะเวนเข้ามาในเขตขเขเมรพร้อมเริ่มงานได้ทันทีเมื่อสั่งโอเคนอสตางั้นคืนนี้คุณ move ได้เลยตอนที่สี่ เที่ยงคืนตรงของค่ำวันเดียวกันนักรบรับจ้างครบทีมงานกับพันตรีมริการสองคนรวมเป็น14คนชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยคอมบันโดมือการอีก12คนรวมทั้งหมดเป็น26คนทั้งหมดบนเครื่องบินลำเลียงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแบบ C-47 โดยฝีมือนักบินมงสังกัดกองกําลังนายพลวังเป่าทยานขึ้นจากวัดไต่แอร์เบสในกรุงเวียงจันทร์มุ่งนาสู่ทางใต้ของประเทศตามภารกิจ เครื่อง447จูบผู้โดยสารประเภทกำลังรมพร้อ ม, มอุปกรณ์ได้32คนที่นั่งแบบเปลยไนลอนเรียงตามความยาวของตัวเครื่องสองแถวหันหน้าเข้าหากันภายใต้แสงสว่างขนาด25แรงเทียนนั้นทุกคนสามารถเห็นหน้าค้าตาซึ่งกันและกันชัดเจน447ชนิด2เครื่องยนต์ไบพัดสองเครื่องส่งเสียงคำรามลั่นดังถึงในห้องโดยสารเพราะไม่มีระบบป้องกันเสียงไม่มีแอร์คอนดิชันอากาศจึงร้อนอบอ้าวเมฆฝนก่อตัวมาตั้งแต่หัวคำ่ำ ต่ำทมืนปกคลุมเวียงกันทรทั้งหมือนแต่ยังไม่ตกเทลงมาฉันบรรยากาศแรงดวนจนทําให้เครื่องเกิดการตกหลุมอากาศบ่อยๆสร้างความหลงคานเป็นอย่างมากจายุทธพงศ์เป็นคนเก็บความรู้สึกไม่ค่อยอยู่เกือบสายตามองนักบินหลายครั้งแล้วเห็นแววหน้าตั้งหิดตั้งิดเต็มทนถึงขราวสุดระงับตัดสินใจลุกจากที่นั่งเดินโซสซัดโซเสดทาท่าจะล้มแหลกไม่ล้มแหลกคล้ายเด็กหัดเดินตรงดิ่งไปหานักบินท่ามกลางสายตาที่มองจากทุกๆคนในทีมงาน กระทังถึงตัวนักบินหมายตานักบินที่1คนทางขวาพร้อมกําปั้นตันโล่แน่นตึบซัดปึ๊กลงบนเฮลเม멧หมวกนักบินลูกรักแบบหมวกกันน็อกหนึ่งทีแรงๆจนนักบินหัวทิมพร้อมไม่ทันระวังตัวส่งผลให้มือกับเท้าที่กาลังอยู่กับคันบังคับทํางานโดยไม่ตั้งใจเครื่ง 4, 4, 7, องสี่เจเชิดหัวขึ้นพร้อมเอียงสายบูผักเลี้วอย่างแรงผู้โดยสารคนอื่นที่นั่งอยู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่จ่าโยธพง์อยู่ในท่ายืนจับยึดไม่แน่นถึงกับล้มก้นจำเบา เรียเสีย ง, งเราจะคนดูเสียงดังลั่นอีกสักครู่นักบินรู้ตัวรีบดึงคันบังคับให้เครื่องเข้าสู่ระดับบินปกติเรียบร้อยแล้วส่งสัญญาณให้นักบินผู้ช่วยรับหน้าที่แทนชั่วคราวจัดการทอดเทลเมิแล้วหันมามองคนประทุษลายทั้งเบื้องหลังาจายยิ็นใจยุทธภงกํากลังกระย่องกระย่างลุกขึ้นยืนจึงเริ่มเข้าใจบางเรื่องที่เกิดกับตัวเองหิ้มแ ย, แย่ให้แล้วตะเบงเสียงแข่งกับเครื่องยนต์เซอร์เจนเครื่องบินนะไม่ใช่รถยนต์นักบินมงกระแดดพูดภาษาอังกฤษทางทางที่ก่อนขึ้นเครื่ออ ทางนี้ไม่รวมภาษาโมงของเผ่าพันธุ์ตัวเองจากยุทธพงษ์ชุนกึกขึ้นมาอีกลุกขึ้นยืนตั้งหลักได้กําปั้นตันรูอันเดิมซัดคลักลงบนไหลจนมองเอียงกระเทะเล่พร้อมกับด่าตอบเออสิวะกูรู้มือฉันตีนใช่ปะหายเลยมึงน่ะนักรบรับจ้างตอบเป็นภาษาไทยเพราะมองฟังดูเรื่องดีอยู่แล้วคราวนี้โดนซัดหนุนสองถึงกับต้องสวนออกมาด้วยภาษาลาวฉันตีนยังไงผมบินไม่ดีตรงไหนตรงไหนก็ตรงนี้นี่แหละวะมึงบินยังไงถลาวูบขึ้นวูบลงอย่างนี้วะ มันตกหลุมอากาศเซอร์เจนแล้วมึงทําไมไม่บินไปตรงที่มันไม่มีหลุมอากาศวะบินให้มันส่งว่าเมฆฝนนีไ่ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมือไม่ถึงใช่ไหมไม่ใช่แล้วทำไมมึงไม่บินขึ้นไปฮะขึ้นไปไม่ได้วะมึง น, นี่พูดยากทิบหายเลยวะ่ะนักบินมือหนึ่งหันมาพูดกับจ่ายยุทธพง์ปล่อยให้นักบินมือสองทำหน้าที่แทนด้วยฝีมือที่ยังห่างชั้นกันระหว่างนักบินทั้งสองเครื่อง4ี4่สดันเข้าไปในเมฆดํา ปะทะความแน่นของชั้นบรรยากาศซึ่งแน่นกว่าปกติเสียงดังคลืดคลือสั่นสะท้านตั้งแต่ปลายปีกถึงปลายหางผู้โดยสารมองนักบินมือ2ดูการแก้ปัญหาเ้าหัวเราะเบาๆโดยมีอาการรู้สึกวันต่อเหตุการณ์ทั้งปวงแม้แต่น้อยนักบินมือหนึ่งส่งสัญญาณมือให้นักบินมือ2ดึงเครื่องออกสายเราหันมาพูดกับยาน ย, ยุทธภพพูดยากยังไงเซอร์เจนยากสิวะมึงทำไมไม่บินเครื่องหนีหลมอากาศหนีไปทางไหนเราเซอร์เจน ตอนนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั่วประเทศลาวหรือจะให้เข้าไปบินในเขตประเทศไทยประเทศเวียดนามเหนือไปได้ไหมล่ะไม่ได้ระยะบินไกลเกินนะ้ำมันไม่พอทั้งนั้มึงก็บินที่สูงก็กุมเมฆ ก, ก็ไม่ได้นั้นแหละเซอร์เจนทาไมทําไมไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวจะมีเครื่องบินเอฟมาบินคุ้มกันเราคือเราบินขึ้นไปมีหวังชนกับเขาแนา่จากยุทธพงศนะ์นั้นไม่รู้เรื่องแผนการนี้มาก่อนเพราะเสนาธิการใหญ่สั่งการเองโดยไม่ได้บอกทีมงาน ทั้งนี้ถือว่าเป็นการบินที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรจึงแยกเคียวใสนักบินมงรัสัตว์มะเหก์ลงบนกระบาลที่ไม่มีเฮลเม멧เสียงดังโป่งหลายคนไม่ได้ยินแต่ใบหน้าบูดเหยเกของมันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดย่างเห็นได้ชัดหัวหน้าทีมนักบรบดาวจ้างฮัวร์ ด, ดังลันในขณะที่พันตรีโรเจอร์ที่นั่งติดกันวางหน้าตายไม่สนใจทั้งจ่ายยุทธพง์และนักบินเราเอื้อมมือพักสวิตบนผนังเหนือหัวเตรียมติดต่ อ, อกลมชาการสันญลัยจากแซมซันเปลี่ยน โอเคซัมซันมีไรว่ามาเลยขอทราบสภาพข่าวอากาศบริเวณแลนดิง้งหรือใกล้เคียงเปลี่ยนได้สิซัมซันฝ่ายข่าวเพิ่ตรวจสอบเสร็จเมื่อครู่นี่เอตอนนี้สภาพอากาศบริเวณรอยต่อลาวเวียดนามใต้กัมพูชาท้องฟ้าโปร่งทัศนวิสัยเหมาะ ก, กับการแทรกซึมเบื้องสูงเป็นอย่างมากคาดว่าสภาพอากาศคงปลอดโปร่งถึงเช้าวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นใต้ฝุ่นลูกใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณชายฝั่งเวียดนามใต้จะเคลื่อนเข้ามาอาจจะมีฝนตกหนักถึงน้ําท่วมไงคิดว่ามีปัญหาไหมไม่มีหรอกซันไร้ ฝ่ายข่าวสภาพอากาศพ อ, รพอประมาณได้ไหมว่าไต้ฝุูลูกนี้จะอยู่นานสักกี่วันหรือกี่อาทิตย์ไม่เกิน3าวันแต่หลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์จะมีลูกใหม่เข้ามาอีกตอนนี้เริ่มก่อตัวในทะเลจีใต้มีขนาดโตแล้วก็รุนแรงกว่าลูกนี้ประมาณเท่าตัวดีงั้นก็เล่นเงินกลางสายฝนนี่แหละถึงจะมันถ้ารอฝนตกหนักสภาพอากาศปิดเป็นเวลานานๆแบบนี้การรัตะเวียนท า, ากาศหรือแม้แต่การส่งกําลังบํารุงท า, ากาศก็คงล้มเหลวด้วยนะสิใช่ การรัตเวยการโจมตีทางอากาศต้องเป็นอย่างนั้นแนะ่แต่การส่งกําลังเพื่อสนับสนุนภารกิจของพวกคุณยุ่งยากอย่างไรก็ต้องพยายามทําให้ได้คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะเชื่อเวียดนามเหนือก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวเหมือนกันจริงมหขอให้จริงเถอะซันไลยังไงก็อย่าพยายามให้นักบินลาวมันบินนะนะเอานักบินอเมริกันมาแทนก็แล้วกันโอเคแนะ่นอนสันซเรื่องเนี้ผมเข้าใจดีอันที่จริงวันเนี้ยสภาพอากาศแบบนี้447สําหรับพวกผมไม่น่าใช้นักบินลาวเลยพระผ้าสิเป็นไงนักบินมองกันนะไม่ได้เรื่องเลยแนละ้วไง ไม่รู้สิสันไลผมว่าสันไ ล, ลต้องมานั่งเองถึงจะรู้หรือไม่ก็สอบถามเซอร์เจนยุทธพงศ์ก็ได้เห็นซัดไปหลายอากักสงสัยนักบินจะช้าในกลับไปหาน้ําใบบบกกินแก้ช้ําแน่อะไรกันแซมสัน้นม้งคนนั้นนะเป็นนักบินมือหนึ่งเลยนะเขาเป็นนักบินประจําตัวเจนรลนวังเป่าเป็นคนที่สามารถทําการบินได้ดีที่สุดในบรรดานักบินทั้งหมดนะโอ้โหนี่ขนาดดีที่สุดแล้วเหรอขั้นเลวที่สุดผมว่าไม่ชนต้นไมห้หัวสนามบินไปก่อนแล้วเหรอมันเป็นไงแซมสัน้นไหนว่าให้ฟังหน่อยสิ พันตรีโรเจอต้องไล่า ย, ยาวถึงเหตุการณ์สนามบินปัจจุบันให้เสนาธิการใหญ่ฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยกลายเป็นเรื่องดีเมื่อฝ่ายผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกับในชุดปฏิบัติการสนามมีเรื่องราวต่างๆให้พูดคุยกันช่วยการติดต่อสื่อสารดำรงอยู่ได้ตลอดเวลาอีกทั้งเป็นการเสริมขวัญไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าถูกลอยแพยจากหนลอยเหนือนานนับครึ่งชั่วโมงที่ทั้งสองสนทนากันทางวิทยุแต่ทางสมควรแก่วเวลานักบินมองส่งสัญ ญ, ญาณมือเยงเยงไม่มีใครรู้ความหมายของมัน มีไรนักบินเครื่องยนต์ซ้ายหรือขวาเป็นไงชำลุกหรือไงจ่าดาวเหนือพูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงโกลัวหัวเราะผ่านเครื่องติดต่อภายในได้ยินทั่วทั้งลําโดยเอียร์โฟนประจําตัวนักบินหมงอารมณ์ดีหัวเราะตอบเสียงลั่นไม่ต่อเซเรจินเครื่องยนต์สี่สบเจ็ดเครื่องนี้ผมรับประกันได้เพราะพวกเปลี่ยนใหม่ทั้งสงตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแน่ละ่ะเครื่องประจําตัวเจะนรั่นนิวาขืนทําช่ยช่วยพวกมึงมีหวังหัวขาดเป็นผีเฝ้าป่าว่าแต่สัญ ญ, ญาณมึงหมายความว่าอะไรวะ บิ๊กบอมเบอร์สี่เครื่องกับไฟเตอร์เอฟแฟนทอมเครื่องกําลังบินอยู่หัวเราก็ยกมือไหวสิวะโทเซอร์เชนกูสาหาัสเรื่องมาช่วยหายเครียดคลางเหงายัางจะมาไหวใครว่าอะไรมึงกูบ่อยมึงยกมือไหวเพราะเห็นพวกนั้นเขาเป็นนักบินรุ่นพี่มึง <c oughs> ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเซอร์เชนครูของผมอยู่ฮาวายโน่นแถวนี้ไม่มีใครเป็นครูการบินของผมหรอกผมไม่ได้เรียนศิษการบินในราวสักหน่อยไม่เหมือนนักบินมงคนอื่นๆพวกนั้นมาเรียนในเวียงจันทร์หรือไม่ก็ข้ามไปเรียนที่อุดร อ่างไกลก็ไม่เกินโคกกระเทียมแอร์เบสในประเทศไทยโมอีกแล้วโมอีกแล้วนะมึงเรื่องคุยแบบเนี้ถนัดนักจาก่าดาวเหนือลำคาญในถิอนอากาศถอดเอียร์โฟนครอบหัวออกเสียเฉยไม่ได้ใส่ใจด้วยว่านะักบินมงคนนั้นจะตอบคําใดว่าอย่างไรออกมาอีกเราหันไปหาพันตรีโรเจอร์เมื่อมีเรื่องบางอย่างอยากคุยด้วยเมเจอร์แน่ใจนะว่าแลนดิ้งคราวนี้ไม่หล่นไปใน ใ, นใจกลางฐานบอ ก, กอผลเวียดนามเหนือหรือไม่กร็ฐานรวมพลดักโกงเวียดกงสักกองพันเน่ย พันตรีอเมริกันจองงานนักบรบลับจ้างทำท่าเหมือนอยากตั้งคำถามนี้ก่อนแต่แตครั้นทูกถามึ้นจึงไม่แน่ใจว่าควรตอบอย่างไรเขายิ้มน้อยๆพยายามทาใจให้เป็นปกติทําเสียงราบเรียบ ก, ก่อนจะถามกลับคุณกลัวเหรอนักบรบลับจ้างหัวเราะหึห่ๆในลําคอ โยนหมัดฝรั่งเม็ดสุดท้ายเข้าปากขยับตัวให้ลมชูชีพด้านหลังช่วยหมุนตัวท่าเอ็นครึ่งนั่งครึ่งนอนพ่อสบายๆพร้อมกับมองสนรวจท่านอเมริกันในแถวนั่งตรงคามเห็นทุกคนวางท่าเฉยจึงหันมาทางพันตรีคอรินด้วยคําถามเดียวกันเมเจอร์คอรินกลัวตายไหมครับชัวร์นอสตาหมายกลัวตายไม่ใช่เหรอคนที่มีกลัวตายก็เห็นจะมีคนบ้าเท่านั้นแหละผู้ช่วยในฐานยุทธการพูดจบแล้วหัวร้นอนลั่นส่งเสียงดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์เลนเอาทุกคนหันมามองเป็นตาเดียว พันตรีโรเจอร์นั่งถัดไปยืนหน้าข้ามจากดาวเหนือมาถามครั้งแล้วคราวนี้ล่ะเมเจอร์ Major กลัวหรือเปล่ากลัวสิผมไม่ใช่คนบ้านี่ทุกคุณว่าไงเซอร์เจนซ์แซมพันตรีคอนลินดึงจากแซมเข้ามาร่วมเกมด้วยจ่านี้โครตัวดำอดีตนักฆ่าแห่งสมรลล์ลุมเวียดนามตายโครงตอบหน้าตายด้วยเสียงอันดังโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาผมไม่กลัวคนอย่างเซอร์เจนซ์แซมไม่เคยกลัวตายโอเคงานนี้เซอร์เจนซ์จะฆ่าสักอีกคน ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้หญิงคนชราที่ไหนมีวีซีผมฆ่าหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวผมจะลบมันออกจากแผนที่เหมือนในเวียดนามใต้นั่นแหละเฮ้เซอร์ชินเอางั้นเลยเหรอพันตรีคอรินทำหน้าตื่นกระหนกแต่แววตามไม่ได้เป็นอย่างนั้นรันนึงที่ความแข่งกล่าวเห็นด้วยกับวิธีการของจ่าแซมมีโครตัวดำชายออกมาจนบางคนเห็นได้ชัดโดยเฉพาะลูกน้องอเมริกันในทีมงาน จ่าแซมยันจ่ายยกร่างยักษ์น้ำหนักขนาดส0งรอปอนด์เดินระวังลมเข้ามาตรงหน้าศกตานักร็ดับจ้างเขมิก่อนจะยิงคําถามน้องตาทราบว่าคุณวิเคราะห์ที่ตั้ง VC ีเก่งไม่ใช่เหรอไม่ว่าคุณจะเดินอยู่บนยอดเขาหรือก้อนหุบคุณก็สามารถรู้ได้หมดว่า VC ีอยู่ที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นงานเนี่ยคุณต้องช่วยชี้ทางให้ผมหน่อยนะจ่าแซมเน้นท้อยคําจ่าดาวเนาหนือศกตานักรบอเมริกันด้วยแววตาของความชื่นชมใช้ลิ้นดุนมาฝรั่งในปากเล่นพยายามใช้ความคิดก่อนตอบคําถามบางอย่าง มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเซอร์เจนบางครั้งพวกเราก็เจอมันไม่ได้เหมือนกันหมายความว่าไงเจอไม่ได้ก็หาไม่เจอไงไม่หมายความอะไรทั้งนั้นแหละเมื่อไม่เจอก็เลยไม่เจอไงแต่คุณก็เจอมันทุกครั้งไม่ใช่เหรอนั่นมันโชคหรือไม่ก็ฟุกไม่ใช่โชคแล้วก็ไม่ใช่ฟุกด้วยผมเชื่อมือคุณนะนอสตาแม้แต่เบริการคนอื่นๆนอกจากพวกเราที่นี่ก็คิดอย่างนั้นมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณโอเคไหมงานเนี้ยผมอาสาเป็นมือสังหารแทนคุณเองทำไมต้องอาสาด้วยเซอร์เจน ไม่ว่าคุณหรือผมหรือว่าใครถ้าพบ VC เมื่อไหร่มันต้องหาทางฆ่ามันอยู่แล้วเพราะเราต้องฆ่ามันก่อนก่อนที่มันจะฆ่าเราไม่ใช่เหรอใช่นอะตาคุณคิดเหมือนผมแต่คุณต่างกับผมตรงที่ผมมาชอบฆ่าทั้งหมดทุกคนไม่ให้เหลือเลยส่วนของคุณนอะคุณใช้หลักมนุษยธรรมมากไปหน่อยผมไม่ชอบเสียงจากแซมดังแรงจนทุกคนได้ยินชัดจากดาวเหนือไม่อยากออกความเห็นในเรื่องนี้เพราะทุกอย่างยังไม่ถึงเวลาเหตุการณ์จริงยังไม่เกิดคำพูดร้อยคำจะเท่าการกระทําเพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้นให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดดีกว่าตอนที่หสิ้นประโยคคำพูด ข, ของจานิกรอเมริกันคลางความเงียบข้อบกคลุนคงเหลือแต่เสียงคลางกระหึ่มของเครื่องยนต์ที่โคนปีกทั้งสองข้างชั่วก่อมความคิดของแต่ละคนให้จมสุขผวังนานาความคิดหลากหลายทัศนาของแต่ละคนล่องลอยไปไกลอย่างไร้จุดกาหนดแม้ตระหนักหรือว่าสงครามไม่เคยให้คุณให้โทษ แต่ทุกคนก็ยังเต็มใจและปรารถนาเข้าหามันทางนี้ด้วยเลือด เ, เนือ้อชีวิตวิญญาณล้วนถูกสร้างมาเพื่อสงครามเป็นการเฉพาะทั้ง26คนบนเครื่อง447ขนานี้ไม่ได้รู้สึกเครียดเกร่งกับสถานการณ์ด้านการข่าวเบื้องต้นก่อนลงสู่สมรภูมิแม้แต่น้อยในทางตรงครามกับมุ่งคิดแต่ว่าจะสามารถค้นหาแรงที่ตั้งค่าศึกนบะบริเวณพิกัดไหน เมื่อพบแล้วสมควรใช้อาวุธชนิดใดเข้าทําการสังหารหรือแม้แต่ลำพังกําลังรบหน่วยทหารขนาดเล็ก2หน่วยจะหยุดอย่างค่าศึกทั้งกองผลด้วยยุทธวิธีอย่างไรนานเท่าใดกี่นาทีกําหนดไม่ถูกความเงียบเกิดขึ้นแสงไฟสัญญาณด้านหน้าห้องโดยสารโชขึ้นเมื่อนักบินต้องการแจ้งเตือนให้ทุกคนรับทราบ พ, พันตรีโรเจอร์หันมามองจ่าแซมซึ่งยืนค้างตั้งแต่ตอนเข้ามาคุยกับจ่าดาวเหนือด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มโอ okay, เคเซอร์เจนเตรียมตัวรันดิ่งได้แล้ว เจ้ามริการทำเหมือนไม่สนใจแต่โกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ถามนักบินนักบินอีกกี่นาทียอนตาเกตนักบินมงเหลือบสายตามองเกตเครื่องวัดความเร็วแล้วหันมาตอบน้ำเสียงกคร่ของเราพราะชอบใจคำพูดที่ทางมริการใช้เรียกส2บสองนาทีส0มวินาทีเจ้ามริการกวาดสายตาสำรวจทุกคนอย่างไม่ตั้งใจ เห็นท่าทางขยับร่มด้านหลังให้กระชับจัดอาวุธอุปกรณ์ประจำกายให้เข้าทีโดยไม่นำพาต่อสิ่งใดจัดการสับผูกเกอร์ของตัวเองเข้ากับสลิงช่วยกระตุกลมและบก้าวขาออกเดินไปจอบประตูเตรียมกระโดดเป็นคนแรกถึงประตูแล้วยังตะโกนเสียงกลับไปหานักบินอีกเปิดประตูสินักบินนักบินไม่ตอบแต่สนองความต้องการกดสวิตช์ไฮดรอลิกทางาน บานประตูชนิดไม่สี่นากระค่ อ, อยๆสไลด์ออกทางด้านข้างสายลมบูบใหญ่กันโชว์ประทาหน้าอย่างแรงจ่าแซมเกิดอาการเซรเล็กน้อยจนต้องเอื้อมือเหนียวขอบประตูไว้แล้วสะบัดดังลั่นเชียสมืดจึงกับนรกลูกน้องตามหลังมาติดๆถูกส่วนหนึ่งของแรงลมกันโชกลางเกาะขอบประตูไม่ได้ต้องเกาะเป้หลังจ่าแซมแทนได้ยินคําบ่นจึงพูดขึ้นบางเธเช่นกลัวเหรอชาต้าไอ้ปีกเมาคนยังกลัวหรือกลัวนั้นก็โดดเลยสิ แน่นอนกูต้องจำเอาหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วมึงคอยตามให้ดีก็แล้วกันสองคนพูดกันได้ยินตามลำพังทีมงานคนอื่นๆก็ต้องสารวณกับการจัดลำดับเพื่อทำการกระโดดร่มในเวลากลางคืนลงสู่เป้าหมายพื้นที่ค่าสึกตามแผนที่กำหนดไว้จ่าแซมนำหน้าลูกทีมอเมริกันทั้งสิคนโดยมีพันตรีคอรลินปิดท้ายตามด้วยทีมงานนั ก, กรบลำจางพันตรีโรเจอร์กับจา่าดาวเหนือปิดท้ายตามลำดับทั้งสองยืนอยู่หลังนักบินพอดีความสูงโอเคไหมโอเคครับเมเจอร์ห0พันฟุตตามแผนทุกอย่าง ตัวสอบแรงลมได้ไหมลมสงบครับรูได้ไงในเครื่องบินโบราณแบบนี้มีเครื่องตรวจสอบด้วยเหรอใช่ครับ447เครื่องอื่นไม่มีแต่เครื่องนี้มีครับเมเจอร์โอเคเข้าใจพันตรีโรเจอร์หันมายิ้มกับจาดาวเหนือทั้งสองเข้าใจกันเองโดยไม่ต้องอธิบายเมอร์447ดากูตาสำหรับ V.I.P เครื่องนี้เป็นเครื่องประจาตัวในพลวังเป่าเทพเจ้าแห่งกองกาลังมง ยอมต้องมีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการบินครบถ้วนเท่าที่กองกำลังทหารสารัฐจะสามารถจัดหามาให้ได้นักบินกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งก่อนเข้าสู่จัมปิ้งโซนโยกคันบังคับซ้ายขวาเล็กน้อยแล้วจัดระดับเพดานบินเครื่องตกหลุมอากาศวูบใหญ่สครูตัวเลขสีแดงบนแผงแจ้งเตือนก็ปรากฏขึนเมื่อ น, นักบินตรวจสอบความแน่นอนแล้วกดสวิตห้ 5, 4, 3, 2, 1, าสีซีโร่เา พันตรีโรเจอร์ตะโกนสุดเสียงได้ยินทั่วห้องโดยสารลูกน้องอยู่หลังซัดมือลงบนเป้จากแซมซึ่งยืงเกาะขอบประตูอยู่ข้างนาดังพลักปเปนเชิงเตือนจากหัวหน้าชุดเหลือบสายตากลับมามองแวบหนึ่งทำท่าคล้ายๆจะพูดว่าระดับกูไม่ต้องเตือนแต่ก็ไม่ทันได้พูดเพราะลูกน้องตัวดีเงื้อเท้าเตรียมยันก้นตัวเองรอไว้แล้วตัดสินใจทยานออกจากช่องประตูพุ่งเหลา่าสู่ห้วงอากาศด้านนอกก่อนโดนขี่ให้เสียศักสี จ่าแซมไม่มีโอกาสได้ยินเสียงหัวล้อของลูกน้อ ง, องสองคนที่เห็นเหตุการณ์จากด้านหลังหลุกตัวเองออกไปได้ก็แหกปากร้องนับหนึ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, ่งพันหนึ่งหนึ่งันสองหนึ่งสาหนึ่งสี่รอจงังหวะโล่มกลางกระทังเสียงดังครับครับดังขึ้นด้านเหนือหัวร่างกายน้ำหนักเกือบ200อปอนด์ถูกกระชากอย่างแรงแม้มองไม่เห็นแต่ก็รู้ว่าร่างกายนั้นหยุดการเคลื่อนไหวแบบลอยละลิ้วลงแล้วเซวินาทีที่จ่าแซมหลดออกไปก่อนลูกน้องคนถัดไปกระโดดตามทันทีคนที่สามสี่ หาตามต่อด้วยระยะเวลาความห่างเท่าๆกันชนิดก้าวต่อก้าวไม่ผิดพลาดไม่มีอาการชะงักงนันใดๆลูกจากเครื่องไปแล้วร่วมเริ่มกางทุกคนไม่กลัวว่าผืนร่มจะพันเกี่ยวกับคนข้างเคียงแม้แต่น้อยสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียวคือระยะเคียงของความห่างระยะกันและการหลังลงพื้นต้องไม่ไกลเกินไปเท่านั้น พันตรีโรเจอร์กระโดดนำจากดาวเหนือไปก่อนในขณะที่ฝ่ายหลังพร้อมเต็มที่ทะยานตัวตั้งแต่ยังไม่ถึงขอบประตูตามปไปติดๆจนดูเหมือนเป็นการกระโดดคู่ช่วงเวลาห่างกันไม่ถึงก้าวกับความเร็วเครื่องบินทําให้ทั้งคู่ใกล้กันไม่ถึง1ิบก้าวบนอากาศโดยความมั่นใจระบบการทํางานของล่มจึงไม่มีการนับเวลาล่มกลางแล้วตรวจสอบตามระบบความชํานาญบวกความใจถึงหัวหน้าชุดนักรบหลับจางเงนหน้ามองไปทางทิศที่เสียง47กําลังบินจากไปก่อนส่งเสียงเลขานายทหารยุทธการ เมเจอร์ Major, อยู่ไหนอยู่นี่เนาะสตาร์ห no ่างคุณมากเลยหรอกโอเคเมเจอร์จากเสียงเครื่องบินได้ไหมได้แล้วทางขวามผมงั้นดึงไกด์ไลน์หันหน้าไปทางด้านนั้นเลยในความมืดบนอากาศแม้มองไม่เห็นแต่ผู้มีประสบการณ์สูงสามารถใช้ตำแหน่งของเสียงกำหนดทิศ ท, ทางได้มือทั้งสองช่วยคว้าหัวไม้์ก็คปลายเชือกบังคับทิศ ท, ทางลมมือสายดึงลงยาวๆแรงๆจากตำแหน่งข้างหูลงไปจนสุดแขนดึงแล้วปล่อยทำการดึงซ้ำอีกครั้ง ลมชูชีพทั้งอันเอียงวูบพร้อมกับทิศทางของตัวเองที่เริ่มเปลี่ยนไปทางซ้ายโอเคผมเรียบร้อยแล้วคุณโนสตาเรียบร้อยเป็นกันลมไม่แรงเลยนะแมเจอร์อย่าเพิ่งคิดอะไรเลยเตรียมลงพื้นเตรียมลงพื้นชุดปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกใช้เวลาลอยตัวอยู่บนอากาศท่ามกลางความมืดและสายลมสงบด้วยเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเริ่มเกรงตัวเก็บขอ ง, งอเข่าเท้าชิดกลั้นใจ ปล่อยร่างกายสัมผัสพื้นดินเบื้องล่างโดยไม่สนใจที่จะบังคับทิศทางไม่มีใครหลับตาแม้มองไม่เห็นกระทั่งปลายเกิดตัวเองไม่นานเสียงดังซาซาคลื่นคืนพักพักกึกกกึๆกๆก็ดังระงมต่อเป็นแนวยาวเรียงตามลาดับบางคนหล่นลงบนพื้นญ้าที่สูงท่วมหัวบางคนโชคดีที่ญยาสูงกว่าระดับหัวเขานิดเดียวบางคนตกลงไปใจกลางไม้พุ่มเตีย้ยแต่กวางติดงกอยู่ตรงนั้นงานนี้เหมือนพระเจ้าเข้าคางไม่มีใครติดค้างบนยอดไม้ใหญ่ ทางนี้เนื่องมาจากการวิเคราะห์ภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศอย่างละเอียดถีทวนว่าบริเวณกว้างขวางแห่งนี้เป็นพื้นที่ทุง่งหญ้าไม่มีอุปสรรคสําคัญต่อการส่งลงทางอากาศแม้แต่น้อยจัดดาวเหนือลงพื้นเป็นคนสุดท้ายและณจุดลงพื้นนั้นถือเป็นจุดเริ่มของหัวขบวนเดินจุดปฏิบัติการทุกคนหมายแนวเสียงเครื่องบินเป็นเครื่องกําหนดทิศไปสู่จุดนัดพบซึ่งตง้องเคลื่อนตัวไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นอสตาเมเจอร์โอเคไหมโอเคเมเจอร์มูฟเลยครับ เดี๋ยวเก็บร่มก่อนไม่จําเป็นทิ้งไปเลยเมเจอร์เฮ้ยจะดีเหรอถ้าข้าสึกมาพบล่ะช่างมันถึงไงไงมันก็รู้อยู่แล้ววิทยุบอกพวกเราทุกคนไม่ต้องเก็บร่มทิ้งไปเลยหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างพูดพร้อมกับใส่กล้องเล็งกลางคืนบนหลัง M203 SMA1 ไปมารอบๆพื้นที่ลงพื้นเริ่มจากด้านหน้าซ้ายขวาแล้วกลับมาเลยไปทางด้านหลังเห็น hey, ลูกทีมหลายคนกําลังสารวนกับการม้วนร่มเตรียมเก็บเข้าถุงโดยไม่นําพาต่อการตรวจการรอบที่ตัง้ง พันตรีโรเจอเข้าใจความมุ่งหมายของจ่าดาวเหนือแล้วรีบดึงไอคอนประจำตัวขึ้นมาติดซอกไหล่กรอกเสียงสั่งการทันทีนั่นแหละทุกคนทั้งอเมริกันและไทยจึงผละจากสิ่งที่กำลังปฏิบัติหันมาส่องกล้องกลังขืนสำรวจเหตุการณ์รอบข้างเร็วเมเจอร์ป่าทึบอยู่ห่างที่นี่เกือบสามพันเมตรไม่ต้องรอให้เตือนหนึ่งครั้งที่2พันตรีเมริการเห็นในกล้องเล็งบนสันปืนว่าคนเรียกเดินนำไปก่อนแล้วตัดสินใจก้าวขาฝ่าดงหญ้าหนาสูงระดับเอวตามไปอย่างรวดเร็ว ลูกทีมคนอื่นๆเห็นการปฏิบัตินั้นจากก้องเล็งตัวเองจึงไม่สนใจการพลางร่องรอยใดๆเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรล่มชูชีพจำนวนทั้งหมดก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วใจหนึ่งกับคิดว่าหัวหน้าทีมคงมีแผนการเฉพาะหน้าบางอย่างขันเมื่อยังสอบถามไม่ได้จึงต้อเป็นต้องเคลื่อนที่ตามทันทีพันตรีโรเจอร์สาวเท้ายาวไม่กี่ก้าวก็สามารถเดินขึ้นไปประกบหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างได้นอสตากลับระเบิดไม่มีโลกเมเจอร์แน่ใจได้ไงไม่มี ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่น่ามีเว้นเสียแต่ว่า VC ีรู้ล่วงหน้าพวกเราจะมาที่นี่เขตนี้เปพื้นที่อิทธิพลของมันนะใช่แต่วันนี้กับขนาดนี้เรามีอิทธิพลเหนือกว่ามันหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจก็ไม่รู้สิเมเจอร์อย่าพร่ำอยู่เลยเร่งความเร็วก่อนดีกว่าพันตรีอเมริกานกลัดกล้องเร็งกลางคืนสำรวจด้านหน้าอย่างรวดเร็วแต่จ่าดาวเหนือกลับไม่ทำก้าวขาฟาดดองยาลุดหน้าเฉยไม่สนใจแม้เหตุการณ์พวกเดียวกันทางด้านหลัง พอเชื่อทุกอย่างเรียบร้อยละหากมีสิ่งใดขัดข้องมันคนนั้นต้องวิทยุส่งข่าวมาแล้วเส้นทางลุดหน้าไปได้กว่าครึ่งหนึ่งของระยะถึงชายป่าเสียงเครื่องบินลัตะเวนเริ่มดังแว่วจากท้องฟ้าทั้งทิศเหนือด้วยความสูงระดับหน0 0งฟุตเมเจอร์ส่งข่าวถึงนักบินได้เลยครับพันตรีโรเจอร์เข้าใจทันทีว่าต้องปฏิบัติอย่างไรกับเหตุการณ์นี้จัดการเปิดเครื่องไอคอมส่งครื่องสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติให้นักบินทราบแล้วหลอกและทั้งถูกเรียก ส, สั้นๆจากลัมเซ คุณมีอะไรถึงผมไหมไม่มีแต่ต้องการทราบข่าวจากคุณพิทายงานสันไลว่าการส่งลงเรียบร้อยมาหรือเหตุการณ์ปกติหรือเปล่างั้นแจ้งไปเลยว่าเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติดีทุกอย่างไปไปตามแผนขอบคุณแฟลมซันรู้สึกขบวนเดินของคุณยาวมากนะถ้าที่ผมดูจากจอเรดาร์คิดว่าเกือบสามร้อยเมตรไม่มีปัญหาเพราะผมต้องการกระจาย ก, กําลังเพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายใหญ่แล้วพวกคุณคิดว่าจะสามารถเข้าช่วยเหลือกันได้ทันเหรอแน่นอนเลมซี่ต้องทันสิไม่งั้นผมไม่ยืดขบวนเดินอย่างนี้หรอกอืมแปลกดีนะ ผมไม่เคเห็นหน่วยปฏิบัติการหน่วยไหนทำอย่างคุณเลยทุกทีเห็นไยไหนไปการเป็นกลุ่มใหญ่เวลามีประทหาจะได้สนับสนุนกันเองเร็วขึ้นช่างเด็ดแลมเซ่ผมทำขผมอย่างนี้มานานแล้วว่าแต่คืนนี้คุณกลับไปแล้วพรุ่งนี้เช้าใครมาแทนคุณหรือเปล่าไม่มีใครมาแทานหรอกครับผมต้องมาเองเพราะผมรับภา ร, รกิจติดตามชุดปฏิบัติการของคุณประจำตามคำสั่งของซันไลทุกทุกหกชั่วโมงดังนั้นผมจะขึ้นมาคอยคุณนะโอเคไหมโอเคดีมากแลมเซ่ตอนนี้คุณกลับไปได้แล้วลำคาญว่ะขอบคุณสันซัโชคดีนะ ตอนที่6จ่าดาวเหนือนำาลี้วห่างไปข้างหน้าเกือบสุดระยะทำงานของกล้องเร็งกลางคืนพันตรีโรเจอร์เร่งความเร็วตามะระยะ ก, กว่า300รอเมตรจึงจะตามทันจากยุทธพง์เห็นเหตุการณ์แล้วเข้าใจด้วยตัวเองสั่งการลูกทีมให้แบ่งออกเป็นสองพวกซ้ายขวารักษาระยะห่างเดิมไว้พร้อมกับส่งข่าวทั้งวิทยุถึงพันตรีคอรินให้กาชับชุดของจ่าแสมจัดขบวนเดินอย่างเดียวกัน พร้อมชุดระวังหลังสองคนคอยสังเกตการต่างหากกระทั่งเงาตะคุ่มตะคุ่มสีเทาอมดำบนพื้นสีม่วงในจอกล้องแหลงหายเข้าไปในดงไม้ใหญ่พันตรีโรเจอร์กวาดกล้องซ้ายซ้ายขวาค้นหาไม่พบลดความเร็วลงแล้วเดินดุยๆยตามไปตรงๆโดยไม่ลาความพยายามและแล้ ว, ลวบัดด น, นั้นเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยมานานแสนนานก็ผ่านดังขึ้นโอ้ยโอ้ยเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นสองครั้งสอนติดติดกัน ตำแหน่งของเสียงไม่ไกลนักแต่เท่าที่สังเกตง่ายๆพอเชื่อได้ว่าไม่ใช่เสียงของคนคนเดียวกันมีเสียงร้องแต่ไม่มีเสียงปืนหรือเสียงอาวุธใดๆไม่มีแม้เสียงคนเคลื่อนที่ว้ตัววิ่งหนีผ่านตรียมมรการวาดกล้องเล็งออกสาย45องศาตรงทางทิศกาเนิดเสียงแต่ก็ไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ไม่นานเสียงย่างเก่าก็ดังขึ้นมาอีกโอ้ยโอ้ยคราวนี้เป็นเสียงของคนคนเดียวกัน สิ้นเสียงร้องพลางเสียงวิ่งโศบสับ ด, ดังตามมาจากจุดที่มีเสียงห่างลึกเข้าไปในป่าและอึดใจนั้นเสียงวิ่งก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องโอ้ยโอ้ยจ่ายยุทธพงศกับไอเล็กชาร์จยาวรวดเดียวนำหน้าเพื่อนเข้าประกบพันตรีโรเจอร์สอบถามว่าจ่าดาวเหนืออยู่ไหนเจอข้าศึกได้อย่างไรค้าศึกอยู่ไหนหลายๆอย่างล้วนหาคําตอบอะไรไม่ได้แม้จะได้พยายามใส่กล้องเล็งค้นหาแล้วก็ตามถึงตัดสินใจพลาดจะจุดวางตัวดิ่งตรงไปยังจุดที่มีเสียงร้องโดยไม่ฟังเสียงทัศทานจากใครโอ้ย อออ้ยอ้ ย, ย, ย, ยเสียงร้องครวญครางยาวๆปนเสียงเตร์กกิ้งประทะกิ้งไม้ดังตามมาอีกจ่ายุทธพงศ์กับไอเล็กชาร์ดเร็วเต็มฝีตีนได้ยินเสียงคนดิ้นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก็ยังหาตำแหน่งที่แน่นอนไม่ได้ทั้งคนร้องเองและคนทําให้มันร้องเอาไงดีพี่ไม่ต้องอาอะไรทั้งนั้นแหละค่อยๆลุกตามไปเรื่อยๆก่อนจ่ายุทธพง์ตัดสินใจเองพร้อมกับชาร์ดเข้าหาที่กำบังหลังโคนไม้ใหญ่ข้างหน้าไอ้เล็กรุ่นน้องรู้ใจพอประกบคู่เข้าหาค่าสึกร่วมกันเป็นประจำ ชาดออกขวาระยะห่างสิบก้าวทั้งสองสอดสายกล้องเล็งวาดไปมาจากสายขวา ใ, า, ยาใกล้ไปหาไกลเสียงร้องโอดโอยของคนเจ็บดังชัดยิ่งขึ้นและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็พลันเกิดขึ้นพระเจ้าเป็นใจหรือย ม, มาบาลเข้าข้างก็สุดแท้ทั้งจ่ายยุทธพงษ์ทั้งไอเล็ก ต่างแรงเห็นภาพอันเดียวกันระยะห่างราวห้าสิบเมตรภายใต้เงาบางของไม้ใหญ่ฆ่าศึกสองคนกําลังคืบคลานถอยหลังรางเงาดํายาวเหยียดขณะนอนคลานปรากฏเด่นหลานในกากระบัดกล้องเล็งกลางคืนพี่ดาวเหนือหรือเปล่าวะเล็กไม่หรอกพี่ดูหมวกมันสิเออว่ะหมวกกะโลแบบนี้มีแต่ทหารเวียดนามนี่ว่าแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนวะก็คงแถวนี้แหละพี่เก็บตัวเงียบสงสัยดักซัดไอ้พวกนี้มั้งแสดงพี่เขายังหายพวกนี้ไม่เห็นใช่มันหมอบต่ำบางโคนไม้ โน่นไงไคนเจ็บอยู่ถัดไปทางขวาน่ะเห็นไหมพี่เออเห็นแล้วงั้นพี่เราต้องอยู่ถัดขวาห่างไปอีกสิวะใช่พี่งั้นเราจัดการในสองตัวนี้เลยดีกว่าตกลงยิงขามาาันนายอย่าเพิ่มให้มันตายเพื่อเรี้ยงพวกมันออกมาอีกมึงเอาไอ้คนขวาเดี๋ยวกัวคนซ้ายเองนักร้รับจ้างระดับรองหัวหน้าชุดปรึกษากันก่อนเพื่อความแน่ใจว่าไม่สุ่มเสี่ยงยิงพวกเดียวกันเองงานนี้กันพลาดด้วยการไม่จับจุดตายทั้งทังที่ฆ่าศึกทั้งสองโชชัยโครงเป็นเป้าหนาร่ออยู่ซึ่งหากพลาดเป็นจ่าดาวเหนือ ผลที่ออกมาก็จะเป็นแค่บาดเจ็บเท่านั้นมือสังหารใช้เวลาไม่ถึงอึดใจจับกากบาทเข้าที่บริเวณข้อเท้าแล้วลั่นกายทันทีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็สูนโหละเบอร์สองนัดล่นผ่านลำกองติดกระบอกเก็บเศษจากปืนทั้งสองกระบอกเร็วจนเกือบจะพร้อมกันผลการยิงปรากฏออกมาทันทีข้าสึกสองคนร้อง่นด้วยความเจ็บปวดสะดุ้งสุดตัวทิ้งอาฆาคู่มือ ัล่างขึ้นใช้เกาะกลุ่มข้อเท้าแล้วล้มตัวลงเกิดกิ้งไปกับพื้นท่ามกลางความมืดจาดาวเหนือกบดานเงียบหลังจากสังหาร้าสึกชุดแรก4ี่คนซ้อนเรียบร้อยแล้วรู้เหตุการณ์รอบคางขนาดสองคนลุกเข้ามาทางด้านปีกซ้ายทุกขณะแต่ก็ไม่อาจจะเปิดเผยตัวได้ยามเมื่ อ, อยังไม่แน่ใจว่า่าสึกนั้นมีเพียงสี่หรือมากกว่านั้นเชนนี้น่าจะลองปล่อยให้สองคนนั้นสแสดงฝีมือบ้าง ไม่นานความจริงก็เผยออกมาจากสี่คนแรกว่ามีเพิ่มอีกสองดังนั้นต้องเหลืออีกสองตามลักษณะของการจัดกําลังรบของหน่วยจรยุทธเวียดนำเหนือสองหน่วยจรยุทธเท่ากับแปดคนขณะ น, นี้จึงยังต้องเหลืออีกสองแผนการเล่นเกมแบบกันทล า, าที่จ่ายุทธพงคิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันต่วนภายใต้สถานการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ช่วยให้คาดการณ์ของจ่าดาวเหนือเป็นจริงยิ่งขึ้น มือสังหารวาดจั ก, กระบาดก้องเล็งสายขวายึดแนวบริเวณที่ไอสองคนหลังนั้นอย่างใจจดใจจอ่อเชื่อว่าตัวอย่างเพื่อนถึง6คนที่มีอันเป็นไปแล้วต้องทำให้มันขวัญผาวาอยู่ไม่ติดแน่ไอ้ยอ้ยมือระดับหัวหน้าชุดไม่มีคำว่าพลาดกระสุนนัดเดียวเข้าชายโครงไอคนหนึ่งที่กำลังยืดตัวเตรียมยืนก่อนจะวิ่งหนีอย่างแม่นยำร่างทั้งร่า ง, างแอนตกายอากาศอาก้าลุดมือแหกปากร้องเสียงดังลัน่นบิดสายขวาได้2องฟัมทีก่อนเอาหน้าฟาดพื้นดินแน่นิ่งไป อยอยยพริกตาต่อมาจากยุทธพงศ์ได้แสำแดงความแม่นยำก่อนตามด้วยไอ้เล็กคนมาด้วยกันเมื่อค้าสึกคนสุดท้ายตามคาดหมายเสียขวัญลุกพรวดพลาดขึ้นยืนเตรียมหาแรงกำบังใหม่ใกล้ๆกันร่างเต็มตัวปรากฏขึ้นในกล้องเล็งจากยุทธพงศ์ซัดได้แถวๆแผ่นหลังส่วนบนไอ้เล็กซัดต่ำลงมาหน่อยคนดวงขาดถูกอำนาจกระสุนโฮลเบิร์ตสองนัดสอนด้วยเวลาห่างกันเพียงช่วงมแมลงกระพือปีตรงเจ็บปวดเพิ่มเป็นสองเท่าทั้งสองจุดล้วนเป็นจุดตายอย่างฉับพลัน จึงไม่ต้องสงสัยเลย ว, ว่าวิญญาณของมันรุดจากล่างลอยสู่นรกไปแล้วตั้งแต่ล่างยังไม่กระทบพื้นจ่าดาวเหนือร้องลั่นด้วยความสะใจเปิดเผยตําแหน่งวางตัวให้ทุกคนได้รู้พอดีในจังหวดเดียวกันพันตรีโรเจอร์ตามมาสมทบจ่ายยุทธภพกับไอเล็กทั้ง3าถึงก็งงเพราะเพิ่งรู้ตัวเองว่าคาดการจุดฝังตัวของหานาชุดพิษตําแหน่งอะไรวะอยู่ห่างนึกเกือบร้อยเมตรทํางานได้ไงวะไอเล็กเปลยขึ้นมาคนเดียวทําเสียงคล้ายคนไม่เชื่อสายตาตัวเอง จ่ายยุทธพงศ์หัวเราเบาๆแล้วช่วยแก้ข้อกังขาระยะแค่นี้ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่วะขนาด500เมตรก็ยังเคยยิงมาแล้วนี่ถ้ามันยิงกระสุนแก๊สพิษยิงลงเป็นพื้นที่ไม่ใช่ยิงเฉพาะจุดแบบนี้แล้วมึงสงสัยตรงไหนระหว่าง100เมตรกับ500เมตรสงสัยสิสงสัยตรงที่ทำไม ถ, ถึงยิงเร็วนะักพี่ไม่ได้สังเกตเหรอชุดแรก4ี่คนลวดเรียงลําดับยิงกับเข้าคิวตายอย่างนั้นแหละเออว่ะก็จริงของมึงเรื่องนี้น่าสงสัยว่ะพี่ว่าพี่ดาวเหนือเขายิงยังไง จ่ายุทธภง์ตอบคำถามไอเล็กพร้อมๆกับใสยกล้องเล็งค้นหาเป้าหมายใหม่ที่อาจจะมีกระทังสุดท้ายกลับมาหยุดตรงหัวหน้าทีมคนหน้าสงสัยขณะกำลังเดินโยงโยงเข้าหาร่างเย่อสังหารโดยท่าทางไม่นำพาต่อสิ่งใดๆทั้งสิน้นนึกสนุกขึ้นมาจึงหาคำพูดยีหยวนไอเล็กเล่นเวลาจะยิงใช่ไหมเขาก็หันปากลํากล้องไปทางหัวกระบาลใครสักคนแล้วก็ลั่นไกก็แค่นั้นแหละวิธียิงของเขาไอเล็กคอนประดับประเลิกในความมืดหันกลับหลังเห็นพันตรีมรือการยืนเต็มตัว พร้อมก้าวขาวออกเดินตรงดิ่งไปทางหัวหน้าทีมหันมาทางจ่ายยุทธภง์อีกครั้งกลับเห็นเดินออกไปอีกทางซึ่งตรงคามข่าวนี้ต้องเป็นงงไม่รู้สองคนนี้คิดเรื่องอะไรอย่างไรสักครู่เสียงวิทยุสแตนบายบนซอกไหลดังขึ้นจําได้ว่าเป็นเสียงหัวหน้าทีมยุดออกซายไปทางห้าสิบเมตรแล้วตัดตรงไปร้อยเมตรดูซิว่ายัางเหลืออีกไหมเมเจอร์ออกขวาแล้วปักหลักคอยตรงนั้นได้เลยครับ หัวหน้าทีมสั่งการสองคนรับผิดชอบปีกสองข้างของพื้นที่ไอเล็กเข้าใจทันทีว่าตัวเองควรทาอย่างไรปักหลักอยู่ที่เดิมคอยระวังกลางเราส่องกล้องดูการปฏิบัติของหัวหน้าทีมเมื่อประชิดตัวไอเดนตายกลุ่มนั้นได้แล้วเสียงลมเป่าปากลํากล้อง M203 ติดกระบอกเก็บเสียงดังมาให้ได้ยินไม่แรงนักแต่ก็พอรู้เรื่องสิ้งเสียงปืนแต่ไม่มีเสียงคนร้องสแสดงว่ามันตายไปก่อนแล้ว <S <S ไอเล็กวาดกล้องเล็งตามไปเห็นอาการจ่อปากกระบอกปืนอัดเข้าบริเวณหน้าผากเรียงลําดับทีละคนทีละคนจนครบ ยุดไมเจอมีอะไรไหมไม่มีครับพี่ปลอดภัยดีนอร์สตาแม้แต่มดสักตัวก็ไม่มีโอเคก็เมเจอร์สองเเจนสามมูฟตามมาได้แล้วเราต้องเคลื่อนที่ต่อไปอย่างน้อย5กิโลเมตรก่อนเริ่มแสงเช้านี้พันตรีโรเจอร์ส่งข่าวถึงส่วนท้ายขาบวนแล้วสปีดสีเทาขึ้นประกบจ่าดาวเหนือปล่อยหน้าที่ระวังหลังให้กับจ่ายยุทธพงษ์ได้เล็กไปรับผิดชอบนอร์สตาคุณรู้ได้ไงในป่านี้มี VC ีดักรออยู่ที่แรกก็ไม่รู้หรอกเมเจอร์แต่พอเริ่มออกเดินเท่านั้นแหละถึงเห็นเห็นคุณเห็นอะไรนอร์สตา ก็เห็นรอยของปุมันนะซีเมเจอร์เห็นรอยรอยอะไรตรงไหนคุณเห็นกี่รอยใจเย็นเมเจอร์เอาทีละคำถามสิครับเอางี้แล้วกันผมจะว่าให้ฟังพอเราเริ่มเคลื่อนที่มาทางทิศเนี่ยผมก็เห็นรอยเท้าคนย่บาบนหญ้าเป็นแนวยาวเหยียดร้อยใหม่ๆทั้งนั้นผมก็เลยถือโอกาสย่ําทับตามรอยมันมาเรื่อยๆยิ่งมาก็ยิ่งเห็นก็เลยชักไม่แน่ใจคุณเห็นแต่ผมรู้ว่าใครๆทําไมไม่เห็นก็จะเห็นได้ไงเนี่ยเมื่อทุกคนเดินทับรอยผมมาต่อนึงนะ่ะ อ๋อโอเคไอซีแล้วหลังจากนั้นล่ะก็หลังจากที่ผมสงสยัยผมก็ได้ตัดเส้นทางออกสายปล่อยพวกเราเดินตามรอยมาเรื่อยๆเพื่อเบนความสนใจพวกนี้ออกห่างจากตัวผมแล้วไงก็ไม่มีอะไรหรอกเมเจอร์ไอแปตัวนี้กําลังเตรียมซุ่มโจมตีอยู่พอดีผมตรวจพบแนววางตัวของพวกมันซะก่อนมันกําลังร้อยชุดของเมเจอร์เข้าใกล้ได้ระยะสักประมาณ50เมตรสําหรับการยิงตอนกลางคืนผมซัดมันตั้งแต่พวกเราอยู่ห่าง300เมตรพวกมันเลยหมดโอกาสก็แค่นั้นเอง ในความมืดขณะเดินตามหลังนั้นพันตรีโรเจอร์แทบไม่เชื่อหูตัวเองตีหน้าเลยหล่ะจ้องมองแผ่นหลังคนพูดนิ่งเขม็งหากทุกอย่างไม่เห็นกับตาคาสึกทั้งแปดคนด่าวดินไปต่อหน้าเช่นนี้เป็นไม่เชื่อเด็ดขาดนอสตาคุณเห็นร่องรอยคาสึกคุณรู้แม้กระทั่งผู้มันวางตัวแนวไหนคุณรู้ในขณะที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยคุณทําได้ไงผมไม่เข้าใจจริงๆโท่เมเจอร์ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแหละครับ ตามีมองเห็นหูมีฟังรู้เรื่องประสาททุกส่วนความรู้สึกทุกอย่างยังเป็นปกติไม่ใช่เฉพาะผมหรอกที่ทําได้แม้แต่พลทหารเพิ่งฝึกจบหลักสูตรใหม่ๆก็ทําได้ไม่จริงเรื่องนี้ผมขอเถียงเพราะแม้แต่ผมเองซึ่งตามหลังคุณมาติดๆยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุณรู้ได้ยังไงเมเจอร์ช่างเถอะอย่าสนใจอะไรให้มันมากนักเลยมาเล็งกินอารมณ์เปล่าๆเรื่องที่มันแล้วก็ให้มันแล้วไปเก็บความรู้สึกเก็บสมองไปขบคิดเรื่องข้างหน้าดีกว่า ดาวเหนือตัดบทง่ายๆเมื่อเห็นว่าเรื่องราวชัดกระปใหญ่พันตรีโรเจอร์ยิ้มเจริญเมื่อเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นซื่อบื้อจนเกินงามตัวเองมีตำแหน่งถึงนายทหารยุทธการแต่จับรหัสความตายตื้นๆเพียงเท่านี้ไม่ได้เล่นความเร็วจากเดินตามเป็นเดินประกบเคียงคางแล้วยิงคำถามใหม่โอเคดีเหมือนกันนอสตางั้นคุณมีแผนการอะไรต่ออีกนักรบรับจ้างหัูรบเบาๆในลําคอเดี๋ยวไปสบตาพันตรีโรเจอร์อย่างคนอารมณ์ดีแผนพยักไล่ฝูงลูกกวางให้กลับไปหาแม่มันในถ้าสิครับเมเจอร์ แผนพยักไล่ลูกกวางคุณหมายถึงอะไรนอสตาก็หมายความว่าบัดนี้พยักไลยได้เหยียบย่างมาสู่แขวงอัตปือแล้วกําลังไล่ล่าเหลากวางจ้อยบรรดาสัตว์กระจอกตัวน้อยๆให้กระเจิดกระเจิงกระทั่งแตกสลายเพ่นหนีไปอยู่ที่อื่นไงเล่าเฮ้นอ <Hey, S 1> สตาผมงงหนักยิ่งขึ้นสำบัติสานวนอะไรของคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณพูดให้เคลียร์กว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ยากไม่เจอ้อ ผมนี่แหละจะเป็นพยักไร้แห่งอัตต์ปือให้เวียดนามเหนือเก็บเอาไปบันทึกลงในประวัติศาสตร์ของมันละ่ะคราวเนี้เคลียร์หรือยังครับตอนที่เจดบ่ายจัดสายฝนยังไม่สาเม็ดหลังจากเทลงมาราวกับฟ้ารัวตั้งแต่เชา้ากองพลทหารราบที่612เวียดนามเหนือตั้งกองบัญชาการอยู่ในเขตแขวงอัตต์ปือภาคใต้สุดของประเทศลาวภารกิจเป็นหน่วยโจมตีหลักต่อพื้นที่รอยต่อลาวเวียดนามใต้ ทำลายล้างแล ะ, ะเผชิญหน้าโดยตรงกับกองผนฐานราบที่47เวียดนามตายภายใต้การสนับสนุนของกองกางําลังนาวิกโยธินสหรัฐประจําเวียดนามตายพันเอกเหงียนยาวซางผ อ, อพลกับนายทหารฝ่ายเสยนาธิการในกองบัญชาการรับนี้เฝ้ารอเวลาฝนหยุดอย่างกระวนกระวายครบกําหนดวันที่สแล้วที่เหนือจรวดระยุต้องกลับมารายงานผลการลาดตะเวนข อ, อตั้งแต่เช้าถึงบ่ายยามนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเหนืจรวดระยุใ ด, ดๆจะกลับเข้ามาในใจนั้นเริ่มร้อนหลนเกิดความรู้สึกหงุดหงิด เมื่อแผนการยุดหลายอย่างไม่ดำเนินการไปตามที่ได้กำหนดไว้หันหน่าไปทางพันโทฟาร์มวันหาวรองผอบอผลฝ่ายการทหารพร้อมด้วยคำถามสายฟาร์มผลการปฏิบัติการทางทหารของกองพลม้าขาวจากกองทัพเกาหลีใต้พันธมิตรของศัตรูจัา ก, กวาดอเมริกาในเขตเหนือต่อกองพลห9ร้อก้าสิบเจดกลุ่มสายนักรบเวียดนามเหนือเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะช่วงออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ลองผอ บ, บพลฝ่ายทหารใช้แขนเสื้อปาดเม็ดฝนบนใบหน้าสองสาครั้งแต่ยังปักหลักนั่งนิ่งไม่คิดหลบลูโวของนางคายาเนื้อเพิงหมาแงนแห่งนั้นแววตาแข็งกร้าวชายประกายแห่งความโหดเยี่ยมออกมาจนวาวแล้วค่อยๆขยับกายตอบคําถามท่านสหายกองพลม้าขาวนักรบกองทัพศัตรูหน่วยนี้ปฏิบัติการห้าวหานมากทุกคนทุกหน่วยล้วนต้มีประสบการณ์ลบสูมมีอุดมการณ์แน่วแน่มีการสนับสนุนส่งกําลังบํารุงอย่างดี คือคติทําการลบอย่างเหนียวแน่นว่าต้องกระทำการด้วยความเฮี้ยมโหดที่สุดเพื่อจะข่มขวานสาหายนักลบฝ่ายเราและผลการประทะครั้งสุดท้ายสายมีรายละเอียดไหมมีสิท่านสหายเราติดตามประวัติการลบของศัตรูหน่วยนี้มาตลอดการประทะครั้งสุดท้ายเมื่อสาวันก่อนเนี่ยสายนักลบฝ่ายเรามีกําลังหนึ่งกองร้อย้าคนอาวุธเต็มอัตราประทะกับศัตรูหน่วยม้าขาวจํานวนเพียงหนึ่งหมวด24คนอาวุธเท่ากันที่บริเวณเหนือเนินหนึ่งสองหกดเขตเมืองเหวง ศัตรูใช้ยุทธวิธีที่ฝ่ายเราคาดไม่ถึงเขาทําการโจมตีจนสายนักรบฝ่ายเราต้องพ่ายแพ้ผลการลบออกมาฝ่ายเราสูญเสียกว่าครึ่งในขณะที่ศัตรูสูญเสียเพียงสามคนเท่านั้นและยอดเนินสําคัญยอดนั้นก็ตกแก่ฝ่ายศัตรูถึงเพียงนั้นเฉลิ้มเสียหายถูกต้องสหายท่านทั้งๆที่ศัตรูทําการลบโดยไม่มีปืนใหญ่รถถังหรือเครื่องบินสนับสนุนแม้แต่น้อยมันเป็นไปได้อย่างไงสหายเราไม่รู้เรารู้แต่ผลการลบเป็นอย่างนี้เท่านั้น สหายบอกว่าศัตรูใช้ยุทธวิธีที่ฝ่ายเราคาดไม่ถึงมันเป็นยังไงใช่แล้วสหายท่านกลยุทธ์ครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดจริงๆเพราะไม่เคยประกฏศัตรูไม่ว่ากลุ่มไหนหนใช้มาก่อนเลยศัตรูกลุ่มนี้ใช้วิธีทําการยิงลวงลวงฝ่ายเราให้หลงผิดเรื่องที่ตั้งแล้วทะลวงเขาทาการลบด้านในทําการยิงต่อด้าน ข, าข้างของแนววางตัวฝ่ายสายนักรบลวงลวงให้หลงผิดลวงยังไงสหาย ศัตรูกลุ่มนี้ยดัดแปลงอาวุธ M16 ให้มีฐานยิงแบบสแสวงเครื่องโดยวางปืนนิ่งๆแล้วใช้เชือกกระตุกไก่ทําการยิงใส่ฝ่ายเราในขณะที่ตัวศัตรูเองไม่ได้อยู่กับปืนแต่ลุกคืบหน้าเข้ามาฝ่ายเราไม่รู้ก็หลงยิงสวนเฉพาะจุดที่มี M16 จนเมื่อได้ระยะล้ำหน้าราว30เมตรศัตรูใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งที่ผูกติดกับฐานยิงลาก M16 เข้ามาหาตัวและจัดการตั้งฐานยิงชุดใหม่ทําการยิงลวงต่ออีกครั้งพร้อมกับลุกคืบหน้าต่อมาอีก ฝ่ายสายนักรบของเราก็ยังทําการยิงใส่อ16อย่างเดิมศัตรูก็ทําอย่างนี้อยู่ 3-4 รอบจนสามารถเข้าถึงแนววางตัวของฝ่ายสายนักรบได้โดยที่ฝ่ายสายนักรบไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยแล้วศัตรูก็เปิดฉากโจมตีทางข้างพร้อมกันตลอดทั้งแนวจนสุดท้ายฝ่ายฝ่ายนักรบต้องพ่ายแพ้อืมเราเข้าใจถึงผลการโจมตีทางข้างดีสแสดงว่าศัตรูจับตาจุดวางตัวฝ่ายสายนักรบขณะทําการยิงอย่างเหนียวแน่น จนสามารถรู้หมดว่าใครวางตัวอยู่ตรงไหนใช่ไหมถูกต้องฝ่ายท่านฝ่ายสายนักรบพยายามเปลี่ยนยุทธวิธีจา ก, การรบเป็นแนวด้วยอาวุธยิงแล้วใช้การรบประชิดแขนแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะศัตรูไม่ยอมแลกชีวิตด้วยระตูทําการยิงอย่างประณีตใจเย็นยักย้ายกําลังออกหน้าออกหลังจนฝ่ายสายนักรบจับจุดไม่ติดในจํานวนศัตรูเหล่านี้มีทั้งฐานยิงจริงฐานยิงลวงปะปนกันมั่วไปหมดจนฝ่ายสายนักรบสับสนพิจารณาไม่ออกลงทางเข้าไปถูกสังหารนับไม่ถว้วนสุดท้ายจึงต้องถอนตัว การลบครั้งนี้ใช้เวลานานไหมก่อนการทะลวงสําเร็จศัตรูใช้เวลาเหาครึ่งชั่วโมงส่วนการโจมตีแนวทางข้างใช้เวลาเพียงห้านาทีเท่านั้นทั้งสหายอืมต้องถือว่าเก่งมากนะศัตรูหน่วยม้า ข, ขาวนี้เก่งมากเก่งมากเราขอยอมรับหลักยุทธวิธีข้อนี้กรณีเนี้ถ้าเป็นหน่วยของสหายเองสหายคิดว่าควรแก้ไขยอย่างไรไม่น่ายากนะสหายท่านจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของฝ่ายสายนักรบครั้งเนี้ยเนื่องมาจากฝ่ายสายนักรบทําการยิงมากเกินไป ทั้งทงที่การยิงของศัตรูไม่ได้สร้างความสูญเสียกับฝ่ายสายนักรบเลยเพราะเป็นการยิงจากฐานยิงหลวงฝ่ายสายนักรบต้องการยิงตอบโต้มั่วไปหมดกระทั่งเสียรับเรื่องที่ตั้งตำแหน่งวางตัวถ้ากตำแหน่งวางตัวไม่ถูกเปิดเผยจนสิ้นหมดทั้งแนวศัตรูอาจกำหนดแนวไม่ได้แต่ครั้งนี้ศัตรูรู้เลยว่าฝ่ายสายนักรบวางตัว ต, วตรงไหนบ้างมีกําลังกี่คนอาวุธอะไรบ้างถูกต้องสหายอีกอย่างหนึ่งก็คือฝ่ายศัตรูบุกเป็นแนวเดินหน้าเข้าหาตรงตรง ฝ่ายสายนักรบอะควรที่จะแยกกาลังออกเป็นสองหรือสามส่วนแล้วทําการโอบปีกแนวของศัตรูโดยให้กําลังส่วนหนึ่งทำการยิงหลอกให้ฝ่ายศัตรูลุกหน้าเข้ามาเรื่อยๆเราเปิดโอกาสให้ส่วนที่โอบปีกทําการโจมตีทางข้างอืมถูกต้องสหายความผิดพลาดครั้งนี้เนื่องมาจากฝ่ายส่ายนักรบไม่มีหนวดจัดระยุททำการยับยั้งศัตรูแต่นั่นเนินปล่อยให้ศัตรูลุกเข้าประชิดจนถึงแนววางตัวของกําลังส่วนใหญ่แล้วจึงค่อยแก้ปัญหาด้วยการประทะอืมถูกต้องสหาย ลักษณะภูมิประเทศที่ทั้งของฝ่ายต่างได้เปรียบเสียเปรีย บ, ย บ, ยบพอกันนั้นนะ่ะฝ่ายสายนักลบอ่ะจริงๆแล้วควรใจเย็นถอนตัวออกทำการปรับแนววางตัวใหม่ให้ได้เปรียบซะก่อนซึ่งเรื่องนี้ไม่ยากหากมีการเตรียมตัวล่วงหน้าศัตรูมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายเราครึ่งต่อครึ่งหากศัตรูใช้วิธีเข้ามาตรงๆแบบนี้เราใช้วิธีโอบล้อมก็คงไม่ยากถูกต้องสหาย ทหารนักรบอะรวมกําลังกันเป็นหน่วยใหญ่เกินไปในยามกลางคืนมันควรจะแยกกันฝังตัวในพื้นที่เราใช้หลักการจัดระยุกระจายกาลังเป็นหน่วยเล็กๆ เ, เขาทําการโจมตีโชบฉวยรอจนกว่าศัตรูจะเสียเปรียบถึงค่อยระดมกําลังทั้งหมดเขาบดขยี้ไม่ควรที่จะประทะ ด, ด้วยกําลังทั้งหมดอย่างนี้เลยถูกต้องสหายกรณีเนี้ยแม้ว่าศัตรูไม่ใช้กําลังในหน่วยของตัวเองเข้าโจมตีโดยตรงแต่ใช้การโจมตีทางอากาศหรือใช้ปืนใหญ่ทําการยิงฝ่ายทหารนักรบก็ต้องพบการสูญเสียอย่างหนักเช่นกัน อืมก็ถูกต้องสหายหลังจากเหตุการณ์ประทักครั้งนั้นกองพลสายนักรบ697ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการรบใหม่อย่างเร่งด่วนกระทั้งสามารถต้านยันกําลังศัตรูหน่วยมา้าขาวได้ในที่สุดสายนักรบ697ทํายังไงรู้ไหมกระจายกำลังทุกหน่วยเป็นหน่วยจรยุทธ์เล็กๆทำการลุกขวาศัตรูก่อนที่ฝ่ายศัตรูจะลุกเข้ามาโจมตีโฉบฉวยซุ่มโจมตีตลอดเวลาที่มีโอกาสแล้วสุดท้ายเป็นไงได้ผลไหมได้ผลเหมือนการสายท่านแต่ก็ได้ผลครึ่งเดียวหมายความว่าไงได้ผลครึ่งเดียว ก็หมายความว่าโจมตีส0บครั้งสำเร็จ5้าไม่สำเร็จ5้าสี่สายท่านเอา้าทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะศัตรูหน่วยม้าขาวมีการระวังตัวอย่างดีสายนักรบฝ่ายเราก็จะกำลังเป็นหน่วยจรยุทธขนาดเลยศัตรูหน่วยม้าขาวก็กระทำอย่างเดียวกันศัตรูวางตัวกระจายท่วพื้นที่จนสามารถเคลื่อนที่สนับสนุนกันและกันได้อย่างรวดเร็วมากบ่อยครั้งเมื่อสายนักรบหน่วยจรยุทธของเราเข้าทาการโจมตีโฉบฉวย ขณะกำลังดําเนินกลยุทธ์กับถูกศัตรูหน่วยหนึ่งไม่รู้มาจากไหนทําการตีโอ๊บตลบหลังจนหน่วยจลยุทธ์เราเสียท่าก่อนการโจมตีหน่วยจลยุทธ์ไม่ได้ทําการสืบสภาพศัตรูก่อนเหรอสืบสิท่านสหายสืบอย่างละเอียดเลยแต่การสืบสภาพก็ทําได้เพียงศัตรูในเป้าหมายส่วนศัตรูหน่วยอื่นสืบไม่ได้หรือไม่ก็ไม่พบทําอย่างก็ว่าไม่มีตัวตนของศัตรูอยู่ในบริเวณนั้นแต่พอถึงเวลาเอาจริงก็ไม่รู้มาจากไหนแล้วกองพลหกรแก้ปัญหา ย, ยังไง ยังแก้ไม่ตกทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะต้องคงสถานะของการเป็นฝ่ายลุกเอาไว้หาไม่แล้วถ้าศัตรูเป็นฝ่ายลุกฝ่ายสายนักรบของเราจะเสียเปรียบมากถูกแล้วสายนักรบกองพล697ทําถูกแล้วหน่วยของเราแหะท่านสหายแน่นอนสายฟาร์มกองพลสายนักรบของเราต้องเป็นฝ่ายลุกเหมือนอย่างกองพล697นั่นแหละเมื่อเราลุกศัตรูย่อมลับการลุกบ่อยๆลุกหนักๆลุกนานๆอย่างต่อเนื่องไม่ช้าทุกอย่างก็ต้องบรรลุตามอุดมการณสายเตียง เนื้อจัดระยุตของสห่ายทําการรัตะเวนหาข่าวที่ตั้งศัตรูถึงไหนแล้วผอบอพลจบเรื่องราวจากรองผอบอพลฝ่ายทหารแล้วหันมาทางพันโทเตียงวันถุยรองผอบอพลฝ่ายการข่าวเมื่อรายละเอียดบางอย่างต้องเกี่ยวข้องกันในทหารฝ่ายข่าวขยับตัวหลังจากนั่งฟังมานานเหลือบสายตาไปนอกเพิงหมาแง่นลังคา ม, มุงยาดูสายฝนที่กําลังกระหน่าแล้วจึงตอบคําถามสามวันมานเนี้ไม่มีหนื้อจัดระยุกลับมารายงานผลการรัตะเวนเลยท่านสหายใช่เรื่องนี้เรารู้แล้ว ว่าแต่สหายมอบหมายอุดมการสืบทอดครั้งนี้เป็นระยะทางไกลหรือว่าต่อหลายๆเป้าหมายหรือเปล่าไม่เลยท่านสหายทุกอย่างเหมือนเดิมจากสัปดาห์ก่อนจากครั้งนั้นหลังจากศัตรูเคลื่อนย้ายออกไปแล้วเราสั่งให้หน่วยจรยุทธ์ทำการก่อติดและทําการสืบสภาพใหม่เพื่อจะเข้าโจมตีแต่จนบัดเนี้ก็ยังไม่มีหน่วยไหนกลับมารายงานผลงานเลยสายเตรียมแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างคิดว่าภายในเช้าวันพรุ่งนี้หากทุกหน่วยไม่กลับมาเราจะจัดส่งออกไปใหม่อีกสหน่วยจรยุทธ์พรุ่งนี้เช้าเลยเหรอมันจะช้าเกินไปนะสหาย ไปค่ำนี้เลยไปตอนฝนตกนี่แหละเราเชื่อศัตรูคงไม่ระวังตัวหรือไม่ ก, กล่าตะกบดานเก็บตัวในแหล่งกําบังได้สิท่านสหายในทหาร่ายข่าวรับทราบคําสั่งแล้วเผาไปทันทีเพื่อสั่งการถึงผู้ปฏิบัติผันเอกเหงียนยาวซางหันไปหาพันโทเรืเ่องฮามไฟในทหารสายวางแผนและประสานการรบเพื่อขอรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการรบหน่วยขึ้นตรงของกองพลสายเดืองกองพันปืนใหญ่ของกรมสายนะักรบสี่สี่มีปัญหาฐานยิงบ้างไหม มีมีมากที่สุดเลยท่านสหายฝนตกหนักพื้นดินอ่อนน้ําท่วมเส้นทางขาดสรุปตอนนี้ปืนใหญ่หนึ่งอยสามสการยิงไม่ได้เลยเอ้าถ้าเป็นแบบนี้รถถังทีห้ก็ต้องจอดนิ่งด้วยนะสิใช่แล้วท่านสหายทั้งปืนใหญ่รถถังต้องหยุดตัวเองอาวุธหลักสองอย่างนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในถ้าของกองบัญชาการกรม44ไม่มีทางที่เครื่องบินศัตรูหรือหน่วยรัฐเวรไหนจะตรวจพบหรือเข้าถึงได้ดีมากสหายแล้วปืนใหญ่122ล่ะยังคงดำเนินการยิงรักษาอุดมการได้ใช่ไหม ถูกต้องสา่านเสนาปืนใหญ่122จำนวน3ฐานยิงยังทำการยิงสนับสนุนยิงรบกวนฐานที่มั่นศัตรูตลอดเวลาและผลการยิงส่วนใหญ่ก็ได้ผลเกือบ 100% สามารถสกัดการการบุกโ จ, จมของศัตรูจนไม่กล้าล้าเข้ามาในเขตขเขมรซึ่งนั่นก็หมายความว่าระบบป้องกันกรมปรชาการระยะไกลของเราได้ผลแม้แต่ตอนฝนตกปืนใหญ่ก็ยังยิงได้อย่างนั้นเหรอถูกต้องท่านสนาทราบใดที่ผู้ตรวจการหน่วยจรยุทธ์ของเราสามารถตรวจการค้นหาเป้าหมายได้ดีมาก แล้แผนการเสริมอาวุธชนิดใหม่เพื่อการลุกใหญ่ดําเนินไปถึงไหนแล้วหน <uld público> like ่วยเหนือเพิ่งมีแผนเสริมอาวุธยิงระยะไกลเพื่อทําลายกลุ่มไส้งอนโดยเฉพาะและจะจัดส่งมาให้ในเร็ววันนี้อาวุธอะไรสหายจะโหลด SS2 ระยะยิง500กิโเมตรจำนวนสึกสองฐานยิงพร้อมด้วยปืนใหญ่130มิลลิเมตรอีกสาฐานยิงหน่วยเหนือแจ้งข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่สหายส่งข่าวทางวิทยุมาเมื่อคืนนี้เองคาดว่าภายในวันนี้น่าจะมีรายละเอียดทั้งหมดจะได้รายงานให้ท่านสหายทราบต่อไปดีมากสหาย เร่งเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันช่วงหน้าฝนแบบนี้ศัตรูคงคิดว่าฝ่ายเราไม่กล้าเคลื่อนย้ายกำลังหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงประโยชน์รีบลงมือเียก่อนสายส่งข่าวถึงกรมสหายนักรบ44บี่ให้เตรียมรับอาวุธเหล่านี้ได้เลยตอนที่8พลวิทยุผู้ทําหน้าที่นำสารมิ่งโยงโยงฝ่าสายฝนเข้ามาในบริเวณกองบัญชาการกองทุนแล้วส่งกระดาษใบข่าวให้รองผ อ, อผลฝ่ายทหาร เห็นว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราวในเนื้อข่าวพร้อมกับแจ้งเรื่องเบื้องต้นว่าข่าวด่วนมากก่อนจะพลากลับไปทางทิศเดิมพันโทฟาร์มวันหาวทาสีหน้างงงงต่อข่าวที่มาผิดเวลาแต่ก็ไม่ถามครีกระดาษข่าวฉบับนั้นก่อนจะอ่านดังๆให้ได้ยินทั่วกันทุกคนถึงบกด้านลบหก้อยเก้าสิบเจ็ดจากบกหกสิบหกหนึ่ง เมื่อคืนนี้ตอนดึกไม่รู้เวลาแน่นอนศัตรูจำนวนหนึ่งกระโดดร่มจากเครื่องบินลงยังบริเวณ1428แล้วกระจายกำลังหายไปยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับศัตรูกลุ่มนี้ 2. ทหารนักรบหน่วยจรยุทธ์ของบอก66จานวน8คนถูกสังหารในป่าทึบทางจากบริเวณ1428ทางตะวันตกเฉียงเหนือ3กิโลเมตร 3. การพิสูจน์ 3.1 บริเวณที่ศัตรูกระโดดร่มลงเป็นทุ่งหญ้ามีขนาดกว้างขวางมากพบ่มของศัตรูทิ้งไว้24หลังไม่พบรอยเท้าหรือหลักฐานการเดินทางเพราะถูกน้ำฝนทำลายจนหมด 3.2 บริเวณที่ส า, ายนักรบหน่วยจรยุทธ์ถูกสังหารเป็นป่าทึบติดกับทุ่งหญ้าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่หน่วยจรยุทธ์ต้องเข้าทำการลาดตระเวน 3.3 บริเวณที่ส า, ายนักรบถูกสังหารไม่มีร่องรอยของการประทะ กระสุนของสหายนักรบทุกคนยังอยู่ครบไม่มีรอยกระสุนของฝ่ายศัตรูรอบๆหรือใกล้ตัวสหายนักรบแม้แต่นัดเดียวไม่มีร่องรอยการใช้ระเบิดหรืออาวุธหนักอย่างอื่นทั้งิ้นทั้งของฝ่ายสหายนักรบและฝ่ายศัตรูคาดว่าศัตรูทําการยิงฝ่ายเดียวโดยที่สหายนักรบไม่มีการโต้อตอบ 3.4 สภาพศพของฝ่ายนักรบทุกกระสุนปืน M16 ยิงตามร่างกายคนละหนึ่งหรือสองนัดและถูกยิงแสกหน้าอีกคนละหนึ่งนัดทุกคน คาดว่าผลการประทะฝ่ายทรายนักรบถูกยิงบาดเจ็บจนต่อมาศัตรูเข้ายึดพื้นที่ได้แล้วจึงสังหารทายนักรบที่บาดเจ็บเพื่อ ช, ชนะขั้นเด็ดขาดสามจุดห้าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าฝ่ายศัตรูมีกําลังยี่สบสี่คนเท่าจำนวนล่มหรือไม่สามจุดหกไม่สามารถตรวจสอบทิศทางยิงหรือแนววางตัวของฝ่ายศัตรูขณะเข้าโจมตีได้เพราะน้ําฝนทาลายหลักฐานจนหมดสามจุดเจ็ด ไม่สามารถตรวจสอบหรือค้นหาร่องรอยเส้นทางเคลื่อนย้ายของศัตรูกลุ่มนี้ว่าถอนตัวไปทางทิศใดขอไม่ปรากฏหลักฐานแม้รอยรองเท้าหรือหลักฐานอื่นๆ 4. คาดการขั้นตอน 4.1 เชื่อว่าไม่ใช่การกระทําของศัตรูหน่วยมา้าขาวเพราะมีการใช้กระสุนน้อยมากผลการยิงแม่นยํากว่าศัตรูหน่วยมา้าขาวมาก 4.2 การกบเกลื่อนร่องรอยหลักฐานก็ทําการได้ดีกว่าศัตรูหน่วยมา้าขาว 4.3 คาดว่าเป็นศัตรูจักรวรรดิอเมริกันหน่วยรบพิเศษกลีนแบเล่ห้าการปฏิบัติห้าจุดหนึ่งบอกอ .66 จัดส่งสหายนักบนรบนวลจัลยุทธ์จำนวนสี่ชุดแยกออกเป็นสองหน่วยเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ค้นพบล้มกับสหาย ท, ทั้งแปดศพนั่นแล้วห้าจุดสองบกอ .66 แจ้งข่าวถึงบอกอด้านลบแปดร้อยปสสองในเวียดนามตายเพื่อให้ตรวจสอบว่าศัตรูกุ่มนี้เป็นใครแล้วให้รายงานด่วนห้าจุดสาม บก .66 ฝั่งการถึงสรายนักรบทุกหน่วยให้เล่ง ร, าาระมัดระวังและเล่งหาข่าวสึกสภาพสัตว์ประคุณนี้เป็นการด่วนแล้วลงชื่อพันโทดึกสังหายบรรยากาศภายในเพิงหมาแข่งขนาดใหญ่เงียบลงทันทีทั้งๆที่ภายในใจของทุกคนมีแต่ความร้อนรุมการปรากฏกายของสัตระคครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้ต่างไปจากครั้งก่อนการเข้าสู่พื้นที่ใช้วิธีแทรกซึมทางอากาศด้วยการกระโดดร่มแทนการแทรกซึมทางภาคพื้นการปฏิบัติการไม่ทิ้งน่องรอยหลักฐาน ทั้งจากการเคลื่อนที่และการประทะขีดความสามารถทําการลบเหนือกว่าศัตรูทุกชุดชนิดเที่ยวกันไม่ติดรอยกระสุนบนล่างสหายนักรบตามข่าวบ่งบอกว่าศัตรูบุกประชิดถึงตัวไม่ยากโดยเฉพาะการไม่มีหลักฐานว่าฝ่ายสาายนักรบได้ทําการลบต่อต้านนั้นสร้างความโง่ให้แก่ทุกคนเป็นที่สุดพอบอบพล .612 จ้องนาสบตาในทหารผู้รับผิดชอบด้านการยุทธการและป้อนคาถามสายฟาร์มขอทราบขอ้อคิดเห็นของสายว่าศัตรูหน่วยนี้เป็นพวกไหนแน่ หน่วยกลินเบลเลของพวกจักรวรรดิอเมริกาแน่ทั้งสหายมีผลประกอบยืนยันไหมการกระโดดร่มลงในพื้นที่แทนการเดินเท้าหรือการส่งลงด้วยวิธีอื่นน่าจะยืนยันได้แม้แต่การส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างนั้นหรอถูกต้องการส่งด้วยวิธีกระโดดร่มจะช่วยเครื่องบินไม่ต้องอยู่ในพื้นที่นานเสี่งต่อการถูกยิงดียวยปตอแรืยังเป็นการพรางตัวได้เป็นการอย่างดีอย่างหนึ่งเพราะเครื่องบินที่บินผ่านนั้นสหายนักลบย่อมไม่คิดว่าเป็นการส่งลงแต่อาจจะคิดว่าเป็นการบินปกติธรรมดาทั่วไป ถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ก่อนส่งลงต้องจอดลอยตัวนิ่งสายนักรบจะรู้ทันทีนี่เป็นเจตนาอัมพลางการเคลื่อนไหวโดยแท้และในขณะเดียวกันการส่งลงด้วยการกระโดดร่มนั้นจักรวรรดิอเมริกาใช้กำลังเฉพาะหน่วยกลินแวร์เลโดยเฉพาะไม่เคยใช้กำลังศัตรูหน่วยอื่นเลยอืมก็มีทางไปไปได้นะสหายแสดงว่าระหว่างการส่งลงตอนนั้นสหายนักรบที่จยดระยุตทั้งแปดคนไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่คาดคิดว่าศัตรูจะทําการลงในพื้นที่แบบนี้แล้วเรื่องสหายนักรบที่ถูกสังหารล่ะ สายฟาร์มคิดว่าศัตรูใช้หลักยุทธวิธีแบบไหนพอบอบพลเห็นด้วยกับเหตุผลของการเข้าสู่พื้นที่ของศัตรูตามแนวทางของพันโทฟาร์มวันหา่าวแต่คําถามหลังนั้นเล่นเอาหลายๆคนต้องคบคิดอย่างหนักบางคนเห็นด้วยว่าเป็นฝีมือของศัตรูเหนือรถพิเศษในขณะที่บางคนไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะไม่เคยเห็นความเด็ดขาดเฉียบคมในการสังหารเช่นนี้มาก่อนทหารนักเรแยกร้องทัพเวียดนามเหนือไม่ได้มีฝีมืออ่อนกระทั่งไม่มีโอกาสต่อสู้ กลยุทธ์การลบหนุงเวลาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เพี่ยงทําให้ฟื้นคืนมานั้นสาายนักลบในกลยุทธ์ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอัตราส่วนกําลังลบ8ต่อยี่สิบสี่หรือหนึ่งต่อสามนั้นก็ยังเหลือช่องว่างให้ดําเนินกลยุทธ์ทําการลบตอบโต้ได้พันโทฟาร์มวันเห่าเมมลิงผิปากแนนพยายามเข็นคําตอบจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อเป็นแนวทางเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาแต่จนแล้วจนรอดก็ยังคิดไม่ออกกระทางพันโทเดืองหามฝ่ายในทหารฝ่ายวางแผนระสานการลบเ อ, อ่ยขึ้นสหาหิตท่าน ทำไมไม่สั่งการให้สายนักลบกลม66สืบสภาพหารายละเอียดว่าศัตรูกลุ่มนี้เป็นใครอาจพิจารณาใช้สายนักลบดักโกงรับไปสืบทอดอุดมการก็ได้เพราะถึงอย่างไรเชื่อว่าศัตรูยังไม่ถอนตัวจากพื้นที่แน่แน่นอนสายเดืองภารกิจสืบสภาพศัตรูกลุ่มเนี้ยังไงก็ต้องใช้สายนักลบดักกงเท่านั้นฝีมือจริงจะคู่ควรกันเราต้องรู้ให้ได้ศัตรูคือใครด้วยการเริ่มต้นจากจุด ป, ประทะแล้วค่อยขยายผลออกไปรอบๆจึงก็จะค้นหาร่องรอยการเคลื่อนที่ได้ ว่าแต่สหายตรวจสอบข่าวฝัตรวกลุ่มนี้จะสายนักรบหน่วยอื่นไม่ได้เลยเหรอถูกต้องสายท่านหน่วยของเราเป็นหน่วยแรกที่พบฝัตรวกลุ่มนี้ถ้างั้นสายแจ้งข่าวถึงสหายนักรบหน่วยอื่นในพื้นที่ช่วยกันหารายละเอียดพร้อมกับแจ้งข่าวทุกๆระยะที่พบความเคลื่อนไหวได้เลยนะมาตรการอย่างอื่นละท่านสายมาตรการอย่างอื่นอะไรลองว่ามาสิต้องส่งหน่วยเจริยุทธ์กระจายฝั่งตัวในพื้นที่รอบฐานที่มั่นกรมชาการกองพลไหมหรือว่าใช้กําลังเฉพาะสายนักรบดักกงแต่เพียงอย่างเดียวอืมเอาเป็นว่า สาหายส่งสายนักรบดักกง6หน่วย24คนเท่ากําลังศัตรูเข้าสืบสภาพบริเวณปะทะแล้วออกแกะรอยค้นหาให้ได้ส่วนกําลังสายนักรบหน่วยจรยุทธ์ก็ให้กระจายกําลังฝังตัวพื้นที่รอบๆที่ตั้งกองบัญชาการเป็นวงรอบรัศมี3กิโลเมตรให้ล่ตัวเองเป็นวงกลมแต่ละหน่วยห่างกันสกิโลเมตรปฏิบัติจนกว่าจะหารายละเอียดศัตรูกลุ่มนี้หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งเฉพาะเมื่อค้นพบแล้วต้องสืบท่อรุดมการอย่างไรบ้างให้ทําการเกาะติดแล้วแจ้งข่าวให้หน่วยจรยุทธ์ข้างเคียงทราบ ก่อนจะโจมตีต้องแน่ใจว่าได้เปรียบทุกด้านในกรณีนี้อาจจะสั่งปืนใหญ่หรือปืนคอยทําการยิงสนับสนุนสายนักรบหน่วยจรยุทธ์ต้องใช้ดุลยพินิษว่าสมควรถือหลาักการรบในข้อใดเอาเองสายท่านนอกจากราตัตเวนด้วยกําลังหน่วยจรยุทธ์แล้วควรใช้ระเบิดวางดักเพื่อให้รู้เส้นทางเคลื่อนย้ายศัตรูด้วยดีไหมไม่ไม่ดีไม่ต้อใช้กับระเบิดเพราะบริเวณนี้มันเป็นเขตของเรากับระเบิดอาจสร้างปัญหาข้อยุ่งยากให้หน่วยจรยุทธ์ทําการราตัตเวนลําบาก ไม่จําเป็นไม่ต้องใช้ควรใช้หลังจากตรวจพบตัวศัตรูแล้วเท่านั้นใช้กับระเบิดเพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวหรือเพื่อถ่วงเวลาก็พอรับทราบสายท่านนายทหารฝ่ายวางแผนรับทราบคําสั่งแล้ผ่ไปจากกรมชาการเพิ่งมาแง่งเพื่อจะสั่งการแกนหน่วยปฏิบัติทางกลางสายฝนที่บางครั้งกันโชคหนักบางครั้งแผ่วเบาวมันจะคาดหายสายตาทุกคู่กับต้องเหลียวไปทางทิศ ท, ทีพลวิทยุนําสารวิ่งย ง, ยงเข้ามาเขาพยายามวิ่งกระหึดกระหอบด้วยความเร่งรีบ อาการรีบร้อนนั้นไม่ใช่การหนีฝนจะเป็นอาการรีบเพื่อจะมารายงานข่าวด่วนอีกครั้งท่านสหายข่าวด่วนจากหน่วยจราธ์ข่าวด่วนข่าวด่วนมากเขาส่งเสียงนำมาก่อนดังลั่นได้ยินกันทั่วทันเอกเหงียบยาวสางหัวแ้วยังอารมณ์ดีเพราะขำในท่าทางกระเลิกกระล่าของเขาสายท่านมีข่าวด่วนจากหน่วยเหนือหนึ่งฉบับกับข่าวหน่วยจรุญุตอีกหนึ่งฉบับเกี่ยวกับศัตรูชุดนี้ทั้งสองข่าวเลยพอบอลพลยื่นมือรับกระดาษใบข่าวแล้วคลี่ออกมาอ่านเสียเองแทนการส่งให้ลองขอบอลพลเหมือนเมื่อครั้งก่อน ผมน้าอ่านในใจอยู่คนเดียวครู่หนึ่งจริงเงยหน้าขึ้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนักรบรับจ้างจากประเทศไทยกับ Green rett, กรีนแแบเลตจังหวรดอเมริกาสิบสองคนถูกส่งมาจากเวียงจันทร์เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่แขวงอัตปือโดยเฉพาะตามแผนของสหายนอร์แมนเข้ามาเมื่อสายของวันนี้สายนักรบหน่วยจรยุทธ์กรมห้าิบห้าประทับ ก, กับศัตรูอย่างบังเอิญ น, นานห้านาทีปรากฏว่าสหายนักรบหน่วยจรยุธทธ์ถูกยิงบาดเจ็บสี่คนไม่สามารถสังหารศัตรูได้แม้แต่คนเดียว สายนักรบถอนตัวทางเหนือแต่ศัตรูหนีไปทางตะ ว, วันออกในทหารหลายคนงุนงงต่อข่าวนี้เป็นอย่างมากจนอดรทนไม่ได้ต้องถามสายท่านมีรายละเอียดเท่านี้เหรออย่างอื่นก็พอมีเช่นในข่าวตั้งข้อสังเกตมาว่าศัตรูทําการยิงเฉพาะบริเวณขาของสายนักรบหนวนจลยุทธ์ไม่ยอมยิงตามตัวบริเวณจุดตายเหมือนเจตนาให้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นศัตรูไม่ติดตามไล่ล่าสายนักรบทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสทําได้แต่กลับปล่อยให้ถอนตัวจากพื้นที่ไปเฉย การประทะครั้งนี้ฝ่ายศัตรูตรวจพบกลุ่มสายนักรบก่อนในขณะที่ฝ่ายสายนักรบไม่รู้ตัวเลยสแสดงว่าศัตรูเตรียมการเรื่องที่ตั้งแรงวางตัวซุ่มได้ดีมากสายนักรบถูกยิงพร้อมกัน4คนถูกยิงคนละหนึ่งนัดเข้ากันศัตรูทำการยิงจากระยะ300เมตรในบริเวณป่าที่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่นทางกลางสายฝนตกหนักศัตรูมองเห็นฝ่ายสายนักรบอย่างดีจนสามารถทำการยิงอย่างแม่นยำได้แต่ฝ่ายสายนักรบตรวจการไม่เห็นศัตรูจึงไม่มีโอกาสโต้ตอบ ฝนตกหนักมากพายุแรงเสียงจากสายฝนกลบเสียงปืนศัตรูจนไม่ได้ยินไม่สามารถกําหนดได้ว่าศัตรูทําการยิงจากปืนกีบกระบอกพอบอพลอ่านข่าวแบบสรุปเอเฉพาะเนื้อหาเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบายท่านศัตรูใช้อาวุธพิเศษรุ่นใหม่หรือเปล่าทำไมยิงแม่นถึงเพียงนี้น่าจะใช้แล้วล่ะสาหายนี่คือสิ่งหนึ่งที่สาหายนักรบของเราต้องพิสูจน์ทราบให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วขอให้ส า, ายนักรบทุกคนทุกหน่วยจงเล่งระวังการเข้าประทะให้มาก อย่าอยู่เป็นเป้านิ่งหรืออย่าเปิดเผยแหล่งวางตัวโดยไม่มีการดําเนินกลยุทธ์เป็นอันขาดแล้วการประทัดครั้งนี้ฝ่ายสายนักรบไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยเหรอท่านสหายไม่มีสงครามใดหรอกนะที่ฝ่ายศัตรูท้องแจ้งล่วงหน้าน่ะทุกฝ่ายยังไงก็ต้องพยายามช่วงชิงความได้เปรียบก่อนเสมอไม่ใช่เหรอถูกต้องสายท่านเหตุการณ์ครั้งนี้เปรียบเทียบกับสหายหน่วดจรยุทธ์แปดคนนั้นมีข้อแตกต่างเรื่องเวลาลงมือกระทําการใช่แล้วสาย์ศัตรูสามารถทําการยิงได้ดีทั้งตอนกลางคืนตอนกลางวันไม่ว่าฝนตกแดดออก ศัตรูสามารถเดินทางเคลื่อนไหวโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เล ย, ยท่านเมื่อรู้แล้วว่าตอนนี้ศัตรูเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนทําไมเราไม่ส่งกําลังขนาดใหญ่เขาบดขยี้เลยเราไม่ได้เรายังกําหนดจุดแน่นอนไม่ถูกศัตรูมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาหากเราใช้กําลังขนาดใหญ่เราอาจเสียทีถูกโจมตีทางอากาศได้เพราะฉะนั้นต้องส่งสายนักรบหนวจดจนลุทธ์ออกสืบสภาพที่แน่นอนเสียก่อนหลังจากนั้นค่อยมากําหนดแผนการใหม่รับทราบสายท่านตอนทิศกว นักลบอนาถาในกายมีเพียงอาก้าสี่เจ็ดพับฐานพร้อมกระสุนอะไรสองสามแม็กกาซีนกับมีสังหารสนิมเครือเนบไว้ข้างเอลหนึ่งอันไม่มีเครื่องแบบไม่มีเป้หลังบรรทุกสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับดำรงชีวิตไม่มีอุปกรณ์การลบอย่างอื่นๆไม่มีแม่น้ําหรืออาหารตัวเปล่ า, า, าโหลดน้าหนักเพียงเท่าที่เด็กสามารถนําพาไปได้ช่วยการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถคล่องแทลวว่องไวดักโกงนักลบเหนือลบพิเศษแห่งกองทัพเวียดนามเหนือ ผู้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความตายโดยเฉพาะไม่อนาทรต่อความยากลําบากทุกการสภาพอากาศทุกสภาพภูมิประเทศทุกสถานการณ์และทุกพื้นที่การลบดักกงจะสามารถปรับตัวสร้างขวัญกาลังใจฮึกเขิมและยินดีเข้าหาเสมอแม้จะรู้ว่ามีความตายรออยู่ข้างหน้าดักงองหน่วยจะระยุสังกัดกรมราบที่66จํานวน2ชุด8คน ภารกิจไลลาศัตรูหน่วยปฏิบัติการพิเศษนักรบรับจ้างกับหน่วยกลินแบเรเลนเจอร์อเมริกันกำลังรบหลักแข่งกองกำลังทห า, ารสหรัฐประจำประเทศเหล่าในการควบคุมบังคับบัญชาของพันเอกนอร์แมนและโดยการสนับสนุนของไคลเอ่ยท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักนักรบนาถาทั้ง8ปดกำลังตกอยู่ภายใต้สายตาตรวจการของกลินแบเรนักรบอภิมหาเศรษฐีเหมือนกวางจอยลายเคียวเล็บที่เดินผ่านหน้าพยักไหลขณะกำลังหิวโศก ชุดของจ่าแซมซึ่งมีพันตรีคอร์รีนร่วมไปด้วยแยกห่างจากชุดของนักรบรับจ้างไปทางซ้ายราวห้าร้อยเมตรขบวนเดินดำเนินไปอย่างช้าๆด้วยความระแวดระวังสุดขีดพลรัตเวนีนปีกขวาสุดส่งสัญญาณมือตรวจพบข้าสึกให้หัวหน้าชุดทราบพร้อมกันนั้นกำลังทั้งหมดชาร์จเข้าหาแหล่งวางตัวแนวหน้ากระดานโจมตีจ่าแซมโผล่ยาวเตรียมประกบปีกเพื่อตรวจสถานการณ์ด้วยตัวเองปล่อยให้พันตรีคอริรนติดต่อวิทยุกับจ่าดาวเหนือนอสตาจากซารูน วีดักกง8คนกําลังล่าตะเวนเปลี่ยนอีกแล้วเหรอซาลูนแน่นอนนอสตาซาลูนใจเย็นนะขอรายละเอียดหน่อยโอเคผมจะพยายามใจเย็น V ีซีชุดนี้8คนเป็นดักกองหน่วยจัยุทธ์คาดว่าภารกิจตามล่าพวกเรายืดยาดนะซารูนเรื่องแบบนี้รู้อยู่แล้วผ่านไปเลยโอเคก็ได้นอสตาวีซีในขบวนเดินแถวตอนระยะต่อระหว่างกันเอง7 1็ไม่มีล่าตะเวนนำไม่มีล่าตะเวนหลัง ทุกคนระวังกันเองถ้าทางเรามัดระวังมากอาวุธ RPG สองกระบอกนอกนั้นอากามีเดินป่าคนละเล่มแต่งตัวนุ่งผ้าเตีเ่ยวสีแดงผืนเดียวเส้นทางเคลื่อนที่ตรงมาหาเราหัวขบวนห่างจากหัวแนววางตัวของเราสามร้อยห้าสิบเมตรโอเคไหมลักษณะภูมิประเทศป่าโปร่งมีไม้พุ่มสลับเล็กน้อยพื้นดินราบมุมตรวจการดีมองเห็นเป้าหมายทั้งแปดคนชัดเจนดีแหล่งกำบงังธรรมชาติมากวีีมีวิทยุไห ม, มไม่มีสภาพทุกอย่างเหมือนชุดแปดคนที่แล้ว โอเคซารูนใจเย็นยังมีเวลาอีกเยอะสถานการณ์แบบแนว VC ไม่กล้าผีผามหรอกไม่ต้องกลัวจะไม่ทันเวลาซารูนเตรียมแผนโจมตีไว้ยังไงแล้วหรือยังเตรียมพร้อมแล้วหน้ากระดานตามยาวขนานแนวเคลื่อนที่ของ VC ความยาวของแนวซุ้มโจมตียาวกว่าขบวน VC เท่าตัวตอนเนี้แซลมอนแบ่งหน้าที่มอบหมายให้ลูกทีมเรียบร้อยครบถ้วนคิดว่าถ้าจะซ้ําภารกิจยิงให้มันบาดเจ็บขาเด้งกลับไปหาเจ้านายมาอีกสักครั้งรับรองไม่มีคําว่าพลาดเรื่องบาดเจ็บเรื่องตายไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่เรื่องเสียงอาก้าอารจีต่างหากที่สําคัญ ไม่มีความหมายหรอกนอสตาไม่ได้นะซารูนทุกอย่างมีความหมายถ้ากรสุดเราพลาดเพียงนัดเดียวก็สูญค่าศึกจะแหา่มาหาเราเป็นหมื่นเป็นแสนนัดโอเคผมขอเช็คข่าวกับแซลมอนหน่อยโอเคนอสตาวิทยุผมแตนบายตลอดเวลายอยู่แล้วเรื่องวีซี8คนนี้ผมเห็นด้วยกับซารูนผมรับประกันว่าต้องไม่มีคำว่าพลาดเกิดขึ้นถ้าพลาดผมจะขอลดยศตัวเองจากมาสเตอร์เซอร์เจนลงไปเป็นแค่ PFC พลทหารปี2 ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกแซลมอนคุณพูดอย่างกับว่าผมอยากหนีหรืออยากเว้นชีวิตมันอย่างนั้นล่ะเอาแล้วคุณต้องการอะไรล้างเผ่าพันธุ์มันสิผมก็กำลังคิดอยู่ว่าทํายังไงถึงจะอาศัยใตัวเนี้ยไปลากพวกมันมาอีกสัก0 0ดร้ต่างหากวิธีเดิมเป็นไงไม่ดีมันเก่าแล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าแบบไหนล่ะคุณต้องคิดเร็วซะหน่อยแล้วนอสตาตอนนี้มันเคลื่อนที่เข้ามาอีกราวๆร้อยเมตรแล้ ว, ล ว, ลวยังห่างอีก200กว่าเมตรถ้าทางเรามต้ระวังตัวแจยังกับรู้พวกเราอยู่แถวนี้ไไมมมมม่ีีปัััหาาเซลอออนนนรรรระยยยรระะยยงงงงกคตต้ว็ธด ราบริเวเนี้ห่างจากจุดที่พวกมันทัิงโดนไปหยกๆไม่ไกลเลยนี่โอเคโซอมอนผมกับแซมสันตกลงกันแล้วงานเนี้ยเอาแค่บาดเจ็บไม่สาหาสี่ที่เหลือสี่ให้เป็นตัวลากเพื่อนมันกลับไปอืมงั้นเตรียมแกะรอยตามด้วยใช่ไหมถูกต้องรวมทั้งเอื่องอื่นด้วยถ้าเป็นไปได้โอเคผมเข้าใจาแล้วอย่างที่คุณเคยพูดนั่นแหละสถานการณ์สามารถบอกเราได้ว่าถึงเวลาไหนสมควรทํายังไงงั้นผมเริ่มแผนเลยนะโอเคฟารูนถ้ามีปัญหารายงานด่วนด้วยนะ ไอคอมวิทยุมือถือบนความถี่แบรนด์เอประจำตัวชุดปฏิบัติการทุกคนพอความที่ปรึกษาและสั่งการถึงใครคนใดคนหนึ่งนั้นก็สามารถรู้กันได้ทั่วโดยไม่ต้องซ้ำทวนให้เสียเวลาจาแซมกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่มือสังหารใหม่ลดจาก8เหลือสี่ซึ่งในจำนวนนี้ตัวเองจะเป็นคนเริ่มประเดิมสัญญาณ ยังไม่มีท่าทีวัดดั ก, กงหน่วยจราญุษ์นั้นจะสําเนจถึงความตายแม้จะได้ระแวดระวังกันอย่างเต็มที่แล้วทั้งนี้ศัตรูที่เป็นฝ่ายตั้งรับตั้งเก็บตัวเงียบในแหล่งกําบังแต่เป้าหมายต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาจากระยะไกลมองด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจนต้องอาศัยเล่นขยาย15เท่าของกล้องเลนเป็นเครื่องช่วยนั้นบัดนี้แม้สายฝนยังกระหน่าก็ยังสามารถเห็นเข้าหน้าได้กลีนแบเรหน่วยรบพิเศษอเมริกันสิคนภายใต้าการนำหุ่นจาแสมและการควบคุมของพันตรีคอรลินจดจ้องสายตาอันคมกลิบ อย่างกับพยักไหลไปยังร่างของเหยื่อสังหารทั้ง8ดอย่างใจจดใจจอ่อไอคนนำหน้าสุดเดินก้าวสั้นๆพยายามเบี่ยงกายเขาชิดโคนไม้ใหญ่ทุกครั้งบนเส้นทางที่ผ่านไปด้วยความพร้อมว่าหากศัตรูปรากฏขึ้นเมื่อใดจะได้มีแหล่งกำบังทันทีพวกที่ตามหลังทั้งเจก็ทำตามอย่างบ้างแต่ละคนคอยระวังไม่ให้ทางการเดินนั้นเข้าแฝงโคนไม้ซ้าซ้อนกันจนเป็นเหตุให้ระยะต่อตามกาหนดไม่แน่นอน บางคนห่างแค่ห้าก้าวในขณะที่บางคนห่างเกือบยี่สิบก้าวปัญหานี้ไม่ได้สร้างความยุ่งยากแก่มือสังหารแม้แต่น้อยเมื่อหัวหน้าชุดกำหนดตายตัวลงไปแล้วว่าคนไหนสำหรับเป้าหมายไหนโดยการนับเรียงลำดับจากคนแรกไปถึงคนที่สี่ M203 x m a 1มฤตยูแฟซึ่งเป็นทั้ง M16 และ M79 ในก็บอกเดียวกันติดกล้องเล็งก็บอกเก็บเสียงกระสุน 5.56 ม mm, ลเมตร หัวระเบิดอาวุธที่ทีมงานนักลับจ้างใช้มานานปีแต่ทีมงานหน่วยรบพิเศษอเมริกัน Green บดเ e ่เพิ่งมีโอกาสได้ใช้เป็นภารกิจแรกจากผลการยิงที่บางคนได้ประเดิมลองใช้ไปแล้วแต่บางคนก็ยังไม่มีโอกาสแต่ก็ได้ประจักษ์กับสายตาตัวเองนั้นกลายเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจให้ฮึกเหิมยิ่งขึ้นทุกคนมั่นใจเกิน 100% ยเซว่าต้องไม่มีคำว่าพลาดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด าพาเป้าหมายทุกขยายใหญ่กว่าเดิม15้าเท่ามีกกบาดช่วยคอยหมายจุดเล็งลอยเด่นอยู่ห่างแค่ปลายปากลํากองมือสังหารว่าเส้นเล็งตามล่างเป้าหมายที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาไกล้ๆยังไม่ละวางสิ่งที่มองเห็นชัดเจนนั้นแม้แต่เส้นขนบนร่างกายก็มองเห็นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของชีวิตนักรบอเมริกันผู้ถูกย้ายความเฮี้ยมโหดจากสมรภูมิเวียดนามใต้มาสู่สมรภูมิลาวซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันแม้แต่น้อยมีโอกาสเห็นใบหน้าข้าศึกอย่างชัดเจน แต่สิ่งใหม่อันเป็นผลมาจากความลึกหลังพิสดารของอาวุธทําให้ทุกคนตื่นตัวระลีระเล็กราวกับเด็กได้ของเล่นถูกใจคอยเลงตามติดชนิดไม่มีการคลาาสายตาแม้เสี้ยววินาทีเตรียมตัวพร้อมเต็มที่หากนักกงคนหนึ่งคนใดยึกยักรู้ตัวล่วงหน้าแล้วแจ้งสัญญาณแก่พักพวกเมื่อนั้น M203 กระสุนหัวระเบิดก็จะระเบิดเข้าใส่ร่างของมันทันทีระยะยิงใกล้เข้ามาเหลือความห่างแค่ไม่เกินครึ่งสนามฟุตบอล สถานการณ์บางอย่างซ่อเขาของการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อแนวทิศทางเคลื่อนที่ของเป้าหมายไม่ออกด้านคางข้างใดข้างหนึ่งต่อแนวซุ่มโจมตีแต่กลับเดินตรงดิ่งข้อหาเป้าหมายเดินเรียงตามกันเป็นแถวตอนคนข้างหน้าบางคนข้างหลังคนข้างหลังเริ่มโผล่พร้อมกับคนข้างหน้าถูกบทบังด้วยความใหญ่โตของโคนไม้สามสี่คนตอนกลางเดินโยงโยงระวังตัวถูกหมายพุ่มบังครึ่งล่างของลาตัวไว้ แผนการกำหนดลำดับหนึ่งถึงสี่เปลี่ยนเป็นคนไหนก็ได้อเมริกันกรีนบลเล่หนึ่งตอดักกงหนึ่งเท่าเท่ากันฉากการยิงก็เริ่มต้นขึ้นนับบัดนั้นโอ้ยโอ้ยจ่าแซมประเดิมเป็นคนแรกหมายร่างดักกงคนหลังสุดที่ทำหน้าที่ล้างถ่ายกระสุนหัวระเบิดแลนผ่านปากลำกลองติดกระบอกเก็บเสียงดังแรงเท่าลมเป่าไปไม่ถึงหูคนข้างเคียง ลูกง้องมือสังหารเห็นอา ก, การหมุนตัวการอากาศก่อนส่วนเซกระทบต้นไม้ของล่างดักกงคนสุดท้ายจึงตัดสินใจส่งกระสุนผ่านลําก้องปืนของตัวเองบ้างอ้อยอ้อยอีกสามกระบอกตามคําสั่งท่งหัวกระสุนออกไปจนเกือบจะพร้อมกันร่างดักกงเป้าหมายสามคนแอนพวาสะดุ้งเฮือกแหกปากน้องแข่งกับเสียงของสายฝนจนเป็นเสียงเดียวกันเชี่ยสก๊อตแดน อเมริกันสะบัดเบาๆด้วยอารมณ์สานเสียดายสายตาร้าจากล่างดักกงบาดเจ็บเข้าสู่ร่างของไอ้คนที่ยังปกติขณะช้าตัวเข้ากำบังหลังโคนไม้ไ ม, ม้พุ่มพื้นราบตาเป็นมันอดีตการลบที่ดุดันเพ็ดร้อนไม่เคยปล่อยให้คาสึกหลบหลีกเข้าแหล่งกำบังได้อย่างตามตาตามใจเช่นนี้ปืนทุกระบอกยังพร้อมทําการยิ ง, งเส้นแหล่งมุมตรวจการหรือแม้แต่ตําแหน่งวางตัวปัจจุบันสามารถส่งความตายให้แก่มันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคนใกล้สุดหรือไกลสุดแต่ก็ต้องยับยั้งใจไว้เพื่อให้ได้ผลตามแผน เสียงดักกงสั่งการดังลั่นมาจากหลังกำบังไม้พุ่มถึงพรักพวกที่ยังมีชีวิตรอดปล่อยคนเจ็บไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนหาตัวศัตรูหาตัวศัตรูให้ได้ศัตรูอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าหาตัวให้เจออเมริกันฟังภาษาเวียดนามเหนือไม่รู้เรื่องแต่ก็อาศัยดาวความหมายจะ ก, การกระทําดักกงสองคนโผล่ออกซ้ายในขณะที่อีกหนึ่งออกขวาเหลือคนเดียวเดีย ว, ยวประจําอยู่ตอนกลางคอยบงการออกคําสั่งยิงเขาไปเลยยิงสวนไปก่อนอย่าอยู่นิ่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งรอยศัตรูเปิดตัว ดักกงสามคนทางปีสองข้างซิกซัคสลับไปตามโคนไม้มองเห็นล่างกระชับอาก้าสี่สเจ็ดพับฐานวุบวุบ ว, วบวับประเดี๋ยวโผล่ประเดี๋ยวหายล่อเป้าดีแทะอเมริกันทําใจเย็นมองภาพนักลบอนาถาปรับแนววางตัวเตรียมดําเนินกลยุทธ์ด้วยาการเฉยเมยแนววางตัวของทั้งสี่ขยายยาวขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อครูแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะลุกเข้าใกล้เสียงสั่งการกันเองได้ยินชัดจนบางคนชักทนไม่ไหวเซอร์เจนจะปล่อยมันไว้อย่างนี้เหรอเอา้า ถ้าไม่ปล่อยแล้วมึงอยกให้กูทําไงวะยิงสิฆ่าแม่งเลยปล่อยไว้ทําไมอย่าอย่าเพิ่งทุกอย่างต้อเป็นแผนเว้ยเข้าใจใช่ผมรู้ผมเข้าใจแผนอยู่แล้วแต่นี้มันไม่ได้เป็นไปตามแผนไม่ใช่เหรอม่แน่ตอนนี้ไม่เป็นอีกสักประเดี๋ยวอาจจะเป็นก็ได้โซเชียลแน่ใจได้ไงตามแผนว่าไอ้คนไม่เจ็บต้องเอาคนเจ็บถอนตัวจากพื้นที่แต่นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไอ้สคนนั้นทิ้งคนเจ็บแล้วหันมาสู้ซะอย่างนั้นผมว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดเผยที่ตั้งจนได้เปิดก็เปิดสิวะซัดกันสิบสามต่อสี่มึงว่า ไม่มีหรอกเซอร์เจนอย่าว่าแต่ปืนกับปืนเลยต่อให้มันมีปืนเรามือเปล่าผมก็ยังถือหางข้างเราอยู่นั่นแหละถูกแล้วเพราะฉะนั้นมึงใจเย็นอีกนิดเราต้องทําการตามแผนของนอสตาเซอร์เจนกับเมเจอร์โรเจอร์ไว้ก่อนรอให้ถึงวาระสุดท้ายถ้าทุกอย่างแก้ไขไม่ได้เขาว่ากันใหม่อ้โหเดนี้เซอเจนเซลมอนนักฆ่าลบแผนที่มีคําว่าใจเย็นแล้วหรือเนี่ยมึงบิ๊กเมาท์ชัดอัพเงียบสัทีเลยกูกําลังใช้ความคิดตอนที่สิบ ดักกงเดนตาย4ี่คนถูกยิงบาดเจ็บตามแผนหายล่างเข้าหลังกำบังไปแล้วเหนือลถพิเศษเวียดนามเหนือผู้ถูกสร้างมาเพื่อความตายย่อมไม่นำพาเพียงแค่ความเจ็บปวดแต่ละคนส่งเสียงแหกปากร้องครั้งเดียวเมื่อความเจ็บปวดครั้งแรกแล่นบูดขึ้นสู่ศูนย์รวมประสาทหลังจากนั้นไม่ปรากฏเสียงโอดครวญใดๆออกมาแม้จะเสียงคลางทั้ง4ช่วยตัวเองแล้วปล่อยให้เพื่อนที่เหลือทําการลุกลบต่อโดยไม่ต้องห่วงหากังวลเมื่อยังคงมีลมหายใจเรียวแรงพอมีจับถืออาวุธ เอาวิวับางส่วนใช้ทดแทนกันได้ประสาทสัมผัสรับทราบเหตุการณ์ทั้งหมดในพื้นที่หูได้ยินเสียงสั่งการสายตา ม, มองเห็นพวกเดียวกันส่วนหนึ่งกำลังช้าซ้ายขวาหามุมยิงเพื่อดำเนินกลยุทธ์ตอบโต้เด่นตายพยายามขวนขวายอดกลั้นความเจ็บปวดหาหนทางหยิบฉวยอากาคู่มือกลับมาถือเตรียมไว้ดักโกงชะตาไม่ถึงคาดถูกยกเว้นตามแผนการของศัตรูจํานวน4ี่คนเท่าเดิมชา้าจยาวหาแรงวางตัวได้ใหม่เสียงหัวหน้าทีมสั่งการทับเข้ามาอีกยิงเลยยิงเข้าไปก่อน ยิงล่อมันยิงล่อม า, อมาให้มันตอบอเมริกันกรีนแบลเลย์หัวล้อเบาๆท่ามกลางสายฝนมองไปทางต้นเสียงแล้วส่องด้วยกล้องขยายเป็นร่างวบวับแวมๆของไอ้คนใช้เสียงอยู่หลังพุ่มกิ่งย้อยไม้พยุงเกิดนึกหม่างใส้ขึ้นมากระทันหันวาดกรกรบาดกล้องเล็งจับได้กลางกิ่งเหนือกระบาลมันพอดีแล้วลั่นไกกิ่งไม้โตขนาดนักแข้งเหนือแข็งเปรกหนาทุกกระสุนหดระเบิดซึ่งเมื่อกระทบเป้าแล้วแตกสะเก็ดกระจายตัวเองสี่นัดส้อนแต่ละนะัดซ้าจุดเดิมอย่างแม่นยํา กิ่งพยุงใหญ่ถึงกับทนอยู่ไม่ได้ต้องหล่นลงพื้นเสียงโครมใหญ่ครอบหัวดักกงค้นใช้เสียงพอดีคนเดินอยู่ดีๆมีความสุขโดยคิดว่าตนรอดพ้นสายตาศัตรูแล้วตกใจร้องเสียงหลงเดาเหตุการณ์ไม่ออกว่ า, าการของไม้กิ่งนี้เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์หรือด้วยธรรมชาติของเม็ดฝนบาดดนนั้นดักกงบาดเจ็บซึ่งไม่ระแคะละคายใดๆกับการล่วงของกิ่งไม้หลงคิดว่าเป็นการกระทำของศัตรูแตอย่างเดียวตัดสินใจส่งกระสุนอาการออกไปทันที ก็บอกเดี่ยวเดี่เดี ว, ดวนำไปก่อนสองชุดสันส้นๆทิศทางการยิงประมาณจากตัวเองเมื่อครั้งหันหน้าเข้าหาคมกระสุนด้วยความมั่นใจว่าศัตรตูต้องอยู่ในบริเวณทางทิศนั้นแน่ดักกองอีสีคนเตรียมดําเนินกลยุทธ์เข้าใจหลักการลบแบบมีเอกภาพตามที่ได้รับหลักการมาว่าแม้ยามเจ็บแต่ยังสามารถทําการลบได้สหายนักลบต้องใช้ชีวิตร่างกายให้เกิดประโยชน์ดักกงคนเจ็บอาสาปเปิดเผยแหล่งวางตัวของตัวเองเพื่อเบนความสนใจของศัตรูให้ออกจากแหล่ง4คนดําเนินกลยุทธ์คนแรกยิ่งกลาดนา คนที่สองสามสี่ทำตามอย่างบ้างด้วยแนวความคิดเดียวกันอาฆาตสี่เจ็ดทั้งสี่จากขนบาดเ็สามกีสันโมวมาสิกจะบอกสี่ทิศทางกําหนดแน่ไม่ได้ไอ้สี่คนเตรียมดําเนินกลยุทธ์ได้โอกาสย้ายแหล่งวางตัวใหม่เพราะแหล่งเดิมค้นหาศัตรูไม่พบอาฆาตชุดแรกยิงแล้วต่อด้วยชุดสองแต่และก็บอกตั้งคนต่างยิงส่งเสียงกัมปนาตกึกกองทั่วบริเวณเสียงอาฆายิงมากดักกองสี่คนยิ่งคึกคัก โผซ้ายค้านขวาอุตรลุดตั้งใจแนวๆว่าต้องพิสูจน์ทราบศัตรูหน่วยนี้ให้ได้อเมริกันกรีนแบเลย์สู้สะทนข่มใจมองกลุ่มควันประกายไฟปากลําก้องอาการ์สลับล่างวบวบแวมแววของไอส้สคนที่ยังไม่ถึงคราวตายไปมาบางครั้งก็โหดร้อชอบใจเพราะบางคนเอาแต่ย้ายทางข้างแต่ไม่ลุกขึ้นนาไอ้คนโดนกิ่งไม้หล่นทับกระบาลหลบไปแอบอีกด้านหนึ่งของไม้ต้นเดิมแล้วสงบเส ง, เงีม่มเก็บตัวกบดานเงียบชักไม่แน่ใจขึ้นมาค ล, ลั่งขันว่าแหล่งวางตัวของตนถูกศัตรูค้นพบแล้วหรือยัง เซอร์เจนผมว่าเหตุการณ์คราวนี้ยถ้าจะบานปลายใหญ่โตแล้วนะบานไปลายไงวะกูไม่เห็นเข้าใจเลยโถเซอร์เจนแกลงโง่หรือเปล่าแดมมึงนี่นแหละโง่เซอร์เจนอย่าลืมสิว่าแผนการที่เมเจอร์กําหนดไว้นั่นนะนะมันไม่ใช่แบบนี้ในแผนวีซีต้องรีบถอนตัวทันทีทันใดหลังจากนั้นเราถึงจะแกะรอยตามมันไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้มันยังไม่ถอยนี่ว่ะแล้วมึงจะแกะรอยยังไงวะผมว่าคงไม่ใช่แกะรอยตามไอส้สคนนี้หรอกแต่มีมาให้แกะมากกว่าสี่ร้อเท่าแน่เลยหมายความว่าไงวะ ก็หมายความว่าเสียงปืนจะเป็นตัวเรียกกาลังส่วนใหญ่เข้ามาเสริมมาสิถ้ามันรู้ว่ามีพวกเราอยู่ที่นี่อีวซคงไม่ปล่อยแน่นี่มึงกลัวตายใช่ไหมไม่ใช่คนอย่างผมมาเหลอกลัวตายเซอร์เจนก็รู้อยู่แล้วงานอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยห่างเซอร์เจนถึงไหนถึงนั่นผมก็ถึงเหมือนกันแม้แต่เป็นตัวรอให้มันเปิดเผยที่ตั้งแล้วเซอร์เจนคอยเก็บซ้ำก็ยังเคยไม่ใช่เหรออืมโอเคกูจําได้แล้วมึงกลัวอะไรกับไอวีซที่จะเพิ่มมากขึ้นสี่ร้อยเท่าวะโธ่เซอร์เจนอย่ามึนนะสิไม่ใช่ผมกลัวตายแต่ผผมกลัวเสียแน แผนอะไรของมึงกูไม่เคยได้ยินมึงเอ่ยถึงแผนอะไรสักอย่างตั้งแต่ออกมาจา ก, กเวียงจันทร์ก็ไม่ใช่แผนของผมโรเจอร์เซจันแผนของเมเจอร์แผนของโนสตาเซจันต่างหาเออกูรู้แล้วไม่ต้องพูดซ้ําก็ได้งั้นช่วยกูคิดหน่อยสถานการณ์แบบนี้เรากําลังได้เปรียบเนี่ยเราจะเล่นเกมไงต่อก็ง่ายนิดเดียวเซจันยกเลิกแผนแกะรอยแล้วสังหารในแปดตัวนี้ให้สิ้นเรื่องใจกูก็อยากทําอย่างมึงว่าเหมือนกันว่ะเพราะก็ใช้จะเหลืออดทุกทีแล้วเซจั์จะทนให้มันยิงเราแต่ฝ่ายเดียวอย่างนี้เหรอทําไงได้วะ เมื่อมันยากยิงก็ต้องปล่อยให้มันยิงยิงแบบนี้อีกร้อยปีก็ยิงไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเซอร์เจนผมว่ารายงานเรื่องนี้ให้เมเจอร์ทราบขอทราบแผนปฏิบัติใหม่ไม่ดีเหรอผมกลัวชักช้าไปบางอย่างอาจจะสายเกินแก้นะครับก็ได้งั้นมึงขอจับตาดูไอ้คนที่ถูกกิ่งไม้หล่นันหัวให้ดีสงสัยจะเป็นหัวหน้าชุดว่ะเห็นมันสั่งการหลายรอบแล้วเอาน่าเซอร์เจนอย่าห่วงในเรื่องไม่เป็นเรื่องหน่อยเลยผมไม่เฟอ้อฟ้าหรอกจ่าแซมแสดงสีหน้าไม่สบายใจนะัก โดยแผนการลบครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างขัดกับความรู้สึกส่วนตัวที่เคยมีประวัติการลบทุกครั้งในอดีตทั้งในสมรภูมิเวียดนามใต้และสมรภูมิลาวมิเคยปล่อยให้ข้าศึกโดยเฉพาะเวียดกงดักกงได้เคลื่อนไหวดําเนินกลยุทธ์เกิน3ามเก้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวหันมาสบตารุกน้องยิ้มเครียดเหนือมุมปากแล้วบันจงยกไอคอมขึ้นมาจากซอกไหลกรอกเสียงลงไปเรียกผู้รับผิดชอบภารกิจแซมสันโนสตาจากเซอมอนเปลี่ยนโอเคว่ามัเลยเซอมอน เฮ้นอสตาสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงจากแผนของคุณหมดเลยแบบนี้คุณอยากผมทําไงหมายความว่าบีซีไม่ยอมถอนตัวจะกลับต่อโต้มาใช่ไหมถูกต้องมันสู้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าฝ่ายเราอยู่ตรงไหนมันยิงสารพัดจุดเท่าที่คิดว่าตรงนั้นเป็นแนววางตัวของฝ่ายเราคุณไม่เห็นกับตาผมว่าคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะนอสตาไอ้คนยิงนะ่ะเป็นฝีมือคนเจ็บไม่ใช่คนดีๆอย่างที่ใครๆคิดไอ้คนเจ็บทําการยิงฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เปิดโอกาสให้คนดีๆทําการโอบปีกมันน่าขำไหมล่ะไม่ขำหรอกแซลมอน วี VC, มันก็ใช้วิธีนี้มาตั้งนานแล้วโอเคในฐานะที่คุณอยู่ใกล้สถานการณ์คุณพออ่านเกมนี้ออกไม้ V ซีต้องการอะไรจากการไม่ยอมถอนตัวคราวนี้มันก็ต้องการเอาชนะสินนอรสตาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามวางโตอยู่ไหนมีกําลังเท่าไหร่คนเจ็บก็ยังคาราคาซังอยู่อย่างเนี้น่ะเหรอซลลอนก็ใช่น่ะสิหรือคุณว่ามันมีเหตุผลอื่นโอเคงั้นคุณตอบคำถามผมก่อนแนววีซีที่บาดเจ็บฝืนใจทนเจ็บอ่ะลุกขึ้นมายิงใส่พวกคุณมีการลุกคืบหน้าหรือว่าขยบขยาดดาเนินกลยุทธ์อะไรบ้าง ไม่มีไอส้สคนนั้นยังปากหลักอยู่ที่เดิมโอเคไอส้สคนที่เตรียมโอปีอกนี่ล่ะลุกคืบหน้าหรือกําลังออกไปได้ไกลแค่ไหนก็เท่าเดิมจากครั้งแรกตอนนี้ผมตรวจการเห็นตัวมันชัดๆเลยสองการโอปีกยังไม่สําเร็จผมว่ามันไม่กล้ามากกว่านะระยะลุกล่ะใกล้เข้ามาบ้างไหมไม่ทุกคนยังอยู่แนวระยะเดิมไอ้สี่คนนี้เปิดฉากการยิงบ้างหรือยังยังคงมีแต่ไอส้สคนเจ็บเท่านั้นที่ทําการยิงเพราะอะไรไอส้สคนดีๆจึงไม่ยอมยิงคาดการได้ไหม สงสัยมารอจังหวะให้เราเปิดเผยที่ตั้งก่อนหรือไม่ก็รอจังหวะให้เราลุกข้อหาอืมคงไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละสมอนไม่ใช่แล้วคุณว่ามันต้องการอะไรลกหน่วงเวลาปะวิณาเวลาประท้าไว้ให้นานๆก่ายให้เสียงปืนเปนตัวเรียกผู้มันมาเสริมไงเล่าเราก็รู้อยู่แล้วขนณะนี้วีซีส่งหน่วยจรยุทธ์ไม่ลู้กี่ชุดตอกี่ชุดกระจายจนเต็มพื้นที่ผมว่าในระยะรัสมีเสียงปืนน่ะน่าจะมีอีกหลายๆหน่วยจรยุทธ์กาลังเคลื่อนที่อยู่เฮ้โนสตาฝนตกอย่างเนี้เสียงปืนไปได้ไม่ไกลหร ก็เพราอย่างนี้ไงมันจึงจังเป็นต้องลบหน่วงเวลาไว้ต้องการประวิงเวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เราต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมไม่ใช่ VC เป็นฝ่ายเริ่มเพราะฉะนั้น VC ถึงต้องแก้ปัญหายอมทนอยู่ในสภาพแบบนี้ไปก่อนทนไปจนกว่าสถานการณ์จะพลิกกลับเป็นของฝ่ายมันผมหมายถึงว่าจนกว่าจะมีหน่ว ย, ยุทธ์อื่นเข้ามาเสริมโอเคนอะสตาผมเข้าใจแล้วงงขอทราบแนวทางแก้เกมนี้ด้วยเลยแน่นอนซลมอนสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเป็นอย่างยิ่งก็เปลี่ยนตามแซลมอนมีทางสังหารให้สคนดีนั้นได้ไหมจับตายมันเลยแล้วกันไม่ต้องเลี้ยง ได้สินอสตาทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วถ้าไอ้สคนดีนี่เรียบร้อยต้องจัดการไอ้สคนเจ็บนั้นด้วยไหมได้เลยแซลมอนคุณก็ชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ hey, ขอบคุณนะนอสตาสําหรับคําชี้แจงขอเวลา2อสานาทีเรียบร้อยโอเคสแตนบายจ่าดาวเหนือสร้างสแตนบายวิทยุไปแล้วจ่าแซมนิโครตัวดําใจเยี่ยมชอบการฆ่าทุกชนิดไม่ต้องวางแผนให้ยุ่งยากซับซ้อนเห็นที่ไหนซัดที่นั้นเห็นเมื่อไหร่ซัดกันเมื่อนั้นกรอกเสียงตัวเองลงบนไอคอมความที่เดิมถึงลูกทีมโอเคพวกเราชาวแซลมอน ไอส้สตัวเจ็บไอส้สตัวดีใครเห็นคนไหนซัดได้เลยไม่ต้องรอสิ้นเสียงสั่งการทางวิทยุไม่นานเสียงลมเป่าปากลำกล้องก็เริ่มดังขึ้นอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยเสียงแหกปากรลองด้วยความเจ็บปวดดังโหยหวนช็อมแรกเสียงสายฝนดังระงมทั่วแนววางตัวของดักกงร่างกายเมื่อต้องความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเกินกว่ากระสุนปกติธรรมดาจะพึงกระทําได้นั้น ดักกงผู้เยี่ยมยอดในเรื่องของความอดทนก็ไม่สามารถระ ง, งับความรู้สึกได้ทะลึงพลวดจากพุ่มไม้ที่กำบงังสลัดทิ้งอาวุธประจำกายแอบลางตะกายอากาศบิดตัวไปมาก่อนล้มกิ้งเกิดลงบนพื้นดินเฉิแฉ่เจิ่งน้ำ เรสอสดๆไหลทะลักปะปนสายฝนที่เจ่งข้างกายหลายคนขาดใจตายไปแล้วแต่บางคนยังมีแรงดินอเมริกันกรีนแบลเลยไม่รอชา้าลุกขึ้นยืนเต็มร่างก้าวขาเดินอาดๆเข้าหามันโดยไม่หวั่นเกรงสักสรีความเป็นนักรบระดับดั๊กโกงแห่งกองทัพเวียดนามเหนือแม้แต่น้อยสายตาจดจ้องอย่างล่างของคนกําลังทรมานด้วยความเจ็บปวดเขม็งครันถึงจึงใช้ปากระบอกจาะเข้าตรงแสกนากดไกป้อยกระสุนเพียงนัดเดียวแล้วผ่านสายตาไป ตอนที่11จ่าแซมใช้เวลาสองสานาทีตามพูดจริงๆดักงงชะตาขาดทั้ง8ปคนทุกสังหารเรียบร้อยด้วยมฤตยูเก็บเสียงบาดแผลรอยกระสุนตามร่างกายถือเป็นสิ่งธรรมดาแต่รอยกระสุนแสกนาาก้ำผากึงกลางพอดีเหมือนกันทุกศพกลายเป็นสัญลักษณ์ปิิศนาทิ้งให้พวกเดียวกันเก็บไปส่องวรว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือดักกงยังมีกลีนแบเรหรือจะว่าเหนือกว่าเสือคือสิงและเหนือกว่าสิงคือชัยนาตก็คงไม่ผิดนักนอสตาจากแซมอนเปลี่ยน โอเคแซมอนนี่ผมแซมซันเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยทุกอย่างแซมซันขอทราบการปฏิบัติแทนต่อไปเคลื่อนที่ตามชุดของผมมาทุกอย่างยึดถือแนวทางปฏิบัติเดิมโอเคทราบตอนนี้ชุดของแซมซันเคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมถูกต้องมูฟบอกมาแล้วประมาณ500เมตรชุดของเราตรวจพบ VC4 คนเป็นพวกหน่วยจรยุทธ์ในพื้นที่กําลังเข้าเสริม VC8 คนของแซลมอนนั่นแหละสงสัยได้ยินเสียงปืน ไอ้สคนใหม่นี่เซอร์ซ่ามากไปหน่อยเซอร์เจนยุทธพงศ์ประกบด้านนั้นอยู่พอดีเลยสอยสเสเลียงไป2ตามคําสั่งเหลืออีก2องคนสู้ไม่ไหวหน้าแลยตัดสินใจฮิ้วปีกเพื่อนที่บาดเจ็บเพ่นแนบไปแล้วหมายความว่าชุดของแซมสั้นกําลังแกะรอยตามมันไปใช่ไหมถูกต้องซมมอนเรื่องนี้คุณวางใจเซอร์เจนยุทธพงค์ได้ไม่มีการพลาดอย่างเด็ดขาดโอเคผมมาเชื่อมือเขาแต่ผมสงสัยอยู่อย่างว่าทําไมสี่คนทางด้านผมไม่ยอมถอนตัวฮิ้วปีกให้สคนเจ็บนั้นออกไปบ้าง ชุดของคุณนั่นมันดับกงชุดนี้เขาเวียดนามหน่วยจรยุทธธรรมดาน้ำอดน้ำทนไม่เท่ากันโอเคไอซีถ้างั้นแกะรอยตามเวียดกงก็คงไม่ยากละสิไม่รู้ยังตถัถสินันไม่ได้รู้แต่เพียงว่าขนาดนี้ไอซออกมาเคลื่อนไหวตามล่าพวกเราเต็มทั่วทั้งป่าแล้วมัง้งเพราะฉะนั้นระวังตัวจะถูกแกะรอยย้อนบ้างกันแล้วกันแน่นอนสมสั้นผมกาชับชุดล่าตวเวนเราให้คอยระวังอยู่แล้วโอเคถ้ัน้นสแตนบาย ฝนเริ่ม3าเมตรลงแต่ผิวดินยังเจิ่งนองไปด้วยน้ำผมูมีประเทศบางส่วนเป็นลาดต่ำสายน้ำรวมตัวกันเป็นสายน้ำไหลเ อ, อ่อเวลำทางสายย่อยๆ สร้างความลําบากในการเดินไม่ใช่น้อยเพราะกาหนดไม่ถูกว่าตรงไหนเนื้อดินใต้แผงหญ้าใบไม้อ่อนหรือแข็งรอยดอกยางรองเท้าปรากฏเด่นหลาเป็นทางยาวบางรอยถูกสายน้ําพัดซัดหายไปแต่บางรอยยังอยู่เสื้อผ้านเนื้อตัวเปียกโชกมาตั้งแต่เชา้ารู้สึกชื้นแฉะเนะห น, หนะหน้ า, นาลาคาญไปทั้งตัวจนบางครั้งเกิดอาการงุดหงิดว่าไม่น่าออกภารกิจยามมีมรสุมเลยสงครามเริ่มมานานา น, นับหลายๆปียังแพ้ชนะกันไม่ได้เด็ดขาดหากจะออกเช้าวกว่านี้สักระยะหนึ่งเพียงแค่ไม่มีมรสุม การแพ้ชนะก็คงไม่มีผลแต่กระนั้นทุกคนก็หาได้ ย, อดอย่อทอไม่เราแวดระวังเรื่องร่องรอยหลักฐานบนพื้นดินทางเดินสลับกับคอยสอดส่องสังเกตสิ่งแปลกปลอมอันเกิดจะมีขึ้นได้ทุกเสี่ยวลมหายใจอย่างเคร่งขัดความเหนื่อยยากนานาเก็บไว้ในใจหันมาสนใจสิ่งรอบตัวประสาททุกอย่างเปิดกว้างพร้อมที่จะตอบโตสถานการณ์ร้ายทุกเมื่อ จายุทธพงศ์ประกบไอเล็กนำคูแกะรอยเวทกงบาทเจ็บห่างไปข้างหน้าระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตรตามสภาพความหนาทึบไม่มากนักของภูมิประเทศทิ้งเหตุการณ์ทางด้านหลังให้ทีมงานคนอื่นรับผิดชอบตัวเองคอยระแวดระวังแต่เป้าหมายไม่ให้รู้ตัวว่ากําลังมีคนตามยังไม่มีวี่แววว่าเวทกองทั้งสองจะระคาระคายถึงความตายที่กําลังตามเป็นเงาติดตัวกระทั่งขึ้นถึงยอดเนินหัวโลนไม่มีไม้ใหญ่เกะกะเหมือนบริเวณอื่นเวทกองหยุดเดินเพื่อให้คนเจ็บได้พักพี่ไอเดนตายนี่หยุดพักเดินแล้ว โอเคกรอรขึ้นไปดูใกล้ๆซิไม่ต้องก็ได้พี่ผมห่างมันแค่3 0มเมตรเท่านั้นแหละป่าโปรง่งมองเห็นทุกอย่างชัดเจนผมว่าไอเดนตายคนเจ็บไม่ใครก็ใครคนหนึ่งแหละกำลังจะตายนะพี่เฮ้ยตายได้ไงวะโดนจุดสำคัญหรือไงสงสัยครับพี่อย่างน้อยคงเลือดออกไม่หยุดนั่นแหละตายเพราะเสียเลือดมากนะพี่ อะไรวะใจสอดชิบหายเลยจริงๆพี่มันวางคนเจ็บลงแล้วแผลหล่าไม่กระดูกกระดิกเลยเลือดโทกไปทั้งตัวเลยพี่ผมว่ามันกําลังมองหาพื้นที่คุณหลุมฝังศพตรงไหนสักแห่งนะพี่เออช่างหัวมันเลยไอ้คนเรามีทางรอดมาคงรอดมัม้งเห็นเพื่อนมันเอานั่งพิงตอไม้ไว้นะพี่หรือก็อาจจะไม่แน่เพราะดูท่าทางมันไม่มีเรี้ยวมีแรงเอาเลยนั่งทางขาแขนตกคอตกเลือดไหลออกมาซอกไหลเปียกไปถึงเอวแล้วโอเคประยุทธ์ชักเบื่อลาคาในพวกเวร น, นี่เต็มทนแล้วะ อะไรอีกล่ะพี่พูดให้มันเคลียร์ยหน่อยทำแบบนี้มันปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่มีอะไรมากอยากหามุมสงบพักผ่อนสักหน่อยมีข่าวบางอย่างต้องปรึกษากับบอกอรพี่ว่าจัดการเกีนในส้2ตัวที่เหลือนั้นเลยดีกว่ามาั้งเอา้าเราไม่แกะรอยมันต่อหรือพี่ไม่เป็นไรเชื่อเลยว่าเดี๋ยวก็มีพวกอื่นมานําทางให้จัดการเลยแล้วกันจ่ายยุทธพงษ์หดล้อหือห้อในลําคอเดี๋ยวมองไอเล็กบัตดี้เพื่อนรุ่นน้องเห็นทําหน้าเหมือนเหมือนกันทั้งสองไม่มีปัญหากับเกมสังหารเกมนี้แต่ไม่เข้าใจว่าทําไมหัวหน้าทีมจึงสั่งเปลี่ยนนนแแผออกง่ายๆบบี้ สู่สาแกะรอยตามมาตั้งนานยามเมื่อโอกาสยังไม่อํานวยการสอบถามเอารายละเอียดยังทําไม่ได้สองนักลบรับจ้างจึงเก็บความสงสัยนั้นไว้และหันมาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่วาดกากบาทก้องเล็งทับทับร่างเวียดโกงจ่ายยุทธพงศ์อยู่สายเอาคนทางซ้ายไอเล็กอยู่ขวาก็ต้องเอาคนทางขวาระยะยิงสามร้อยเมตรกับภาพขยายสิบห้าเท่าเลือกได้ส่วนหัวเป็นเป้าใช้เวลาไม่ถึงอึดใจต่อเยื่อสังหารที่กําลังนั่งนิ่งกระสุนหัระเบิดจากลํากล้องติดกระบอกเก็บเสียงก็ดังขึ้น คลิกตาต่อมาเสียงแหกปากร้องหองคนได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสพลันก็ดังขึ้นบ้างเป็นโอกาสเดียวครั้งสุดท้ายคนละครั้งที่ได้หลองร่างถังล่างถึงกับอาการงายหลังกระแทกพื้นขาดใจตายทันทีไอคนเจ็บใกล้าตายถึงกับลืมสภาพตัวเองไปชั่วครู่กาลังร่างกายที่มีเหลืออีกนิดหน่อยทําท่าขยับตัวเตรียมหนีหาทางรอดแต่โอกาสไม่เอื้ออำํำนวยพราะมาจุราัสขึ้นบัญชีลายชื่อรอกระชากวิญ ญ, ญาณกลับสุนทรกแล้ว จ่ายุทธพง์วาดลํากล้องออกขวาระยะห่างไม่ถึงก้าวใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีกดไกส่งกระสุนจับเข้าแผงอกตัดคูหัวใจเรียบร้อยไปอีกคนบาดเจ็บอยู่ก่อนถูกความเจ็บปวดหนนสองเข้ารุมเหลา่าหมดปัญญาจะกระเสือกกระสนดิ้นหลนทําไม่ได้แม้แต่จะแหกปากร้องอยังเพื่อนบางร่างนั้นค่อยๆเอ็นลงตะแคงค้างนอนราบกับพื้นดินขาดใจตา ย, ตายกลายเป็นผีเฝ้ายอดเนินไปในบัดดลเอาไงต่อพี่เรียบร้อยแล้วโอเคใจเย็นไอชาทั้งปีกขวาจเจอเหยื่อลายใหม่อีกแล้วอ่ะโอ้โหอะไรกันพี่ แม่งชุมยังกระยุงเลยเนี่ยเอานะใจยเย็นอีกนิดตอนนี้โนบกับไอ้พองก็ตามไปสมทบแล้วงานนี้แค่สี่ต่อสไม่มีปัญหาหรอกนะทิศทางมาบนยอดเนินนี้หรือเปล่าพี่ใช่ตรงนั้นนะ่ะสงสัยมันจุดนัดพบว่ะดีพี่พบเพื่อตายแล้วก็เชิญมันมากันเยอะๆเลยทำเป็นพูดดีเถอะมึงรับรองงานเนี่ยหากันมาเป็นกองทัพหน้าใจยเย็นเด็ดเรียบร้อย จาดาวเหนือนั่งพิงโคนไม้ใหญ่เคียงข้างพันตรีโรเจอร์ในขณะที่กำลังส่วนอื่นๆไล่ล้อมเป็นวงเตรียมระวังและคอยตรวจการรอบด้านไอชาติไอนิดไอนบไอผ่อนสี่มือสังหารเข้าที่วางตัวพร้อมแล้วระยะเคียงระหว่างกัน15ก้าวกำบังร่างในพุ่มไม้มุมตรวจการด้านหน้ากว้างขวางไร้สิ่งกบาบังทั้งปวงไกลออกไปราว300้เมตรมีไม้ใหญ่สลับบางเป็นครั้งคราว ร่างของคน4ี่คนปรากฏให้เห็นว่าวบวบแวมแวมเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหายซึ่งหากเป็นการมองด้วยตาเปล่าอาจมีอุปสรรคบางแต่การมองด้วยกล้องขยายสิ้าเท่าช่วยให้เห็นชัดแม้กระทั่งกระสุนอะไร34สี่แม็กที่แขวนข้างเอวระเบิดสักเบือสามลูกผูกติดกันอาก้าพานท้ายไม้เกกะน้ำหนักมากถือด้วยมือทั้งสองข้างในท่าเตรียมใช้อาวุธเต็มที่ สี่เวทกงเดนตายลายใหม่สาวเท้าก้าวยาวเดินเร็วเสียงปืนจากบริเวณด้านตะวันตกห่างไปราวกิโลเมตรกว่านั้นเชื่อแน่ว่าต้องเป็นฝีมือศัตรูนัดจุดยอดเนินเป็นจุดนัดพบเพบื่อปรับแผนปรับกำลังเตรียมมาตรการตอบโต้หรือรับคำสั่งจากหน่วยเหนือความห่างจากจุดกำเนิดเสียงปืนปะทะกับยอดเนินแห่งนี้ค่อนข้างไกลกันทั้งสี่จึงไม่ค่อยระแวดระวังเท่าที่ควรนัก กมหน้าก้มตาทำความเร็วเพื่อไปให้ถึงก่อนกำหนดให้ได้เท่านั้นหารู้ไม่ว่าตั้งแต่ระยะ300เมตรลงมานั้นกากบาดก้องเล็ง4ี่อันเท่าจํานวนคนเริ่มทับทับส่วนหนาสุดของร่างกายรอไว้แล้วมือสังหารขยับเส้นเล่งวาดกากบาดไล่ตามติดทุกระยะฝีกาวไอชาติรับหน้าที่วางแผนและสั่งการร้อยมันเข้ามาสักระยะ50เมตรนะเพื่อนไกลไปมัม้งเกิดมารู้ตัวก่อนหรอวะกระชั้นหัวไม่เป็นไรรู้ก็ให้รู้สิวะเล่นห น, หนึ่งที่รู้อยังงั้นแหละเสี่ยงพลาดเสียเวลาเปล่านะมึง เอานะกูอยากฟังเสียงมันตอนแหกปากร้องว่ะโถไอ้เปรตซาดิศหรือไงวะเอาเถอะจะร้อยเมตรแล้วนะมึงโถไอ้ตาขาวอย่าเพิ่งนายพลไม่มีโอกาสเถียงกันอีกแล้วเมื่อเหยื่อลายใหม่ทั้งสเริ่มใกล้เข้ามามือสังหารจำเป็นต้องเก็บตัวเงียบรอเวลาตามแผนของไอ้ชาดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเส้นทางเคลื่อนที่ของเวียดกงทั้ง4ตรงดิ่งเข้าหาเหมือนเมื่อครั้งของจ่าแซมทุกประการคนหน้าบางคนหลั ง, ค น, ลงคนหลังเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหายคนยิงต้องคอยจ้องกรกบาดคอยคนไหนหายให้หายไปก่อน โผล่ออกมาแล้วเล็งใหม่อีกทีระยะใกล้เข้ามาเรื่อยกระทั่งได้ตามกำหนดไอชาติกดไก่น้ำก่อนทันทโีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอชาติเล่นเกมทรมานจัดกากบาด ท, ทาบเข้าท้องน้อยเยือสังหารกระสุนหัวระเบิดพุ่งเข้าเป้าอย่างแม่นยำ เวทโกงดวงสวยถึงกับถล่มหนาอาก้ากระเด็นหลุดจากมือแหกปากร้องลานก่อนคว่ำตัวเอาหน้ากระแทกพื้นไอ้นิดคนต่อมาซัดเข้ากลางแสกหน้านัดเดียวเรียบร้อยไม่ต้องสำนอบถูกลายของไอ้นิดบังจนมิดล่างกระสุนจึงไปถูกลายของไอ้นิดแทนไอพร ล, ลายหลังสุดเห็นร่างเป้าหมายเพียงครึ่งเดียวแต่กระนั้นมือสังหารอย่างมันก็สามารถเด็ดชีวิตเวทโกงได้กระสุนนัดนั้นซัดโดนชายโครงขวาก่อนเจ้าตัวรู้ดีว่างานนี้ต้องมีสำนจึงรีบจัดการรอบสองอีกครั้ง เวดกงดวงสวยสองต่อต้องเก็บตัวสองครั้งเผยแผงอกทั้งแผงรอรับกระสุนย่างท้าถ่ายไอ้พรกดไกโดยไม่ต้องเลงมากให้เสียเวลาซัดเสียงดังฟุบทุกอย่างก็พันจบสินไอ้ชาติยังไม่หมดเกมเล่นวาดจะ ก, กระบาดตามร่างเหยื่อสังหารขนาดล้มกิ้งลงกับพื้นได้โอกาสลั่นไกขังไม้เอาสะโพกก่อนโอ้ยโอ้ย กระสุนซองนัดโดนบริเวณเดียวกันเวียดโกงถึงกับดิ้นพลาดเป็นปลาทุกทุบหัวสองขาสองแ ข, งขนดิ้นกระเด่วแต่ร่างกายไม่ขยับเขยือนไปไหนเพราะกระดูกสะโพกทั้งแผงถูกสะเก็ดกระสุนพุ่งเข้าควานภายในจนแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีหมดแล้วกามเหนือเส้นเอ็นพลอยไม่ทำงานไปด้วยมือสังหารหัวเราชอบใจหันมาคุยกับเพื่อนเอาตรงไหนดีวะโถไอ้ส้นตีเนเอย้ยเสียเวลาชิบหายเลยมึง ไอพอรสสบ ด, ด้วยความหัวเสียไอนิดไม่พูดพรามไม่สนใจฝีมือทำคนไม่มีทางสู้ของเพื่อนจัดการวาดกากระบาทของตัวเองจับได้ส่วนหัวพอดีแล้วลั่นไก่อยเวยดกงโชคดี หลุดพ้นจากสภาพทรมานร้องไม่เป็นภาษามนุษย์ก่อนจะเกิดอาการคออ่อนคอพับแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไอชาติกำลังเล่นเกมต่อต้องเร็งค้างพอภาพปรากฏในกล้องเล็งมันชัดเจนไม่ต้องอธิบายลดพันท้ายปืนลงมาจากท่าประทับบ่าเล็งแล้วหันไปหัวล้อกับไอ้นิดยังอารมณ์ดีสักครู่เสียงของหน้าทีมก็ดังขึ้นเมื่อภารกิจเรียบร้อยไปโว้ยขึ้นยอดเนินคอยพบยากันดีกว่า พันตรีโรเจอร์ส่งวิทยุถึงพันตรีคอรลินและจ่าแซมแล้วเดินตามไปสถานการณ์ยามนี้ช่างดูปอดโปร่งเสียจริงๆพ อ, อรัสมีสองสามกิโลเมตรโดยรอบค่าศึกถูกสังหารลงจนหมดสิ้นแล้วนอสตาคุณมีเรื่องต้องปรึกษาอะไรกับคีเนลหลายอย่างครัเมเจอร์เดี๋ยวเราปรึกษากันก่อนแล้วค่อยส่งข่าวดีกว่าโอเคงั้นคุณว่ามาเลยครับเมเจอร์อย่างแรกนะ V ีซีไม่เล่นเกมตามแผนของเราอย่างที่สองวซมากเหลือเกินผมเกรงว่าบางทีเราอาจไปติด ก, กับอยู่ในวงล้อมของมัน อย่างที่3เราไม่มีแผนล่วงอย่างอื่นเลยนอกจากเดินเข้าหามันตรงๆแบบนี้เสี่ยงมากทั้งเสี่ยงต่อความตายแล้วก็เสี่ยงต่อความล้มเหลวของภารกิจด้วยเพราะเราไม่สามารถเข้าถึงรังใหญ่ของมันได้อย่างที่4เราไม่มีการข่าวสนับสนุนเลยแมย้แต่ข่าวเดียวอย่างที่5เราไม่มีหน่วยทหารขนาดใหญ่คานอำนาจการเคลื่อนไหวในพื้นที่ทธพลแข่งกับมันรวมความแล้วผมคิดว่าเรานะ่าจะปรับแผนการรบใหม่ทั้งหมดนะเมเจอร์ พันตรีเมริกันนายทหารยุทธการประจำกองกำลังคิดตามคำบอกของนักบรบหลังอย่างพินิษพิจารณารูปการหลายอย่างเท่าที่ผ่านมาเพียงครึ่งวันผิดแผกไปจากแผนที่เคยวาดไว้อย่างมาก การเริ่มตน้นเมื่อข้าศึกยังไม่พร้อมร้อเปอร์เซ็ตเช่นนี้ฝ่ายตนอาจได้รับชัยชนะแต่ถ้าความพร้อมของข้าศึกเกิดขึ้นหน่วยกาลังรบทั้งหมดถูกส่งกระจายเต็มพื้นที่เวียดกกงยอมเอาชีวิตเข้าแลกแบบร้อยต่อหนึ่งหรือระดมสรรพกําลังให้มากกว่านี้หลายๆเท่าสถานการณ์ภายใต้การไม่สามารถสนับสนุนได้เพราะอยู่ห่างไกลจากหน่วยแม่เชื่อเถิดว่าความพินาศย่อมเกิดแก่ชุดปฏิบัติการพิเศษยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงแน่ ตอนที่12พันโทฟาร์มวันหา่ารองผู้บัญชาการกองพลฐาน ร, ราบที่6 6 2พันโทเดืองฮามายในฐานฝ่ายวางแผนและประสานงานสังกัดเดียวกันปรากฏกายขึ้นนกักบังคับการกรมฐานราบที่55เป็นการเร่งด่วนท่ามกลางในหาน ร, ระดับมันสมองของหน่วยระดับกรมฐานราบ 4-5 ้าคนจะภาคใต้อาคารเพิงหมาแงในใจกลางดงทึบนั้นพันโทกวงนำว่าง ผู้บัญชาการกรมฐานราบมีสีหน้าเหมือนคนแบกโลกทั้งโลกไว้หนักที่สุดเพราะปัญหาการรบในเขตพื้นที่รับผิดชอบประดังเข้ามาเป็นระลอกเหล่ากับคลื่นซัดฝั่งถาโถมกระนำสัต์ทลายสิ่งกีดขวางจนพินาศย่อยยับเขาหันมามองหน้าสบตาลองผอบบอผลนิ่งอึงหาคำเริ่มที่จะเป็นคำถามไม่ได้บรรยากาศในบกกรหลังสิ้นฝนจึงเงียบเชียบเปนานสองนานกระทะทางฝ่ายที่มาเยือนเริ่มกล่าววาจาขึ้นก่อนสายกวง ขอทราบสรุปผลเสียหายในช่วงตั้งแต่เมื่อคืนนี้จากการกระทําของศัตรูต่อสหายนักรบฝ่ายเราว่าบาดเจ็บหรือล้มตายไปเท่าไหร่แล้วได้สิสหายท่านสหายนักรบหน่วยจรยุทธ์ดักโกงตาย24คนบาดเจ็บสหัส4คนสหายนักรบหน่วยจรยุทธ์เวียโกงตาย16คนไม่มีบาดเจ็บไม่มีบาดเจ็บหมายความว่าศัตรูทําการสังหารโดยไม่ให้หนีรอดเลยใช่ไหมถูกต้องสหายท่านศัตรูกลุ่มนี้เก่งมากมีการปฏิบัติการที่เฉียบขาดแล้วก็แน่นอนมากกว่าศัตรูทุกกลุ่มตั้งแต่มีการเผชิญหน้ากันมา การตายการบาดเจ็บล้วต้องเป็นความจงใจที่ต้องการให้เป็นไปทั้งสิน้นหมายความว่าสาหายนักรบที่บาดเจ็บนั่นเป็นเพราะศัตรูเจตนาไว้ชีวิตเหรอถูกต้องสหายท่านจากการสอบถามสาหายนักรบที่บาดเจ็บแล้วทุกคนยืนยันเหมือนกันหมดว่าถ้าศัตรูคิดเอาชีวิตจริงๆก็ย่อมทําได้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมศัตรูจึงไม่ทําทําไมจึงมีเจตนาเว้นชีวิตบรรยากาศที่เงียบอยู่ก่อนแล้วกลับเงียบขึ้นอีกเป็นเท่าตัวภาพจากข่าวตามคารายงานของสหายนักรบที่บาดเจ็บสะท้อนขึ้นมาในความรู้สึก การยิงอย่างแม่นยำสามารถเจาะแสกนาผากักหรือจับจุดตายบนร่างกายได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวระยะยิงไกลกระทั่งเสียงปืนถูกกบด้วยเสียงฝนจนสิน้นไม่มีสหายนักรบคนใดเห็นตัวศัตรูการปรากฏตัวแต่ละครั้งไม่มีโอกาสารู้่วงหน้าทุกอย่างเป็นไปนอย่างฉับพลันและจู่โจมลองพอบอพลฝ่ายการทหารบนพืมพรมใบหน้าแววตาส่องประกายขณะใช้ความคิดอย่างหนักนักรบรับจ้างผู้ศักดินาขุนศึกกรีนแบลเล่จักรวรรดิอเมริกา เราหันมาศบตาผอบอกกรมทหารราบที่ห้าสิบห้าครั้งพร้อมกับคําถามในฐานะที่เคยมีประสบการณ์รบกับกองกําลังทหารเกาหลีในเวียดนามใต้มาก่อนสายกวงสายพอจะเปรียบเทียบได้ไหมระหว่างศัตรูสองพวกนี้กับศัตรูหน่วยม้าขาวจักหวัดเกาหลีพวกไหนทำการลบได้เก่งกว่ากันพันโทกวงนําหวังเมื่อสายตา ม, มองหยดน้ําที่ร่วงจากใบไม้เหนือเพิงหมาเงนกําลังปล่อยความคิดล่องลอยไปไกลขันถูกถามยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็สะดุ้งเล็กน้อยยิ้มบนใบหน้าแล้วจึงตอบสายท่าน ความเฮี้ยมโหดของศัตรูหน่วยนี้น้อยกว่าหน่วยม้าขาวอย่างน้อยตรงที่หน่วยนี้ไม่มีการทําลายซากศพหรือพยายามจับเป็นเอาสายนักรบของเราไปทําการทรมานรีดข่าวแต่ยุทธวิธีการลบนั้นน่ะหน่วยนี้เหนือชั้นกว่าหน่วยม้าขาวหลายเท่านักสหายยกตัวอย่างเหตุผลข้อหลงังสิ ศัตรหน่วยนี้ทําการลบโดยไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยเหนือผิดกับหน่วยม้าขาวที่มักปฏิบัติการตามหลักการลบมีทั้งปืนใหญ่เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินตรวจการอย่างอื่นคอยติดตามตลอดเวลาในขณะที่ศัตรูหน่วยเนี้ใช้หลักการลบแบบกองโจรทําภารกิจสืบทอดอุดมการเยี่ยงสายนักลบของเราเคลื่อนไหวไล่ล่องรอยไม่ปรากฏตัวให้ฝ่ายเราเห็นยิงปืนแม่นชนิดสามารถกําหนดได้เลยว่าตายหรือบาดเจ็บหรือแม้แต่ละเว้นก็ยังทําได้ ศัตรูหน่วยม้าเขามีการเคลื่อนไหวหรือเข้ามาในเขตอิทธิพลของสายนักรบด้วยฝ่ายสายนักรบก็สามารถรู้ล่วงหน้าทุกครั้งจึงสามารถเตรียมการรับมือดําเนินกลยุทธ์ทําการต่อสู้ได้แพ้ชนะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของแต่ละฝ่ายแต่ขณะที่ศัตรูหน่วยนี้มีทุกอย่างที่เป็นตรงข้ามจนป่านนี้แล้วฝ่ายเรายังไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบขึ้นเป็นฝ่ายได้เปรียบได้เลยหรือแม้แต่จุดกําหนดแน่นอนว่าศัตรูฝังตัวอยู่ที่ใดก็ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้นี่คือเหตุผลเพียงบางประการนะไม่ทราบ ว, ว่าสายท่านมีแนวความ ใ่แล้วสายกลวงหากเรายังไม่สามารถกําหนดจุดฝังตัวแน่นอนหรือยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบการทําการเกาะติดได้สําเร็จฝ่ายสายนักลบจะต้องเป็นฝ่ายถูกตามล่าต่อไปนั่นหมายความว่าการสูญเสียแบบเดิมๆหรืออาจจะมากกว่าต้องเกิดขึ้นอีกขณะนี้เปรียบเสมือนสตูอยู่ในที่มืดแต่ฝ่ายสายนักลบอยู่ในที่สว่างทุกอย่างสายนักลบเสียเปรียบเป็นอย่างมากสหายท่านใดมีแนวความคิดเพื่อหาหนทางแก้ไขจุดอ่อนของฝ่ายสายนักลบเราบ้างหรือไม่ รองผอบอพลฝ่ายทหารกล่าวนำยืดยาดกวาดสายตา ม, มองหน้าคณะนายทหารรอบข้างแล้วยิงคำถามโดยไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายท่านทำไมเราไม่ระดมกำลังสหายนักรบทั้งหมดที่มีมุ่งข่าสศัตรูกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษออกกวาดล้างทุกพื้นที่ค้นหาแหล่งฝังตัวให้ได้เสียก่อนโดยการพักภ า, ภารกิจสืบทอดอุดมการอื่นๆไว้ช่วงขาว เราเชื่อว่าหากกาลังสายนักรบมีมากกว่าศัตรูสัก10บหรือ50ิเท่าแล้วทําการลบแบบยืดเยื้อยาวนานไม่ช้าศัตรูที่ไม่มีระบบการส่งกําลังบํารุงต้องยอมจํานวนหรือไม่ก็เสียทีกับฝ่ายสายนักรบการรวมกําลังเป็นหน่วยขนาดใหญ่ตั้งแต่50คนขึ้นไปเนะี่ยมันถือเป็นการเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางอากาศหรือปืนใหญ่ของศัตรูเป็นอย่างมากเราไม่เห็นด้วยกับหลักการข้อนี้นะถ้าเช่นั้นเราต้องกําหนดหลักนิยมปฏิบัติเป็นข้อๆลองว่าข้อแรกมันซีสหายข้อแรกต้องพิสูจน์ทราบจุดฝังตัวที่แน่นอนให้้ไดสก่อน ข้อ2ข้อ2ทํทำการเกาะติดสืบสภาพกำลังรบที่แท้จริงศึกษาค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งหรือคืดความสามารถเฉพาะของศัตรูข้อ3ข้อ3ใช้กำลังสายนักลบที่เหนือกว่าด้วยจำนวนสิบเท่าเป็นอย่างน้อยบุกเขาทำการรบแบบประชิดจู่โจมด้วยกำลังสายนักลบแทนการใช้อาวุธหนักขนาดใหญ่ทำการยิงแล้วข้อสีมีไม ข้อสทำการลบเร็วถอนตัวเร็วหลีกเลี่ยงการโจมตีทางอากาศของศัตรูอาจใช้กําลังสายนักรบส่วนหนึ่งวางไว้รอบนอกป้องกันการเสริมกําลังของฝ่ายศัตรูด้วยการลบหน่วงหรือโจมตีขั้นแตกหักเพื่อถอนรากถอนโคนหน่วยเสริมให้สิ้นรากเพียง4ข้อเ น, นี้สายท่านคิดว่ามีทางเอาชนะศัตรูได้หรือไม่ทั้งหมดเป็นแนวความคิดของนายทหารฝ่ายวางแผนและประสานงานเสนอแนะแก่อบอบผอพลประสบการณ์รบที่มีมานานทําให้สามารถบรรยายออกมาได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัด พันโทฟาร์มวันห่ารับฟังด้วยความตั้งใจและสนใจในขณะที่นายทหารคนอื่นๆตั้งคิดเป็นทํานองเดียวกันหมดว่าข้อเก่าหลักนิยมเดิมๆแต่ก็ไม่ปริปากเ อ, อ่ยว่าจะใดๆสายตาจ้องมองรองผอบบพลเขมแขงยากรู้ว่าจะตัดสินใจสั่งการเรื่องนี้อย่างไรหลักการทุกข้อที่สหายว่ามันเนี่ยสายนักลบของเราปฏิบัติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถูกต้องสหายท่านการปฏิบัติทั้งหมดสามารถสําเร็จผลได้ต่อเมื่อสายนักลบทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการลบใช้มาตรการลุกเป็นหลักต้องลุกไม่ใช่ตั้งรับอย่่่างทีเป็นอยู ลองผอบบพนละสายตาไปทางผอบบพันกรมฐานราบที่5้ถ้าทางเหมือนเพิ่งนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้สายกวงในเขตรับผิดชอบของสาหามีหน่วจรยุทธปฏิบัติการสืบท่อภารกิจทั้งหมดกี่หน่วยหน่วยจรยุทธเวทกงหหน่วยหน่วยจรยุทธดักกงสี่หน่วยแต่แต่ลายสาห์หน่วยจรรยุทธเวทกงถูกสลายกําลังไปแล้วสหน่วยหน่วยดักกงถูกสลายกำลังไปทั้งหมดเมื่อคืนนี้เองเอาละเรื่องนี้เรารู้แล้วสหายจะกําลังหน่วยใหม่ออกสืบท่อภารกิจหรือยังยังเลยสายท่าน เรากำลังปรึกษาแล้วก็พิจารณาแผนการสืบทอดอุดมการใหม่ยังไม่เรียบร้อยพอดีสายท่านมาถึงซะก่อนดีละถ้าอย่างนั้นพวกเรามาช่วยกันคิดแล้วกาหนดแผนการร่วมกันเลยตามแนวคิดของสหายเดืองนั้นเราเห็นด้วยกับเหตุผลข้อแรกที่ว่าต้องพิสูจน์ทราบจุดฝังตัวงศัตรูให้ได้ซะก่อนสหายเห็นด้วยไหมลองผอบบพนกว่าสายตาสํารวจความเห็นจากเพื่อนในทาหารทุกคนพยักหน้าแทนคําพูดแสดงว่าเห็นด้วยมาตรการเชิงลุกก็ให้เปลี่ยนเนเชิงรับ พอที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยฝ่ายสหายนักรบเสียเปรียบในเรื่องแหล่งกำลังการเคลื่อนไหวขนาดดำเนินกลยุทธ์ทำให้เกิดการเปิดเผยตำแหน่งวางตัวการยิงอย่างรุนแรงจนเกินความจำเป็นทำให้เปิดเผยจำนวนการรบที่แท้จริง สองกรณีเนี้ถือเป็นจุดอ่อนมากในขณะที่ศัตรูปักหลักกบดานแน่นอยู่ในแหล่งกำบังศัตรูจับตามองฝ่ายสหายนักลบตลอดเวลาแล้ศัตรูก็ทําการยิงแต่น้อยเลือกยิงเฉพาะเป้าหมายที่แน่นอนเท่านั้นศัตรูสามารถแสวงประโยชน์จากธรรมชาติยามทัศนวิสัยมีฝนตกหนักพายุฟ้าขนองได้ดีกว่าฝ่ายสหายนักรบเป็นอย่างมากน้ําเสียงราบเรียบจัดจังหวะช้าเร็วฟังแล้ละลื่นหูผู้ฝังฟังแล้วคิดตามเข้าใจจนเห็นภาพของความเป็นจริงในสถานการณ์การรบที่ผ่านมา ลองผอบอพลเว้นช่วงเล็กน้อยแล้วจึงพูดต่อสหายหลักนิยมทําการลบครั้งเนี้ศัตรูใช้หลักการแห่งท่านโฮจิมินท่านวงเหยียนเจี๊ยบที่กล่าวไว้ในสัญ น, นิพนธ์ทุกประการสหายเคยสงสัยไม่ว่าทําไมศัตรูจึงสามารถนํามาใช้ได้ดีกว่าดีกว่าสหายนักลบของเราเองซะอีกคณะคนฟังนั่งรายล้อมเริ่มขยับเขยืขย้อนเนื้อตัวไม่มีใครกล้าเถียงแม้แต่คิดว่าคําพูดเหล่านั้นจะผิดสหายการกระทำของศัตรูครั้งเนี้ เยียงเสือร้ายผู้ผพ่วงผีด้วยเขี้ยวเล็บอันแหลมคมคอยดักซุ่มตะปบกวางน้อยเป็นอาหารเสือร้ายตัวนี้ฉลาดเกินกว่านายพรานคนใดจะคาดถึงมันไม่คิดกินเนื้อสัตว์ด้วยกันแต่ต้องการกินเนื้อคนที่อร่อยหวานกว่ามันเหมือนเสือที่ถูกวิญญาณเข้าสิงเคลื่อนไหวไปทางไหนอย่างไรล่องรอยมันมียานรับสามารถรู้เส้นทางสัญจรของเหยื่อทั้งหลายได้ล่วงหน้ามีไหวพลิบปฏิพาน ใช้เขี้ยวเล็บสังหารได้อย่างรุนแรงแน่นอนเด็ดขาดได้ผลด้วยการออกแรงพริงเล็กน้อยรองผู้บัญชาการกองผลทหารรับที่612ยกอ้างถึงสัตว์ห้ายในป่าตามตำนานความเชื่อถือของคนร่วมชาติร่วมเผ่าพันธุ์ซึ่งตระหนักกันมาแต่โบราณ น, นักรบเวียดนามเหนือถูกสร้างขึ้นเพื่อสงครามกองโจนโดยตรงกองโจนต้องอยู่ในป่าการอยู่ในป่านั้นเปรียบประดุดดังเสือเสือคือเจ้าแห่งป่าเมื่อเสือลายยิงย่างไปหนใดบรรดาสัตว์เล็กสัตว์จอยพากันแตกตื่นเปิดทางให้ ชั้นใดก็ชั้นนั้นกองโจรนักรบเวียดนามเหนือต้องครองความยิ่งใหญ่ภายในป่ามีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางนิว้วหยุดยั้งและจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเด็ดขาดอุทาหรณ์แห่งเสือร้ายกลายเป็นเครื่องเตือนสติให้เราในทหารมันสมองของหน่วยกําลังรบคิดทบทวนแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตนที่ได้กระทําไปแล้วอีกครั้งอย่างพินิจพิจารณาความผิดพลาดครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรทําไมจุดแข็งจึงกลายเป็นจุดอ่อนไปได้ต่างคนต่างคิดแล้วเก็บเอาไว้ในใจไม่มีใครปลริ ป, ปาก กราทั้งรองผาบอพลเอ่ยออกไม่ oh ครั้งสหายจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องปรับแก้แนวทางปฏิบัติใหม่เริ่มตั้งแต่ศึกษาจุดแข็งของศัตรูอย่างละเอียดว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างศึกษาจุดอ่อนของฝ่ายเราแล้วลบแก้สร้างจุดแข็งขึ้นมาแทนสายกวางสายมีแนวความคิดเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ถูกต้องและสายท่านสายนักรบของเรากระทำการห้าวหานมากไปหน่อยทุกคนมีหัวใจลุกลบกระหายใครแต่จะเข้าหาศัตรูจนลืมหลักเกณฑ์หลักการหลายๆอย่างสมควรแนะนําให้สหายนักรบทุกคนว่าต่อไปนี้ต้องปฏิบัติการด้วยความใจเย็นรอบขอบคาชี้นําของสหายกว้างแล้วกระจายมากเกินไปไม่ชี้เฉพาะผบอพันกรมทหารลาดที่๑5ทุกซังหยุดกลางคันทางๆ ท, ที่ยังพูดไม่จบรองผบอพลเหลีวไปทางนายทหารฝ่ายวางแผนและประสานงานแล้วยิงคําถามด้วยสายตา พันโทเดืองหามฝ่ายซึ่งอุตส่าห์เดินทางมาจากกองบัญชาการกองพลด้วยกันต้องออกความเห็นอีกครั้งหท่านการปฏิบัติสิ่งแรกก็คือปรับหลักนิยมทางการรบสําหรับสถานการณ์นี้เป็นการด่วนก่อนที่จะเริ่มแผนขั้นต่อไปสายชี้แนวะว่าต้องปรับอย่างไรบ้างว่ามาเลยเปลี่ยนหลักนิยมจากการเคลื่อนไหว ล, ลุกข้าหาศัตรูเป็นปักหลักอยู่กับที่คอยเป็นฝ่ายตั้งรับปล่อยให้ศัตรูเคลื่อนไหวแทนวิธีนี้เท่านั้นจึงจะมีทางพิสูจน์ทราบจุดที่ตั้งของศัตรูได้ถูกต้องสายเดือง การกระทําเช่นนี้เปรียบได้ดังเสือซุ่มรอให้เหยื่อเข้ามาเสือจะมีโอกาสเห็นเห็นตัวเหยื่อโดยเสือไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อยทั้งนี้เพราะเหยื่อต้องเคลื่อนไหวไปตามพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วสายท่านสั่งการถึงหน่วยจราญุตทุกหน่วยทั้งเวทกงและดักกงหรือหน่วยที่ฝั่งตัวอยู่กับที่ให้เตรียมมาตรการในการตั้งรับให้จงหนักส่งกําลังหน่วยจรุทธ์ทั้งหมดออกฝั่งตัวตามพื้นที่จุดต่างๆให้ทั่ว เมื่อหน่วยจรยุทธ์ใดพบศัตรูให้ทำการลบหน่วงตรึงกาลังศัตรูให้อยู่กับที่หรือทําการลบหน่วงให้ศัตรูไม่พ่าออกไปเสียก่อนแล้วส่งหน่วยจรยุทธ์ใกล้เคียงเข้าเสริมกําลังทําการโอบล้อมไว้ทุกด้านสายคิดว่าจำเป็นต้องใช้กำลังหน่วยจรยุทธกี่หน่วยต่อภารกิจสืบทอดอุดมการสลายกําลังศัตรูกลุ่มนี้ยังไม่สามารถให้คําตอบได้หรอกสายท่าน ต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถของศัตรูให้ได้เสียก่อนโดยว่าระหว่างทําการลบหนวงหรือประทับเพื่อถ่วงเวลานั้นหากสามารถเข้าบทขยี้ได้ก็จงกระทําแต่หากกระทําไม่ได้จึงจำเป็นต้องเสริมกําลังและเสริมเข้าไปจนกว่าจะแน่ใจว่าบทขยี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการตั้งรับเพื่อลบหนงเวลาคือหัวใจสําคัญของภารกิจหน่วยจัลยุตต้องถือหลักการหลักนิยมในการลบข้อนี้ให้จงหนักหากพลาดเพียงนิดเดียวโอกาสที่ประวัติศาสตร์จะสารอย่อมเกิดขึ้นทันทีนั่นคือฝ่ายสหายนักรบหน่วยจลยุธ์จะกลายเป็นถูกสลา ย, สลายเสหาายท่น ตกลงสายเดืองเราขอยึดถือปฏิบัติตามนี้ขอให้สหายนักรบทุกหน่วยรับไปสืบทอดอุดมการตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปตอนที่13 18นาฬิกาตรงเวลาตามนัดหมายเครื่องบินลตัตเวียนแบบ OV10 บลองโกเริ่มส่งเสียงคลางกระหึ่มบนน้านฟ้าเหนือแขวงอัตะปือบริเวณชายแดนรอยต่อ3ประเทศลาวขเขมรเวียดนามตายความสูงระดับหน0 0ฟุต แม้ท้องฟ้าโปร่งใสหลังเมฆฝนผ่านพ้นแต่ก็ใช่ว่าสายตาธรรมดาของมนุษย์จะมองเห็นได้มีแต่เสียงไม่เห็นตัวจึงไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของภารกิจบินครั้งนี้คืออะไรนอสตาซัมซันจากอันฟ้าชาลีผมเห็นสัญญาณแจ้งที่อยู่ของผู้คุณแล้วเสียงเรียกวิทยุชัดเจนดีไหมโอเคอันฟ้าชาลีนี่ผมซัมซๆพูดวิทยุชัดเจนดีคุณมีข่าวถึงพวกผมโดยเฉพาะไหมมีสองข่าวพร้อมรับหรือยังพร้อมว่ามาเลย ข่าวแรกจากแบ็กเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา1นึนาฬิกาสานาทีตรวจพบขบวนยานยนต์12คันยืนยันไม่ได้ว่าเป็นรถยนต์บรรทุกหรือรถถังที่บริเวณพิกัดเดลตาปาป้าสี่เจ็ดหกปดมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากจุดที่ตรวจพบขบวนยาน an, ยนต์ไปทางตะวันออกสิห้ากิโลเมตรมีที่ตั้งของค่าศึกกรมที่33าของกองพลที่224ไม่ทราบว่าระหว่าง2หน่วยนี้มีความเกี่ยวพันอะไรกันบ้างโอเคไหมโอเคข่าวต่อไปเลย ข่าวที่สองจากกองกำลังในไส้งอนแจ้งว่าทหารเวียดนามเหนือกองพลที่ห้ายยีมีแผนส่งกําลังทหารราบสองกลมรถถังหนึ่งกองพันปืนใหญ่สองกองพันเข้าโจมตีที่มั่นฐานเวียดนามใต้ในเมืองเกรงเถาในค่าวันนี้เพื่อจะใช้เป็นฐานในการขยายอิทธิพลทางทหารสําหรับปิดล้อมไส้งอนเหนือโอเคไหมโอเคอันฟ้าชาลีข่าวหลังไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับทีมงานหรือภารกิจของผมเลยบอกกองไ้งอนจอดจงส่งถึงผมหรือคุณพิจารณาเอง ผมไม่ได้พิจารณาเองหรอกแซมสันผมทําตั้งคําสั่งผู้ให้ข่าวนะ่ะข่าวนี้กองกำลังไส้งอนสั่งให้ส่งถึงคุณก็แค่นั้นเองอะไรของเขาวะตอนนี้ผมอยู่ในกัมพูชาไม่ได้อยู่ในเวียดนามใต้ภารกิจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันสักหน่อยพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ไม่รู้สิแซมสันรู้แต่ว่าค้าศึกหน่วยนี้อยู่ห่างจากที่ตั้งของคุณเพียงระยะเดินทาวันเดียวเท่านั้นจะ ก, กี่วันก็ช่างมันเปไละไเลยทงยังไงยังไงพวกในเวียดนามใต้ก็คงไม่เข้ามาปฏิบัติการในกัมพูชาหรือพวกในกัมพู ไม่แน่นะแซมซันเท่าที่ผมมีประสบการณ์และตัวเรนทาอากาศมาในระยะ 3- าสปีเนี่ยเวียดนามเหนือไม่ค่อยปากหลักติดอยู่แต่ในเขตรับผิดชอบสัเท่าไหร่หรอกบ่อยอครั้งที่หน่วยต้องส่งกำลังเข้าปฏิบัติการในเขตข้างเคียงถึงจะเป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยอื่นก็เถอะแบบเนี้เวียดนามเหนือเรียกว่าเอกภาพทางการลบยังไงเล่าหน่วยไหนยอยู่ใกล้ศัตรูก็ให้หน่วยนั้นปฏิบัติการได้เลยโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากหน่วยเหนือโอเคโอเคคุณมีอะไรแจ้งถึงผมอีกไหมนอกจากสองข่าวเนี้ยอย่าเพิ่งราคาญสึกสซมซั ถึงผมจะพูดมากไปหน่อยแต่ผมก็หวังดีนะตอบคาถามก่อนอันฟ้าชาลีโอเคก็ได้ไม่มีข่าวแล้วถ้างั้นคุณผ่านผมไปถึงสัญลักษณ์ซิผมมีเรื่องต้องรายงานอีกหลายอย่างโอเคสัน้นๆนักบินโอวีสรหัสอันฟ้าชาลีหรือเอซีวเราชอบใจอย่างอารมณ์ดีแต่ในทาหารยุทธการไม่มีโอกาสรู้เรื่องความตั้งใจของนักบินนั้นหวังใช้เสียงเป็นเพื่อนกับฝ่ายเดียวกันทางภาคพื้นเพื่อให้คลายเครียดคลายเหงาหลังจากต้องอยู่ห่างจากหน่วยแม่ หน่วยปฏิบัติการภาคพื้นไม่ต้องการจึงต้องปล่อยไปจากการผักสวิตช์เครื่องช่วยถ่ายทอดวิทยุแล้วส่งข่าวว่าพร้อมให้ทราบส่นไลน์จากแซมสันเปลี่ยนโอเคแซมสันเสียงคุณชัดเจนดีส่งข่าวได้เลยเหตุการณ์ปกติตั้งแต่ลงพื้นเข้ามาในพื้นที่จนถึงเวลาเนี้สังหาร V ีซีไปแล้วกว่า20คนเป็นหน่วยและตัเวรทั้งสิน้นให้ยแซมสันแน่นอนขนาดนั้นเชีวยวเหรอไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าทําสําเร็จไปแล้วในจํานวนนี้ไม่นับบาดเจ็บกับที่จงใจปล่อยมันให้มันคาบข่าวรายงานเหนือหัวของมัน เฮ้ย hey, จงใจปล่อยทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยพวกคุณมีแผนอะไรไม่ใช่แผนของผมโลซันไรส์แผนของนอสตาเขาอ่ะอืมงั้นแจ้งให้ผมทราบบ้างสิแผนการที่ว่านี้เป็นไงก็ได้นอสตาต้องการแหยกระให้งูตื่นฆ่าลูกเสือล่อแม่เสือใออกจากถ้าอะไรทํานองนั้นแหละผมไม่เข้าใจแล้วผู้คุณจะได้อะไรจากแผนการนี้เราต้องการรู้ว่าลังใหญ่หรือกองบัญชาการของมันอยู่ที่ไหนโอเคขอชมว่าผู้คุณตั้งความมุ่งหมายไว้ดีมากแต่ผมไม่อยากเชื่ อ, อแผนการแค่เนี้ยจะทําให้คุณสําเลตภารกิจได้ พวกคุณไม่มีแผนอย่างอื่นเลยเหรอมีสิซันไลท์นี่เป็นเพียงแผนขั้นต้นหลังจากที่เริ่มลงจากพื้นที่แล้วเท่านั้นจะมีแผนใหญ่ต่างหากว่ามาสอแผนใหญ่ใหญ่ที่ว่ามันใหญ่ยังไงโอเคซันไลท์ขอรายงานสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะคือว่า VC ีที่เนี่หน่วยจรรยุทธ์มันมีความเคลื่อนไหวมากกระจากำลังไปหน่วยเล็กๆฝังตัวในภูมิประเทศสงสัยว่าบริเวณนี้อาจเป็นที่ตั้งทางทหารอะไรที่สำคัญสักอย่างหน่วยจรยุทธ์พวกนี้คอยทำหน้าที่ป้องกัน ร, รอบนอกระยะไกล่ตามหลักนิยมของมัน ก็กองประชาการกองผลที่6กร้อยสิไงแล้วคงไม่ใช่เพียงเท่านี้หรอกสันไลผมว่ามันต้องมีมากกว่านี้แล้วคุณคิดว่ามันคืออะไรไม่ทราบยังไม่รู้เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ทราบเสก่อนสิ่งที่ผมต้องการอย่างมากก็คือการข่าวเพราะขณะนี้เราไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับข้าศึกหน่วยนี้หรือหน่วยอื่นๆในพื้นที่เลยโอเคผมจะดําเนินการให้เรื่องอาจาต้องประสานกกองกำลางังสายงอนนะอีกนานไหมไม่รู้แต่คงไม่นานหรอกโอเคแผนการขั้นต่อไปมีอะไรอีกไหมมีสิสันไล์ แผนการของเราเราต้องการกําลังหน่วยทหารขนาดใหญ่ระดับกองพันเพื่อขานำน้าจเวียนนำเหนือกองพลนี้เพื่อเร่งให้มันเปิดเผยตัวเองเร็วขึ้นเชื่อเวดนาำเหนือต้องเปลี่ยนยุทธวิธีจากการใช้หน่วยจรยุทธเล็กๆเป็นหน่วยขนาดใหญ่ปฏิบัติการเต็มรูปแบบเพื่อต่อต้านฝ่ายเราแน่นั่นหมายความว่างานพิสูจน์ทราบหรืองานโจมตีที่ตั้งกรมบัญชาการกองพลจะสําเร็จตามไปด้วยโอเคผมเชื่อใจคุณเรื่องแผนการเป็นเอาผมอนุมัติคุณจ้างรายละเอียดมาสิขอบคุณสันไ์ ผมต้องการทหารราบลาวหนึ่งกองพันหรือมากกว่าเล็กน้อยวางกำลังตรงบริเวณพิกัดที่ผมกำลังฝังตัวอยู่เดียเ๋ยวนี้พิจารณาลักษณะภูมิประเทศแล้วว่ามีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติการได้โอเคแล้วงานนี้จะให้เริ่มเมื่อไหร่เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ภารกิจของทหารราบลาวหน่วยนั้นล่ะไม่ต้องทาอะไรทั้งสิน้นนอกจากคอยยิงระวังป้องกันตัวเองเท่านั้น ผมต้องการให้ทหารราบลาวหน่วยเนี้ทำตัวเป็นก้างขวางคอเวียดนามเหนือแม่้มันเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเสรีเกินไปและในขณะเดียวกันทีมของผมจะได้ออกปฏิบัติการไปรอบๆพื้นที่หรือถ้าหากจำเป็นต้องใช้ทหารลาวทําการลบทีมงานของผมก็จะวางแผนแล้วก็ควบคุมการลบให้โอเคกรณีนี้ผมอนุมัติอันที่จริงน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่านี้อีกนะใช่ครับซานไลจะต้องปฏิบัติการทางอากาศด้วยซึ่งเรื่องนี้ขอให้ทางผมพิสูจน์ทราบเป้าหมายให้ชัดซะก่อนแล้วจะร้องขอภายหลังโอเคผมเห็นด้วยขอบคุณมีอย่างอื่นต่อไปไหม หมดแล้วครับทางซานไลมีอะไรสั่งพิเศษถึงผมหรือเปล่ามี ส, มสิแซมซันนี่ไม่ใช่คำสั่งหรอกนะะเป็นคำแนะนำว่ามาเลยในพื้นที่รอยต่อ3าประเทศนะั้นน่ะผมไม่อยากให้ผู้คุณใช้กระสุนแก๊สพิษนะพูดแค่นี้คุณเข้าใจความประสงค์หรือข้อกังวลของผมไหม อ๋อเข้าใจครับสไลด์ว่าไม่อยากให้กองกาลังไส้งอนรู้เรื่องนี้เพราะหากทีมงานของผมมาทําลงไปฝ่ายคอมมินิสต์ต้องกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของไส้งยนต์แน่นั่นก็หมายความว่าไส้งอนรู้ทันทีว่ากองกาลังเวียงจันทร์การลบแบบและเมิดสันติสัญญาเจนีวาสุดท้ายเรื่องก็ต้องไปแดงที่วอชิงตันใช่ไหมครับถูกต้องแซมสันคุณเข้าใจถูกแล้ว สำหรับอาวุธอย่างอื่นแม้แต่บิ๊กบอมเบอร์เอฟไฝ่เตจำนวนเท่าไหร่ผมสนับสนุนให้ได้ทั้งนั้นแม้แต่หน่วยรถพิเศษกลินเบลเล่สักกองพันหรือ2องกองพันผมก็ให้ได้เพราะเรื่องเหล่านี้อยู่ในกติกาที่วชิงการกําหนดโอเคไหมโอเคครับเรื่องต่อไปเลยครับเรื่องต่อไปอะไรร่ะผมอยากให้ทีมงานของคุณผ่าน VC หน่วยจรยุทธ์ไปบ้างทิ้งป่าเล็กเราไปหาป่าใหญ่ทิ้งข้าศึกเพิง4คน8คนเราไปค้นหาที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่ของมัน อย่าลืมว่าผอาผลเพียงคนเดียวมีค่ากว่าหน่วยจรยุทธตเล็กๆมากมายหลายเท่าภารกิจของเราคือทำลายที่ตั้งกองบัญชาการกองผลที่612ในพื้นที่รอยต่อ3ประเทศนี้ให้ได้คุณอย่าลืมนะโอเคซันไลท์ผมกับนอสตาจะทบทวนแผน ง, งานกันอีกครั้งดีมากสัส้นผมมีข้อห่งใหญ่เท่านี้แหละถ้าทางคุณไม่มีอะไรเพิ่มเติมคิดว่าเราน่าจะสแตนบายได้แล้วนะยังไงยังไงอย่าลืมเรียกหาผมทุก12ชั่วโมงตามนัดด้วยกั น, กนโอเคซันไลท์สแตนบาย พันตรีโรเจอร์ลังหับวิทยุกับพันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่กองกําลังนักบินอันฟ้าชาลีรู้ได้ด้วยเครื่องฟังของตัวเองส่งข่าวอาํานาน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นพอเป็นมารยาทแล้วบินจากไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู่อุบลแอร์เบสในประเทศไทยจ่าดาวเนอรับฟังและทราบรายละเอียดการปฏิบัติการต่างๆจากเครื่องวิทยุประจําตัวไม่ต้องเสียเวลาชี้แจงอีกนอสตาคุณคิดยังไงกับข้อห่วงใยงของเคอร์เนลเฉยๆครับเพราะถึงอย่างไรเราก็ต้องเล่นเกมตามนั้นอยู่แล้วหมายความว่าไง ใช่ครับเมเจอร์คืนเรายังหลงเพลินเล่นเกมกับหนวดจรายุติต่อไปอ่ะมีหวังเข้าไปติดกับดักกองพล612นี่แน่ลูกไม้ตื้นๆอ่ะเมเจอร์โนสตาอย่าตกใจซิเมเจอร์อย่าตกใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรลึกซึ้งหรือว่าพลิกแปลงจนน่าสนใจประกรณีพิเศ ษ, ษ, ษ, ษเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคหมายความว่าเราจะยุติแผนแวกย่ายให้งูตื่นแล้วมุ่งหน้าเข้าหาที่ตั้งกรมประชาการกองพลเลยใช่ไหมก็ทำนอง น, นั้นแหละเมเจอร์ถ้าไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือสถานการณ์แทรกซ้อนอย่างอื่นมาวอแวร์จนทำให้เหมือนถูกบังคับนนะะคุณแจ้้งรายยยลเออีดดหได่ไห คืองี้ก็เมเจอร์ขนาดเนี้ยงูในแผนอะตื่นกระเจิงไปหมดแล้วถ้าเวียดนามเหนือเป็นเวียดนามเหนือจริงไม่ใช่เวียดนามเหนือตัวปลอมแล้วก็ผมมั่นใจว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนการลบสําหรับรับมือพวกเราแล้วนั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนแผนด้วยใช่ไหมครับเมเจอร์คุณคิดว่าเวียดนามเหนือเปลี่ยนแผนยังไงแล้วเราต้องเปลี่ยนแบบไหนนี่แหละครับเมเจอร์คือสิ่งที่ผมกํกลาลังคิดหนักเราก็เชื่อได้ว่างานเนี้ยระหว่างกองพลหกรกับเราใครคิดได้ก่อนคนนั้นมีโอกาสชนะใครคิดไม่ได้หรือคิดได้ทีหลังก็มีหวังกลับบ้าานเก่ นอสตาตอนที่14พันตรีโรเจอร์ทําสีหน้าเหมือนคนเพิ่งถึงบางอ่อต่อปัญหาง่ายๆขึ้นมาทันทีแม้ไม่กระจ่างแจ้งนักแต่ก็พอจับเขาโครงบางอย่างจนเห็นภาพเล่าๆได้บ้างนี่คือทฤษฎีประจําตัวของนักรบรับจ้างที่ว่าสถานการณ์คือตัวกาหนดแผนการปฏิบัติและสถานการณ์คือตัวบ่งชี้ว่าแผนการต่างๆควรได้รับการปรับแก้อย่างไรถ้าทางคําพูดคําจาของจา่งจาดาวเหนือเมื่อดูผิวเผินจะภายนอก อาจ บ, บอกว่าภายในมิตรความสบายใจทุกอย่างล้วนโปร่งใสแต่ครั้นพินิษฐให้ลึกๆสังเกตให้ถึงกันใจโดยเฉพาะแววตานั้นฉายความวิตกกังวลออกมายังเห็นได้ชัดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกจนไม่กล้าตัดสินใจชี้ขาดในท่าหัยุทธการกําลังจะเ อ, อ่ยปากถามพอดีเสียงเลขวิทยุดังขึ้นพี่ไอ้แก้วหนุ่ยจระยุสี่คนจ่าดาวเหนือลักษัยตาจากอาการเพ่งอย่างไร้ขอบเขตไปทางขอบเข่าไกลโพลน เราค่อยๆบรรจงดึงไอคอมจากซอกไหล่กรอกเสียงเบาๆลงไปรายละเอียดสินบครับพี่สี่คนกําลังงูไปทางตอนออกเส้นทางเดินห่างผมเราสองร้อยเมตรอาวุธอาก่าย่างเดียวท่าทางต้องมาระวังตัวมากมันพยายามสอดส่ายสายตาค้นหาสิ่งผิดปกติตลอดเวลาทั้งสี่คนมองหาร่องรอยตามพื้นทางเดินด้วยครับพี่แน่ใจเนามีแค่สี่คนที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้กับระจันสุดระยะกล้องแรงผมว่ามีแค่นี้ครับพี่ โอเคระวังไอ้สี่ตัวนี้จะเป็นส่วนล่าตะเวนหน้าเป็นตัวล่อให้เราเปิดฉากการยิงแล้วอีกสี่ร้อยคนจะโผล่ตามมาทีหลังโอ้โหสี่ร้อยเลยเหรอพี่เวอร์เมั้งเดี๋ยวมึงก็รู้เวอร์ไม่เวอร์โอเค okay, จับตาดูไว้เฉยๆไม่ต้องทำะไรมันครับพี่เสียงไอ้นพดังแผ่วๆด้วยความรู้สึกเสียดายที่ไม่มีคำสั่งให้จัดการ ทำให้สี่เวทกงนี้มีอันเป็นปลายตามเพื่อนชุดก่อนอยากเสนอแนวหัวหน้าทีมว่างานนี้รับรองไม่มีพลาดแต่ก็สู้เงียบไวเพราะเชื่อว่าหากประสงค์เช่นนั้นก็คงสั่งการมาแล้วไม่ใช่แต่ไอน้นพกับไ อ, พอ้พรคู่บัดดี้เท่านั้นที่งงๆต่อการเว้นชีวิตเวทกงทีมงานคนอื่นที่รับฟังเหตุการณ์จวิทยุประจาตัวก็พลอยเป็นไปด้วยพนเสียงวิทยุก็ดังขึ้นอีกนอตาจากแซมอนโอเคซมอนว่ามันเลย v ีซคนอ k ค้าหกอพีจีสองกำลังเดินตรงมาหาผมระยะห่างขนาดนี้เรา500เมตรเอาไงดีระยะห่างทั้งครึ่งกิโลเมตรสมอนรู้ได้ไงว่า VC ีเดินเข้าหาตรงนี้เป็นช่องทางบังคับเส้นทางเดินล้อเลื้ยป่าทึบถ้ามันคิดแปลกป่าเดินมันคงมุดเข้าไปนานแล้วถ้าทางราต้อระวังมากมีการค้นหาร่องรอยตามพื้นทางเดินด้วยโอเคสงสัยจะเป็นชุดเดียวกับชุดทางฝั่งตะวันออกสมอนมีทางเลือกอย่างอื่นไหมทางเลือกอะไรล่ะฆ่าหรือไม่ฆ่าอย่างนั้นใช่ไหมทางเลือกแบบไม่ฆ่ามีทางทําได้ไหม เฮ้ hey, ทำไมคุณถามอีเดียดอยังงั้นล่ะการไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ง่ายกว่าต้องทำนะไม่แน่เสมอไปหรอกแซลมอนภาษิตจีนสอนไว้ว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันแล้วมันจะฆ่าเราแต่ถ้าเราฆ่ามันมันก็จะไม่ฆ่าเราไม่เข้าใจอะนอะสตาเคครื <ๆ S 1> กอกว่านี้ได้ไหมผมว่าสั่งการมาเลยดีกว่าจะเอาไงแน่ระยะเป้าหมายใกล้เข้ามามากแล้วนะโอเคงั้นเลือกวิธีไม่ฆ่าเซลมอนผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเพราะเวลาน้อยเสร็จแล้วผมจะเคลียร์ให้ฟัง จ่าแซมนิโครตัวดำอยากสบดดงังๆแต่ทําไม่ได้ทำกลางความสงสัยนั้นจำเป็นต้องสั่งการลูกทีมให้ปฏิบัติตามแผนของจ่าดาวเหนือไปก่อนเรียวมะศบตาพันตรีคอรลินเห็นทําหน้าเฉยๆล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจหนักยิ่งขึ้นอาจเป็นเพราะความคุ้นเคยระหว่างกันมีอยู่มากจึงรู้ว่านักรบหลับจ้างมีแผนการอะไรเก็บความกังขาไว้ในใจเราหันไปบงการลูกทีมให้หาแรงวางตัวใหม่เน้นเรื่องการพลางและกำบังให้มากเพราะงานนี้จะไม่มีการยิง จาด้าเหนือสั่งการถึงทีมงานเซลมอนเสร็จพันตรีโรเจอร์ได้จังหวะจึงถามถึงเหตุผลของการเว้นชีวิตฆ่าศึกในครั้งนี้นอสตานี่คือแผนเล่นเกมใหม่ใช่ไหมใช่ครับเมเจอร์ยังไม่แน่ใจนะหองนะว่าจะได้ผลหรือเปล่าได้ผลได้ผลในแง่ไหนละ่ะในแง่ของการลวงพรางครับเมเจอร์ลวงพรางยังไงผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าเรากําลังดําเนินแผนลวงว่าที่นี่ในพื้นที่นี้บริเวณนี้ไม่มีชุดปฏิบัติการของเราอยู่สิครับโอเคไอซี okay, ข้อนี้ผมเข้าใจแล้วแล้วแผนการต่อไปล่ะ ความจริงแผนการต่อไปก็ยังไม่มีหรอกครับแต่ที่เราเล่นแผนรวมแบบนี้ก็เพื่อเบนความสนใจ VC ให้เลิกสนใจเราหาไม่แล้วผมว่ากองพลที่612คงต้องส่งมาเล่งล่าเราเป็นการยกใหญ่เราต้องเสียเวลามาเผชิญหน้ากับหน่วยจรยุทธ์พวกนี้กระทั่งเสียแผนงานใหญ่ตามภารกิจอืมเราจะเล้าเว้นไม่ประธากับหน่วยจริยุทธ์นี่อีกนานไหมไม่รู้ครับต้องแล้วแต่สถานการณ์คุณจะใช้โอกาสแม่ประทานนี้ค้นหาหรือว่าพิสูจน์ทราบที่ตั้งกรมประชาการของมันอย่างไร ผมคิดว่าถ้าเราศึกษาแนวทางการวางกําลังหน่วยจรยุทธจ์จนเข้าใจแล้วบางทีเราอาจเห็นช่องทางไปสู่บกกใหญ่ของมันได้ผมยังมองไม่เห็นทางเลยว่าเป็นไปได้เป็นไปได้สิครับเมเจอร์ Major. เพราะงานนี้นอกจากไม่ประทัดแล้วต้องมีการแกะรอยด้วยหน่วยจรยุทธ์มาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นวันยังคําเพื่อกลับไปรายงานผลงานให้นายเหนือหัวของมันไงเล่าแล้วถ้าพวกมันฝังตัวอยู่ในพื้นที่นานๆครบ7วันแล้วค่อยไปรายงานบกกล่ะเราไม่ความแย่เหรอหรือวคุณคิดจะฝังตัวแข่งกับมัน มันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกโรเจอร์เพราะผมเองก็ไม่ชอบอะไรที่มันยาวนานเกินไปนักผมว่านะบางทีอนาคตข้างหน้า VC นั่นแหละจะเป็นคนบอกเราเองว่าต้องทำอย่างไรบ้างพันตรีโรเจอร์หัวเราขึ้นมาทันทีไม่ได้ยินคำพูดแบบเดิมๆ เ, เริ่มสงสัยมากมายถามตอบกันเสียเวลายืดยาวลงท้ายด้วยคำตอบสั้นๆแล้วแต่อนาคตอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็แค่นี้เอง เหลือบสายตามองหน้านักลบลับจ้างแล้วสรุปเองในใจนักลบหลับจ้างจอมปริศนาคนนี้ไม่เคยละเลิกนิสัยที่ชอบทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเสียทีคําพูดว่าไม่มีอะไรแต่ในใจนั้นเต็มไปด้วยข้อห่วงใหยกังวลเสียงวิทยุของไ้นพดังขึ้นขัดจังหวะทาให้จ่าดาวเหนือรีกเรื่องการตอบคําถามชนิดคาดการไปได้พี่ไอ้แก้วเออนะรู้แล้วว่ามาสิไอ้สี่คนนี้หยุดขบวนเดินแล้วสงสัยรอยแปคนของซลมอนก็ใช่สิวะยกมือไหว้มันหรือยัง โถพี่ไม่มีคําแนะนําให้ทําอย่างอื่นบ้างเลยเหรอแนะนําอย่างอื่นเละเหรอไม่มีละ ว, ว่ะนอกจากจับตาดูไว้เท่านั้นการดูนี่ก็ต้องดูให้ได้เรื่องได้ราวด้วยนะเว้ยสังเกตว่ามันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วแก้งทําเป็นไม่รู้หรือเปล่าเล่เหลี่ยมแบบนี้แก้วถนัดนักหนึ่งมึงครับพี่รับรองไม่พลาดแต่ถ้ามีแววว่ามาันรู้แล้วแต่แก้งทําไม่รู้อย่างที่พี่ว่าล่ะเอา้าไอ้เปรตเสกถามโง่ๆจ่าดาวเหนือพูดกลัวหัวราอทิ้งท้ายคําตอบไว้แบบรู้กันแล้วกรอกเสียงลงบนไอคอนประจําตัวอีกครั้ง เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราจับตาดูสถานการณ์ดีๆนะช่วงบ่ายจะ จ, จัดถึงก่อนค่ำวันนี้อาจจะมีอะไรพิลึกพิลึกออกับมาให้ดูเล่นก็ได้อย่าเพิ่ลับเชิญนะมึงหลายคนไม่เข้าใจความหมายของคำเตือนนี้ซูงเงียบรอฟังหวังว่าคงจะมีรายละเอียดตามมาภายหลังครั้นเห็นเนิ่นนานจนผิดปกติไอ้เล็กเก็บความสงสัยไม่ไหวจึงต้องโพ้งถามพี่ว่ามาให้รายละเอียดหน่อยสิที่ว่าพิลึกพิลึกกับมาอะไรกันหน้าโถ่ไอ้ห้าร้อยกูกําลังเปิดดิกเชนเนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษทางการถึงแซลมอนไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้กับเขาเลยนะมึง ออพี่ก็เห็นมา น, นานผิดปกตินี่น่ะเออเงินยฟังทางนี้ทุกคนนั่นแหละถ้าขอย้ําคําว่าท่านะเว้ยท่าแกวรู้ตัวเราฝังตัวอยู่บนยอดเนินลูกนี้เราแก้งทําเป็นไข่สือ่อไม่รู้ไม่ชี้ทาใจดีสู้เสือซะ ง, งั้นแหละแอบส่งกําลังเข้ามาวางล้อมเนินลูกนี้ไว้รอจนกระทั่งครบทุกด้านเราค่อยเปิดฉากโจมตีกูมหมายถึงลูกไม้แกวหนะ่อเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจเจ๋งเป้งเลยพี่แล้วถ้ามันคิดปิดล้อมเราจริงๆเราต้องได้งานมันก่อนเลยใช่ไหมพี่หรือว่าจะให้ปล่อยมันอีกล่ะ ยังไม่ออกคาสั่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตีความเองไอ้เล็กต้องรีบรดวิทยุลงรู้ตัวดีว่าคืนพูดแบบไม่คิดก่อนออกไปอีกมิหวังทูกด่าเสียคนแน่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ไหวถูกไอชาติเพื่อนคู่บัดดีห้หวล้อใส่จนได้พันตรีโรเจอร์เข้าใจในคําสั่งทุกขั้นตอนแต่เพื่อให้หายกังขาจึงต้องถามอีกครั้งนอสตาอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าวีซกลุ่มนี้อาจลวงเราอ๋อง่ายนิดเดียวครัเมเจอร์ข้อแรกที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือ ทำไมมันถึงไม่ขึ้นมาใช้ยอดเนินเป็นบริเวณฝังตัวทั้งๆ ท, ท, ที่บนนี้มีมุมตรวจการระบบการพรางตามธรรมชาติเส้นทางเข้าออกภูมิประเทศเหมาะแก่การป้องกันที่ตัง้งกับอีกหลายๆอย่างล้วนแต่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการทางทหารทั้งสิน้นข้อ2จุดวางตัว VC ตอนนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งในขณะเดียวกันจุดของคนของเรามีแหล่งกำบังอย่างดีสามารถตรวจการชุดที่มันวางตัวได้ผมว่า VC คงเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างภูมิประเทศสองจุดนี้ไม่ออกหรอก ในทางกับการผมว่ามันเจตนาทําให้เห็นซะมากกว่าระยะห่างขนาดนี้ได้เกิดระยะยิงหวงผลของ M16 เรออาก้าด้วยก็เลยถือโอกาสเลี่ยงแล้วข้อสามเส้นทางมาของ VC มันทับเส้นเดิมของเรามันอาจค้นพบร่องรอยบางอย่างก็ได้ข้อสี่ถ้าทั้งสามข้อนี้เป็นจริงแล้วผมเป็น VC นะผมก็ต้องทําอย่างนี้อืมเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างมากๆด้วยนะสตาร์โอเคถ้ามันเป็นอย่างที่คุณว่ามันก็ต้องเข้ามาเกาะติดเราไว้เรากําลังส่วนใหญ่เดินทางมาจึงจะเริ่มเปิดฉากโจมตีใช่ไหม ถูกต้องครับเมเจอร์ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เว้นเสียแต่เว้นเสียแต่ไรนอสตาไม่โจมตีด้วยอาวุธโดยตรงแต่ปิดล้อมไว้อย่างแน่นหนาตัดขาดแล้วจากหน่วยสนับสนุนโดดเดี่ยวจนกระทั่งเราอ่อนล้าไปเองแบบนี้มันก็ต้องใช้กําลังมากหน่อยนะแน่นอนเมเจอร์ถึงต้องใช้กําลังลบทั้งกองพลผมว่าเวียดนามเหนือมันก็กล้าลงทุนนะครับเฮ้ย hey, ขนาดนั้นเฉลอถ้าเช่นนั้นนะก่อนที่มันจะปิดล้อมได้สาเร็จเราก็ขอปืนใหญ่ดอกันเนอร์สปุ ก, กี้ทําการยิงถล่มเปิดแนวปิดล้อมซะเลยสิมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเมเจอร์ ถ้าการปิดล้อมเข้ามาจนชิดการยิงสนับสนุนอาจทำไม่ได้เพราะอันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันเป็นอุปสรรคอืผมลืมข้อนี้สนิทเลยโอเคไอซีพันตรีเมริการผ่านสายตาจากนักลบรับจ้างไปทางแมกไมายด้านทิศเหนือที่เพิ่งเดินผ่านมาอย่างตั้งใจพ้อมกับที่ความคิดบางอย่างปรากฏขึ้นในสมองถ้าสถานการณ์ถึงขั้นถูกปิดล้อมจริงตนควรแก้เกมนี้อย่างไรภาพเหล่าเวียดกงดักกงโฮมทะลวงบุกด้วยการลบประชิดชีวิตต่อชีวิตเข้าแลกการชนิดหนึ่งต่อหนึ่งนั้น ฝ่ายตนมีเพลง26หรือจะทานพลังขึ้นมนุษย์อย่างเวียดนามเหนือได้ยิ่งคิดก็ยิ่งสถานทรงเสียงร้องเบือออกมาดังดังตอนที่15จาดาวเหนือ ย, ยิ้มน้อยๆบนใบหน้าขัอาการทำเสียงประหลาดๆของพันตรีโรเจอร์กาลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือผิดสำแดงด้วยเรื่องอันใดพอดีเสียงวิทยุจ้าจาแสมดังขึ้นมาเสียก่อนนอสตาจากแซลมอนเปลี่ยนโอเคว่ามาเลยแซมอน วีซีแคนนั้นหายไปทางไน็ไอตไปพรแล้วโอเคเดี๋ยวสองคนนั้นก็คงเห็นว่าแต่เรื่องให้จับตาดูวีซีกลุ่มใหม่มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาหรอกน็อตตาแต่ผมกําลังจะรายงานคุณว่าคาดการของคุณนะปรากฏความจริงขึ้นมาแล้วโอ้โหคุณนี้พูดมั่นอย่างกับตาเห็นเลยนะรายละเอียดเลยดีกว่าแซอมอนเสียเวลาโอเคก็ได้วีซีกลุ่มใหม่ประมาณ1 5บหถึงยีคนยุดขบวนเดินเตรียมหาพื้นที่ฝั่งตัวห่างจาผมไปทั้ง11บเนากา ร, ระยะ750เมตร อาวุธอากาตาร์พจระเบิดสังหารตอนเนี้ยผมเห็นสองคนกําลังแขวนไปโยนแบบที่ทหารเมริกันใช้สงสัยว่าตั้งใจจะนอนพักบริเวณ น, นั้นน่ะนอสตาลักษณะภูมิประเทศละ่ะ ป, าป่าโปร่งไม้ใหญ่ขึ้นปรปลายห่างบ้างชิดบ้างตามธรรมชาติมีไม้พุ่มขึ้นห่างๆมีทั้งพุ่มเล็กพุ่มใหญ่ไม่มีแหล่งกําบังอย่างอื่นนอกจากคนต้นไม้เส้นทางเข้าออกรอบตัวมุมตรวจการจากจุดนั้นไปรอบๆตัวดีมากมุมตรวจการที่ว่าหมายถึงจากบริเวณ น, นั้นมาอย่างที่ตั้งของแซลมอนด้วยใช่ไหม ถูกต้องเรามองเห็นมันชัดมันก็ต้องเห็นเราด้วยจำไกลก็แต่ระยะไ ก, กาลเราใช้กล้องขยายแต่มันมองด้วยตาเปล่าคงยากหน่อยเท่านั้นแหละซมมอนสามารถตรวจเห็น VC ได้ทั้งหมดทุกคนไหมหมายความว่าถ้ามันสักคนแอบออกมาจากบริเวณนั้นเล็ดรอดเข้ามาหาเราเพอมีทางทําได้ไหมมีทางมีทางร้อซภูมิประเทศแบบนี้ถ้าเป็นผมผมทําได้นะ่าโอเคถ้างั้นแซมมอนเตรียมป้องกันเรื่องนี้ไว้ให้ดีอย่าให้หลุดสายตาเป็นนันขาดเชียว ถ้าเชื่อคาดการของผมแล้วก็ขอยเชื่ออีกอย่างเถอะว่าไอ้พวกเนี้มันเล่นงานเราแน่โอเคชัวขอ์อยวางใจผมรับรองไอ้กแก้พวกนี้ไม่มีทางได้ทันเห็นหน้าผมหรอกมันต้องตายก่อนหนะ้าว่าแต่ถ้ามันเล็ดรอดเข้ามาผมควรสังหารมันเลยไหมกรณีนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะซมมอนถ้ามันบีบบังคับเราจนเกินไปก็สมควรสนองศรัทธาแต่ถ้าเรายังมีทางเลือกอื่นค่อยว่ากันใหม่หมายความว่าไงบีบบังคับหรือทางเลือกใหม่ บีบังคับก็หมายความว่ามันเข้ามาต้องกลา ว, วันแ ส, แสกแสงสว่างแจ้งแดงแจ๋แจอย่างเดี๋ยวนี้สิแบบนี้ถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็ต้องฆ่าเราเพราะต่างก็เจอหน้ากันแล้วนี่ส่วนทางเลือกอื่นก็หมายถึงถ้ามันมืดแล้วมันไม่เห็นเราแต่เราเห็นมันแบบนี้เราอาจจะเปิดทางให้มันแค่นี้เองแซลมอนมีอะไรสงสัยไหมโอเคเรื่องนี้ผมเข้าใจละส่วนที่คุณถามว่ามีอะไรสงสัยอีกไหมผมมีเรื่องอยากถามคุณมากมายเลยนะแต่เพิ่งถามตอนนี้เลยเรอไว้ให้มีโอกาสมาเมาค่อยถามดีกว่า เอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมยินดีปฏิบัติตามคําสั่งตามแผนของคุณก็แล้วกันโอเคไหมโอเคซลมอนดีแล้วผ่านเรื่องนี้ไปก่อนสแตนบายนักลบลับจ้างหัวล้อหืดในลําคอกําลังจะหันมาสอบถามบางเรื่องจากพันตรีโรเจอร์พอดีเสียงเรียกวิทยุอธิชาดังมาเสียงก่อนคือไอแก้วแปดคนทั้งที่7จ็นาฬิกาของผมระยะห่าง5้ารอห้าสิเมตรอาวุธอาฆาตรพจทุกอย่างเหมือนชุดของแซลมอนเปียบขอทราบการปฏิบัติด่วนทาไมต้องขอทราบแนวทางปฏิบัติด้วยวะ ไหนว่าเหมือนชุดแซลมอนทุกอย่างไงไอ้แก้วมันเหมือนไม่ใช่ผมเหมือนพี่มันก็เพลงเดียวกันนั่นแหละจับตาดูเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรมันทั้งนั้นเว้นแต่ว่ามันเอาปากกระบอกปืนมาเจาะกบานมึงนั่นแหละเขาคิดตอบโต้มันอ๋อเจาะกบาลอย่างเดียวไม่พอเว้ยต้องร้อยมันกดไกด้วยให้มันส่งกระสุนตัดสมองโง่ๆของมึงออกไปซะก่อนแค่นี้เข้าใจไหมอะไรวะเงงนะพี่โถยกลัวตอนหลอกเด็กพาณิชกูไม่เห็นมึงโง่อย่างนี้เลยวะมันคนละเรื่องกันพี่นี่มันไอ้แก้วนั่นมันเอาละมึงไม่ต้องพูดมาก ทุกคนทุกชุดฟังให้ดีสงสัยคืนนี้หรืออาจจะก่อนค่ำกระไดแก้วถ ล, มล่มเราแน่ตอนนี้มันวางกำลังล้อมเราเป็นรูป3มแฉกตาเบนแล้วขั้นต่อไปก็คือขยายแนววางตัวเป็นหน้ากระดานโจมตีถึงเวลาสถานการณ์ตอนนั้นความยุ่งยากจะมากแค่ไหนก็คิดเอาเองเพราะฉะนั้นระหว่างรอเวลาเนี่ยคอยทุกคนเตรียมช่องทางแหวกวงล้อมเอาไว้งานนี้เราต้องซอนแผนมันสร้างเกมใหม่ขึ้นมาให้ใหมันงงเล่นหรือมันกรซิร์กินไปเลยเตรียมกบเกินร่องรอยทุกอย่างอย่าให้มันเอาไปใช้ประโยชน์ออกแกะรอยตามหลังเราได้เป็นอันขาดโอเคไหม เส้นทางแหวกวงล้อมจุดนัดพบเหตุการณ์ขับขันแล้วพี่โอเคเส้นทางแหวกวงล้อมหน้าใครหน้ามันจุดนัดพบเอาที่สิบสองนาฬกาของแซลมอนห่างออกไปสามพันเมตรสถานการณ์ขับขันท้ายแก้วจับต่ายได้ว่าเรากาลังแหวกวงล้อมต้องเผชิญหน้ากันขึ้นมาจริงๆ จ, จ, จะต้องมีการตายเกิดขึ้นข้อนี้ไม่ต้องกําหนดนะว่าใครควรสังหารใครรู้ว่าไงชาติขคะครับพี่เรื่องขอสถานการณ์ขับขันจริงเถอะยัวเยี่ยเป็นฝูงมดฝูงพวกอย่างนี้ยิงเล่นมันชิบหายแมึงเอ้ ไอชาดยามใจขนาดสะบดออกมาดังๆทางอากาศได้ยินกันทั่วแนวพันตรีโรเจอร์สั่งการข้อความแนวเดียวกันนั้นถึงทีมงานแซลมอนเมื่อไม่มีเสียงตอบหรือคําถามจากผู้ใดอีกก็ถือว่าทุกคนเข้าใจจ่าดาวเหนือใช้เวลาระหว่างรอสถานการณ์ด้วยการโล้มแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออกมากลางแผ่เพื่อศึกษารายละเอียดภูมิประเทศ ร, รอบๆนอสตาคุมกำลังหาช่องทางแหวกวงล้อมใช่ไหมไม่ใช่หรอกเมเยอร์ช่องทางที่ว่านั้นอ่ะมันมีออกเยอะแยะไปทางไหนก็ได้ เอาตัวคุณกําลังค้นหารายละเอียดอะไรจะแผนที่ที่ตั้งฐานยิงคอฐานยิงปลรศหรือแม้แต่ปืนใหญ่รถถังหรือไม่ก็อย่างอื่นทวีตนามเหนือมันมีต่อเป้าหมายยอดเนินลูกนี้น่ะเหรอใช่ครับไม่เจอผมชักไม่แน่ใจว่าตอนเนี้กองพลที่662พิสูจน์ทราบที่ตั้งของเราได้แล้วหรือยังคิดว่าถ้าพิสูจน์ทราบได้แล้วมันคงเตรียมเครื่องบินนาการชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในอัตราสําหรับประเคนให้กับเราแน่ศัตรูแค่26คนกองพล662ยอมลงทุนขนาดนั้นชริงเหรอ ข้อนี้มันกำหนดไม่ได้หรอกเมเจอ์ถึงยังไงเราก็ไม่ควรประมาทค่าศึกประมาณการให้อเวอร์เข้าไว้พวกเราจะได้ระวังตัวไงครับโอเคไอซี okay, ผมเห็นด้วยนะกับกรณีคนของเราส่วนข้อที่จริงอะ่ะผมว่ากองพลที่หก2้อสิบสองอ่ะผมไม่คิดว่าศัตรูแค่นี้จะมีความสำคัญขนาดนั้นหรอกเออผมสงสัยอย่างนะั้นนอสตาไม่รู้จะคิดอย่างผมไหมเมเจอร์ Major, ว่ามาสิครับ ผมว่าที่ตั้งวีซีที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นที่ตั้งลวงก็ได้ลวงไว้ก่อนว่ามีแผนใช้บริเวณนะั้นเป็นฐานฝั่งตัวรอกระทั่งมืดแล้วค่อยเข้าฐานฝั่งตัวจริงหนึ่งที่เราเคยทําไงก็ห้าสิบห้าสิบคอเมเจอร์ลวงหรือจริงยังไงยังไงลงท้ายมันก็ต้องขึ้นมาที่นี่ไม่ใช่เหรออืมมันก็จริงของคุณนะจะแตกต่างกันบ้างตอนเคลื่อนย้ายเข้ามาเท่านั้นเคลื่อนที่แบบรู้มีศัตรูนอนอยู่กับไม่มีศัตรูโอเคงั้นเอาตามคุณว่าก็แล้วกัน ทั้งสองสบตากันและหัว้อาให้กันอย่างซาบซึ้งใจอดีตที่ผ่านมาทั้งในสมรภูมิรบและในที่ตั้งปกตินกรบสองสัญชาติไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆระหว่างกันการทบเสียงตั้งล้วนทําเพื่อภารกิจมิใช่เพื่อเอาชนะต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ถือเราถือเขาไม่ดูถูกเหยียดหยามว่านั่นคือคนเอเชียชนชาติต่ําต้อยนี่คือคนอเมริกันชนชาติสีวิไลทุกครั้งมากว่ากันด้วยเหตุผลภายใต้การเคารบให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีทั้งพันตรีทั้งจ่าสิบเอก ต่างทำหน้าที่หัวหน้าซึ่งต้องรับผิดชอบทีมงานและภารกิจด้วยจิตสํานึกด้วยวิญญาณแห่งนักรบและด้วยวิสัยของลูกผู้ชายจา่าดาวเหนือหันกลับมาสนใจรายละเอียดบนแผนที่ระหว่างเดิมอีกครั้งทําเครื่องหมายบางอย่างลงบนจุดสําคัญสําคัญสามจุดร้องเหงืนหน่อนาขึ้นทอดสายตายาวไปทางทิศนั้นเพ่งพิจารณาภูมิประเทศยอย่างครุ่นคิดเหมือนอยากให้มันติดอยู่ในความทรงจําโดยไม่มีการคาดเคลื่อนแม้แต่พุ่มหญ้าพิงกอเดียวมเมเจอร์ครับ ถ้าเราสองคนจะแหวกวงล้อมออกไปตามช่องทางต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีไม้พุ่มช่วยบังอีกทีหนึ่งขยับไปทีละช่วงทีละช่วงซิกแซกซ้ายขวารบตามต้นอย่างกับต้นมะข่าเนี่ยไปถึงแนวพยุงนูนไม่เชื่อว่าไหวไหมครับ พันตรีโรเจอร์มองตามคำบอกประกอบมือชี้โดยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้ทิศทางแหวกวงล้อมตรงหน้าเหมือนกับที่สั่งลูกทีมคนอื่นๆทั้ทงๆ ท, ที่มีแหล่งกำบงังคอยอำนวยความสะดวกแต่กลับออกเฉียงสายห่างจากแนวเดิมมากไปโดยความเชื่อมั่นว่าน่าจะมีเหตุผลบางอย่างแฝงอยู่จึงยังไม่ถามย้อนแล้วออกความเห็นส่วนตัวทันทีไหวสินอสตาที่ยังไงไงถ้าขับขันลูฟี่มันบีบบังคับเราจริงเราก็ต้องเล่นเกมแบบไอชาตินั่นแหละ ไม่ใช่อย่างนั้นครับเมเจอร์ Major. ผมกำลังเดาใจ VC ว่าระหว่างช่องทางที่มีแหล่งกำบังพุ่มไม้กับช่องทางที่มีแหล่งกำบังต้นไม้ใหญ่มันควรเลือกใช้ช่องทางไหนต่างหากโ okay, อเคไอซมผมจะไม่เดาใจมันอย่างคุณนะแต่จะใช้เหตุผลของเราเป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงครับ เปรียบเทียบความสามารถในการมองเห็นตอนกลางคืนระหว่าง VC กับเราว่าถ้าเราใช้ช่องทางไม้ใหญ่แนวนี้ไม่มีสิ่งกำ บ, บังสายตากล้องเล็งเราสามารถตรวจภูมิประเทศได้แต่ในพุ่มไม้ขนาดที่ VC เคลื่อนตัวช้าๆเราจะพบปัญหาแยกแยะไม่ออกว่าตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นเงาไม้พุ่มโอเคถ้า VC มันใช้เส้นทางพุ่มไม้แล้วเราไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเราเหมือนกันเพราะเดินคนระเส้นทางแต่ถ้าเราเดินในแนวไม้ใหญ่เรามีโอกาสเห็น VC แต่วีซีไม่เห็นเราเพราะความมืดเพราะฉะนั้นผมว่าใช้ช่องทางไม้ใหญ่เป็นดีที่สุด โอเคงั้นเอาตามไอเดียเมเจอร์เดี๋ยวทําไมเราสองคนต้องวอล์กอ้อมออกไปตั้งไกลด้วยในแนวไม้พุ่มยังพอเหลือช่องทางให้เราเล็ดลอดไม่ใช่เหรอไม่วกไกลหรอกเมเจอร์ผมว่ากลับใกล้เสียกว่านะเพราะผมมีแผนจะไปพิสูจน์ทราบ พ, พิกัดชายป่าด้านโน้นว่ามีฐานยิงคอหรือมีปลรสอส้มอยู่หรือเปล่าจําเป็นต้องพิสูจน์ทราบด้วยเหรอใ น, นเมื่อเรามีแผนมูฟออกจากพื้นที่นี้อยู่แล้วมีหรือไม่มีผมก็ไม่เห็นกระทบกระเทือนอะไรต่อเราเลยใช่ตอนนี้ไม่กระทบแต่อนาคตนันมีผลมากเลยชเฉละ่ะ ผมไม่เข้าใจนอสตาความหมายของมันก็คือผมต้องการประมาณสถานการณ์ฝ่ายข้าศึกว่าเตรียมมาตรการรับมือเรายัางไงข้าศึกเห็นความสําคัญของหน่วยเราแค่ไหนถ้าเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ถูกไงละครับหมายความว่าถ้ามีอาวุธร้ายแรงมีกําลังรบมากก็แสดงว่าเรามีความสําคัญมากต้องจัดลําดับความเร่งด่วนอันดับหนึ่งใช่ไหมก็ทํานองนั้นแหละครับเพราะอย่างน้อยช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเล่นเกมกับ V ีซีค่อนข้างรุนแรง ความสูญเสียของวีซคือเครื่องวัดขีดความสามารถระหว่างมันกับเราโดยเฉพาะดักกงซึ่งเวียดนามเหนือมันถือเป็นสุดยอดนักรบของเขาเรายังพิชิตลงได้อย่างง่ายดายแบบเนี้ยถ้าเราเป็นผอก อ, องพลฐานราบที่หกร้อสิบสองเราจะคิดยังไงครับอืมจริงสินั้นนอสตาถ้าชินนั้นต่อไปนี้เราน่าจะเบาๆความรุนแรงลงสักหน่อยดีไหมเพื่อลดความสนใจของไอกองพลหกร้อสิบสองนี่ถ้ามันไม่เห็นความสําคัญของเรามอาจจะผ่อนปลนความเข้มความถี่ในการกวาดล้างลงบ้างก็ได้แน่นอนครับเมเจอร์ Major. นี่ก็ถือเป็นอย่างหนึ่งของแผนซ้อนแผนเว้นเสแต่ว่ามันบีบบังคับเราจนเกินไปด้วยใช่ครับเมเจอร์โอเคผมมีแนวคิดบางอย่างผมว่าเราน่าจะหยุดการเคลื่อนไหวนสักระยะหนึ่งด้วยการฝังตัวนิ่งๆช่วงแรกแนว VC กําำลังตื่นตัวแต่ครั้นเวลาผ่านไปนานๆเข้าผมว่ามันคงเลิกลาหรือไม่ก็ยุติการกวาดล้างไปเองก็ได้เรื่องนี้ต้องแล้วแต่สถานการณ์ข้างหน้าครับเมเจอร์ ยังมีหลายอย่างหลายวิธีบางทีเราอาจจะลืมหลักนิยมในการลบของเราไปแล้วยืมหลักนิยมของมันมาใช้บ้างก็ได้ยุทธวิธีของเวียดนามเหนือนี่แหละครับผมรับรองว่ามันโอเค n นสตารผมเห็นด้วยตอนที่ 16. ยามเย็นตะวันเริ่มชิงพบทีมงานนักรบรับจ้างกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเล่นแบเรต่างขยับขยัที่ทางหาอาการสบายสบายใส่ตัว หลังจากกบดานนิ่งมานานตลอดครึ่งค่นวันเวลาของแผนซ้อนแผนใกล้เข้ามาทุกขณะทุกคนไม่มีสิ่งวิตกกัวงวลใดๆเกิดแก่อารมณ์แม้ยามข้าศึกปรากฏตัวให้เห็นกองเหลงย่นระยะ15เท่านอกจากจะศ า, าสตร์มองข้าศึกในเขตเราผิด ช, ชอบแล้วยังกราส่องสำรวจแนววางตัวของเพื่อนคนข้างเคียงเพื่อดูว่าสถานการณ์เช่นนี้มีใครไม่พร้อมหรือเด้งเครียดบ้างท่านเห็นเป็น ป, ปกติดีทุกคนจึงค่อยเบาใจ18บแนาฬิกาตรง เสียงเครื่องบินรับส่งข่าวสารดังกระหึ่มขึ้นบนน้านฝาตรงดิ่งเหนือหัวด้วยความสูงความเร็วและทิศทางเดิมไม่นานนักสำเนียงเรียกวิทยุเจ้าเก่าก็ดังขึ้นแต่คราวนี้เจาะจงในทหารยุทธการโดยเฉพาะสั้นๆจากอัลฟาชาลีผมตรวจพบสัญญาณพิกัดที่ตั้งคุณแล้วพันตรีโรเจอร์ถือไอค็อคไว้ในมือขณะส่งสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติวางหน้าเฉยแล้วตอบกลับขึ้นไปด้วยจำนวนยี่ยวนแสดงว่าเครื่องไม่เสียสิ ไม่ใช่แค่นั้นหรอกแซมซันมันต้องมีฝีมือในการบินด้วยเพราะถ้าผมมาไม่ตรงพิกัดผมคงรับสัญญาณไม่ได้จริงไหมทําไมไม่อ้างไปถึงเลดา้าควบคุมเลยเล่าเฮ้แซมซันตั้งแต่ผมบินออกมาเนี่ยผมยังไม่ได้เรียกเลดา้าเลยแล้วเลดา้าก็ไม่ได้เรียกหาผมแม้แต่ครั้งเดียวด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันตรงไหนเกี่ยว 4, สิแซมซันคุณไม่ได้เป็นนักบินคุณไม่รู้เรื่องหรอกแล้วคงไม่รู้ด้วยว่านักบินเนะขาวัดฝีมือกันด้วยวิธีไหนโอเคอันฟ้าชารี okay, นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาบรรยายสรุปเรื่องฝีมือ คุณมีข่าวอะไรว่ามันอะไรดีกว่าคืนชักช้าผมอาจจะให้คุณลงมาพิสูจน์ฝีมือที่นี่ดูบ้างก็ได้สบานมากแซมซันก่อนที่ผมจะมาเป็นนักบินผมเคยเป็นทหารลาตะเวนเชียกอตแดมชัดอัพแมนหยุดโมซะทีเถอะน่ะว่าข่าวมาเลยก็ได้แซมซันคุณนี่ด่าเป็นชุดๆเลยนะโอเคข่าวจากผมมันไม่มีหรอกมีตรข่าวจากซันไร้ว่ามาสักทีได้ไหมผมักยัวแล้วนะ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซันไรส์มีข่าวอะไรนอะกจากสั่งฝากผมมาบอกว่าเมื่อติดต่อคุณได้แล้วยิงตรงไปหาซันไรส์เลยโถไอเวนจนป่านนี้ยังไม่ได้พูดกัสักคําเลยเชี่ยส์คำด่าชุดนี้ยาวกว่าเป็นเท่าตัวนักวินรู้ทันทีรีบปลดเอียร์โฟนออจกจะขู่และพักสวิตช์ถ่ายทอดคลื่นวิทยุจากนายทหารยุทธการในพื้นที่การหลบไปยังเสนาธิการใหญ่บอกกองกำลังทันทีพร้อมหัวเราคนเดียวอย่างใจเย็น สันสันจากสันไรเปลี่ยนเซนาธิการใหญ่เป็นฝ่ายเรียกก่อนเมื่อรู้สัญญาณพร้อมแล้วพันตรีโรเจอร์ทำหน้าบอกบุญไม่รับตอบวิทยุเสียงอ่อยๆโอเคสันไรสันสันทุกอย่างตามคําร้องขอของคุณสำหรับสนับสนุนการรบผมจัดเตรียมให้พร้อมหรอคุณจด้ผู้เขารวมเมื่อไหร่ไม่เป็นไรสันไร์ทั้งผมจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผ่านไปได้ว่าเรื่องต่อไปเลยดีกว่าโอเคเรื่องต่อไปเมื่อคืนนี้เวลาหลังเที่ยงคืนเล็กน้อย แบ็กเลย์ตรวจพบเป้าหมายสงสัยบางอย่างทั้งที่สี่นาฬิกาของคุณขนาดนี้ระยะประมาณสามสิบเจ็ดกิโลเมตรภูมิประเทศเป็นหุบเขาขนาดใหญ่มากทำไมแค่หุบเขาขนาดใหญ่ต้องสงสัยด้วยผมว่าแบ็คเลย์นั้นแหะถ้าไม่เป็นยาอ่อนก็คงเพิงสั่งจากเมากัญชาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแซมสั้นคุณจะเพิ่งฉุนเฉียวซือผมหมายถึงเป้าหมายทั้งทงหารตั้งหากที่นั่นน่ะมันต้องมีความสําคัญต่อการรบมากผมถึงอยากให้คุณเขาไปหาข่าวยังไงแล้วว่ามันคืออะไรคืออะไร คุณนี่พูดแปลกๆนะซันไรท์ในเมื่อแบล็กเรมีเครื่องมือชนิดดีเยี่ยมสุดยอดของกองทัพอย่างนั้นทำไมคุณไม่ขอบบินซ้ำหลายๆเที่ยวแล้วบินตรวจสอบจงกว่าจะพิสูจน์ได้มันคืออะไรเรื่องนี้มันไม่ยากเลยไม่ใช่เหรอใช่ถ้าทำอย่างที่คุณว่าได้แต่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคนะข้อมูลเบื้องต้นผมขอส่งให้คุณรับทราบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลางั้นว่ามาเลย แบงเล่ ade, ตรวจพบขบวนยานยนต์ซึ่งไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่รถถังหายเข้าไปในบริเวณก้นหุบนั้นไม่ใช่ขบวนเดียวจะมีถึงสามขบวนแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งตรวจพบครั้งนี้เป็ครัง้งแรกแต่พบมาแล้วเป็นครั้งที่สามภายในเวลาสามวันติดต่อกันมันก็ไม่เห็นจะวิเคราะห์อะไรยากเย็นเลยสันไรที่นั่นนะ่ะมันก็ไอถฐานโรมพลลึกลับในป่าหลึกธรรมดาธรรมดานี่แหละมั้งเป้าหมายเคลื่อนที่ได้บนบกในป่าถ้าไม่ใช่รถยนต์รถถังมันก็ต้องเป็นรถไฟสิ เฮ้แซมซันผมไม่ได้อีเดียตขนาดนั้นหรอกนะขนาดนี้เราวิเคราะห์กันไม่ออกจริงๆว่ามันคืออะไรเช็คข่าวกับบกบอกบอการกำลังในไซ่ง่อนแล้วทางน้องก็บอกไม่รู้เหมือนกันแถนยังฝากให้เราพิสูจนทราบให้ด้วยอีกโอเคผมมีข่าวนี้ข่าวเดียวคุดรับไปดำเนินการให้เรียบร้อยด้วยกันแล้วการสแตนบายเสนาธิการใหญ่เห็นท่าทางน้ําเสียงของนายทหารยุทธการฟังทำแม่งทำแม่งขัดหูพิกลชักไม่ไว้ใจ เกรงว่าหากถูกซักถามมากกว่านี้และหาคําตอบไม่ได้อาจถึงต้องโต้เถียงกันรุนแรงยิ่งขึ้นตัดสินใจบอกปัดวิทยุทันทีจ่าดาวเหนือรับฟังข่าวโต้ตอบนั้นจากเครื่องไอคอมประจําตัวรู้เรื่องโดยตลอดและก่อนที่เสนาธิการใหญ่จะทันได้ระงับวิทยุดังใจนึกนักหลบหลับจ้างกรอกเสียงสวนท่านขวัญสันไลจากนอสตาโอเคนอสตาคุณว่าไม่ได้เลยว่าแต่รู้เรื่องที่ผมพูดกับซามซันเราใช่ไหมรู้แล้วแล้วก็รู้เรื่องดีด้วย โอเคผ่านเรื่องติ๊ติตแบบนี้ไปได้เลยผมอยากทราบข่าวพิกัด VC ในพื้นที่น่ะแบ็กเลต่ตรวจสอบไว้บ้างรึเปล่าแน่นอนนอนสตารเรื่องนี้ไม่พลาดอยู่แล้วว่าแต่คุณต้องการทราบความเคลื่อนไหวในห่วงเวลาไหนผมหมายถึงตั้งแต่ช่วงคุณลงพื้นหรือย้อนหลังก่อนหน้านี้โอเคเข้าใจสัญไลน์อันที่จริงถ้าได้ย้อนหลังสักหนึ่งสัปดาห์คงดีไม่น้อยเพราะจะช่วยการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ข, ของค่าสึกง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้นด้วย เอาเป็นว่าทางบอกอเตรียมข้อมูลนี้ไว้ก่อนก็นแล้วกันถ้าวันไหนผมมีเวลาอาจจะขอรื้อฟื้นขึ้นมาดูก็ได้แต่วันนี้ขอเอาแค่ช่วงของคืนที่ผ่านมาก็พอได้สินโนสตางานนี้คุณคงรับสึกหนักหน่อยนะผมตรวจข่าวนี้รล้วหายสงสัยทันทีเลยว่าหลังจากคุณลงพื้นที่ไม่กี่นาทีกับเวลาผ่านไปไม่มากนะักพวกคุณสามารถสังหารค่าศึกได้เป็นว่าเล่นทำอย่างกับเสือตะลุยเข้าไปในฝูงกวางเนี่ย เสนาธิการใหญ่พอใจกับการจะพูดคุยกับจ่าดาวเหนือเพราะไม่กันโชคโหกหักระบายอารมณ์เครียดเหมือนพันตรีโลเจอร์จึงสาธยายเรื่องเล่ายาวไปหน่อยโดยไม่รู้ว่าหน่วยในสนามกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรบ้างจ่าดาวเหนือจึงต้องรีบตัดบทขอเฉพาะคำตอบครับซันไลท์โอเคคุณคงมีเวลาน้อยงั้นเอาไปเลยพิกัด v ีซีจุดรอบตัวคุณขณะนี้เสนาธิการใหญ่อ่านพิกัดพรตบนแผ่นที่สถานการณ์ตามข่าวสารจากเครื่องบินจัลกรรม ซึ่งทําการตรวจด้วยหลังศีินฟาเรตนักรบรับจ้างรับทราบรับพอตลงบนแผ่นที่ของตนตามคําบอกไม่นานทุกอย่างก็เรียบร้อยแค่นี้พอไหมนอสตาหรือว่าต้องการมากกว่านี้จากดาวเหนือเพ่งมองพิกัดตามข่าวขม่งยังไม่ได้ตอบคําถามในวิทยุสมองเร่งสรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของข้าศึกต่อที่ตั้งของฝ่ายตนอย่างเร่งด่วนแม้ไม่มีรายละเอียดในข่าวแต่หลักฐานจากแบ็กเล่สามารถยืนยันได้ว่าบัดนี้เวียดนามเหนือกองพล662 จับความลับการลงสู่พื้นที่ของชุดปฏิบัติการได้แล้วจุดวางกำลังทั้งหมดเผยให้เห็นวงล้อมเตรียมโอบเราค่อยเคลื่อนเข้าหาใจกลางซึ่งมียอดเนินแห่งนี้เป็นเซนเตอร์กองพ 6, ลหร้อสุบสองคาดการทุกอย่างถูกต้องโอเคม่นอสตาคุณรับข่าวเรียบร้อยใช่ไหมโอเคโอเคซันไ์สแตนบายเฮ้เล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ จาดาวเหนือไม่ตอบทั้งๆที่ได้ยินเสียงเสียบไอคอมคู่มือลองซอกอ ก, อกแล้วหันไปขว้า M203 SMA1 ขึ้นมาถือแทนมืออยู่ที่สวิตต์กล้องเล็งกลางคืนแต่ยังไม่ได้เปิดกว่าสายตาไป ร, บรอบๆก็กทั่งพบว่าพันตรีโรเจอร์กําลังใช้กล้องเล็งส่องสมรูอยู่ก่อนแล้วเห็นอะไรบ้างครับเบเจอร์ไม่พบฆ่าศึกเลยสักคนแล้ะพวกเราล่ะครับบางคู่เริ่ม move ออกไปแล้วกลุ่มเซอร์เจนแซมล่ะครับเหมือนกันบางคู่เริ่มแล้วแต่บางคู่ยังรอท่าทีก่อนท <c oughs> ่าทีอะไรล่ะครับ ก็ท่าทีของ VC นะซิว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรไหมเพราะตอนเนี้พวกมันยังปักหลักนิ่งเฉยอยู่เลยโอเคผมว่าไม่จําเป็นหรอกเมเจอร์ฟั่งมูฟได้เลยครับกว่า VC จะเริ่มขึ้นกําลังเขาเกาะยอดเนินประกบเราเขคงหลังเที่ยงคืนไปแล้วแหละหลังเที่ยงคืนทําไมคุณรู้ละ่ะไม่ใช่ผมรู้คนเดียวหลอกเมเจอร์นั่นเป็นหลักนิยมผมมันอยู่ก่อนต่างหากอันที่จริง VC เริ่มเกอะตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นการเกอดระยะไกลขั้นต่อไปก็คือเคลื่อนที่เข้าสู่แนวโจมตี ส่วนเวลานอเปิดฉากการยิงนั้นแนหะก็เริ่มตอนใกล้สว่างนั่นแหละอืมถ้างั้นเรายังคงพอมีเวลาใช่ไหมไม่รู้สิเมเจอร์ว่ามีหรือไม่มีเพราะด้านหลังกายออกไปก็จะมี VC ส่วนสนับสนุนคอยเสริมกำลังส่วนนี้อยู่อีกหรืเอเปล่าก็ไม่รู้นะหมายความว่าแผนการโจมตีครั้งเนี้ยคงไม่ใช่มีเพียง VC สามหน่วยที่เห็นนี่ครับเมเจอร์กองพลหกร้อสิบสองต้องระดมสภากาลังชนิดมากกว่าเราสามถึงหกเท่านั่นแหละลําพังกําลังเท่าเท่ากันมันคงรู้กินเราไม่ได้แนะ่ แล้วคุณคิดว่ากําลังส่วนเสริมนั้นควรอยู่ห่างจาก่วนโจมตีส่วนแรกสักเท่าไหร่กําหนดยากครัเมเจอร์อย่างน้อยก็ต้องสามารถเคลื่อนที่เร็วเข้าถึงแนววางตัวได้ภายในเวลาไม่เกินสัก30นาทีคุณหมายถึงแผนการโจมตีเป็นระลอกระลอกใช่ไหมผมยังไม่ได้หมายถึงอะไรทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่พูดไปตามรูปการตามข่าวจากพิกัดที่เคอร์เนลส่งมาเท่านั้นเชื่อเือว่าตอนเนี้ว V ซี VC พิสูจน์ทราบที่ตั้งของเราเรียบร้อยแล้วมนะันน่ากําลังดําเนินแผนการบางอย่างเต็มที่เพื่อสลายกาลังของเราให้ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกหากกองพลห1ร้สบสองจะยอมทุ่มเทเวทกงดักกงสักร้อยหรือสองร้อยคนแล้วคุณว่ากำลังสนเสริมมันพร้อมหรือยังผมหมายถึงเดินทางมาถึงแหล่งรวมพลขั้นสุดท้ายก่อนจะรุกเข้ามาหาเราก่อนที่มันจะปฏิบัติการเนี่ยโถใครจะไปรู้ได้เล่าเมเจอร์มาพร้อมกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นแล้วก็รู้อะไรตรงนี้อะไรเท่าๆกันไม่น่าถามเลยนะเอาเถอะคุณคาดการก็ได้คุณว่ามันพร้อมหรือยัง นั้นผมขอเดาวามันพร้อมแล้วเฮ้ยโนสตาอย่าทำเสียงดังสิเมเจอร์โ okay, อเครางมุฟดีกว่าตอนที่สิบเจ็ดถึงเวลาเมื่อมือระดับหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างลงมือปฏิบัติการแหวกวงล้อมบ้างซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหา ราะระดับมือระดับลูกทีมนั้นก็ยังทําได้แต่สถานการณ์ลบมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอในทุกวินาทีหรือทุกๆระยะฝีกาวความปลอดโปร่งอาจตาลปัดเป็นความตายได้จากดาวเหนือหมายตาช่องทางรอยต่อระหว่างชุดของไอเชสกับจ า, าแซมล้วลัดล้อออกช่องนั้นพันตรีโรเจอร์เดินตามหลังห่างไม่กี่ก้าวคอยสอ่องกล้องกลางคืนสำรวจเส้นทางข้างหน้าเกือบตลอดเวลาด้วยความไม่ไว้วางใจในความรอบคอบของคนล่วงหน้าไปก่อนไม่ถึงหนึ่งใน4ี่ของระยะทางทั้งหมดสิ่งที่ระแวงก็เริ่มปรากฏ ภาพปรากฏบนพื้นเลนสี่ม่งอ่อนเป็นเงาดำสนิทรูปร่างสันฐานบอกชัดเจนว่า น, นั่นคือคนกำลังย่อตัวต่ำค่ขอยๆยางกาวเดินสวนเข้าหาแอบหลบหลังแหล่งกำบังคนไม้ใหญ่ชั่วครูก่อนเคลื่อนตัวต่อเอื้อมมือสกิดไหลจ้าดาวเหนือทั้งๆ ท, ที่กล้องเล็งยังคาบคาอยู่กับกระบอกตาพร้อมกับให้เสียงกระซิบเบาๆวีซี <We see. S 1> จ้าดาวเหนือเห็นลงๆในเงามืดใต้ลมไม้ใหญ่ ล้อลํากล้องพันเทรเมาด้วยการชี้ไปยังทิศทางไหนไม่รอให้บอกสําจัดการส่องสำรวจด้วยกล้องเล็งบงสันปืนของตัวเองบ้างสักครู่จึงเข้าใจแค่สองคนเหรอครับไมเจอรพูดกันพอสบายสบายระยะยังห่างกว่าสามร้อยเมตรเชื่อเวทกองคงไม่ได้ยินไม่รู้สิผมเพิ่งเห็นสองคนเท่านั้นนะสงสัยส่วนลาตะเวนนําไม่รู้เหมือนกันครับนักลอบลับจ้างร้อเรียนคําตอบบ้าง แต่แล้วก็ลดปืนลงจดท่าประทับเล่งหันมาหาพันตรีเมริกันกระซิบเบาๆข้างหู ด, ด้วยคำพูดที่มีความหมายชนิดที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนตั้งแต่ออกภารกิจครั้งแรกเมเจอร์อยากดมกลิ่นวีซีไหมพันตรีโรเจอร์สดุ้งเหือก รถปืนลงจากท่าประทับตีหน้าเลยล่ะ อ, อ้าปากตะลึงขางพูดอะไรไม่ออกเกิดอาการชาวาบตามสันหลังขึ้นมายังปัจจุบันทันด่วนเข้าใจทันทีว่าการมีโอกาสสัมผัสกิ้งกลายคนนั้นหมายถึงความใกล้ชิดขนาดยื่นมือส่งให้จับเช็คแฮนกันได้นั่นแหละนักลบลับจ้างคนนี้กล้าทํากล้าเสี่ยงขนาดนี้เฉยหรอนอสตาคุณทําไมล่ะครับกลัวเหรอเฮนอสตานี่ไม่ใช่คําถามนะแต่คุณต้องมีเหตุผลเหตุผลก็คือเมเจอร์อยากได้กินตัวไอวีซีสกปกพวกนี้ไม่เล่า คุณจะบ้าอะไรไงเนาะตาพวกมันกี่คนเรากี่คนจเจ้ายังไง เ, เร็วๆเข้าใกล้เข้ามามากแล้วนะตัดสินใจสิพันตรีโรเจอร์ยกกล้องเลงขึ้นส่องอีกครั้งอ่านระยะขีดมาตาบนพันเลนเห็นว่าความห่างของเวทกงคนนําเปลี่ยนจากเดิมมาเป็นาราวๆ200เมตรนักหลบหลับจังยังใจเย็นหัวล้อฮือๆในลําคอเบาๆเราค่อยๆยกกล้องขึ้นเลงส่องบ้างด้วยมาท่าทางของคนที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์เริ่มส่องตรงจุดที่เคยตรวจพบก่อนเมื่อแน่ใจจึงวาดออกซ้ายขวาข้างละสองรอบ เอาปืนลงแล้วหันมากระซิบกับพันตรีโลเจอีกครั้งโอเคเมเจอร์เ <Okay, Major. S 1> บี่ยงซ้ายไปห้าสิบเมตรเดี๋ยวผมออกขวาเองสาสิบเมตรนอสตราคุณกำลังจะทำอะไรเธอหน้าอย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยพยายามอยาเข้าไปแอบหลังแหล่งกำบังนะเอา้าแล้วจะให้ผมกำบังตรงไหนกำบังในความมืดสิวางตัวต่ําสุดแนบติดดินบนพื้นโลง่งยิ่งห่างจากแหล่งกำบังเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นจําไว้แค่นี้แหละไปได้แล้วเมเจอร์ ไม่มีอาการของความหวาดกลัวแม้แต่น้อยในน้ำเสียงลีลาการพูดของนักรบรับจ้างมาที่เดินถาออกขวาไปตามที่เอ่ยวาจาไม่ต่างอะไรกับพยักษ์ลายผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าดงพันตรีโรเจอร์มองภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มของนักรบจา ก, กองท บ, บกไทยแล้วคิดถึงคำพูดแบบทีเล่นทีจริงของเขาขึ้นมาทันทีผมนี่แหละจะเป็นเสอือไล่ล่าลูกกวางพวกนี้ให้กระเจิงเขาทำจริง ๆ, แ ล, งๆและสิ่งนี้ก็คือหนึ่งในแผนการหลายๆแผนที่พยักษ์ลายอย่างเขากำลังเล่นเกมกับลูกกวางอย่างเวียดกง ใจหนึ่งอยากคบคิดความเป็นมาเป็นไปของแผนการครั้งนี้คืออะไรอะไรคือความต้องการที่แท้จริงแต่ครั้นนึกถึงอันตรายจากลูกกวางจอยที่ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วจําเป็นตน้องรีบปฏิบัติตามคําสั่งที่เขากําหนดก่อนเงาตะคุ้มตะคุ่มของจ่าดาวเหนือห่างไปหลายสิก้าวจนทุกอย่างสลายไปกับความมืดพันตรีโลเจอร์ส่องกล้องสํารวจแนวเวทโกงซ้ำครั้งสุดท้ายวาดกลองไปทางซ้ายเพื่อความแน่ใจเห็นปอดคนดีจึงตัดสินใจก้าวเดิน ทั้งสองเข้าถึงจุดวางตัวโดยเลือกได้พื้นที่โลง่งเป็นลานกว้างขนาดสนามบาสเกตบอลมีไม้ใหญ่ขึ้นห่างๆต้นใกล้สุดคิดเป็นระยะเกือบห้าสิบเมตรผิวดินเย็นชุ่มเปียกชื้นตอนล่างใต้พื้นหญ้าหนาเก็บตัวเงียบรอเวลาสถานการณ์ยังใจเย็น จากด้านเหนือสอ่องกล้องมองดูตำแหน่งวางตัวของพันตรีเมริกรันรละวาดเข้าหาแนวเวียดกงสำรวจนับจนทัว่วได้สิบสองคนพอดีไอสองคนนำยังคงทำหน้าที่นำเดี่ยวขึ้นมาทิ้งให้ไอสิบคนหลังห่างไปเกือบห้าสิบเมตรจัดระเบียบแถวตอนตามกันด้วยระยะห่างจากคนข้างหน้าเจ็ดถึงสิบเก้าสม่ำเสมอทั้งหมดเข้าแฝงกายตามคนไม้หรือไม้พุ่มหนาต่อต่อกันเป็นแถวยาวคนหน้าเคลื่อนต่อไปข้างหน้าปล่อยให้คนหลังเข้าใช้แรงกำบังนั้นแทน สลับเปลี่ยนกันขึ้นนาถูกต้องตามหลักการทุกประการเหลือระยะห่างอีก29่ส้คนนำหน้าสุดจะเข้าถึงจุดที่สองคนเคยปักหลักกบดานจับตาดูมาก่อนพลั่นสัญญาณกดขีฟรีบนวิทยุดังขึ้นสองครั้งนั่นคือสัญญาณเรียกจากใครคนใดคนหนึ่งในทีมงานนักลบลับจ้างที่ต้องการเรียกหัวหน้าทีมจากดาวเหนือ ย, ยังไม่ตอบและการไม่ตอบนั้นก็แสดงว่าสถานการณ์กำลังเข้าได้เข้าเข็เขมกรณีนี้คนเรียกต้องรู้ด้วยอัตโนมัติ พันตรีโรเจอร์ประจักษ์แล้วว่าทำไมจ่าดาวเหนือจึงสั่งให้เขาวางตัวบนพื้นที่โลง่งแทนการแอบหลังแหล่งกำบังโคนไม้ใหญ่หรือซุกตัวเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ใบหนาอย่างเช่นที่เคยกระทำภาพในกล้องเล็งขณะ น, นี้เห็นเวทกองทั้งสองเดินนำกับอีกสิบคนเดินตามห่างๆแต่ละคนเดินระวังตัวเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเป็นช่วงๆช่วงสั้นช่วงยาวแล้วแต่ระยะห่างระหว่างโคนไม้ไม้พุ่มบนเส้นทางเบาเงียบแต่แน่นอน เข่าสุ่กายเบียดลำตัวไว้กับใต้ร่มไม้คอยจับตาดูเงาตะคุ่มตะคุ่มของเพื่อนคนข้างหน้าประสาทหูเปิดกว้างคอยรับสัญญาณเสียงศัตรูรักษาตำแหน่งให้อยู่ห่างจากจุดกำบงังไม่เกินหนึ่งหรือ2อก้าวปล่อยพื้นที่โล่งวางให้พ้นจากความสนใจนี่คือหลักพื้นฐานธรรมดาๆรรตามสัญชตาตญาณของคนขนาดระวังภยัยต้องอาศัยแหล่งกำบงังโอ้นักรอบลับจ้างค้นพบจุดอ่อนของเวทโกงได้อย่างน้าพิศวง์ เวทกงคนนำผ่านผลไปแล้วส่วนคนตามสิบสองคนเริ่มเคลื่อนที่มาถึงเสียงย่ําเท้าบนพื้นหญ้าเสียงวัตถุอุปรกรณ์ในตัวบางอย่างกระทบเสศษสีกันได้ยินชัดโดยเฉพาะลูก R าร์พีจีอะไรบนสะพายหลังทั้งสองคนไม่ได้เกรงเครียดกับภาพที่ปรากฏในกล้องเล็งมากนักทําตัวทำใจสบายๆมองดูขบวนเดินด้วยความรู้สึกปกติไม่มีท่าทีหรือสิ่งบอกเหตุใดๆว่าฆาตสึกกลุ่มนี้รู้หรือแม้แต่สงสัยในสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ทราบที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่ยี่สิบถึงสามสิบก้า กระทั่งคนสุดท้ายผ่านไปพันตรีโรเจอร์ยกกล้องเล็งส่องไปทางจ่าดาวเหนือแล้วยิ้มด้วยความพึงพอใจเห็นเงาร่างสีดําสนิทเป็นอิริยาบถจากท่านอนราบเป็นนั่งคดสมาราบ M203 ก็บอกคู่มือวางพาดหน้าตักเฉยกําลังคิดอยู่ว่าควรใช้วิทยุสอบถามพูดคุยดีหรือไม่พลัน่นร่างนั้นก็ค่อยพยุงตัวลุกขึ้นยืนเตรียมออกเดินเสียก่อนจ่าดาวเหนือไม่ลืมเสียงสัญญาณกดขีฟรีเจวิทยุเมื่อเห็นสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วจึงเรียกตอบ โอเคเมื่อกี้ใครเรียกมาวะผมเองก็พี่ชาติไอ้แก้วกลุ่มใหญ่คาดว่าวไม่ต่ำกว่า 3- 4มถคนชุมนุมกันอยู่ห่างจากผมก็ไอ้ที่สักร้อเมตรห่างจากพวกที่เกาะเราตอนแรกกับพี่เฉียงมาทางใต้สึบนาฬิกา200เมตรอาวุธ APG ปอลอเก็บตัวเงียบวางตัวส้มแบบสบายๆสงสั ย, ยพวกนี้เป็นกําลังสนหนุนเวลาเริ่มเปิดฉากโจมตีแล้วนะพี่เออใช่สําหรับการบุกเป็นระลอกระลอกยังไงล่ะตอนนี้พวกมึงสองคนแหวกวงล้อมไปได้หรือยัง ออกมาแล้วพี่ผมประกบมันไว้รอคําสั่งจากพี่ว่าจะให้ทาไงต่อดีประกบไว้อย่างงั้นก่อนมึงสองคน move, มุฟฟินคนสุดท้ายแล้วกันส่องลูกทีมนักลบรับจ้างรับทราบจากดาวเหนือใช้มือข้างเดียวส่องสํารวจท้ายขาบวนเวทกง12คนนั้นอีกครั้งเห็นทุกอย่างยังดําเนินเป็นปกติในสมองทบทวนตําแหน่งวางตัวของเวศกองเป็นรูป3าแฉกกลาเบนขึ้นมาด้วยความรู้สึกสังหอนว่าเหตุการณ์ทํานองของไอชาต้ตองมีอีกวิทยุถุกเครื่องใช้ความถี่เดียวกันทั้งหมดไม่จําเป็นต้องทวนเรื่องราวสอบถามได้ทันทีหยุด เจอแก้วหรือยังเจอแล้วพี่ห้าสิบคนพอดีเลยชักแถวยาวเหยียดไปหน้ากระดานเคลื่อนตัวตามไปแปดคนส่วนนําตามหลังห่างสองร้อยเมตรอาฆาอาร์พีจีปลสปุนกลเพียบเลยพี่เยอะแยะยังงั้นแล้วพวกเราแหวกวงล้อมออกไปได้ไงวะผมก็ขึ้นไปซุ่มอยู่บนต้นไม้สิพี่เกือบบ้วนน้าลายรถกระบานมันอยู่เลยถ้าทางระวังระวังหม่นไส้ชิบหายเลยพี่ธรรมดาเว้ยเรื่องแบบนี้นก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ห่างมันเท่าไหร่ กว่าสิเมตรแล้วพี่กําลังมุ่งหน้าไปทางยอดเนินสงสารของจริงนะพี่เอางานแบบนี้มีของปลอมด้วยหรอวะโอเคประกบไว้ก่อนรอให้ทุกคนแบกวงล้อมไปก่อนแซมอนนบ <Nope. S 2> ไอแถวกลุ่มนั้นเป็นไงบ้างเรียกเหมาไปเลยทั้งสองคนเพราะทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันแต่เหตุการณ์คราวนี้ผิดคาดเมื่อจะแซมตอบวิทยุมาก่อนโอเคนอสตาวีซีของไอโนบยังอยู่กับไอโนบส่วนผมพบเหยื่อสังหารลายใหม่แล้วกำลังหน้าเล่นหน้ากินเลยใช่แหละ โอเคงั้นซมมอนรอก่อนนบรายงานสิไม่มีปัญหาครับพี่ตอนนี้ผมแหวกวงร้อนออกมาได้แล้วอันที่จริงผมก็ไม่ได้แหวกหรอกไอ้แก้วมันแหวกผมเข้าไปเองแต่หากหมายความว่าไงวะก็หมายความว่าผมสงคนอยู่เฉยๆซุ่มเงียบในพุ่มไม้แล้วแก้วพวกนั้นเดินผ่านไปเองอสิสบายนี่ว่ะแบบนี้สิปีร้อยปีก็ลบได้ไม่ต้องใช้ชั้นเชิงอะไรเลยนะมึงโถพี่นี่มึงก็เป็นชั้นเชิงอย่างหนึ่งนะพี่พี่จะว่าสบายสบายได้ไงโอเคผ่านเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเจอกันที่จุดนัดพบ ไอ้นบดูไม่มีอะไรน่าหนักใจในขณะที่หัวหน้าทีมยังมีหลายเรื่องหลายอย่างต้องเร่งขบคิดพอมเมื่อไอ้นบไม่มีแต่ทางจ่าแซมอาจจะมีแซมมอนว่ามาสิมีอะไรไอ้แก้ววีซีกืบร้อยคนตั้งฐานยิงคอหกเท่าที่ตรวจพบแล้วสี่ฐานยิงแนาวางตัวเป็นหน้ากระดานโจมตีมีปอลลสหกกรบอกด้วยกระสุนอะไรเทียบเอาไงต่อดีละ่ะที่ตั้งของมันห่างไปทางด้านหลังหอยชุดที่ผมพบครั้งแราก่อนตามไปสมทบกับชุดของไอ้นกทางสิบสอนากาห้ารอเมตร V ีซีมีการเตรียม Move ไหมหรือว่าปักหลักอยู่แบบที่พิจารณาจากแหล่งกำลังดูก็ได้ดูไม่ออกหรอกน้องสตาร์ว่ามันจะ o v e หรือไม่ Move ตรงนั้นมีแต่แหล่งกำบงังธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงสร้างขึ้นเลยโอเคแล้วตอนนี้แซมอนวางตัวบริเวณไหนของวีด้านนอกห่างสองรอยเมตรลูกทีมผมทั้งหมดลุงหน้าไปจุดนัดพบแล้วคงเหลือแต่ผมสองคนโอเคงั้นแซลมอนประกบฐานยิงคอกับปอลสอ น, นี้ต่อไปก่อนก็ได้ผลจะพยายามจ่าดาวเหนือหัวร้อนในลําคอ เข้าใจถึงความรู้สึกของจ่าเมริกันนิโครจอมเฮียมมือสังหารจากเวียดนามใต้เป็นอย่างดีหันมาทางพันตรีโรเจอร์เราเริ่มรายงานแผนการขั้นต่อไปก็เป็นนั้นว่าการมาของเราถูกเปิดเผยหมดแล้วนะเมเจอร์นั่นน่ะสิทําไงต่อไปดีหรือว่าตัดสินใจตลุยฟาดฟันกับมันเลยอย่าเพิ่งเลยเมเจอร์งานใหญ่ยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเราคงต้องทําอะไรลงไปสักอย่างเพื่อเบนความสนใจพวกนี้สัล่ะ ถอนตัวจากพื้นที่โดยไม่มีการประทานนี่ไงน้อสตาก็ถือเป็นการพรางอย่างหนึ่งนะว่าที่นี่ไม่มีเราเข้ามาปฏิบัติการแค่นี้ไม่พอหรอกเมเจอร์เพราะถึงยังไงมันก็ต้องคิดว่าเราสามารถแหวกวงล้อมออกไปได้เองอยู่ ด, ดีแล้วคุณมีแผนการอะไรเพิ่มเติมใช่เขาเมเจอร์ เมื่อมันคิดว่าเราแหวกวงล้อมออกไปแล้วก็ให้มันเชื่ออย่างนั้นเลยเราสร้างเหตุการณ์ให้สมจริงสมจังมากขึ้นอีกหน่อยเรียกคอสักลำสองลำลงแลนดิ้งบริเวณ7นาฬิการะยะ 4,500 หรือว่าใช้เวลาแค่สัก3นาทีหรือน้อยกว่าสักเล็กน้อยทำเป็นว่ามารับพวกเรากลับไปแค่นี้ก็สำเร็จนะครับเม j เจอร์โอเคกูดไอเดียผมเห็นด้วยงั้นเริ่มแผนนี้ตอนเช้าหลังจากติดต่อกับบอกอได้เลยดีไหมดีครับงั้นเรา move กันเถอะ ตอนที่18บ่ายจัดของวันรุ่งขึ้นใต้ล่มชายขา ب, เพิ่งมาแงนกลางดงทึบที่ตั้งกองบังคับการกรมทหารราบที่ห5บห้าพันโทฟาร์วันหาวพร้อมโดยคณะนายทหารชุดเดิมยังคงเคร่งเครียดกับสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ร้อยเอกเจียฮุกซุยผอบอร้อยดักกงชุดโจมตีฐานที่มั่นศัตรูบนยอดเนินถูกเรียกตัวเข้าพบด่วน เพื่อตอบข้อสงสัยซักถามถึงความล้มเหลวทั้งปวงตอนหน้านายทหารระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงพอบอร้อยดักกงให้รู้สึกอาการคลันเนื้อคลันตัวคล้ายเป็นไข้ร้อ น, อนๆหนาวๆสะบัดทั่วร่างความเงียบ ป, ปกคลุมบริเวณอยู่เป็นนานกระทั่งพันโทกวงนำว่างพอบอพันเอ่ยคำถามขึ้นสายเจียรายงานของสายนักรบหนวดจรยุทธ์เรื่องศัตรูที่แวกวงล้อมออกไปนั้นทั้งหมดคือข้อเท็จจริงใช่ไหม ผบอร้อยดักโกงละสายตาจากพันโทฟาร์วันหาวรองผบอพลฝ่ายการทหารหันมาสบตาผบอพันกรมทหารลาบที่ห้าสิบห้าคลั้นพบสายตาที่แข็งกร้าวกว่าจึงหลบมองลงพื้นก่อนจะเอ่ยเสียงตอบเป็นความจริงสายท่านผบอพันเม้มริมฝีปากแน่นจนเป็นเส้นตรงเพ่งสายตาฝ่าดงไม้ทึบแลกไกลไปข้างหน้าด้วยท่าทางของคนคล้ายเพิ่งประจักษ์ความจริงบางประการ ทันใดนั้นกำปั้นพลันซัดลงบงสันลากไม้ใหญ่ข้างกายเสียงดังพลักจนกลัวว่ากระดูกภายในจะพลอยแหลกเหลวตรงกันข้ามกับไม่มีท่าทางของความเจ็บปวดปรากฏขึ้นแม้แต่น้อยใบหน้าของคนผิวขาวเหลืองแดงเลือเมื่อเลือดฉีดแรงขึ้นจองนาผอบบอร้อยดั ก, กง่งเล่ากับอยากกินเลือดกินเนื้อส่งเสียงดังตวาดลันได้ยินไปทั่วเป็นความจริงเป็นไปได้ไงสหาย ทุกคนต่างจ้องหน้าผอบอรร้อยดักกงเป็นตาเดียวอยากรู้ว่าคําตอบต่อคําถามนี้จะออกมาอย่างไรไม่รู้เราคาดการไม่ถูกจริงๆท่านสหายสหายมีเหตุผลที่ดีกว่านี้ไหมแต่เราก็ได้พยายามอย่างที่สุดแล้วไม่จริงสหายปฏิบัติการสืบทอดอุดมการ์ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่ไม่มีแต่สายนักรบดักกงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอุดมการ์แห่งการสู้รบโดยแท้เป็นไปได้ยังไงที่สายิปล่อยให้ศัตรูเพียง26คนแหวกวงล้อมไปได้โดยไม่มีสายนักรบคนใดพบร่องรอยแม้แต่น้อย ท่านสหายสหายเจียสหายแน่ใจนะาการพิสูจน์ทราบฐานรอยของศัตรูถูกต้องบนยอดเนินนั้นมีศัตรูฝั่งตัวอยู่จริงเป็นความจริงสหายท่านเพราะเราเห็นกับตาตัวเองสหายศัตรูกี่คนกําลังทําอะไรว่ามาให้ละเอียดสิเราเห็นศัตรูสองคนสองคนสองคนเท่านั้นน่ะเหรอในเมื่อศัตรูมีถึง26คนใช่แล้วสหายท่านบนยอดเนินมีศัตรูอยู่เพียงสองคนเท่านั้น ส่วนที่เหลือพากันวางตัวเป็นวงล้อมยอดเนินคอยทําหน้าที่ป้องกันระยะไกลศัตรูสองคนบนยอดเหนินนั้นก็คือหัวหน้าของมันสาเหตุท่านแล้วสายพิสูจน์ทราบได้ไหมว่าศัตรูที่วางตัวรอบฐานรอยมีกี่คนอยู่ตรงไหนบ้างสายนักรบของเราพิสูจน์ทราบได้ไม่ทั้งหมดหรอกสหายท่านเท่าที่พบก็มีเพียง6เท่านั้นแล้วจะพิสูจน์ทราบได้เพียงเท่านี้สายนักรบของเราก็ยังพอ ป, ประมาณได้ว่าศัตรูค น, นอื่นๆฝังตัวอยู่ตรงไหนบ้างเอาล่ะศัตรูจะรู้ล่วงหน้าและทําการพรางอย่างดีจนสายนักรบพิสูจน์ทราบไม่ได้ แต่เมื่อศัตรูต้องแหวกวงล้อมนั้นสหายมีมาตร ก, การแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างสายนักลบทุกหน่วยลุกข้าศัตรูพร้อมกันทุกด้านทุกจุดเราก็เข้าไปอย่างระมัดระวังที่สุดจากระยะไกลสุดจนถึงยอดเนินเป้าหมายระหว่างเส้นทางไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นของศัตรูเราขอยืนยันว่าสายนักรบทุกคนตั้งใจสืบทอดอุดมการยังไม่บกพร่องแต่แต่อะไรกระสหายไม่พบศัตรูระหว่างเส้นทางทั้งบนยอดเนิน ก็ไม่มีตัวศัตรูไม่มีร่องรอยหลักฐานใดๆไม่มีสายนักรบคนใดสามารถให้เหตุผลได้ว่าศัตรูหลบออกไปได้ยังไงสาหายท่านพุ่งคับบัญชากรมทหารลาดทีห้าห้ายุดใช้ความคิดพยายามรวบรวมประสบการณ์เก่าๆครั้งอดีตมาเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ของเหตุการณ์ครั้งนี้จนแล้วจนรอดก็ยังคิดไม่ออกพันโทฟาร์วันฮาวรองผอพลเห็นทุกคนพากันเงียบจึงเป็นฝ่ายถามเสียเองสายเจียการกาะติดศัตรูครั้งเนี้ย กลุ่มสายนักรบเขา้าเกาะระยะห่างเท่าไหร่ห้าร้อยเมตรสหายท่านสามารถมองเห็นได้ด้วยตาในเวลากลางวันนะสหายท่านเวลากลางวันสหายท่านจนกระทั่งตกดึกเที่ยงคืนแล้วจึงลุกเขาก้าเกาะเพื่อเตรียมเปิดฉากโจมตีตอนเช้าตรู่ระหว่างก่อฐานศัตรูนะ่ะสหายส่งหน่วยจรรยุทธ์เขา้เขาเกาะติดระยะประชิดหรือไม่ไม่ได้เกาะสหายท่านนี่แหละข้อบอกพร่องของสหายศัตรูรู้ตัวว่าถูกเกาะจึงซ้อนแผนแหวกวงร้อมได้สําเร็จเสียงซุบซิ บ, ซซซบในหมู่นายทหารระดับสูงของหน่วยดังพอได้ยิน ผอบอร้อยดักกงพยายามรวบรวมสติทำหน้าทําใจให้เป็นปกติศบตาในทหารคนอื่นๆแล้วถามย้อนไปอย่างพันโทเดืองฮามฝ่ายในทหารฝ่ายประสานงานระวางแผนของกองพลสายท่านเราสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าศัตรูรู้ตัวว่าถูกกอดหรือตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายสหารนักรบแล้วทําไมศัตรูจึงไม่ต่อสู้หรือต่อต้านตั้งแต่แรกพันโทเดืองฮามฝ่ายขยับตัวจัดท่านั่งใหม่ รู้ว่าตนกําลังตกเป้าสายตาของคณะนายทหารทุกคนในฐา น, นะของฝ่ายวางแผนทําให้ต้องระมัดระวังคําตอบสหายเสือร้ายนะแม้อยู่เฉยๆก็ใช่ว่าสัตว์อื่นจะเข้าไปจับมันกินเป็นอาหารได้ไม่ใช่เหรอสายท่านหมายความว่าอย่างไรสหายเจียความหมายก็คือด้วยแผนการที่ฉลาดล้ํำลึกของศัตรูเมื่อรู้ดีว่าขืนทําการต่อสู้ขนาดนี้คงต้องเพลียงพ้ำและกําลังก็น้อยกว่าครั้นรอยาหมืดแล้วความได้เปรียบเสียเปรีย บ, ยบอาจจะก้ากึื่อกันหรือหากใช้ปัญญาสักนิดโอกาสรอดชีวิตก็ย่อมมีสูง บนความใจเย็นของสหายนั้นน่ะศัตรูก็ใจเย็นด้วยฝ่ายสหายนักรบพยายามค้นหาจุดอ่อนของศัตรูแต่ในขณะเดียวกันศัตรูก็เห็นจุดอ่อนของฝ่ายสายนักรบด้วยเหตุการณ์ครั้งเนี่ยศัตรูทําตัวเป็นเสือร้อยฝูงสัตว์เล็กอย่างสหายนักรบบุกเขาทําการเมื่อสหายไม่กล้าเสือจึงรอดไงสหายท่านถ้าฝ่ายเราถือโอกาสบุกเข้าโจมตีเสียตั้งแต่แรกพบละ่ะ ถูกต้องฝ่ายเจีย๊ยบุกเข้าจู่โจมแล้วทําการกอดด้วยการยิงศัตรูย่อมไม่มีโอกาสหายไปจากสายตาฝ่ายเราแน่การแหวกวงล้อมจะทําได้ยากขึ้นหรือทําไม่ได้เลยเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องลบยันไว้สายคงลืมไปว่าพื้นที่เนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของฝ่ายเราศัตรูที่เข้ามาปฏิบัติการจะถูกตัดขาดจากหน่วยเหนือมันถูกลอยแพการสนับสนุนทั้งปวงที่เคยมีก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดอ่อนของศัตรูก็คือไม่สามารถทําการลบอย่างยืดเยื้อยาวนานได้ยิ่งลบนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเปรียบเรามากเท่านั้น อย่างน้อยก็ด้านอาวุธกระสุนแล้วก็ตามมาด้วยอาหารน้ำโอ้จริงด้วยสหายท่านเราคิดว่างานสืบเท่า d ดมการครั้งต่อไปเราจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างเด็ดขาดมันสายเวลาสหายเจียในเมื่อสหายเองไม่ใช่แต่ที่แรงงานวัตรูถอนตัวออกจากพื้นที่ไปแล้วเมื่อตอนเช้าโดยทางเฮลิคอปเตอร์ถูกต้องสาเหตุท่านหน่วยเหนือส่งเฮลิคอปเตอร์มารับสหายได้ไปพิสูจน์ราบบริเวณที่ฮอลงหรือไม่ว่านั่นคือการรับกลับไม่ใช่การนำกำลังมาเสริม พิสูจน์ทราบแล้วสหายท่านแต่ก็ไม่สามารถยืนยันแน่นอนได้ว่าเป็นการรับกลับหรือการส่งลงเพราะทั่วบริเวณไม่มีร่องรอยใดๆให้เห็นเลยแม้แต่รอยเท้าบนพื้นดินอย่างนั้นเหรอสหายใช่แล้วสหายท่านพอไม่ได้ลงสัมผัสพื้นแต่เป็นการลอยตัวบนอากาศแรงลมจากใบพัดทําให้ต้นไม้ต้นหญ้าปลิวกระจายลบรอยเท้าลอยเคลื่อนที่จนไม่เหลืออะไรเลยรอบๆ บ, บริเวณที่ห่างออกไปละ่ะถ้าเป็นการส่งลงกําลังเสริมสหายต้องค้นพบสิค้นแล้วไม่พบสหายท่านแล้วสหายแน่ใจได้ไงว่านั่นคือการมารับกลับ แน่นอนต้องรับกับสหายท่านไม่ใช่การส่งลงแน่เราขอยืนยันเพราะเราไปพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองกับกลุ่มสายนักลบดักโกงอีก8คนทุกคนยืนยันเหมือนกันหมดพอบอร้อยดักโกงตอบข้อซักถามชนิดคำต่อคำด้วยความรู้สึกมั่นใจไม่ตะกุกตะ ก, กักอ้อมค้อมหรือตอบไม่ตรงคำถามให้ชวนสงสัยเมื่ออาการหวาดเกรงต่อความผิดพลาดในหน้าที่ที่เกิดขึ้นในตอนแรกเปลี่ยนเป็นความพร้อมรับผิดชอบยินดีและปรารถนาใคราขอแก้ตัวใหม่ มองหน้าในทหารฝ่ายวางแผนเห็นท่าทางถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วอยากเอ่ยว่าจะอาสาขอออกสืบทอดภารกิจไล่ล่าศัตรูเสียเดียวนี้ให้รู้แล้วรู้รอดพันโทเดืองหามฝ่ายละสายตาจากผอบอร้อยดักกงหันไปขอความเห็นจากพันโทฟาร์วันหฮาวเพื่อกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติายท่านกรณีเนี้วานท่านชายชุดตัดสินใจที่สมควรสืบทอดภารกิจต่อไปอย่างไรก ล, ล้องผบพลกองพลทหารราบที่6กรเตยสี 4, หน้าเคร่งขึม กวาดสายตามองคณะนายทหารไในเพิงหมาเงานเรียงลําดับทีละคนแล้วกลับมาหยุดที่นายทหารฝ่ายวางแผนแตัดสินใจครั้งสุดท้ายหลังจากรับทราบเหตุผลต่างๆแล้วด้วยเสียงอันดังตามล่ากวาดล้างศัตรูกลุ่มนี้ให้ได้นายทหารหลายคนขยับเนื้อตัวจัดท่านั่งใหม่ความคิดบางอย่างสับสนในสมองก็ในเมื่อศัตรูถอนตัวออกจากพื้นที่ไปแล้วทําไมสหายท่านรองผอบบ่ลจึงสั่งให้ตามล่าอีก หรืจะมีเหตุผลอื่นที่แสดงว่าศัตรูยังอยู่ในพื้นที่ยากถามถึงความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากความเงียบเขาปกคลุมทั่วกลุ่มคณะนายทหารสักครูพันโทเดืองหามฝ่ายจึงเป็นฝ่ายทําลายความเงียบขึ้น่ายท่านมีความเห็นไหมว่าเราควรเริ่มต้นภารกิจบริเวณไหนจากที่นี่จากตรงนี้ตรงที่เราอยู่นี่แหละรู้สึกว่าสหายหลายๆท่านมีสิ่งสงสัยบา ง, ยางอย่างอยู่ในใจถ้ามีขอให้สหายถามได้เลยพันโทกวงนําหว่า มองตาลองผอบบอลพลขม็่งแล้วตั้งคำถามเป็นคนแรกสหายท่านสายสั่งการแบบเนี้แสดงว่าศัตรูยังไม่มีการถอนตัวแต่มีการเสริมกําลังใช่ไหมนั่นไม่ใช่ประเด็นหลักสหายกวงแต่สิ่งที่เราต้องคํานึงก็คือภายในสัปดาห์นี้หน่วยเหนือจะจัดส่งจรวดระยะยิงไกลจํานวน12แท่นมาประจําที่นี่เป็นอาวุธแนวตาของหน่วยเราเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันกรมประชาการและฐานยิงคือสิ่งสําคัญสุดแค่นี้สหายมองภาพภารกิจสืบทอดอุดมการ์ออกไหมเราเข้าใจสายท่าน ความสงสัยในภารกิจหมดไปแต่การปฏิบัติยังต้องได้รับการชี้แจงต่อทุกคนจึงละสายตาจากรองผอพลหันไปหานายทหารฝ่ายวางแผนเป็นตาเดียวพันโทเดืองหมฝ่ายเข้าใจความรู้สึกของสายตาเหล่านั้นดีต้องรีบรวบลัดสรุปแผนปฏิบัติสหาย จงสั่งการถึงสายนักลบจลยุทธ์ทุกหน่วยให้เล่งระดมคุ้มครองพื้นที่แนวทางสืบทอดอุดมการการสู้รบคือเมื่อพบศัตรูให้ทุกหน่วยจัลยุทธ์ลุกเข้าโจมตีทันทีทำการรบหน่วงเวลาเพื่อรอนหน่วยจลยุทธ์จากพื้นที่ข้างเคียงเข้าเสริมกำลังสถานการณ์ความได้เปรียบเสียเปรียบที่ก้ากึ่งกันนั้นหน่วยจัลยุทธ์จงรบแบบยืดเยื้อยาวนานเล่งทำการศึกษาหาจุดอ่อนศัตรูในทุกๆด้านหากไม่มั่นใจจงอย่าลุกเพื่อบรรลุขั้นแตกหักเป็นอันขาดรอจนกว่าสถานการณ์ สหายท่านกำลังที่เหนือกว่าคนมีเท่าไหร่ต้องไม่น้อยกว่า3เท่าหรือมากกว่าทั้งนี้ต้องแล้วแต่เงื่อนไขข้อพิจารณาอย่าลืมเมื่อศัตรูไร้การสนับสนุนจากหน่วยเหนือเสร็จแล้วก็ย่อมเหมือนคนที่ขาดแขนขาดขาดังเสือขาดเขี้ยวเล็บแม้สติปัญญาเจริญเลิเล่สักเพียงใดก็ตามคอยส่ายนักรบหน่วยจรยุทธ์จงเข้ากระทําการด้วยความชานฉลาดใช้ความคิดให้มากกว่าความกล้าหานชนิดมุ่งแต่เอาชีวิตข้อแรกหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟสหายท่าน สายนักรบหน่วยจรรยุ์ต่อภารกิจนี่สมควรเน้นหนักนะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นกรณีพิเศษหรือไม่พื้นที่ทุกตารางนิ้วมีความสำคัญเท่ากันหมดขอยทุกหน่วยยึดที่ตั้งกองบัญชาการกองผลเป็นศูนย์รวมของสนามรบกระจายกําลังกันออกไปและทําการรบด้วยความเ ส, รสรียสละทุกอย่างเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีใครสงสัยเพราะหลายๆอย่างตั้งเคยปฏิบัติมาแล้วสิ่งเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียวก็คือรบทันทีเมื่อพบไม่นานคําสั่งนั้นก็ได้รับการกระจายส่งถึงหน่วยจรรยุ์จนทั่ว ตอนที่19ร้อยเอกเจฮุกซุยผอบอร้อยดักกงต้องออกภารกิจสืบทอดอดุมการไล่ล่าศัตรูซ้ำอีกครั้งในฐานะผู้มีประสบการณ์กับศัตรูกลุ่มนี้โดยเฉพาะความผิดพลาดหนก่อนถือเป็นบทเรียนอันมีค่ายิงสำหรับการแก้ไขเมื่อต้องปฏิบัติใหม่ เหล่าดักกงนักรบอนาถาได้รับการปลุกระดมให้ตระหนักถึงหน้าที่แล้วรวมการตามแนวทางแห่งท่านโฮจิมินเพื่อปลดแอกให้แก่ประชาชนของสาพันธ์อินโดจีนและเพื่อขับไล่จักรวรรดินิยมนักล่านานิคมรูปแบบใหม่ต่างก็คึกเขิ ม, มุม่งมานะใครพบศัตรูอย่างเต็มที่หน่วยจลยุทธ์ใช้กำลังเพียงสี่คนเป็นหน่วยกำลังรบขนาดเล็กตามหลักการกองโจรกระจายกันจนทั่วพื้นที่สมรภูมิรบ พร้อมด้วยแผนการใหม่ตามแนวความคิดของผบอร้อยให้ทุกหน่วยจรยุทธ์ทำการฝังกับระเบิดทั้งในแบบและสแสวงเครื่องรวมไปถึงสิ่งกีดขวางหรือแจ้งเตือนสัญญาณแบบพื้นบ้านต่อพื้นที่ทุกๆจุดที่คิดว่ามีความสําคัญขาดว่าศัตรูต้องผ่านหรือเข้าไปเคลื่อนไหวทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้บอกว่ายังมีศัตรูหลงเหลืออยู่ในพื้นที่หรือไม่เกือบทั้งวันเต็มๆของวันแรกที่เริ่มภารกิจหน่วยจรยุทธ์ทยอยกันเข้าสู่จุดนัดพบเตรียมรายงานผลการสึกทอดอุดมการณ์สายท่าน ไม่พบร่องรอยศัตรูใดๆทั้งสิน้นสายท่านเหตุการณ์ทุกอย่างปกติไม่พบศัตรูการวางกับระเบิดเรียบร้อยสายท่านไม่มีการประทะไม่มีข่าวศัตรูไม่มีร่องรอยสหายท่านรัศมีจากจุดที่หอลงเมื่อเช้านี้ระยะ5กิโลเมตรจากยอดเนินถึงยอดเนินไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆ ข, ของศัตรูไม่พบร่องรอยสายท่านจากยอดเนินที่ศัตรูฝังตัวเมื่อคืนนี้รัสมี5กิโลเมตรไม่พบร่องรอยศัตรูไม่มีการประทะสหายนักรบของเราวางกับระเบิดป้องกันการมาของศัตรูอีกครั้งเรียบร้อยแล้ว ทุกๆหน่วยจะระยุ์รายงานด้วยข้อความและความหมายเดียวกันทั้งสิ้นไม่พบศัตรูไม่พบรพบ่องรอยใดๆพอบอร้อยดักงองทำท่าคล้ายคนอารมณ์เสียแต่กระสู้ระงับความรู้สึกนั้นไวพุ่งความสนใจทุกอย่างไปยังศัตรูอย่างแนว่วแน่มุง่งมันภาพศัตรูสองคนที่เห็นเมื่อวนันหวานสะท้อนขึ้นในความทรงจําพร้อมกับเล่งทบทวนเหตุการณ์ต่างๆว่าศัตรูเหล่านั้นแวกวงล้อมออกไปได้อย่างไรออกไปแล้วไปทางไหนทําอะไรภารกิจอะไรและอะไรคือความต้องการขศัตรูต่อการมาในครั้งนี้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ต้องการสังหารดักกงเวียดกงเท่านั้นที่ได้ลงมือกระทําไปแล้วเป็นแน่ภารกิจพิสูจน์ทราบหาข่าวกวาดล้างหรือพบกันโดยบังเอิญล่าตะเวนแล้วผ่านไปเลยหรือฝังตัวอยู่ประจำในพื้นที่บางเรื่องในจํานวนหลายๆเรื่องตามประสานนักรบกองโจรที่ต้องพยายามขบคิดสําหรับการค้นหาคําตอบเริ่มจากภารกิจที่ศัตรูน่าจะทําก่อนเขาหาคิดความสามารถศัตรูเคลื่อนไหวเงียบ เร็วไร้ล่องรอยไม่ปรากฏรหัสสัญญาณทั้งก่อนมาและก่อนไปศัตรูมีขีดความสามารถในการสังหารยิงปืนแมน่นใช้อาวุธได้ดีแม้ยามกลางคืนศัตรูแสวงประโยชน์จากพายุฝนทําการยิงจนไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเหล่านี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากศัตรูเข้ามาในพื้นที่การรบแล้วครันวิเคราะห์ให้ลึกอย่างละเอียดถี้วนพบร้อยดักปงยังพบอีกนานาเหตุผลศัตรูเข้าสู่พื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยวิธีใด ศัตรูรู้ได้อย่างไรว่าบริเวณไหนมีดักกงเวียดโกงแล้วก็วกเข้าหาเหตุการณ์ปัจจุบันที่เพิ่งผ่านพ้นในช่วงวันสองวันมานี้ยิ่งต้องคิดหนักบางครั้งศัตรูทําการสังหารแบบสลายกําลังไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวแต่บางครั้งกลับจงใจให้รอดชีวิตทั้งที่สามารถเก็บทุกคนได้ศัตรูเหมือนกระหายใครข้อหาเยื่อสังหารแต่เมื่อวานกลับไม่ทํา ท, ทั้งทั้งที่เห็นตําตาว่าเวียดโกงดักกงกําลังปิดหลอมการหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อวันหวาน อาจเป็นเหตุผลเดียวกันกับความล้มเหลวในการค้นหาพิสูจน์ทราบในวันนี้สตรูยังอยู่ในพื้นที่แต่ดักกงหาไม่พบเองถึงบทนี้ผอบอร้อยดักกงอยู่เฉยนิ่งไม่ไหวเรียกหาลูกน้องคนใกล้ชิดเข้ามาปรึกษาและสั่งการสหายภูมิประเทศที่สหายราดตัวเวเียนไปนะเป็นป่าทึบหรือป่าโปร่งก็มีทั้งทึบและโปร่งนั่นแหละสหายท่านสหายแน่ใจนะว่าแม้แต่บนคบไม้ยอดไม้ทึบแหลงฝังตัวสูงสูสหายตรวจละเอียดแล้ว แน่นอนสายท่านแม้เราไม่พบตัวมันแต่เมื่อมันพบเรามันก็ต้องยิงเราไม่ใช่เหรอไม่แน่เสมอไปหรอกสหายหากศัตรูไม่มั่นใจในความได้เปรียบศัตรูย่อมต้องเก็บตัวเงียบไว้ก่อนกลยุทธ์ง่ายๆแบบเนี้ยเราเชื่อศัตรูคงเข้าใจแล้วก็ทําได้ดีด้วยเหมือนอย่างเมื่อวานศัตรูเห็นเราแล้วทําไมไม่ต่อสู้หรือป้องกันตัวแมตต์รี่เพนนีก็ไม่ทําถ้าเช่นนั้นศัตรูคงถอนตัวกลับไปแล้วอย่างที่สหายท่านพูดนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าศัตรูยังไม่ได้ถอนตัวกลับไปล่ะ ก็ต้องออกไล่ล่าต่อไปสิสหายท่านดำรงสืบทอดอุดมการ์ต่อไปสืบทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างแน่นอนพอบอรอยไม่ออกความเห็นแต่รู้สึกพอใจในความแน่วแน่หันไปหาลูกน้องหน่วยจรรยุ์อีกชุดหนึ่งซึ่งปฏิบัติภารกิจกันคนละพื้นที่สหายใกล้ๆพื้นที่ที่ฮอร์่อนลงเมื่อคืนเนี่ยเป็นที่รุ่มมีน้ําขังไม่ใช่เหรอถูกต้องสหายท่านแต่เชวส์ศัตรูคงไม่ได้เคลื่อนที่ไปทางนั้นเพราะไม่มีรอยเท้าคนเดินเลยแม้แต่รอยเดียวหรือไม่ก็ต้องไปใช้เส้นทางอื่น เส้นทางอื่นสหายอ่านหมายถึงบริเวณตรงข้ามแต่บริเวณนั้นก็มีหน่วยจรยุทธ์ฝังตัวอยู่นี่นาใช่แล้วสายท่านหน่วยจรยุทุตหน่วยนี้อยู่ห่างจากจุดที่หอร่อนลงเกือบกิโลเมตรความมืดช่วยได้เพียงแค่ได้ยินเสียงเท่านั้นเวลาที่หอร่อนลงก็น้อยมากจนหน่วยจรยุทธ์เคลื่อนที่เข้าหาไม่ทันจากจุดนั้นสายเคลื่อนที่ไปทางเหนือซึ่งมียอดเนินอีกลูกหนึ่งซึ่งเหมาะแก่การตั้งฐานลอยเป็นอย่างมากสหายได้ไปตรวจหรือเปล่าไปตรวจสิสหายท่านสหายท่านคิดหรือว่าศัตรูจะรู้จักยอดเนนนนิัน้ รู้สิศัตรูต้องรู้เพราะศัตรูมีแผนที่รอบๆ บ, บริเวณลอดลงของหอในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรไม่มีพื้นที่บริเวณไหนที่เหมาะแก่การฝังตัวก่อนออกปฏิบัติการได้ดีเท่าเนินยอดนั้นเพราะฉะนั้นศัตรูต้องไปที่นั่นแต่ศัตรูถอนตัวไปแล้วนะสายท่านพอบอ ร, ร้อยดักกงถอนใจเฮือกใหญ่นึกถึงคําพูดของรองผบอผลฝ่ายการทหารขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็เกิดความลังเลจากเหตุผลที่รับทราบมาเมื่อเปรียบเทียบผลการรัตะเวนในยามนี้ทุกอย่างล้วนขัดกันจนเป็นตรงข้าม ขณนั้นดักกงก็หาได้ยอ่อท้อไม่วินัยบวกกับอุดมการ์ที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดทําให้จิตใจเฮี้ยมเกลี่ยมฝังติกอยู่กับค่าศึกว่ายังอยู่ยังอยู่และยังอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวสายท่านเราจะเอาแต่ปรึกษากันอยู่อย่างเนี้ยเหรอลูกน้องทักทวงขึ้นพอบร้อยมองหน้ามันเห็นลางๆท่ามกลางความมืดแล้วกวาดสายตาไปรอบๆดูลักษณะทางธรรมชาติของภูมิประเทศข้างกายก้อนตอบคําถามแล้วสายคิดว่ามีทางออกเพื่อสืบทอดอุดมการอย่างไงบ้าง ทำไมเราไม่ล่าตัวเวนต่อตอนกลางวันศัตรูอาจอยู่กับที่ฝั่งตัวนิ่งแล้วทำการเคลื่อนไหวตอนกลางคืนโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่เหรอที่เราสามารถรเผชิญหน้ากับมันได้อย่าเลยสหายกลางคืนความมืดแบบนี้สายนักรบของเราเสียเปรียบมากเสียเปรียบยังไงสหายท่านมือต่อมือต่างคนต่างมองไม่เห็นกันใจใครกล้ า, ามือใครแน่คนนั้นก็มีสิทธิชนะนะ ถูกต้องถ้าศัตรูคนนั้นเป็นคนอื่นแต่สําหรับศัตรูชุดเนี่ยสหายต้องพิจารณาให้ดีว่าสหายนักรบของเราทั้งดักโกงเวียดกงล้วนแต่ถูกสลายกําลังตองกนกลางคืนทั้งสิ้นโดยที่สหายนักรบของเราไม่มีโอกาสได้เห็นตัวมันไม่ได้ยินแม้แต่เสียงปืนว่าทําการยิงมาจากทางไหนสหายคิดออกไหมศัตรูกระทาการอย่างนี้ได้อย่างไรคราวนี้ลูกน้องต้องนิ่งอึงไม่ใช่กลัวแต่กําลังคิดว่าศัตรูทําอย่างไรจากคําบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนที่ประสบเหตุการณ์มาด้วยตัวเองทุกคนต่างยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันหมด เราคิดไม่ออกหรอกสหายท่านนอกจากจะบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝีมือเท่านั้นสหายหมายความว่าดักโกงเวทโกงกลุ่มนั้นฝีมือยังไม่ถึงขั้นใช่ไหมสหายอย่าลืมนะดักโกงทุกคนผ่านการลบมาอย่างโชคชนสามารถเอาชนะศัตรูจกักรวรรดิอเมริกามานับครั้งไม่ท่วนก็อาจไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสหายท่านเพียงแต่ว่าศัตรูกลุ่มนี้อาจจะเก่งกว่าศัตรูกลุ่มอื่นๆ อ, อีกทั้งโอกาสความได้เปรียบบางอย่างเข้ามามีส่วนช่วยด้วยชัยชนะจึงตกก่ฝ่ายศัตรูทุกครั้งเลยใช่ไหมสหาย ไม่รู้เราไม่รู้รู้แต่ว่าครั้งเนี้ศัตรูคงเอาชนะพวกเราไม่ได้แล้วเท่านั้นแหละเอาเถอะสหายการรบกับศัตรูกลุ่มเนี้ต้องใจเย็นแล้วก็ต้องใช้ความฉลาดสขุมอย่างมากๆจากบทเรียนการสู้รบที่ผ่านมายังมีหลายๆอย่างที่ฝ่ายสายนักรบของเราค้นหาความจริงไม่พบใครๆก็ไม่เชื่อศัตรูเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้ศัตรูน่าจะมีอะไรที่เหนือความสามารถของนักรบทั่วไปสายท่านหมายถึงอะไรก็ อาวุธพิเศษหรือเครื่องช่วยอะไรสักอย่างเพราะจากกวัิอเมริกานั้นมักชอบคิดค้นสร้างอาวุธชนิดใหม่ๆ ม, มาเสมอนี่เพียงเท่านี้ลูกน้องหลายๆคนก็เริ่มมองออกแล้วว่าความหมายที่แท้จริงของผอบบอร้อยนั่นหมายถึงอะไรคำพูดของคนเจ็บคนได้รับการเว้นชีวิตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าศัตรูสามารถมองเห็นในความมืดได้ศัตรูใช้ปืนชนิดไม่มีเสียงศัตรูมีเครื่องช่วยเล่งจึงสามารถทําการยิงเจาะแสกนหนาผักจับจุดตายได้ ด, ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวหลายคนถึงกับใจหายว่า เกิดอาการขนลุกขึ้นมาทันทีบางคนเริ่มสอดสายใสยตามองไปรอบกายแม้มองไม่เห็นอะไรแต่ก็ต้องมองเพราะนั่นคือสัญชตาตญาณกลัวตายของมนุษย์สายท่านถ้างั้นตอนกลางคืนเราไม่สมควรออกจระยุชใช่ไหมถูกต้องสหายจนกว่าจะพิสูจน์ทราบได้ความละเอียดเกี่ยวกับศัตรูกลุ่มนี้ถ้ายังงั้นงานสืบทอดอุดมการไล่ล่าศัตรูไม่ล่าช้าไปหรอกเหรอความจําเป็นมันบังคับมันเป็นเรื่องที่ต้องจําเป็นต้องจํายอมหาไม่สายนะรบจะพากันเดินเข้าหาความตายเหมือนอย่างคนอื่นๆที่โดนกันมาแล้ว นั่นก็เป็นเพรไม่รู้ตัวแต่คนของเรารู้ตัวแล้วแล้วก็เรามาระวังอย่างดีไม่มีความหมายเลยสหายตราบใดที่ศัตรูยังสามารถมองเห็นเราได้ตามที่เราสงสัยตราบนั้นสหายไม่มีทางหลบรอดวิถีกรสุนนั้นแม่นยำขอศัตรูได้เลยแล้วถ้าเช่นนั้นเรามีโอกาสเพียงตอนกลางวันเท่านั้นนะสิใช่นี่คือหนทางแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าตอนกลางวันศัตรูกดดานเงียบเพราะรู้ว่าไม่สามารถคลองความได้เปรียบเหนือฝ่ายเราแล้วทำไงถึงจะค้นหามันพบละสหายท่านร่องรอยหลักฐานการเคลื่อนที่ยังไงละสหาย ถ้าพบเราจะทํายังไงแกะรอยเฝ้าเกาะปิดล้อมทะลวงเข้าชนใช้มือล่อลวงพลางตั้งหลายกลยุทธ์ไม่ใช่เหลือสหาหัสวิธีการทําให้ศัตรูเปิดเผยตัวออกมาเนะ่ยไม่ยากหรอกขอแต่ให้รู้หรือประจักษ์ว่ามันฝังตัวบริเวณไหนเท่านั้นแหละโอกาสมีเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นนะสหาหัสท่านไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่มีโอกาสเอาซะเลยเราเชื่อภายในวันสองวันเนี่ยปริศาต่างๆค ง, งคลี่คลายถึงวันนั้นเราคงยืนยันได้อย่างเต็มที่ว่าอะไรไปอะไรตกลงเรายินดียึดถือแนวความคิดของสหาหัสท่าน ลูกน้องต่างพากันถอนหายใจแรงรู้สึกโล่งไปทั้งตัวเมื่อบรรลุเหตุผลและแผนการต่างๆของพอบอร้อยท่ามกลางความเงียบของเราป่าที่มืดสนิทนั้นพรันเสียงหนึ่งดังขึ้นจากดักกงส่วนระวังป้องกันสายท่านสัญญาณนกกลางคืนมีคนเข้ามาใช่แล้วสายคนของเราเองไม่รู้เป็นสายนักรบคนไหนมาทำไมกลางคืนมืดๆอย่างนี้ไม่ใช่สายดักกงแต่เป็นสายเวทกง ทุกคนต่างเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปทางทิศนั้นไม่นานเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนสี่คนก็เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อระยะห่างเราๆยี่ิบถึงสาสิบเมตรเสียงย่ำเท้าดังเบาๆพอได้ยินคู่กับเสียงอากาอาพีกีที่กระทบเนื้อตัวร่างกายคงมีข่าวอะไรสักอย่างถึงสายนะักรบกลุ่มเราแน่พอบอกร้อยปเปลยขึ้นด้วยเจตนาให้เสียงมากกว่าจะถือเป็นจริงเป็นจังเราผู้มาเยือนย้ำวิการก็ถึงตัวมองเห็นหน้าท่าทางกันชัดเจนยิ่งขึ้น ตอนที่20เวียดกงกำลังลบหลักของกองทัพเวียดนามเหนือเนื่อจรายุ์4คนอาวุธอากาอาพีจีอย่างละ2พร้อมกระสุนอะไรระเบิดสักระเบืออีกคนละ 3-4 ลูกค้อยข้างเอวเพียงเท่านี้นักรบก็สามารถออกปฏิบัติการได้ไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีสิ่งอุปโภคอื่นใดทั้งสิ้นใบหน้าแจ่มาสสดชื่นท่าทางรื่นเริงไร้กังวล จิตใจห้าวหาญพร้อมรับมือทุกสถานการณ์แต่ละคนฝังตัวอยู่ในพื้นที่การรบอาศัยป่าเป็นบ้านมีเสียงธรรมชาติเป็นเครื่องขับกล่อมมาเป็นเวลานา น, านแสนานานโดยแม่อนาทรเรียกร้องหาสิทธิมนุษยชนอันพึงมีตามกฎเกณฑ์ของอารยาประเทศที่ร่วมกัน ก, นกำหนดขึ้นหน่วยจรรยุทธ์เวทกงได้รับการพิสูจน์ทราบคนหาและไล่ล่าศัตรูเช่นเดียวกับดักกงเมื่อมีข่าวสำคัญเกี่ยวข้องกับภารกิจจำเป็นต้องเข้าหาหน่วยกำลังรบที่มีขนาดใหญ่กว่า อขอรับการสนับสนุนกําลังอาวุธทั้งสี่ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงด้วยความชํานาญเส้นทางรัดรับจนมาถึงบริเวณฝั่งตัวของกองร้อยดักกงเสียงพอบอร้อยดักกงกล่าวทักขึ้นก่อนสแสดงถึงอัญญาศัยไมตรีอันดีสหายมีภารกิจอะไรเร่งด่วนนักเหรอถูกต้องท่านศาสเตอเจียเกี่ยวกับเรื่องขศัตรูกลุ่มนั้นนั่นแหละว่ามาเลยสหายหนูจุยุทธของเราค้นพบล่องรอยหลักฐานของศัตรูจริงเหรอสหายจังรายละเอียดมาสิสายพบหลักฐานร่องลอยอะไร หนวดจรยุทธของเราพบหมักฝรั่งกินแล้วติดอยู่กับเปลือกไม้ห่างออกไปไม่มากนักพบกระป๋องเปล่าฝังดินเป็นกระป๋องขนมปังกับกระป๋องเนื้อที่ศัตรูจักกวรดอเมริกากินเป็นประจำแสดงบริเวณน้ำเป็นฐานลอยหรือไม่ก็เป็นจุดพักขบวนเดินของศัตรูถูกต้องสายท่านบริเวณสายค้นพบ อ, อยู่ที่ไหนห่างจากยอดเนินลูกที่สายท่านปิดล้อมเมื่อวานนี้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหกิโลเมตรบริเวณนั้นเป็นป่าปโปร่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นห่างๆสามารถตรวจการได้รอบทิศทางเข้าออกทางไหนก็ได้แล้วสายค้นพบเมื่อไหร่ตอนบ่ายของวันนี้เอง ดีมากสหายพอบอร้อยดักโกงยิ้มดุเหนือมุมปากความคิดล่นปลุดปลัดอยู่ในสมองเพ่งสายตาฝากความมืดสุดชายป่าทางทิดตามข่าวศัตรูด้วยแววตาแข็งเกร้าความรู้สึกภายในเปลี่ยนจากร้อนกลายเป็นเย็นขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวสครูจึงปล่อยเสียงหัวเราะเบาๆรอดออกมาจากลําคอแล้วหันมาหาทางสหายนักรบเวี้ยโ ก, กงอีกครั้งสหายหลักฐานศัตรูที่ตรวจพบนั่นอนะ่ะพอประมาณได้ไม้มผ่านไปกี่ชั่วโมงหรือนานสักเท่าไหร่ มาฝรั่งยังอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมติดอยู่กระป๋องขนมปังกระป๋องเนื้อยังมีกลิ่นติดรอยขุดดินฝังกระป๋องก็ยังใหม่คาดว่าศัตรูก็ทําการในช่วงเช้ามือก่อนออกเดินทางต่อดีมากสหายสายทํางานสืบทอดอุดมการได้ละเอียดถี่ถ้วนดีมากนอกจากหลักฐานสองอย่างนี้แล้วยังมีหลักฐานอื่นอีกไหมมีสิสหายท่านจากจุดที่ตรวจพบหมาฝรั่งกับเศษกระป๋องไปทางเหนือผ่านป่าละมอไม้พุ่มราวสามร้อเมตรสายนักลบตรวจพบก้นบุหรี่ยี่หอ้อเพามอง ถูกโซนรองเทา้ากดขยี้ลงดินเหนือขึ้นไปสองร2อยเมตรพบรอยรองเท้าเดินป่าแบบที่ศัตรูชอบใช้เหยียบลงบนพื้นดินอ่อนกับพื้นยอดยญ้าสามสี่รอยถูกรอยยังสดใหม่สแสดงว่าศัตรูเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงดีมากสหายจุดนั้นห่างจากที่นี่แค่ห้ากิโลเมตรกว่าสายนักรบดักงงใช้เวลาเคลื่อนย้ายไม่ถึงชั่วโมงก็เข้าไปชิดได้แล้วแนวทางสืบทอดอุดมการค้นหาศัตรูกุมของสหายทำอย่างไร ขณะนี้สหายนักรบของเราแปดคนกําลังแกะรอยต่อตั้งใจไว้ว่ามืดที่ไหนหรือมองไม่เห็นกระทั่งแกะรอยไม่ได้จึงจะหยุดฝังตัวแล้วค่อยออกสืบทอดอุดมการต่อในวันรุ่งขึ้นถูกต้องแล้วสหายเหนือจรยุทธ์เวทโกงสืบทอดรวมการถูกต้องแล้วพอบอกรอยดักโกงกวาดสายตาสํารวจใบหน้าลูกน้องเรียงทีละคน เพื่อค้นหาความรู้สึกภายในหลังจากทราบข่าวศัตรูแม้ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันศัตรูยังคงฝังตัวอยู่ในพื้นที่ทุกคนก็สามารถเข้าใจเองได้ในความมืดสลัวนั้นแววตาของนักรบเป่งประกายเ จ, จิดจ้าสะท้อนแสงดาวยังเห็นได้ชัดบ่งบอกถึงอารมณ์กระเฮี้ยนกระหือลือใครตามไปเผชิญหน้าศัตรูโดยเร็วแต่ผอบบออยยังใจเย็นสักสายหารายละเอียดจากหน่วยจนยุ์เวทกงต่ออีกสหาย ระหว่างที่สายนักรบ8คนออกแกะรอยตามมีสายนักรบหน่วยอื่นทำหน้าที่คอยเสริมกำลังบ้างหรือเปล่าสหายท่านมีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีเราไม่ได้แจ้งตรงถึงสายนักลบหน่วยอื่นแต่ในพื้นที่มีกลุ่มสายนักรบเคลื่อนไหวสืบทอดอุดมการ์อยู่แล้วเมื่อสถานการณ์ปะทะเกิดขึ้นสายนักรบเหล่านั้นก็สามารถลุกเข้าเสริมได้ภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ถูกแล้วสหาย หลักนิยมทําการลบผงหน่วยจลยุทธ์ต้องถือเป็นเอกภาพทุกหน่วยมีเสรีการปฏิบัติภายใต้แนวทางของนโยบายอันเดียวกันสแสดงว่าสายนักรบทุกกลุ่มเข้าใจหลักการปัญหามีอยู่ว่าหากสายนักรบเวียดกงกระจายกำลังกันออกครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางเช่นนี้ศัตรูจะกล้าเคลื่อนไหวเหรือไม่ก็กบดานเงียบเก็บตัวรอจนกว่าความเคร่งครัดผ่อนคลายลงเราค่อยว่ากันใหม่ก็ได้นะถ้าเป็นแบบนี้สายท่านคิดว่าสมควรแก้ไขยังไงไม่ต้องแก้ไขหรอกสหาย การทำให้ศัตรูหยุดปฏิบัติการทุกรูปแบบลงก็ย่อมถือว่าเราสามารถยับยั้งศัตรูได้สำเร็จระดับหนึ่งหากฝ่ายเราทำได้นานเท่าไหร่ศัตรูก็ย่อมอ่อนล้าลงมากเท่านั้นเพราะขาดการสนับสนุนจากหน่วยเหนือสุดท้ายศัตรูก็ต้องผลาออกจากพื้นที่ไปเองหากเป็นเช่นนั้นการสลายกำลังศัตรูไม่ล้มเหลวหรือสหายท่าน ถูกต้องเมื่อได้อย่างหนึ่งก็ต้องสูญเสียอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามย้ายแนวทางตามนโยบายของชั้นเหนือเสียก็แล้วกันเพราะนั้นมันหมายถึงอุดมการแห่งท่านโฮจิมินด้วยใช่เราสายท่านเพราะฉะนั้นสายนักรบทุกคนต้องพยายามพิสูจน์ทราบค้นหาศัตรูให้ได้แล้วจัดการสลายกำลังมันให้สิ้นรากบรรยากาศในป่าทึบเงียบลงเมื่อดักโกงเวียดกงพากันหยุดพูดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเสียงเครื่องบินตรวจการคำรามหึ่งๆอยู่บนท้องฟ้าเบื้องสูงหมดปัญญาจะมองเห็น นอกจากใต้ร่มไม้ใบบางแล้วยังเป็นยามกลางคืนอีกบรรดาลูกน้องอ่าจไม่สนใจนอกจากคิดตะเพียงว่านั่นคือเสียงเครื่องบินแต่ผอบบอร์ดดักกงกับคิดไปไกลลึกซึ้งกว่านั้นสหายสายสังเกตบ้างไหมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตายของสายนักรบดักกงที่ถูกศัตรูกลุ่มนี้สังหารทุกๆสิบสองชั่วโมงตอนเช้ามืดกับตอนค่าจะต้องมีเครื่องบินแบบเนี้บินมาเป็นประจำสายตาทุกคู่พยายามเพ่งฝ่าความมืดหมายให้ทะลุ ก, กิ่งก้านใบหนาไปทางทิศ ต, ตำแหน่งของเสียงเป็นจุดเดียว ใครคนหนึ่งเปลยออกมาเบาๆได้ยินกันทั่วสายท่านเครื่องบิน OV10 เครื่องบินลาตะเวนตรวจการถูกแล้วสหายใช้ถ่ายภาพทางอากาศได้ด้วยถ้าต้องการสายท่านเป็นไปได้ไหมว่าเครื่องบินเครื่องนี้คือหน่วยสนับสนุนให้กับศัตรูคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกสหายลําพังแค่เครื่องบินตรวจการบันทึกอะไรไม่ได้หรอกอาวุธติด ต, ตัวก็ไม่มีมาแค่เครื่องเดียวโดวยยิ่งทําอะไรไม่ได้ใหญ่เลยทําอะไรไม่ได้แล้วมันมาทําไมล่ะสหายท่านนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องค้นหาคําตอบให้ได้ เท่าที่สังเกตดูทุกครั้งเครื่องบินเครื่องเบินวนเวียนอยู่ภายในรัศมีไม่กี่กิโลเมตรบินครั้งหนึ่งก็นานเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นสายคิดว่าศัตรูกําลังทําอะไรล่ะค้นหาที่ตั้งของเราใช่ไหมสายท่านทําไม่ได้หรอกกลางคืนมืดอย่างเนี้ยส่งอาหารอาวุธกระสุนให้กับหน่วยปฏิบัติการทางพื้นดินก็คงไม่ใช่เพราะบินสูงเกินไปเครื่อง OV วีบรรทุกได้ไม่มากหากจําเป็นศัตรูคงใช้เฮลิคอปเตอร์หรือไม่เครื่องบินลำเลียงอย่างอื่นแล้วก็ต้องบินต่ํากว่านี้ด้วย คำถามคำตอบกลายเป็นแนวทางวิเคราะห์การปรากฏตัวของเครื่องบินศัตรูได้เป็นอย่างดีนักรบเวียดนามพยายามใช้ความคิดด้วยการทบทวนประสบการณ์ในอดีตที่เคยพบมานำมาผสมผสานกับเหตุการณ์ปัจจุบันแ่ท่านเป็นไปได้ไหมว่าโอวีิเครื่องเนี้ยมาที่นี่เพื่อติดต่อรับส่งข่าวสารพอบอร้อยดักกงถึงกับลืมตาโพงอ้าปากค้างทั่วใบหน้าแสดงแววตาแห่งความพอใจอย่างเห็นได้ชัดตบฝ่ามือเบาๆลงบนไหล่ลูกน้องเจ้าปัญญาอย่างสนิทสนมรักใครละล่ำละลักตอบทันที ถูกต้องถูกต้องแล้วสายสายท่านศัตรูทางพื้นดินกับเครื่องบินติดต่อกันทางวิทยุจําเป็นต้องใช้สายอากาศสูงไหมลูกน้องคนเดิมออกความคิดต่อด้วยความมุ่งหวังจะใช้เป็นเครื่องชี้ทางเข้าหาแหล่งฝั่งโตของศัตรูผอบบอกร้อยหัวเลาะลัน่นมันมีคําตอบทุกอย่างพร้อมแล้วใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ข้อนี้ไม่จํากัดอย่าลืมว่าศัตรูจอร์รดนอเมริกามากักมีเครื่องมือสื่อสารดีๆใช้เสมอหากเป็นวิทยุรุ่นใหม่อาจไม่ต้องใช้แต่ถ้าเป็น PRC ยี่สอย่างเก่าก็คงจําเป็นต้องใช้ ถ้าอย่างนั้นเราคงค้นหาที่ตั้งของมันไม่ยากอย่างน้อยก็อาจจะสังเกตเสาอากาศได้ใช่ไหมสายท่านถูกต้องนอกจากนั้นเรายังรู้ได้อีกด้วยว่าถ้าถึงเวลาแล้วโอวีสิบบินมาที่นี่หรือบินไปที่ไหนบริเวณนั้นภายในรัศมีสิบกิโเมตรต้องเป็นจุดฝังโปรของสตรูหมายความว่าเครื่องบินโอวีสิบอยู่ที่ไหนสตราต้องอยู่ที่นั่นด้วยหรือส า, ายคิดว่าไม่ใช่ล่ะจริงจริงเรื่องนี้ต้องเป็นความจริงแน่สายท่านว่าแต่ว่า กว่หน่วจลอยู่สายนักรบจะเดินทางถึงบริเวณที่ OV10 ทาการบินศัตรูไม่เคลื่อนย้ายห่างออกไปแล้วเหรอไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยศัตรูก็อาจทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้สายนักรบของเราแกะรอยตามได้กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เหรอถูกแล้วสหายถึงอย่างไรก็ยังดีสู้ได้เห็นหน้ากันเดี๋ยวนั้นเลยไม่ได้การแกะรอยถ้าทำดีก็ได้ผลดีแต่ถ้าพลาดก็ถูกศัตรูย้อนรอยฝ่ายสายนักรบอาจเสียทีเอาอย่างนี้ดีกว่า นั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนี่เราต้องการประทะกับศัตรูกลุ่มนี้ตามแผนการลบแบบยืดเยื้อยาวนานทําการลบหน่วงเวลารอศึกษาจุดอ่อนศัตรูพร้อมกับรอกําลังเสริมของสายนักรบหน่วยใกล้เคียงเพราะฉะนั้นสายนักรบทุกคนทุกหน่วยจรยุทธ์ต้องไม่หลีกเลี่ยงการประทะทุกกรณีนี่ น, นะต้องทําการให้ศัตรูเปิดเผยตัวเองเออกมาให้ได้นั่นแหละโอกาสชนะจึงจะเกิดนะ ถ้าเช่นนั้นทําไมเราไม่ออกเดินทางตาม O V สิเครื่องนั้นไปเลยตั้งแต่คืนนี้ล่ะสายท่านไม่ได้ยังตามตอนนี้ไม่ได้แต่ขอให้สายนักรบทุกคนหมายตาตำแหน่ง O V สิเครื่องนั้นเอาไว้แล้วเช้า่าอาออกเดินทางดีกว่าทําไมล่ะสายท่านในเมื่อเรารู้อยู่แล้วเวลานี้ศัตรูกลุ่มนั้นอยู่ที่ไหนบนเส้นทางข้างหน้าก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องประทะนะเราไม่ได้ห่วงเรื่องประทะแต่เราห่วงเรื่องกับระเบิดที่สายนักรบหลายๆหน่วยวางดากักเอาไว้กลางคืนอย่างนี้อันตรายมากคลาดขึ้นมาศัตรูจะรู้ตัวทันทีว่ามีกําลังฝ่ายเราออกลลล่าตอนกนกงคื เพราะฉะนั้นปล่อยให้มันใจเย็นตายใจไปก่อนดีกว่าแล้วถ้าหากว่าตอกนกลางวันศัตรูกบดานฝังตัวเงียบแต่เราเคลื่อนที่ฝ่ายเราไม่ต้องตกเป็นเป้าหมายเหรอก็ดีสิสหายเราต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเราต้องการเปิดฉากประท้ายังไงเล่าลูกน้องหลายๆคนมองเห็นภาพตามแผนที่ผอบร้อยยกมากล่าวอ้างพยายามระงับอารมณ์ทําใจให้เย็นทั้งที่เลือดในกายกําลังฉีดแรงเกิดอาการกระหายใคร่เข้าหาศัตรูเสดเดี่ยวนี้ท่านทําไมเราไม่สร้างสถานการณ์ปลอมขึ้นมาหลอกศัตรูหลอกยังไงสหาย ก็หลอกว่ามีกำลังฝ่ายสหายนักรบอยู่ตรงนั้นตรงนี้ในขณะที่กําลังโซนหนึ่ง 1, ปิดลับแล้วรอไว้ถ้าศัตรูเข้าหาจุดหลอกจุดปิดลับให้เร่งทําการชาร์จเข้าหาเลยดีดีมากสหายถ้างั้นเราเล่นแผนนี้กันเลยวันพรุ่งนี้ตอนที่ยี่สิบเอ็ดนอสตาจากแซมอนเปลี่ยนโอเคว่ามาเลยแซมอนมีอะไรอีกไอ้บีีน่ะสิบีซเจ้าเก่านั่นแหละรายละเอียดสิทุกอย่างเหมือนเดิม อา้าเหมือนเดิมเราเรียกมันทำไมก็ในเมื่อมันเหมือนเดิมเราก็ต้องเหมือนเดิมอย่างมันสิเฮ้ย hey, คุณไม่แตะใจอะไรเลยเหรอโทแซมอนนี่ถ้าคุณเป็นทหารลาวทหารมงน้ำผมด่าเสียคนไปแล้วมันมีอะไรก็ว่ามาสิขยักขย่อนแบบนี้กี่ร้อยปีจึงจะรู้เรื่องแลวเว้ยนอสตาร์นี่เข้าวันที่สามแล้วนะที่เราถูก V.C. ีโดยเฉพาะชุดของผมอะถูก VC ีแกรอยตามมาแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ วีซีมีการเปลี่ยนหน้ากันทุกวันทำอย่างกับจัดถัดกันแกะรอยอย่างนั้นแหละทุกๆ12ชั่วโมงต้องเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดขนาดนี้คุณยังว่าไม่ไตกเหรอเอาล่ะเอาล่ะซมมอนคุณฟังผมให้ดีนะก่อนที่คุณจะสามารถพูดวิทยุได้ชอด็ชอตๆแบบเนี้แสดงสถานการณ์ด้านคุณยังถูกแกะรอยแบบนิ่มๆอยู่ใช่ไหมใช่ถูกต้องระยะห่างเกือบ500เมตรแหล่งกำบังไม้ใหญ่ป่าปโปร่งสำหรับป่าไม้พุ่มผมแอบหลังกำบงังใช้วิทยุได้แกะรอยแบบนิ่มๆของคุณมัาเป็นยังไงผมไม่เห็นรรู้้เื่องดวย โอเคช่ okay, างเถอดแซลมอนว่าเรื่องนี้ต่อดีกว่าคนของคุณที่ยอมให้ถูกแกะลอยยังคงใช้6คนเดิมตามแผนใช่ไหมใช่ยังเป็นหคนเดิมหน้าเดิมด้วยโอเคเวลิกูดที่เหลืออีกหคนยังคงปิดลับได้ดีเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไ v บซยังจับระแคะระคายอะไรไม่ได้หรอกขณะนี้6คนปิดลับสามารถมูฟตาม6คนตัวรอของคุณได้ดีใช่ไหมใช่6คนตอนเนี้ผมแบ่งออกเป็น2ชุดชุดละสารักษาปีก2ด้านทําการมูฟตามด้านข้าง ข, างของแนวผม ห่างไปราวห้าร้อถึงเจ็ดรอเมตรในตอนกลางวันแล้วก็บีบเข้าหาระยะสอง้อยถึงสามรอยเมตรในตอนกลางคืนระยะใกล้ไกลแล้วแต่ความหนาแน่นของป่าในภูมิประเทศตลอดเวลามีการติดต่อวิทยุรายงานสถานการณ์โอเคเฟลิกูดชุดปิดลับที่ปีกอะสามารถตรวจการที่ตั้ง V ีซได้ดีทุกฝีก้าวเลยใช่ไหมใช่ผมตรวจสอบเสมอโดยเฉพาะจานวนวีซมีการเพิ่มหรือลดผมต้องทราบทันทีเรื่องรายงานทางวิทยุนี่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอหรือว่าคุณไม่ได้สแตนบายเครื่องช่างเถอะผมถามเพราะความแน่ใจต่างหาก โอเคเมื่อ VC แกะรอยไม่มีการเพิ่มคนก็แสดงว่ามันยังไม่พร้อมจะเปิดเกมกับเราเพราะฉะนั้นคุณหมดห่วงได้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะนอสตราวิธีวิธีบ้าๆอะไรข อ, ของคุณก็ไม่รู้ผมก็ต้องถูโรคประสาทกินตายอยู่แล้วทำไมล่ะแซมอน VC มันก่อความลำคาญอะไรให้คุณนักหนาเลรอ ลำคาญสิทำไมจะไม่ลำคาญทำอะไรทีไม่สะดวกกันเลยจะขี้จะเยี่ยวก็ต้องคอยระวังตัวแจเพราไม่รู้มันจะเริ่มเล่นงานเมื่อไหร่ไอ้ที่เราตรวจพบเน่ยไม่เท่าไหร่เรายองพอมองเห็นพฤติกรรมความเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเกิดมีรายการโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนี่เราไม่ชิบหายวายป่วงกันพอดีหรอก็ระวังหน่อยสิแซมอนรบกับบีซถ้ามันง่ายจริงผมว่าป่านนี้อเมริกาชนะเด็ดขาดไปแล้วไม่ต้องมาทนเป็นพวกบ้ายอซินโดมอยู่อย่างนี้หรอกโอเคโอเคผมชักลำคาญคุณมากกวบีซีแล้วนะ คุณว่าแผนการของคุณต่อไปให้ผมฟังเลยดีกว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอ ย, อย่างยังยึดถือเหมือนเดิมเหมือนเดิมปักหลักนิ่งอยู่กับที่เซมันคอยจับตาดูและแอบมูฟตอนกลางคืนพร้อมเจตนาทิ้งรอยให้มันแกะรอยตามอย่างนั้นน่ะเหรอก็ใช่อ่ะสิไม่งั้นผมคงไม่พูดว่าเหมือนเดิมหรอกเฮ้ยโสตาผมไม่เข้าใจหลักยุทธวิธีข้อนี้ของคุณจริงๆช่วยส่งเคราห์อาธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมไม่มีเวลาน่ะแซลมอนเมื่อคุณเป็นผู้ปฏิบัติผมเป็นผู้สั่งเพราะฉะนั้นคุณมีหหนนนน้้นน้าาาาาาททททีีี่่่่ํตมมมมมเเัไถโค โอเคเมื okay. ่อผมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี่นาะดีมากขอเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปเถอะแล้วจะก้าวหน้าในอาชีพราชะการจ่าแซมสบดลันเมื่อถูกสั่งสอนว่าเป็นเด็กแต่หัวหน้าทีมนักรบรับจ้างไม่ได้ยินเพราะรถวิทยุลงจากแนบหูฟังเสียก่อนแล้วหันมาทางพันตรีโรเจอร์เมื่อพบว่าในแววตาคู่นั้นมีข้อสงสัยบางอย่างแฝงอยู่เมเจอร์ Major, มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับอย่าเรียกว่าไม่สบายใจเลยดีกว่าโนสตาน่าจะเรียกว่ากังวลมากกว่ากังวลเรื่องอะไรล่ะครับ ก็เรื่องที่คุณยอมให้ VC ีแกะรอยตามมาสิเมเจอร์ Major กังวลว่าเซอร์เจซจะเสียท่า VC ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่กรณีนั้นเด็ดขาดผมไม่ห่วงเลยจริงจริงพอเชืาตาตับใดที่ทีมงานเซอร์มนอนเขารู้ตัวเห็นตัวค่าศึกแบบนั้นอ่ะรับรองไม่มีค่าศึกคนไหนกินเขาลงหรอกเอา้าแล้วเมเจอร์จะมาห่วงอะไรล่ะครับห่วงภารกิจนะสิผมเกรงจะล้มเหลวซะก่อนที่จะพิสูจน์ทราบได้สำเร็จห่วงยังไงผมไม่เข้าใจก็ผมหมายถึงการที่ VC ีคอยแกะรอยตามเราอยู่อย่างเนี้ย อ๋อตามเซลมอนสิไม่ใช่ตามเราแต่นั่นแหละถึงตามเซลมอนเมื่อมีปัญหาเราก็ต้องตามไปสนับสนุนเขาอยู่ดีผมกลัวจะเกิดการประทะกันซะก่อน V ีซีอาจบีบบังคับเรามากเกินไปจนเราต้องลงมือน่ะสิอ๋อโอเคผมเข้าใจละเมเจอร์หมายความว่าเมื่อมีการประทะวีซีจำนวนมากต้องแห่กันมาที่นี่จากสงครามเล็กๆก็จะกลายเป็นสงครามใหญ่เมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องออกจากพื้นที่เพราะแค่26กคนเพียงเท่านี้คงทานอานาจมันไม่ไหวใช่ไหมครับถูกต้องนอสตา ทำไมเราไม่ผ่าจากการถูกแกะรอยเสร็จเลยยังไม่ถึงเวลานั้นก็เมเจอร์ไม่ความว่าไงหมายความว่าผมกําลังดึงความสนใจหรือไม่ก็เรียกว่าหลอกนั่นแหละหลอกให้ VC มันหลงคิดว่าเราไม่สนใจเป้าหมายขบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์ในหุบเป้าหมายตามข่าวของซันไลท์นะสิครับคุณอธิบายแผนการให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมก็ได้ผมจะให้แซลมอนน่ยดึง VC กลุ่มนั้นไปทางอื่นทางไหนก็ได้ในขณะที่เราจะมุ่งตรงไปยังเป้าหมายหุบใหญ่ลูกนั้นแค่นี้พอมองออกไหมครับอืม ก็พอมองออกอยู่นะถ้า V ีซีเปิดฉากปะทะล่ะปะทะก็ปะทะสิครับไม่เห็นแปลกแต่ผมเชื่อ V ีซีคงไม่งโง่เปิดฉากปะทะขึ้นมาหรอกเพราะอะไรก็พรเพิ่งตรวจพบกําลังฝ่ายเราแค่หกคนนะสิตามข่าวนั้นนะวีซีต้องรู้ว่าเรามากันทั้งหมดเท่าไหร่มันต้องรอเวลาที่สุดทราบหรือไม่ก็ค้นหายค้นพบจํานวนยี่หกคนเสียก่อนนั่นแหละฉากการสังหารจึงจะเริ่มคุณมั่นใจได้งาวีซีรู้ว่าเรามียี่สหกคนโถ่เมเจอร์ จนป่าเ น, นี้ไอ้ล่มที่เรากระโดดลงมานั่นนะ่ะ V ีซเก็บเอาไปทําผ้าห่อศพหมดแล้วทำไมมันจะไม่รู้ล่ะเรามากันกี่คนที่นี่เขตอิทธิพลของมันนะ่ะพื้นดินทุกตารางนิ้วมีหนวดจรยุดทำการลาดตระเวนตลอดจนป่านนี้มเมเจอร์ยังคิดว่า V ีซีไม่รู้ยอดจํานวนสตรูที่แน่นอนอีกเหรอครับอืมจริงสินะคุณพูดถูกโอเคแล้วคุณมีแผนเล่นเกมนี้ยังไงต่อไปก่อน V ีซจะเปิดฉากการสังหารทีมงานเซลมอนเราต้องสั่งกําลังทหารลาวลงพื้นที่ทําการวางกําลังเต็มบุกขนานใหญ่ต่อวีซกลุ่ม น, นั้น VC กลุ่มนั้นคุณคิดว่ามันมีสักกี่คนไม่น้อยกว่าร้อยแล้วคงไม่เกินสองร้อยสำหรับเกมที่จะเล่นกับเราโดยเฉพาะแต่ถ้ามีทหารเราเข้ามาอีกหนึ่งกองพัน VC จจะเพิ่มจากสองร้อยเป็นสี่ร้อยพร้อมด้วยปืนใหญ่รถถังอีกต่างหากเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่เล็กๆแล้วล่ะเนาะตาใช่ครเมเจอร์ถ้าเป็นไปตามคาดการงานเนี้มันงานช้างงานหนึ่งเลยทีเดียวแต่ผมจะพยายามทําให้มันเป็นงานเล็กๆไม่อยากให้เวียดนามเหนือต้องทุ่มเทกําลังรบเสริมเข้ามาอีกอย่างดีก็แค่ให้เท่าที่มีอยู่เท่านั้นเพราะอะไร ก็เพราะเราไม่มีกําลังลบมากสิครับแต่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนของเวียงจันทนระ์กำลังฝ่ายเราเยังเต็มเกื่นอยู่เลยขืนแผ่ขยายลงมาทางภาคใต้อีกผมว่าแย่นะครับแต่เป้าหมายเวียดนามเหนือหน่วยนี้ไม่ใช่ประเทศลาวนะพวกมันมีแผนยึดเวียดนามใต้ไส้งอนนะก็ขอยจริงอย่างนั้นเถอะเมเจอร์ถึ ง, ถงยังไงถ้าได้เวียงจันทร์ก็เหมือนได้ลาวทั้งประเทศนั่นแหละหรือว่าไม่ใช่เมเจอร์อืมคุณพูดถูกโอเคย้อนมาเรื่องเราต่อดีกว่าทําไมเหรอครับยังมีอะไรตกค้าง แน่นอนนอสตามากด้วยสิไม่ใช่แค่อย่าง2อย่างงั้นว่ามันเลยครับเรียงลำดับว่ามันเลยเรื่องแรกคุณมีแผนการอย่างไรกับยุทธภพขอเซอร์เจนที่แยกตัวออกไปนั่นไม่ใช่แยกตัวนะครับเมเจอร์ Major. ทั้งเขาทั้งเรายังทำงานร่วมกันอยู่ร่วมอย่างไรในเมื่อเซอร์เจนยุทธภพออย่ห่างจากเราไปทั้ง5้ km, ากิโลเมตรแถมทีมงานของเซลมอนยังห่างออกไปอีกก็นี่แหละครับแผนของเราแผนอะไร แผนก็คือแผนสิครับเมเจอร์คิดเล่นเกมกับเวียดนามเหนือมันก็ต้องใช้ยุทธวิธีแผนซ้อนแผนมันถึงจะสำเร็จคืนเล่นตามตำรามีหวังตายลูกเดียวโอเคโอเคผมเล่าให้ฟังผมกำลังจะให้ยุทธพงเข้าไปพิสูจ์ทราบเป้าหมายในหุบตามลำพังพร้อมกับให้แซลมอนนะทำการดึงความสนใจเวียดนามเหนือไปทางอื่นแม้แต่ทหารราชุดใหม่ที่จะส่งลงพื้นที่ก็อยู่ในแผนด้วยโอเคไอซี ฐานลาวทั้งกองพันต้องสนับสนุนกําลังบํารุงกันไม่ใช่น้อยผมเกรงว่าคุณจะทําให้ศึกครั้งนี้มันไม่เล็กลงนะนอสตา์ก็คงต้องดูนต่อไปแล้วครับเมเจอร์ Major. อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดยังไม่มีใครคาดการถูกหรอกว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะออกหัวหรือออกก้อยหรือไม่บางทีอเมริกาจะทิ้งลิตเติลบอยแฟตแมนลงใสาฮานอยเหมือนฮิโรชิมานา ง, งาส ก, กิซะก่อนสงครามจบเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เฮ้ hey, คุณคาดการขนาดนั้นชเชลเลอร์ไม่มีอะไรหรอกเมเจอร์ Major. ผมก็พูดผมไปเรื่อยเปื่อยเพราะไม่รู้จะหาอะไรมาพูดอย่าถือสาหาความเลยครับ พันตรีโรเจอร์ทำเสียงสูงตีหน้าเหลือล่เห็นท่าทางพูดเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกแล้วก็ให้สงสัยจนต้องทักทวงคืนจากดาวเหนือหัวล้อลั่นด้วยความสบอารมณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพลงชั่วคู่แล้วก็เงียบขึมต่อเมื่อหวนคิดถึงคำพูดของพันตรีเมริการที่ว่าถ้าหารลาวทั้งกองพันการสนับสนุนนั้นคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆสนามรบแห่งนี้ห่างไกลาจากกรมชาการใหญ่ระบบการส่งกําลังบํารุงคงทําได้ยาก อาจทำไม่ได้เสียเลยคิดแล้วก็รู้สึกหนักใจพอสมควรแต่ด้ยวยความเป็นนักรบรับจ้างที่มักปล่อยให้สถานการณ์ทำการคลี่คลายตัวของมันเองจึงพอตัดใจได้บ้างตอนที่22จ่ายุทธพง์กับทีมงาน3คนไอ้เล็กไอ้เปียกไอ้ชาติได้รับคาสั่งพิเศษให้ลวงนาสุก้นหุบตามข่าวที่เสนาธิการใหญ่ได้รับมาจากแบ็เลหน่วยบินจลกรรมทางทหาร จากจุดฝังตัวตอนรับคำสั่งนั้นถึงเป้าหมายทางทิศหนึ่งนาฬิการะยะ37กิโลเมตรตัดตรงบนแผนที่บัดนี้ผ่านวันที่3ามยางเข้าวันที่4ของภารกิจทั้ง4ี่นักรบรับจ้างยังสดชื่นขวัญกำลังใจดีเยี่ยมด้วยความคืบหน้าของผลงานเส้นทางยิ่งผ่านไปมากเท่าไหร่ขาดการของหัวหน้าทีมยิ่งเผยความจริงสิ่งเป็นไปได้ปรากฏให้เห็นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าลักษณะภูมิประเทศเส้นทางลับในเขตป La ่าทึบหลักฐานร่องรอยการเคลื่อนไหวของข้าศึก หรือแม้แต่บางสิ่งบางอย่างซึ่งเชื่อว่าต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลก็ยังมีให้เห็นตอนสายของวันเดียวกันเครื่องบินลาตวเวียน OV10 บินจากไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงหลังเสร็สิ้นการติดตามนักรบรับจ้างรู้มือกันอย่างดีเชื่อว่าการติดต่อข่าวสารระหว่างหัวหน้าทีมกับนักบินคงเสร็จสิ้นแล้วจ่า ย, ยุทธพงศ์กดสัญญาณเรียกฟรีบนวิทยุสองครั้งตามที่ตกลงกันไวเพื่อเรียกจ่าดาวเหนือหรือพันตรีโรเจอร์โอเคยุทธว่ามาเลยครับพี่ผมตกลงใจเลือกที่นี่เป็นจุดฝังตัวนะว่ารายละเอียดมาส หางจากพิกัดที่ส่งให้อันฟ้าชารีเมื่อเช้ามาทาง8นาฬิกา350เมตรยอดเนินเล็กๆป่าโปรป่งข้างล่างคึบตรวจการได้รอบตัวแหล่งกำบังดีครับพี่โอเคดีมากของพี่อยู่จุดเดิมของเซอร์นก็อยู่จุดเดิมเหมือนกันแน่ใจแค่ไหนว่าไม่ถอยแกวแอบเข้าเกาะแน่ใจครับพี่แน่ใจมากด้วยพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกอืมอันที่จริงก็ไม่ได้ห่วงอะไรเท่าไหร่นักหรอกวะ่ะแต่เป็นความพยายามกับเล่ห์เหลี่ยมของไอ้แกวมันมักจะตามประกบเซลมอนบ่อยก็เลยชักไม่แน่ใจวะ่ะคืนนี้นะพี่ ตั้งแต่ค่ำวานเนี่ยผมสี่คนแบ่งเอาเป็นสองชุดผมมากกับไปชาติไอ้เล็กไปกับไอ้เปียกผัดคู่กันเดินขึ้นหน้าผัดกันหยุดทิ้งระยะห่างสามร้อยถึงสามรอห้าสิบเมตรแม้แต่ตอนเนี่ยผมสองคู่ก็แยกกันฝังตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามีไอ้แก้วไม่ว่าหลงหรือตั้งใจเข้ามาไม่เจอใครก็ต้องเจอใครเข้าสักคนละพี่ก็ดีนี่หว่ากล้าแยากกันฝั่งตัวแบบเนี้ยแล้วเมื่อคืนทำไมต้องผัดกันเดินผัดกันหยุดด้วยวะ อ๋อพี่ลูกไม้ใหม่เพิ่งคิดขึ้นได้พี่อยู่เฉยๆไม่รู้จะทําอะไรก็เลยคิดมันเรื่อยเปืเป่อยไปงั้นแหละผมว่านะ่ะระหว่างที่เราเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วหาโอกาสหยุดให้คนหนึ่งเดินต่อออกหน้าไปก่อนจนได้ระยะแล้วหยุดรอเตรียมให้คนอยู่หลังเมื่อกี้ขึ้นหน้าแทนบางคนหลังขึ้นหน้าครั้งแล้วหยุดทําสลับไปเรื่อยถ้ามีใครติดตามมาพี่คิดว่ามันจะมีทางรอดสายตามัหมล่ะพี่มีรือวถ้าคนคนนั้นไม่รู้แผนการมึง ถึงรู้ก็ไม่มีทางเพราะผมไม่ได้จัดระยะนําระยะตามคงที่เท่ากันตลอดเส้นทางนี่พี่แต่บางทีมีออกซ้ายออกขวาพาวนให้งงเล่นอีกต่างหากเออดีแล้วพวกเรากันเองไม่ง ง, งบ้างหรอวะก็มีเหมือนกันพี่บางครั้งนะแต่มันก็ดีเอ็กไซด์ดีพี่แล้วตอนตายละ่ะมึงว่าตายดีหรือเปล่าเรื่องนั้นช่างหัวไม่เถอพี่ถึงเขาตายเขาไม่ตายอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงไหมพี่โอเคผ่านเรื่องนี้ไปมาว่าเรื่องเส้นทางลับในป่าทึบที่ตรวจพบเมื่อวานนี้นะ่ะมีทีท่าว่ามันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนวะ ยังสรุปไม่ได้หรอกพี่มันก็ยังทะลุเข้ามาในนี้อยู่เรื่อยๆสงสัยจะข้ามฟากไปจนถึงริมหุบฝั่งโน้นแง่ๆแล้วพี่มีทางยากตรงไหนตรงมาไม่มีเลยพี่เส้นทางเดียวเส้นทางเดียวเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามประษามันเส้นทางลับในป่าทึบทั่วไปก็เป็นอย่างนี้แหละพี่ น้ำหนักการใช้เส้นทางมีผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างไหมไม่เลยพี่เท่ากันตลอดความลึกความกว้างเก่าใหม่ผมว่ามันคงใช้เป็นเส้นทางประจนะําน่ะอย่างน้อยไม่น่าต่ํากว่าสองสปีแล้วก็ยาวสัก10กิโลได้มั้งตัดตรงตามแผนที่แต่ทางจริงๆอ่ะสงสังสยต้องเพิ่มอีก3เท่าเพื่อตอนเลี้ยวกับตอนวกกับหลังด้วยถ้างั้นเดินอีกคืนคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้น่าจะถึงใช่ไหมคงงั้นแต่พี่ถ้าไม่มีรายการมาตามนัดแทรกซะก่อนนะแต่เอพี่ใจคอพี่จะยืดเวลากางคืนออกเดิ น, ปะนะเป็นสารณะอะไรหรอ เอาหนะ่ามันจำเป็นนี่หว่าจนกว่าเราจะกลับเข้ามาถึงพิกัดตามข่าวแล้วนะั่นแหละค่อยคิดแผนการกันใหม่อันที่จริงชุดนี้นะโชคดีช่วงแซลมอนตั้งเยอะนะเว้ยไม่ต้องถวยแกวคอยแกะรอยตามอะ่ะโถพ่พี่แกะรอยตามน่ะดีอยู่แล้วจะได้มีของเล่นแก้เมื่อยแก้เแ็งแก้า้งังมึงวะก็เจียนมันสิพี่หาเรื่องยิงแสกหน้าแม่งซะจะสิ้นเรื่อง มันไม่ใช่อย่างนั้นสิวะอย่างที่บอกแล้วนะั่นแหละงานนี้ต้องใจเย็นถ้าคิดอยากเล่นของใหญ่เขินเป็นห่วงปลาซิวปลาซร้อยมึงมีหวังอดกินฉลามแน่เอาเถอะคาดว่าพรุ่งนี้หรือ ย, อยังช้ามาลืนนี่ยแก้วที่แก่รอยซลร์มอนคงหมดภารกิจเราจะเปิดโอกาสให้แค่นั้นแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะไม่ใช่เชื่อมึงแค่แปดหรือสิบคนแล้วห่ม่อีกสองรอยม่หวังเพ่นกันป่าราบอดกินคอมมิชชั่นกันหมดพอดีขอให้มาจริงๆเถอะพี่มาไม่กลัวกลัวไม่มาซะมากกว่า ของนักลบลับจ้างหาเรื่องพูดคุยกันแบบเล่นๆเสียมากกว่าจะคิดเป็นจริงเป็นจังเรื่องงานเรื่องภารกิจบางครั้งจ่าดาวเหนือก็ให้นึกเป็นห่วงอยู่บ้างการแยกตัวออกไปปักหลักกดดันอย่างโดดเดี่ยวนั้นอาจทําให้เกิดความรู้สึกว้าวเวยวาดกลัวหรือเครียดเกร็งซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้ขาดสติใจร้อนวู่วามหลงลืมเลอะเลือนเข้าใจผิดตัดสินใจช้าอ่านเกมสถานการณ์ไม่ออกหรือไม่ละเอียดรอบขอบการได้พูดคุยกันทางวิทยุ ทำให้เหมือนได้อยู่ใกล้กันไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกลอยแพลปล่อยเกาะจากน้ําเสียงของจ่ายยุทธพงศ์คราวนี้ไม่มีสิ่งบอกเหตุหรือส่อาการตามที่ห่วงกังวลแม้แต่น้อยยามว่างอย่าพูดคุยให้มากกว่านี้หรือเปลี่ยนไปคุยกับลูกน้องคนอื่นๆ บ, บางบังเอิญจังหวะที่พันตรีโรเจอร์ล้ามือจากแผนที่ลดไอคอมลงแนบหูเสียบเก็บยอดอกเชื่อว่าติดต่อข่าวเรียบร้อยจึงต้องขอสแตนบายวิทยุกับจ่ายยุทธพง์เตรียมหันมาสอบถามเรื่องราวข่าววิทยุจากหน่วยไหนล่ะครับเมเจอร์ Major? จาดาวเหนือถามตรงเป้าเพราะเห็นอยู่แล้วเพิ่งรับมือจากวิทยุพันตรีโรเจอร์ทำสีหน้าส่อแววความพึงพอใจยังเห็นได้ชัดจนนักลบลับจ้างพรอยสงสัยหนักแบล็กเลพันตรีเมรการพูดหน้าตาเฉย ทั้งๆ ท, ที่นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ตั้งแต่ออกภารกิจเข้าปฏิบัติการในนานาสมรภูมิชุดปฏิบัติการพิเศษไม่เคยใช้วิทยุมือถือไอคอมรับส่งข่าวกับหน่วยบินจัลกรรมทางทหารได้เลยทั้งนี้เพราะขึ้นความถี่และกําลังส่งเครื่องเป็นคนละประเภทคนละขนาดแต่คราวนี้กลับทําได้นับว่าเป็นเรื่องแปลกจ่าดาวเหนือแทบไม่เชื่อแต่คนตอบทําท่าพูดจริงฮะแบ็กเลรื่้นบินจัลกรรม U7 น่ะเหรอเมเจอร์ N L ถูกต้องน้องตา เขากำลังบินอยู่บนหัวเราขนาดนี้ความสูง5้า0 0ื่ฟุตพันตรีโรเจอร์ตอบพร้อมกับเงาหน้าคอตั้งบ่าเพ่งสายตาฝ่าสายหมอกอ่อนๆออในหน้าฝนขึ้นไปบนท้องฟ้าสีสั่วๆเหมือนยากเห็นตัวคนส่งข่าวแต่จ่าดาวเหนือกระหาร์ทำเช่นนั้นไม่พอรู้ดีว่าไม่มีทางที่สายตาคนปกติจะสามารถมองเห็นได้ขยับตัวจัดท่านั่งใหม่ตั้งใจถามหวังเอาคําตอบที่แน่นอนมันเป็นไปได้ไงเมเจอร์ เป็นไปได้สิเป็นไปแล้วด้วยนี่คือเทคโนโลยีทางวิทยุสื่อสารรุ่นใหม่ที่เพิ่งนําออกมาใช้ที่นี่เป็นครั้งแรกผมคือหน่วยในสนามคนแรกที่มีโอกาสได้ใช้มันพันตรีโรเจอร์ทําท่าจะพูดยาวใบหน้าแววตาบ่งชัดว่าเกิดความภาคภูมิใจเสียเหลือหลายจากดาวเหนืออดทนไม่ไหวตัดสินใจเบรคกลางคันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ ด, ยวเดียวก่อนเมเจอร์เมเจอร์รู้ได้ไงขนาดนี้มีเครื่อง U7 เข้ามาบินในพื้นที่จากดาวเหนือทำยังเป็นการเป็นงาน ไม่ได้ส่อแววของความภาคภาคูมิใจไปด้วยบนใบหน้าพันตรีโรเจอ์ ย, ยังไม่ไวายคุยโอขยับตัวจัดท่านั่งบางพร้อมกระชับ 3, เอ็มสองสาอาวุธคู่มือให้วางดีๆบนหน้าตักเลือบสายตา ม, มองไปทางไอพลไอพรชุดระวังป้องกันที่ตั้งที่ห่างออกไปราวร้อยเมตรด้วยความเคยชินตามสัญชตตาตญาณแล้วจึงหันมาหาเจ้าดาวเหนือโอเคนอสตา เมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนตรงพอดีผมเข้าเวรตอนที่คุณนอนหลับซันไลท์ส่งข่าวถึงผมโดยผ่านเครื่องช่วยแถยทอดบนแบ็คเลทที่ออกปฏิบัติภารกิจตามปกติซันไลท์เชื่อว่าพวกเราไม่ใครก็ใครคนหนึ่งต้องเปิดเครื่องไอคอมสแตนบายเลยเสียงเรียกดูแล้วก็ได้ผลอย่างที่คิดคือติดต่อกับเราได้ก็คือผมนี่แหละ เมเจอร์ Major, เรื่อง U7 เรื่องเครื่องช่วยถ่ายทอดในแบ็กเล่เรื่องซันไลท์ลองเสี่ยงเรียกแล้วก็เรื่องสแตนบายไอคอมผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะทาได้อยู่แล้วหากต้องการทําจริงแต่ผมสงสยัยแล้วก็สงสัยอย่างมากด้วยว่าเครื่องไอคอมใช้สายอากาศในตัวสั้นจุดจู่แค่นี้ระยะรับส่งปกติแค่ไม่กี่กิโลเมตรทํำไมมันถึงติดต่อกับ U7 ที่ไกลเกือบ20กิโลเมตรได้โอเคโนสตาเมื่อคืนเนี้ยซันไลท์แจ้งกับผมว่าวันเนี้ยเวลาประมาณเนี้ยแบ็กเล่จะบินผ่านบริเวณนี้ขอให้ผมสแตนบายคอยรับส่งข่าวด้วย โอเคผมทราบแบ็กเล่จะทําการทดลองวิทยุรุ่นใหม่มันเป็นยังไงละเมเจอร์ Major? นอกจากจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วมันยังเป็นระบบใหม่ด้วยคือในแบ็กเล่มีเครื่องส่งคลื่นพิเศษลงมาหาเรามาหาไอคอมนี่แหละมารับคลื่นของไอคอมไปเข้าเครื่องรับบนแบ็กเล่หรือเข้าเครื่องถ่ายทอดก็ได้ผมกําลังหมายความว่าคลื่นพิเศษที่ส่งลงมารับเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนสะพานทําหน้าที่ให้คลื่นของไอคอมเกาะไปหาแค่นี้คุณพอมองภาพออกไหมถ้าไง่ายคลื่นไอคอมนี้ก็ไม่ได้ไปด้วยตัวมันเองอสิ ถูกต้องพอมีคลื่นพิเศษที่ว่ามารับมันไปอีกทีหนึ่งแบบนี้ถึงแบ็กเลย์อยู่ไกลแค่ไหนก็ติดต่อได้สิถ้าคลื่นพิเศษนั้นเดินทางมาถึงได้ถูกต้องแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานไอคอมด้วยด้วยโอ้โหเมเจอร์อเมริกันนี่ยอดอันดับหนึ่งเลยถ้างั้งงนต่อไปเนี้ยเราขอให้บ ก, กรสรายติดเครื่องส่งคลื่นพิเศษแบบเนี้เวลาเราต้องการส่งข่าววิทยุจะได้ไม่ต้องรออันฟ้าชาลีมาช่วยเป็นตัวถ่ายทอดไม่ได้หรอกเนาะสตาร์ บนพื้นโลกระดับเดียวกันมีสิ่งกำบงังแล้วก็กีดขวางทางแห่นของคลื่นวิทยุมากคลื่นเดินทางได้ไม่ไกลแต่ถ้าส่งลงมาจากท้องฟ้าที่ไม่มีอะไรบทบงังเหมือนอย่างดาวเทียมนะ่ะเห็นไหมแบบนั้นนะ่ะไกลถึงไหนก็ได้ถ้างั้นเราไม่ต้องรอยแบ็กเลยมาซะก่อนเราค่อยส่งข่าววิทยุเหรอ <c oughs> ก็คงทํานองนั้นแหละนอสตาคราวนี้นะักรบรับจ้างตีนาเบย์ใส่หัวโยกไปมาแล้วเอียงกายลงนั่งพิงกึ่งนอนบนลากไม้ใหญ่บนพึื้นพรมพรมไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มมช น, นมตามหมีดีเกินไป แล้วลวงบุหรี่ออกมาจุดสูบดับอารมณ์พันตรีโรเจอร์ทำสีหน้าเจิดจืดแววของความภาคภูมิใจหายไปเกือบสินนอสตาแบ็กเล่ส่งข่าวเรื่องขบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์นั่นมาอีกแล้วน่ะอ๋อโอเคเมเจอร์ Major. อย่างนี้จะมีประโยชน์น่าสนใจกว่าเยอะเลยแบ็กเล่ว่าไงครับพิกัดเคลื่อนย้ายจากจุดเดิมตรงไปทางทิศเดิม 4, km. 4 km. 3, 000, 000, ี่กิโลเมตรสี่กิโลเมตร3วันเคลื่อนที่ได้ระยะทางแค่4กิโลเมตรใช่ทำไมมันถึงเคลื่อนที่ได้ช้านักละ่ะ นักรบรับจ้างอัดควับุหรี่เขาปอดอย่างแรงสมองเร่งขบคิดเรื่องประหลาดประหลาดอย่างเรีบด่วนคิดอะไรไม่ออกเลยถูกโอกาสตอบแบบประชดประชดรถติดลมมั้งเมเจอร์ตอนที่23พันโทฟาร์มวัน่าวอออรองผอบอลพลกองพลทหารราบที่612ฝ่ายทหารโผล่เข้ามาในบริเวณกรมชาการเพิ่มหมางานเป็นคนแรกโดยมีพันโทเดืองห้ามไฟในทหารฝ่ายวางแผนเดินตามห่าง ท่ามกลางสายตาที่จ้องมองไปจุดเดียวจากบรรดานในทหารระดับมันสมองของกองพลโดยสีหน้าอาการไม่สบายใจนักเพราะสถานการณ์ช่วง3าวันที่ผ่านมามีแต่ความอึมครึมหาข้อเท็จจริงอะไรไม่ได้เลยการพิสูจน์ทราบของหน่วยจรยุทธ์การกระจายกำลังฝั่งตัวตามจุดต่างๆในภูมิประเทศการประทะหรือการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศัตรูล้วนแต่มืดมน ดังนั้นการมาของนายทหารทั้งสองจึงเปรียบเสมือนตัวแก้ความสงสัยแม้จะยังไม่รู้ความจริงว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่พันเอกเงียบยาวสางยิ้มต้อนรับนายทหารทั้งสองด้วยความพอใจเราเอ่ยปากทักทายขึ้นก่อนเป็นไงสหายเดินทางเจอศัตรูบ้างไหมคําถามแรกเข้าเป้าตรงตามใจคิดของทุกๆคนขนถูกถามยังไม่ตอบได้แต่ยิม้มเลิกเดที่นั่งเยืงข้างหน้ากับผ อ, อกองพล ขสมาดเรียบร้อยบนพื้นหญ้าราบอ่อนนุม่มขยับปืนพกโมเดล k 9จุดเก้าห้าขนาดจุดสี่ห้าคาลิเบอร์เม d ดอินโซเวียตข้างเอวให้เข้าทีแล้วจัดอารก้าสิบเจ็ดพานท้ายพับเก็บได้วางแนบข้างขาอีกทีจึงหันมาสบตาผอบอกองพลด้วยสีหน้าแววตาปกติไม่เจอหลอกสายท่านผอบอกองพลทหารราบที่6 1ร้สิบสองหวราชอบใจในขณะที่นายทหารคนอื่นๆแม้แต่ยิมยังยิ้มไม่ออก พราะตหนักดีว่าการไม่พบศัตรูไม่ได้หมายความถึงไม่มีศัตรูหรือศัตรูออกจากพื้นที่ไปแล้วตรงกันข้ามศัตรูอาจมีการกำบงังซ่อนพรางรวงพรางหรือเจตนาปิดลับซึ่งก็คือศัตรูมีขีดความสามารถสูงกว่านั่นเองพันโทฟาร์วันหา่าวตอบเบาๆแล้วเหลียวไปมองพันโทเดืองหามไฟในทหารฝ่ายวางแผนเตรียมให้เป็นผู้พูดแทนหมายความว่างไงสหายฝ่ายเราปิดลับดีหรือว่าศัตรูปิดลับได้ดีกว่าฝ่ายท่านจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิง เพราเราเองก็ไม่ได้ปิดลับอะไรมากนักทุกอย่างดําเนินไปตามปกติอย่างที่เคยยึดถือปฏิบัติมานั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งเราทั้งศัตรูอาจจะไม่พบกันเองโดยไม่มีฝ่ายไหนจเจตนาก็ได้ไม่ใช่ผบอบกองพลคนเดียวเท่านั้นที่กระหายใคล่รู้รายละเอียดให้มากกว่านี้บรรดาในทหารอื่นๆเกิดอาการคล้ายคันปากหยิบๆทําท่ากระสับกระส่ายอยากแท้คําถามเสียเอง แต่สถานการณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่ความสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่สามารถลำดับขั้นตอนความเป็นมาได้ทั้งนี้เพราะไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวของศัตรูนั่นเองครันมาพบกับคำตอบแบบกึ่งเคลียร์กึ่งไม่เคลียร์เข้ายิงก็พาสงสัยหนักอยากถามกลับหาจุดเริ่มของคำถามก็ไม่ได้สุดท้ายต้องเย็บปากตัวเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผอบอกกองผลเพียงลำพังให้ตั้งคำถามเอาเองถ้างั้นก็ต้องพูดว่าศัตรูกับเราออกเคลื่อนไหวคนละพื้นที่ ก็อาดเป็นได้สายท่านแต่ศัตรูยังอยู่ใช่ไหมถูกต้องสายท่านส่วนหนึ่งของสายนักรบเหนื่อยจรยุตของเราประกบติดไว้แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งยังค้นหาพิสูจน์ทราบไม่พบหมายความว่าไงสหายรายละเอียดสิพอบอกองพลนหารราบที่หกร้อยสิบสองทท่าเสียงสูงด้วยความสนใจติดจิตใจร้อนอยากรู้คําตอบเร็วๆพันโทฟาร์วันหาวต้องหันไปสกิดพันโทเดืองหามไฟนายทหารฝ่ายวางแผนซึ่งร่วมรับทราบข้อมูลด้วยกันกับตนแต่ตนไม่ได้เป็นคนวางแผนให้เป็นผู้ตอบแทน คืองี้นสายท่านฝ่ายนักรบหน่วยจรยุทธเวทกงสังกัดกรมฐานราบที่55ตรวจพบศัตรู6คนห่างจากขบใหญ่กรมฐานราบที่44ไปทางตะวันออก14กิโลเมตรขณะนี้สายนักรบทําการเกาะติดไว้แล้วฝ่ายนักรบเวทกองกี่คน24คนสายท่านเข้าปฏิบัติการเกาะติด8คนเหลืออีก16คนทําการปิดลับฝังตัวห่างไปทางด้านหลังของทิศทางเคลื่อนที่ประมาณ1กิโลเมตรสามารถเคลื่อนกําลังเข้าเสริมภายในเวลาไม่เกิน15นาทีหากจําเป็น ทิศทางเคลื่อนที่สายมายความว่าศัตรูไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือฝั่งตัวปักหลักใช่ไหมถูกต้องสายท่านตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาเนี่ยศัตรูทําการลัตเตเวนมุ่งหน้าขึ้นเหนือกับบางครั้งไปทางตะ ว, วันออกเฉียงเหนือของหุบของกรมฐานราบที่44ไปช้าๆลัตเตเวีนเฉพาะกลางคืนส่วนตอนกลางวันฝังตัวปักหลักอยู่กับที่ลัตเตเวนตอนกลางคืนศัตรูทําได้อย่างไรลัตเตเวีนมืดๆอย่างนั้นจะเห็นอะไรล่ะแล้วสายนักรล ข, ของเราออกแกะรอยตามตอนกลางคืนทั้งๆ ท, ที่มืดจนมองไม่เห็นทางไม่เห็นตัวศัตรูอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่หรอกสายท่านศัตรูออกเคลื่อนที่ตอนกลางคืนแต่สายนักรบออกแกะรอยตอนกลางวันเอา้ารถสายทําอย่างนั้นได้ยังไงศัตรูไม่หายไปจากที่สายนักรบเวทกงแกะรอยไปได้เหรอเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยสายท่านสายนักรบชุดแกะรอยใช้ความสามารถค้นหาลองรอยแล้วก็แกะรอยตามได้ทุกครั้งถูกต้องทุกครั้งครั้งแรกสายนักรบพยายามแกะรอยตามตอนกลางคืนเหมือนกันแต่ไม่สําเร็จเพราะหมายแนวศัตรูไม่ถูกมองศัตรูไม่เห็นสํารวจภูมิประเทศไม่ได้ศัตรูเคลื่อนที่เงียบมาก จนกระทั่งสายนักลบต้องล้มเลิกการแกะรอยตอนกลางคืนรอให้ถึงตอนเช้าจึงเริ่มใหม่ด้วยการค้นหาร่องรอยเท่าที่มีเป็นเครื่องชี้นแล้วก็สําเร็จใช่ไหมถูกต้องสายท่านพอบอกองผลปั้นสีหน้าอ่านยากในแววตาไม่ปรากฏประกายของความพอใจแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกับฉายความชโ ง, งนออกมายังเห็นได้ชัดคิ้วสองข้างขามุดย่นข้อหากันจองนาศตานในทหารฝ่ายวางแผนขเขม่ง คลายไม่เชื่อคารายงานทั้งหมดที่ว่ามาบรรยากาศในเพิงหมางนเงียบขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวทุกคนพยายามอ่านความรู้สึกของพอบอกองพลว่ามีอะไรตกค้างหรือพุ่งคิดขึ้นมาได้ใหม่พันโทเดืองหามฝ่ายเจ้าของเรื่องทั้งหมดอาสาแก้ข้อกังขาให้กับคนอื่นๆสายท่านมีอะไรสงสัยอยู่ในใจเหรอแน่นอนสายเดืองเรื่องนี้มีสิ่งน่าสงสัยหลายอย่างสายท่านสงสัยเรื่องอะไรเรื่องแรกทําไมศัตรูสามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้เรื่องที่สองทำไมศัตรูจึงยอมให้ฝ่ายสายนักรบแกะลอยได้ถึงสามวันโดยไม่รู้สึกตัว เรื่องที่ 3, สามตรูมีกําลังทั้งหมด24คนแล้วทาไมสายนักรบเวียดกงจึงมีแค่26คนเท่านั้นเรื่องที่4ี่สตรูกลุ่มนี้มุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือพวกมันไปทําไมทั้งหมดเนี่ยสายเดืองหาคําตอบได้ไหมพันโทเดืองฮามไฟหันหน้าไปทางพันโทฟาร์มวันเา่าทันทีที่รับทราบปัญหาพร้อมกับถามซ้ําสายฟารมท่านสั่งการเรื่องเหล่านี้ถึงสายนักลบหนวยจลยุทธ์ให้ทํารพิสูจน์ทราบแล้วใช่ไหม ออก้องผอบอกองพลทหารราบที่612ขยับตัวจัดท่านั่งให้หายอึดอัดขอฝ่ามือเบาๆลงบนอากาบนหน้าตักเพื่อใช้เป็นเครื่องผ่อนคลายความเครียดก่อนตอบคำถามสายท่านเรื่องศัตรูมองเห็นตอกนกลางคืนไม่น่ามีปัญหาการเดินทางโดยไม่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนไม่จำกัดเวลาไม่ห่วงเส้นทางในภูมิประเทศเพียงแต่รักษาแนวทิศให้มุ่งเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือเพียงอย่างเดียว การเดินหรือรัตเวนแบบนี้แม่ไม่เห็นแสงสว่างมากนะก็สามารถกระทำได้แม้แต่สหายนักรบของเราก็มักปฏิบัติเป็นประจำเรื่องศัตรูไม่รู้ตัวว่าถูกแกะรอยสหายนักรบของเราฝังตัวเกาะ ต, ติดระยะห่างจากศัตรูถึงห้ารอเมตรภายใต้แหล่งกำบังอย่างมิดชิดการพลางตัวนั้นสายนักรบทำได้ดีเสมอศัตรูมีเพียง6กคนจากจำนวนทั้งหมดที่มาเชื่อว่าศัตรูกลุ่มนี้แยกตัวกันออกปฏิบัติการ4ีร่กลุ่มขณะนี้สายนักลบพิสูจน์ทราบแล้วหนึ่งกลุ่มยังเหลืออีกสากลุ่มต้องค้นหาต่อไปศัตรูกลุ่มนี้มุ่งหน้าขึ้นเหนือ เพราะฉะนั้นมีทางเป็นไปได้ว่าสตรูสามกลุ่มจะมุ่งหน้าไปทางใต้ไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกแยกกันไปสี่ทิศทางก็ได้นะสายท่านทาไมต้องออกสี่ทิศทางสตรูทําอย่างนี้เพื่ออะไรล่ราตเวีนหาข่าวพิสูจน์ทราบตรวจสอบความเคลื่อนไหวฝ่ายเราสํารวจภูมิประเทศหรืออาจมีอย่างอื่นตามความจําเป็นทางทหารในพื้นที่แขวงอัตปือของประเทศลาวทั้งนี้จกักรวรรดิอเมริกาอาจมีแผนใช้ภูมิประเทศส่วนนี้เป็นฐานปฏิบัติการใหญ่เตรียมสกัดกั้นการลุกสู่ไส้งอนทางตอนเหนือก็ได้ รองผอบอกองพลทหารราบที่6ก2ล่ายาวพูดช้าชัดชัเน้นประโยคถ้อยคําให้ทุกคนเข้าใจด้วยการวาดภาพเหตุการณ์ซึ่งก็ได้ผลเพราะทุกคนเข้าใจอย่างท่องแทร์ล่าสายตายจากรองผอบอกกองพลหันไปมองผอบอกองพลเพื่อฟังความเหตุและการตัดสินใจอีกครั้งสายฟาร์มคาดการณ์ของสหายก็เป็นไปได้เท่าๆกับที่เป็นไปไม่ได้นะ่ะสายท่านหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้เท่าๆกับที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ก็หมายความว่าศัตรูจากวอเมริกาเตรียมสร้างฐานทัพแห่งใหม่ในภูมิภาคส่วนนี้เพื่อจะควบคุมสถานการณ์บรรอยต่อ3ประเทศลาวขเขมรเวียดนามใต้ไม่ให้กองทัพเวียดนามเหนือของเราแพ่ขยายอิทธิพลในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการป้องกันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้กับภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยนั่นหมายถึงว่าศัตรูกลุ่มนี้แบ่งกาลังออกเป็น4ชุดทาการราดตะเวน เป็นไปไม่ได้ก็หมายความว่าศัตรูกำลังใช้มาตรการลวงสายนักรบเวียยงกงให้สนใจแต่เฉพาะอีกคนขนาดนี้ในขณะที่อีก10กว่าคนนั้นกำลังมุ่งหน้าปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างนะสิหมายความว่าใช่ล้สายฟาร์มสายเดืองสายทั้งสองกำลังตกหลุมพรางที่ศัตรูสร้างขึ้นสายถูกเบนความสนใจจากเป้าหมายที่แท้จริงเป็นไปได้ยอย่างไรสายท่านเอาละสายฟาร์มเหตุผลตื้นนิดเดียว เริ่มจากศัตรูหคนที่สายนักรกกำลังเกาะติดขนาดนี้ศัตรูมุ่งขึ้นเหนือทาไมทั้งๆที่ภาคเหนือของแขวงอัตเปือไม่มีเป้าหมายสำคัญทางทิศหนึ่งทั 1, ท้งสามทิศก็ไม่มีใช่ไหม ในเขตแขวงอัตปืมีเพียงสายนักรบกองพลทหารราบที่612เท่านั้นรับผิดชอบทำการรบประสานกับกองพลอื่นๆในเขตเวียดนามใต้สหายจงเชื่อเถิดว่าศัตรูทั้ง20กว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ห่างหรือแยกกันออกปฏิบัติการชนิดตัดขาดอิสระจากการหลอกศัตรู6คนนี้มุ่งขึ้นเหนือเราเชื่อว่าที่เหลือก็ต้องมุ่งขึ้นเหนือด้วยพอบอ ก, กองพลทหารราบที่612แกล้งหยุดคาพูดตัวเอง กว่าสายตาสำรวจ ท, ท่าทีคณะนายทหารในวงสนทนาเลี่ยงที่ละคนเพื่อเปิดโอกาสให้คิดตามหรืออาจมีบางคนอยากจะเสนอแนวความคิดของตนบ้างครั้นยังเห็นทุกคนเย็บปากเงียบถึงผู้ต่อโดยหันมาสบตากับรองขอบอกองพลคนเดิมสายฟรามเส้นทางมุ่งขึ้นเหนือคือทางไปกรมฐานราบที่สีบสี่ใช่ไหมสหายลืมแล้วเหรอภารกิจสืบทอดอุมการของฝ่ายนากักรบกรมฐานราบที่สี่สบี่คืออะไร พันโทฟาร์มวันหหาอาปากตะลึงตาค้างเบิกตากว้างท่าทางคล้ายคนเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแจ้งเราพูดตอบด้วยเสียงอันดังโอ้จริงด้วยถูกต้องแล้วสายท่านกรมที่สิบสี่กองทัพเวียดนามเหนือกําลังเตรียมอาวุธหนักระยะยิงไกลอํานาจการทําลายสูงเพื่อประเด็จศึกยึดไ้ง้อนในฉากสุดท้ายเมื่อนาแรงหลังฝนนี้มาถึงสายรู้ไหมมันคืออะไรรู้สิสหายท่านจรวดเอชสองปืนใหญ่เครื่องกระสุนระเบิดเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนการดําเนินอุดมการชนิดต่างๆ ถูกต้องนั่นคือสุดยอดเป้าหมายที่สตรูกลุ่มนี้ต้องการสายท่านถ้าเช่นั้นเราต้องเล็งปรับแผนให้สหายนักรบหนวดจัลยุทธ์เอาไปปฏิบัติใหม่เป็นการด่วนถูกต้องสายลองเสนอแผนการขึ้นมาซิเพิ่มกําลังหนวดจัลยุทธ์ค้นหาศัตรูที่เหลือให้พบโดยเร็วสลายกําลังศัตรู6คนนี้เป็นอันดับแรกเพื่อลดจำนวนศัตรูแล้วเพื่อดึงศัตรูที่เหลือให้เปิดเผยตัวออกมาโดยการลบยึดเยอะๆกับ6คนนี้แเรารอให้ศัตรูที่เหลือเข้าทําการช่วยเหลือถูกต้องสาย ให้สหายเพิ่มกําลังหน่วยจระยุตอีกร้อยคนเขาฝังตัวหลังพื้นที่หน่วยก่อติดศัตรูหน่วยนี้แล้วทาการฝังตัวอย่างปิดลับที่สุดเผยตัวได้ก็ต่อเมื่อศัตรูที่เหลือขึ้นกําลังเข้ามาแล้วเท่านั้นส่งข่าวสั่งการถึงกรมที่สีบสี่ให้เร่งการขนย้ายอาวุธเขาเก็บในแหล่งโดยเร็วหากเป็นไปได้เคลื่อนย้ายทั้งกลางวันกลางคืนเริ่มตั้งแต่ บ, บัดนี้เลยใช่ไหมสหายท่านใช่เริ่มได้เลยขอย้ําเน้นเรื่องการค้นหาศัตรูกลุ่มที่เหลือต้องพิสูจน์ทราบให้สำเร็จเสียก่อนจึงประเดศึกหกคนนี้นะทราบสายท่าน สายนักรบกรมฐานราบที่ส4ี่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังคุ้มกันอาวุธพิเศษนี้ไหมให้สายพิจารณาความจาเป็นเองเลยเพราะถ้ากำลังคนมากเกินไปอาจเป็นเป้าหมายใหญ่ง่ายต่อการตรวจการทางอากาศกรณีนี้ก็มีทั้งได้และเสียสายเปรียบเทียบให้ดีทราบสายท่านเรื่องเครื่องบินตรวจการโอวีสิของศัตรูกุ่มนี้ล่ะจงทาลายมันถ้าทาได้ทราบสายท่านตอนที่ยี่สิบสี่ จากข่าวสารเบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูที่ผอบอรพันผอบอรร้อยแจ้ให้ทราบในคําสั่งนั้นเวียดกงสองกองร้อยจํานวนหนึ่งรอห้าสิบคนอาวุธแนตราพร้อมมูลทั้งหนักและเบาเคลื่อนย้ายจากฐานร้อยในภูมิประเทศไปตามแนวเขตป่าทึบได้ค่อนข้างสะดวกเพราะทุกคนต่างเคยจัดระยุตผ่านมาแล้วกอบกับรู้แน่แล้วว่าขณะนี้ศัตรูปักหลักฝังตัวบริเวณไหนขบวนเดินจึงเป็นไปอย่างปลอดโปร่งสปีดความเร็วได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลช่วงเวลาเพียงครึ่งวัน สองกองร้อยเวยดกงก็เริ่มเข้าเขตอันตรายจะฝ่ายเดียวกันอัตราเร่งในการเดินลดลงการสังเกตลักษณะภูมิประเทศเพิ่มขึ้นการเลือกใช้เส้นทางการเตรียมลูกขบวนตั้งรับโจมตีระหว่างการเดินทุกอย่างเพิ่มความเข้มข้นทางสิน้นไม่ใช่วันไหวว่าศัตรูอาจโผล่หน้าเข้ามาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่อย่างใดเสียงผอร้อยสั่งการให้ขบวนเดินสื่อทอดคำสั่งย้ำเตือนถึงกำลังลบดังลันได้ยินทั่วจากปีกซ้ายถึงปีกขวาสายระวังกับระเบิดระวังกับระเบิด เวทกองหนึ่งกองร้อสังกัดกรมฐานราบที่55ภารกิจเดียวกันเคยปฏิบัติการสืบทอดอุดมการไล่ล่าศัตรูในพื้นที่มาก่อนตามข่าวแจ้งให้ทราบในข่าวไม่ละเอียดนักเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดวางกับระเบิดดังนั้นกองร้อยเวทกองสังกัดกรมฐานราบที่44ิจึงจะเป็นต้องใช้ความสามารถและดุลยพินิตฐ์บวกประสบการณ์เอาเองว่าของจริงๆนั้นควรอยู่จุดไหน รังรับทราบคำสั่งขบวนเดินทางยุทธวิธีรูปหน้ากระดานเริ่มเปลี่ยนจากต่างคนต่างเดินมุ่งสู่ทางทิศตรงหน้าตัวเองมาเป็นเดินซอนคนอยู่หน้านําทางให้คนหลังเดินเหยียบทับรอยเทา้าอาศัยช่องว่างระหว่างแหล่งกางําบังธรรมชาติเป็นเครื่องสังเกตภายใต้การตรวจตายอย่างพินิษฐพิเคราะห์จากสายตาทุกคู่ตั้งคิดอยู่เสมอว่าหากมีสถานการณ์ประทะเกิดขึ้นจุดใดหน้าใช้เป็นแหล่งกําบังแอบเลนช่องทางใดใช้เดินสะดวกหรือตรงไหนเป็นช่องทางบังคับ จุดนั้นบริเวณนั้นต้องมีกับระเบิดแน่นักรบเวียดโกงผู้ถูกฝึกถูกสร้างขึ้นมาด้วยหลักนิยมทางการลบแบบเดียวกันย่อมมองออกว่าลักษณะเด่นหรือ ด, ด้อยของภูมิประเทศเช่นไรสมควรวางกับระเบิดเป็นรูปใดกระทั่งค้นพบลูกแรกสหายใต้คนไม้ห่างมาสองเก้ามีกับระเบิดคนอยู่หลังร้องบอกคนข้างหน้าเมื่อพบว่ายอดไม้กิ่งโตเท่าหนูมือยาวแขนเศษสูงกว่าระดับสายตายเล็กน้อยถูกหักให้ปลายห้อยลงมาแต่ยังติดคาอยู่กับกิ่งเดิม ายชี้ลงดินบริเวณโคนต้นตรองตำแหน่งตามบอกพอดิบพอดีเวียดโกงคนนำหยุดเท้ากึกกวาดสายตาไปข้างหน้าระยะสิบก้าแล้วพบว่าผิวพื้นดินราบเรียบบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่น่าใช้เป็นแหล่งกำบังกว้างขนาดคืบมือมีลักษณะถูกขุดก่อนแล้วกลบลงอย่างเดิมผิวดินราบเรียบถูกเกลี่ยอย่างดีเห็นเป็นโคกเล็กๆสูงกว่าบริเวณข้างเคียงชัดเจนแม้มองเพียงผ่านๆก็รู้ว่าใต้ดินตรงนั้นมีกับระเบิดฝังอยู่ขบวนเดินบางส่วนหยุดลง หลายคนช่วยกันค้นหาบรรจุละใต้ดินลูกที่สองสมสในขณะที่บางส่วนลุกหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียงพอบอร้อยสั่งการดังสำทับมาอีกปล่อยไว้อย่างเดิมละสายอย่าไปแตะต้องมันเวทโกงเข้าใจความหมายในการสั่งการนี้ดีว่ากับระเบิดคือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มศัตรูได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ยังไม่ได้หมายรวมอำนาจทางการทำลายล้างเข้าไปด้วยสักครู่เสียงเวทกงคนริมของส่วนที่ค้นพบดังขึ้นอีกข้างหน้าทางขวาห่างไปยี่สนั้นก็ใช่ ขวาสุดริมพุ่มไม้นั่นก็อีกลูกหนึ่งทุกคนเหลยวสายตามองตามมือที่ชี้ประกอบคําพูดอย่างใจเย็นจากการตรวจพบ3ามจุดแรกแล้วก็รู้ว่าแนววางกับระเบิดกลาวนี้เป็นแนวเส้นตรงเฉียงไปทางขวาพาดยาวผ่ากลางพื้นที่ลานโล่งในป่าตรงวิจกงส่วนปีกเริ่มเคลื่อนตัวเป็นคนแรกหมายตาบางตําแหน่งบนเส้นแนวนั้นใกล้ออกไปจนถึงชายลานโลง่งด้านตรงคามไม่นานก็ค้นพบทําการสรุปเองก่อนแจ้งให้ทุกคนทราบไปได้เลยสหายกับระเบิดดงเนี้วางเป็นแนวตรง มีทั้งหมดกี่ลูกะสหายแปดลูกทุกลูกมีเครื่องหมายกำกับพวกเราเว้นช่องกลางไว้แล้วขยายปีกออกทางข้างดีกว่าระยะทางยังไม่ไกหลหรอกเดี๋ยวถึงจุดที่สายเวทกองกลมห้ห้าฝั่งตัวถ้า้นก็ต้องระวังศัตรูสิสหายแน่นอนศัตรูคือศัตรูตัวจริงสายยมโมตรกัวกับระเบิดอยู่เลยช่วยกันระวังศัตรูด้วยแล้วกันถ้าถูกซุ่มโจมตีก่อนฝ่ายเราจะเสียเปรียบสหายหลุดจากป่าปลงตรงนี้ด้านหน้าน้มเป็นป่าทึบด้านซ้ายเป็นชายทุ่งกลอกทางไหนดีเวทกองลูกน้องปรึกษากันเองระหว่างเส้นทาง สิ่งคราวสงสัยไม่สามารถชี้ขาดได้จึงจําเป็นต้องหันไปถามพอบอร้อยสายท่านเส้นทางด้านหน้าเรายึดถือแนวไหนดีพอบอร้อยเฝ้ามองอยู่ก่อนแล้วพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างความสะดวกสบายในการเคลื่อนขบวนกับมาตรการปิดลับที่ตั้งและกําลังลบอย่างเร่งรีบจ้องสายตาฝ่าแนวป่าทึบพร้อมวาดภูมิประเทศในใจก่อนสั่งการเด็ดขาดบุกเข้าไปในป่าทึบนั่นแหละสายข้ามไปได้ก่อนขําวันนี้ก็คงถึงที่หมาย ทำไมสายไม่ใช้เส้นทางในทุ่งโล่งหระบางทีอาถึงที่หมายก่อนคำไม่ดีในทุ่งโล่งมองไม่เห็นในป่าทึบแต่ในป่าทึบมองเห็นในทุ่งโล่งในทุ่งโล่งไม่มีศัตรูเราก็เห็นอยู่แล้วแต่ในป่าทึบยังไม่รู้ในเมื่อสุดยอดของงานสืบทอดดูดูการคราวนี้คือการได้ประทับกับศัตรูเพราะฉะนั้นสายคิดว่าเราสมควรใช้เส้นทางไหนถ้าเงาเป็นการถูกต้องแล้วสายท่านถ้าศัตรูแอบฝังตัวในป่าทึบโอกาสที่จะได้ประทับกันก็ต้องเกิดขึ้นแน่ทุกคนเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ดีมากสายนักรบ ผ่านดงกับระเบิดดงนี้ไล้ทุกหน่วยขยายแนวรูปขบวนเคลื่อนที่เปิดระยะเคียงออกไปอีกเมื่อมีการประท้าย ห, หน่วยจะระยุดหลักชาร์จเข้าหาศัตรูโดยเร็วทำการยิงตกรงให้ศัตรูหยุดการเคลื่อนไหวในเชิงตอบโต้ทุกชนิดได้ฝ่ายนักรบต้องทำการยิงอย่างเร็วรุนแรงและก็ต่อเนื่องในขณะเดียวกันหน่วยจะระยุดทางปีกสองข้างก็ต้องรีบหาโอกาสทำการโอบล้อมแนววางตัวด้านข้าง ข, างของศัตรูเตรียมจู่โจมด้วยกำลังที่เหนือกว่าทั้งจำนวนนักรบและจำนวนอาวุธ ทุกหน่วยจะรยุติต้องยินดีเสียสละชีวิตตัวเองเข้าแลกกับศัตรูชนิด1ต่อหนึ่งหรือฝ่ายเรา2ต่อศัตรูหนึ่งก็ต้องยอมต้องทําทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งศัตรูจนกว่าจะสามารถสลายกําลังศัตรูได้อย่างสิ้นเชิงคําสั่งคําแนะนําคําปลุกเร้าให้เกิดอารมณ์ลุกลบถูกสื่อทอดต่อกันไปอย่างกระท่อนกระแทนจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างตามประษาขบวนเดินเวทกง2องกองร้อยทยอยกันตามหลบเลี่ยงออกจากพื้นที่ดงกับระเบิดในป่าปโปรง่งมุ่งนาสู่ชายป่าฝั่งตรงค้าม เตรียมเข้าเขตป่าทึกด้วยจิตใจะระทึกลายคนชี้ให้ดูร่องรอยหลักฐานบางอย่างของกลุ่มสายนักรบที่ผ่านเส้นทางนี้มาก่อนยิ่งทาให้เลือดในกาฉีดแรงยิ่งขึ้นแม้เป้าหมายยังอยู่ไกลแต่ความรู้สึกเหมือนอยู่ใกลอาวุธทุกระบอกพร้อมเต็มทีเท้าทั้งสองสาวยาวสายอาดอาดสปีดความเร็วได้อย่างเดิมเหมือนเมื่อครั้ง ข, งขบวนเดินเริ่มขึ้นใหม่ๆบายจัดมากแล้วขบวนเดินบุกฝ่ากลางโดงทึบทะลุสู่ฝั่งตรงข้ามได้สําเร็จ เวียดกงกลม44ทั้ง2องกองร้อยมีโอกาสได้พบกับเวียดโกงกลมห5ชุดประกอบศัตรูอยู่เดิมจํานวน20คนณนะบริเวณชายป่าสอบถามกระทั่งได้รายละเอียดว่าชุดเกาะติดจริงๆอยู่ทางชายป่าอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าที่ของผอบร้อยต้องออกไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าศัตรูกุ่มคน6คนนั้นมีความเป็นอยู่กันอย่างไรสหายเหนวอจระยุทของสหายเกาะติดศัตรูอย่างนี้3าวันแล้วใช่ไหม พอบอร้อยผู้มาใหม่ถามเวทกงชุดกาะติดศัตรูโดยไม่ระบุถามตรงๆคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะสายตาเพ่งจ้องไปทางทิศด้านนาตามช่องว่างระหว่างไม้ใหญ่ไม้พุ่มที่ขึ้นสลับกันจนเห็นทหารนาเมริกันสองคนกําลังนั่งคุยกันโดยไ ม, ม่มีวิแววว่าสงสัยหรือละแค่นลัข่ายว่าบัตรนี้มัจจุราชจํานวนหนึ่งกำลังจับจ้องหมายเอาชีวิตแม้แต่น้อยเวทกงชุดก่อติดตอบคาถามในทางผู้มาใหม่ด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิและมั่นใจใช่แล้วสายท่าน ทีดว่าถ้าได้รับคําสั่งให้สลายกําลังสเตรลกลุ่มนี้เมื่อไหร่สายนักรบของเราก็สามารถกระทำการได้สําเร็จภายในเวลาไม่ถึง1นาทีสายท่านมาที่นี่เพื่อสั่งการให้เริ่มเปิดฉากสลายกําลังสตรูเลยใช่ไหมไม่ใช่หน่วยเหนือมีแผนการบางอย่างเตรียมลงสตรูให้เข้ามาติดกับดักและให้ตกอยู่ในพื้นที่สังหารพร้อมกันทั้งหมดเท่าที่พวกมันมามีแผนการแบบไหนสายท่านเราต้องรอจนกว่าหน่วยจะระยุตพิสูจน์ทราบได้แน่นอนว่าขณะ น, นี้สตรูอีกสิคนนั้นฝังโตอยู่ที่ไหนเมื่อรู้แล้วจึงจะเปิดฉากสลายกำล แผนการอย่างหนึ่งก็คือทําการลบหน่งศัตรู6คนนี้ร้อยศัตรู18คนนั้นเข้ามาช่วยนั่นแหละเราจึงจะสามารถรบยอดทั้งกลุ่มได้สําเร็จสายท่านมากี่คน150คน2องกองร้อฝังตัวอยู่กับกลุ่มสายที่ใช้ป่าด้านโน้นสายท่านมาทางป่าทึบนี้ใช่ไหมถูกต้องมีอะไรหรอไม่มีหรอกแต่น่าสงสัยว่ามีสายท่านผ่านป่า น, า น, นี้มาไม่พบร่องรอยศัตรูบ้างเลยเหรอไม่พบพบแต่รอยกับระเบิดของสายนักรบเหนือจลยุทธ์กลมห5าที่ฝังเอาไว้สแสดงว่าในป่านี้ไม่มีศัตรูแอบเข้าไปซุ่มฝังตัวอยู่ ส่หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าศัตรู18คนนั้นไม่น่าอยู่ห่างจากศัตรู6คนนี้นะสิหรือว่าศัตรูแยกกลุ่มกันออกราตเวนทําการลบอย่างอิสระถ้าเป็นอย่างนั้นจริงโอกาสลวงให้18คนมาช่วย6คนนี้ก็ไม่สําเร็จนะสิไม่รู้สิสท่านกรณีนี้เห็นที่ต้องรอสั่งการจากหน่วยเหนือเพียงอย่างเดียวหน้าที่เราคือประกบเกาะติดไม่คลาดสายตาหมายต้องใช้เวลานานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ต้องทนใส่แน่ใจนะว่าศัตรู6คนนี้ไม่รู้ตัวกําลังถูกเกาะติด เรามั่นใจสายท่านพราะถมันรู้ตัวมันคงหนีหรือไม่ก็ต่อสู้แล้วตลอด3วันที่ผ่านมาพวกมันไม่เคยเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเลยผัดกันพักผ่อนผัดกันเข้ายามเฝ้าสังเกตการอย่างไรก็อย่างนั้นไม่เคยแม้แต่ออกสำรวจพื้นที่รอบๆว่ามีใครเกาะติดหรือไม่ด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าศัตรูประมาทถึงขนาดนี้ใช่สายท่านพวกเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันถึงต้องคอยระวังตัวอย่างมากบางครั้งก็กลัวเหมือนกันว่าศัตรูหกคนนี้อาจมีแผนรวงบางอย่างหลอกให้เราตายใจหลงเกาะติด สายเคยจราญุตเข้าไปพิสูจน์ทราบ พ, พื้นที่ด้านหลังของศัตรูหกคนนี้บ้างไหมเคยแต่ก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตทั้งด้านหลังด้านข้างทั้งซ้ายขวาไม่พบอะไรทั้งนั้นหมายความว่าศัตรูหกคนนี้โดดเดี่ยวแยกออกมาสลัดจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่มีใครยืนยันได้อย่างแน่นอนหรอกสายท่านจนกว่าทุกอย่างจะปรากฏให้เห็นกับตาใช่แล้วสายเพราะถึงอย่างไรศัตรูกลุ่มนี้ก็มีฝีมือในการลบไม่น้อยเหมือนกันจนบางครั้งอาจพูดได้ว่าเก่งกว่าสายนักลบดักกงของเราด้วยซ้ําไปนั่นสิสายท่าน อย่างเช่นการเดินทางกลางคืนไม่รู้ศัตรูมองเห็นได้ยังไงพวกมันเดินทางได้อย่างแนบเนียนไม่มีเสียงไม่มีการใช้แสงสว่างจับไฟฉายเลยจริงๆนะไม่มีหลอกสหายศัตรูใช้หลักการเดินทางกลางคืนแบบเดียวที่สายนักรบเราใช้นั่นแหละมันก็เดินไปเรื่อยๆตามทิศทางที่กำหนดถึงที่ไหนสว่างเมื่อไหร่ก็หยุดที่นั่นก็แค่นั้นเองไม่ใช่เหรอแล้วทาไมศัตรูถึงเลือกเดินทางเฉพาะกลางคืนล่ะ ศัตรูแสวงประโยชน์ขณะที่สายนักรบหยุดเคลื่อนไหวกลางคืนไงเราก็ออกโจทยุตตรงกลางวันนะ่ะศัตรูมันรู้ดีว่ากําลังอ่ะมีน้อยกว่าเราในเขตเนี้ยฝ่ายเรามีทิพนเหนือกว่ามากศัตรูไม่พร้อมเผชิญหน้ากับเราเพราะขาดการส่งกําลังบํารุงขาดการเสริมกําลังหนุนหรือแม้แต่ความชํานาญภูมิประเทศทุกอย่างศัตรูด้อยกว่าฝ่ายสายนักรบทั้งสิน้นก็นับว่าศัตรูกลุ่มนี้ฉลาดเฉลียวมากนะที่เลือกเคลื่อนไหวเฉพาะตอนกลางคืน เวทกงชุดเกาะติดปรึกษาพูดคุยกับผอบอร้อยผู้มาใหม่ด้วยข้อมูลตรงตามความจริงทุกประการทั้งสองยิ่งคุยกันก็ยิ่งไม่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวกับศัตรูจะเป็นไปตามนั้นต่างยังปักใจแน่ว่าศัตรูต้องมีแผนการบางอย่างที่ลึกซึ้งเพื่อหวังผลในบ้านป่า ย, ย่างใดอย่างหนึ่งแน่บรรยากาศทําท่าจะเงียบลงสักครู่เวทกงชุดเกาะติดเดิมจึงเริ่มแนวความคิดใหม่สายท่าน ค่ำวันนี้เราน่าจะส่งหน่วยจรยุทธ์บางส่วนออกดักหน้าศัตรูเพื่อดูให้เห็นศัตรูมีการปฏิบัติระหว่างการเคลื่อนที่อย่างไรบางโดยเฉพาะอาจมี18คนนั้นช่วยนําทางก็ได้นะหมายความว่าศัตรูใช้6คนนี้เป็นตัวล่อแกล้งเปิดเผยให้เราเห็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วสายท่านเส้นทางดักหน้าสายนักรบทุกคนชํานาญอย่างดีทุกคนเข้าตำแหน่งวางตัวไม่ผิดพลาดแน่เราพอคาดการได้ไหมว่าศัตรูจะใช้เส้นทางไหนในคืนนี้ข้อนี้กําหนดแน่ชัดไม่ถูกเราสายท่านแต่เชื่อว่าต้องมุ่งขึ้นเหนือหรือไม่ก็ตะ ว, วันออกเฉียงเหนนืืืออเหมกกับทุๆคน ถ้าราวางกำลังสายนักรบดักว่าเป็นจุดๆบนเส้นทางเหล่านี้ล่ะสายคิดว่ามีทางทําได้ไหมทําได้สิสายท่านแต่อาจต้องอ้อมไกลหน่อยเพราะบริเวณที่ศัตรูฝังตัวอยู่นั้นตรวจการออกไปได้ไกลกว่าบางทีอาจจะเสียรับก็ได้ไม่เป็นไรสายเราเริ่มแผนนี้กันเลยดีกว่าเพราะถ้าศัตรูสิปดคนเข้ามาสมทบจริงจะได้หายสงสัยกันไปเลยบางทีอยากได้เปิดฉากโจมตีเย็นคืนนี้เลยตอนที่ยี่สิบห้าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน แต่สภาพในป่าถึกมืดลงแล้วแม้ยังไม่มืดสนิทจนรอบกายเปลี่ยนเป็นม่านสีดําำศพสิ่งต่างๆมองเห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มเกือบจําแนกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเงาไม้ใหญ่เงาไม้พุ่มกิ่งก้านที่แผ่ขยายปกคลุมดินทอดทับไม้ลม้มมีร่างของคนแอบกําบังอยู่หน่วยรถพิเศษกลินแบลเลยอเมริกัน12คนโดยการนําของพันตรีคอรลินรวมทั้งสิ้นเป็น13ฝั่งตัวเงียบเฝ้าจับตาดูเหล่าเวทกองตามแผนและคําสั่งของหัวหน้าทีม โดยการแยกกำลังออกเป็นสองส่วนโดย6คนของจาแซมทำหน้าที่เป็นตัวล่อดึงความสนใจเวทกองให้ออกจากพื้นที่สำคัญทางด้านหลังตลอดระยะเวลา72ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนยังเคร่งครัดต่อแนวทางปฏิบัติเวทกองกลุ่มแล้วกลุ่มเราทั้งพวกเดิมพวกมาใหม่เดินผ่านหน้าไปจํานวนมากมายจนเป็นหน่วยขนาดใหญ่อเมริกันต้องคิดหนักในว่าเมื่อได้รับคําสั่งให้สังหารเวทกงทั้งหมดนี้หรือเพียงบางส่วนก็ตามทีตนจะใช้แผนการลบอย่างไร ความมืดเข้าปกคลุมบริเวณการซุ่มนิ่งเงียบเริ่มผ่อนคลายอิริยาบถได้บางหลายๆคนขยับเนื้อตัวจัดท่านั่งท่านอนใหม่พันตรีคอรลินแจ้งวิทยุถึงจ่าแซมไปแล้วว่าแผนลวงหลังมืดคืนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอเวลาตรวจสอบกับจ่าดาวเหนือสักครู่นอสตาจากซารูนเปลี่ยนโอเคซารูนส่งข่าวได้เลยวันนี้ V ีซีเสริมกาลัง150คนอาวุธเตรมอตาศึกเข้าฝังตัวบริเวณชายป่า เตรียมเข้าเสริมชุด20คนแรกนั้นคาดว่าคืนนี้มันต้องผดเด็จศึกเราแน่คุณจะเอายัางไงต่อว่ามาแน่นอนแน่นอนมันต้องเป็นแนวนี้อยู่แล้วซารูนแล้วคนของเราเป็นไงบ้างทุกคนปกติพร้อมรับแผน ง, งานทุกรูปแบบแม้แต่สั่งให้ลุยค่าศึกเกือบ200คนอย่างนั้นน่ะเหรอชัวร์เนาะสตาร์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคทั้งนั้นคอยไม่มีอาการใดจากนักรบหลักจ้างว่ารู้สึกร้อนหนาวหรือไหว้วันต่อค่าศึกจํานวนมากที่มากกว่าเกือบ20เท่านี้แม้แต่น้อย รับทราบข่าวเบื้องต้นจากทีมงานกรีนเบเร่แล้วสั่งให้หล่อคาดว่าคงหันไปปรึกษากับพันตรีโรเจอร์ก่อนตัดสินใจเสียงวิทยุขาดหายไปราวสิบนาทีสัญญาณเรียกฟรีสามครั้งก็ดังขึ้นนั่นคือการเรียกทีมงานแซลมอนโอเคนอะสตาร์คุณว่ามาได้เลยให้ลุยหรือถอยหรือมีอย่างอื่นแปกวันนี้ผมยินดีรับทุกเรื่องใจยเย็นซารนใจยเย็นเกือบ200รอยคนชนะ คืนใจร้อนมีหวังไปเมืองผีหน้าอดทนอีกนิดหน่าภารกิจใกล้ปิดฉากเต็มทนแล้วหรือว่าไม่อยากกลับใช้เงินคอมมิชชั่นก็บอกมาก็ได้ผมจะพยายามใจเย็นทั้งๆ ท, ท, ที่ไฟกำลังไหมอยู่บนหัวกะบาลเนี่ยเสียงนักรบรับจ้างหัวล้อแท้เข้ามาในวิทยุเบาๆพอได้ยินพันตรีมดการพยายามระงับอารมณ์เพราะรู้อยู่แล้วว่าจ่าดาวเหนือมักหาทางผ่อนคลายความเครียดหรือรอให้สมองเกิดไอเดียขึ้นมาใหม่ด้วยการพูดโยกโยวกวนกับเพื่อนร่วมงานเสมอ และก็ดูเหมือนว่าวิธีการแบบนี้จะได้ผลแทบทุกครั้งสร้างความประหลาดใจให้แก่ใครๆจนวุ่นไปหมดเช่นเดียวกันเมื่อเสียงวิทยุนักลบรับจ้างดังขึ้นไอเดียใหม่ก็เริ่มเผยออกมาโอเคซาลูนทึกของคุณแค่สิบสองสิบสา 12, คนรับมือ V ีซีเกือบ200คนนี่ไม่ไหวแร้วนะผมว่าไหวนะนอสตาเพราะพันตรีคอรินส่วนทันควันด้วยความมั่นใจกําลังจะแจงเหตุผลแต่ยังไม่ทันได้พูดเสียงฝ่ายนนอนก็แทรกเสียก่อนเพราะอะไรโอเคนอสตา ผมขอไล่า ย, ยาวเกี่ยวกับ VC ชุดนี้ตั้งแต่เริ่มพบคําให้คุณช่วยพิจารณาสักหน่อยชุดที่มาใหม่เนี่ยร้อยคนเข้าสมทบชุดเดิม20คนกับ2คนหัวหน้าเข้าไปสมทบชุดที่ประกบแซลมอนผมว่าต่อเลยนะหลังจากมืดแล้วนะ่ะ VC จัด ก, กลุ่มกลุ่มละ4คนจากส่วนหลังร70คนลัดล้ออ้อมชุดประกบแซลมอนซ้ายขวาวางตัวไประยะระยะจากจุดวางตัวแซลมอนล้ําไปข้างหน้าคาดว่า VC ตั้งใจวางดักตามเส้นทางที่ฝ่ายเราจะต้องเคลื่อนที่ต่อนะ่ะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว ซาลูนเห็นกลุ่มวีซีล้ำหน้าแซลมอนขึ้นไปวางตัวดักได้ยังไงในเมื่อซาลูนเองอยู่ห่างมาทางด้านหลังของกลุ่มใหญ่โถนอสตาผมไม่ได้นอนหลับนะผมก็มีการติดต่อกับแซลมอนตลอดเวลาแซลมอนนั่นแหละเป็นคนบอกผมเพราะเขาตรวจการเห็นกับตาโอเคไอซีงานไล่า ย, ยาวต่อเลยพันตรีคอรลินใจร้อนอยู่แล้วเพราะอยากสังหารเวทกองกลุ่มนี้เสียเร็ ว, วแต่ครั้นมาถูกดึงลังเอาไว้จากคนใจเย็นเข้าก็ต้องชี้แจงสถานการณ์ก่อนถึงกับต้องถอนหายใจดังในวิทยุ โอเคนาสตาตอนเนี้ VC แยกหน่วยจรรยุ์เป็นหน่วยละสคนเตรียมโอบชุดของแซลมอนทั้งซ้ายขวาข้างละสี่ชุดกับวางตัวเป็นแนวตรงขวางเส้นทางข้างหน้าอีกสมชุดขณะเนี้เหลืออยู่กับกําลังส่วนใหญ่ด้านหลังประมาณร้อกว่าคนคาดว่าชุดใหญ่นี่แหละจะทําหน้าที่เป็นส่วนโจมตีหลักอัดแซลมอนจากด้านหลังแลให้พวกโอบกร น, นําซ้ํารอบทิศ ท, ทางอีกทีผมว่าคราวเนี้ VC เอาแน่นนะสตาเพราะฉะนั้นคุณจะโมใจเย็นอยู่ไม่ได้เราต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมและครองความได้เปรียบให้ได้ตั้งแต่แรก เอาลังงั้นเอางี้นะซารูนผมปรึกษากับสัมซันแล้วเราสองคนเห็นท้องกันว่าถ้าขืนโมมุ่งแต่วีซีแค่ร้อยกว่าคนเนี่ยเราคงได้เพียงเท่านี้ในขณะที่ภารกิจหลักลยังอยู่กับยุทธภพโนนเราได้ค่าสึกส่วนนี้แต่เราต้องเสียส่วนนั้นซารูนคิดว่าผมควรเลิกตัดสินใจยังไงพันตรีคอลินเงียบเสียงลงทันทีใจที่เคยร้อนเกิดอาการวูบวาบเหมือนถูกราดด้วยน้ําแข็งภาพสถานการณ์สองด้านปรากฏขึ้นในความรู้สึกเราช่างน้ําหนักเปรียบเทียบความสําคัญทันที ความที่ตัวเองมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยในฐานยุทธการแห่งกองกําลังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองภาพสมรภูมิลบให้กว้างไกลกว่าที่เห็นด้วยสายตาขนาดนี้โอเคนอสตางั้นคุณสั่งการอะลรทุกอย่างเอาตามที่คุณกับสัมซันตัดสินใจนั่นแหละจาดาวเหนือเองก็ใช่ว่าไม่รู้สึกร้อนหนาวอย่างที่ใครใคยคิดยามนี้สถานการณ์ลุกของฝ่ายเวทกงกําลังหนุนเนื่องเข้าหายังรุนแรงยอมรับเลยว่าเวทโกงกองพันท่านราพที่6ก2นี้เก่ง สามารถอ่านเกมการรบของฝ่ายตรงข้ามและวดำเนินกลยุทธ์ตอบโต้ได้อย่างถูกต้องฝ่ายอเมริกันใช้แผนลวงฝ่ายเวียดกงก็ใช้แผนลวงด้วยฝ่ายอเมริกันปฏิบัติการแบบซ้อนแผนฝ่ายเวียดกงกับซ้อนแผนอีกชั้นหนึ่งต่างฝ่ายต่างคุมเชิงใครมีไม้ตายอะไรยังอุบเงียบไม่เผยแต่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้รอเวลาสุดท้ายเมื่อเวลาแห่งฉากการรบมาถึงเมื่อนั้นการรบขั้นแตกหักชนิดม้วนเดียวจบจึงจะเริ่มขึ้นนักรบรับจ้างพยายามทบทวนแผนการตั้งแต่คิดการไว้ครั้งแรก กับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ดําเนินมาตามระยะเวลายอย่างพินิษฐพิเคราะห์เกมครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนๆหลายอย่างหลายประการ 1. ไม่เคยปล่อยให้ค่าศึกทําการก่อติดเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้ 2. ไม่เคยเข้าปฏิบัติการต่อสอเป้าหมายในเวลาเดียวกันแต่มักปฏิบัติการทีแล้วเป้าหมายแล้วค่อยๆขยายผลไปหาเป้าหมายต่างๆตามลําดับ 3. ไม่เคยทําการลบแบบตั้งรับโดยเปิดโอกาสให้ค่าศึกทําการโอบล้อมรอบทิศทางได้ 4. ไม่เคยพบค่าศึกเวียดกงดักกงปฏิบัติการอย่างใจเย็นเช่นนี้ 5. ไม่เคยขาดแคลงข่าวสารความเคลื่อนไหวของค่าศึกโดยเฉพาะข่าวดักฟังสั่งการทางวิทยุและ6ไม่เคยห่างไกลจากการสนับสนุนของหน่วยเหนือชนิดที่ทุกอย่างต้องรอเวลาไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเหล่านี้คือข้อจํากัดที่ทําให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่สามารถดําเนินการลบได้ตามแผนหลายอย่างต้องตัดออกไปจากข้อควรคำหนึ่งจนกลายเป็นจุดอ่อนแล้วยอมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบค่าศึก ถึงหากคิดจะทําการลบต่อแล้วก็ต้องจํายอมหรือหาข้อชดเชยอย่างอื่นเข้ามาทดแทนหากไม่แล้วหนทางเลือกซึ่งไม่ใช่ใชัยชนะอย่างเด็ดขาดยังหมายถึงความล้มเหลวในภารกิจและตามมาด้วยความตายที่หน่วยปฏิบัติการไม่อาจหลีกเลี่ยงจะต้องเกิดขึ้นจา่าดาวเหนือเวลายาระงอวิทยุกับพันตรีคอรินไปนานเท่าไหร่สุดจะจําได้เขากําลังจ้องมองพันตรีโรเจอร์ที่ทําการติดต่อวิทยุกับหน่วยงานใหม่ไม่ทราบผ่านเครื่องช่วยถ่ายทอดบนเครื่องแบ็กเเรย์ซึ่งมาทําหน้าที่ตามเวลา กระทั่งเสียงเลกจากพันตรีคอรินดังขึ้นนอสตาจากซาลูนทำไมเงียบนานักโอเคซาลูน okay, <Sal> กำลังติดข่ายแบ็กเลย์อยู่คงมีข่าวสำคัญไม่เป็นไรสัมซันดำเนินการเรื่องนี้แล้วทางคุณมีอะไรว่ามาเลยฮ้ยทำไมคุณถามว่ามีอะไรละ่ะในเมื่อโอเคโอเคผมรู้แล้วตอนนี้ฝ่ายเรายังปกปิดที่ตั้งตำแหน่งวางตัวดีอยู่ใช่ไหมใช่ฝ่ายเราปกปิดตำแหน่งวางตัวดีอยู่ชุดของผมนะส่วนของเซลมอนนั้นเราจงใจเปิดเผยไงเอางั้นงี้ซาลูน สั่งเซอร์มอนให้หาทางเล็ดลอดออกจากวงล้อม VC แล้วกลับเข้ามาสมทบกับชุดของคุณมีทางทําได้ไหมทําได้แต่ผมอยากรู้คุณมีความมุ่งหมายอะไรมีแน่แต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นี่เพียงขั้นเตรียมการเท่านั้นหมายความว่าให้ทีมของผมประกบ VC ต่อไปใช่ไหมถูกต้องเราอาสลัด VC กลุ่มนี้แล้วเข้าหาเป้าหมายใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ซารูนเตรียมการไว้2 อ, อย่าง1เตรียมสังหาร VC กลุ่มนี้กับ2เตรียมสลัดการแกะรอยโอเคไหม แน่นอนนอสตาไม่โอเคก็ต้องโอเคเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วนี่แล้วคุณว่าไงก็ไม่ว่าไงหรอกโอเคซาลูนผมขอเวลาเช็คข่าวใหม่กับแซมซันก่อนแล้วจึงจะเช็คกับยุทธพง์อีกครั้งเชื่อว่าในครึ่งชั่วโมงนี้หรือทันทีที่แซลมอนหลุดมาจากเป้าหมายกาติดได้งานขั้นต่อไปคงเริ่มกันทันทีเป็นไงมะเร็งกินอารมณ์หรือยังคุณจะบ้าแล้วไงนอสตาไม่ใช่มะเร็งหรอกไอแก้ววีซพวกนี้ต่างหากที่มันกําลังกินผมอยู่งั้นก็นแล้วไปที่แรกนึกว่าเป็นผมหรือไม่ก็จัดแซมซ่า คุณนะ่ยไม่ใช่มะเร็งหรอกแต่เป็นไวรัสต่างหากเชื้อมะเร็งยังพอตรวจพบได้แต่ไวรัสอย่างคุณนะ่ยต้องตายแล้วถึงจะพบระหว่างเพาะเชื้อเนี่ยไม่มีอาการอะไรหรอกนอกจากหงุดหงิดหงุดหงิ ด, ง ด, งดอยากฆ่าคนฝ่ายเดียวกันเท่านั้นแหละคิดว่าถ้ารอตายกลับไปคงต้องไปรตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักทีละแล้วคุณจะเป็นอย่างผมบ้างมามอ๋อไม่เลยซารูนผมสบายดีทุกอย่างเพราะอย่างน้อยก็รู้ไม่มีกระสุนวีซีคอจ่อกระ บ, บาลอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่เตรียมการเรื่องถอนตัวจากพื้นที่ไว้พร้อมแล้วเชียร ผมไม่เห็นสนุกเหมือนอย่างคุณว่าเลยโอเคสแตนบายชักลำคานว่ะพันตรีคอรลิงขอระงับวิทยุเอาดือด้อเพราะรู้ดีว่าขืนพูดอะไรต่อไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากได้ผ่อนคลายอารมณ์ย่มสถานการณ์ใกล้ช่วงหัวเร็ยวหัวต่อซึ่งเป็นโคงสุดท้ายก่อนถึงจุดใครแมกของการลบขั้นแตกหักเท่านั้นและจากวิทยุถึงจ่าดาวเหนือเราหันกลับมาสั่งการจ่าแสมเรื่องให้หาทางถอนตัวโรบลีกหนีจากการถูกเฝ้าเกาะของเวียดกงกลงกับเข้ามาสมทบกับชุดของตน ซึงกลยุทธ์ข้อนี้ไม่มีปัญหายุ่งยากแม้แต่น้อยเมื่อช่องว่างระหว่างชุดประกอบโอบล้อมของเวทกองแต่และชุดห่างกันเกือบร้อยเมตรหน่วยรถพิเศษกรีนแบเร์สามารถมองเห็นในความมืดได้จึงสามารถเล้นกายใช้ความเงียบแฝงไปตามแนวไม้พุ่มเตีย้ยทั้งหมดเดินเรียงตามลำดับเป็นแถวตอนถึงช่วงห่างกันไม่มากนักบนพื้นที่ภูมิประเทศที่ตรวจการไว้อย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมมาก่อนตลอดทั้งวันนั้นใช้เวลาไม่นานก็หลุดออกมาจากแนววงล้อมสำเร็จ จากดาวเหนือหวัวล้อเบาๆสมองได้รับการคลายเครียดลงบางฮันมหาพันตรีโรเจอร์ที่เพิ่งสั่งสแตนบายวิทยุกับนักบินมีข่าวอะไรเหรอครับเมเจอร์โอเคข่าวแรกคืนนี้ทั้งคืนตลอดถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อๆไปด้วยจนกว่าจะเสร็จสิ้นภา ร, รกิจเครื่องบิน U7 แบ็กเลย์จะมาบินเป็นหน่วยสนับสนุนถึงช่วยถ่ายทอดคลื่นวิทยุกับช่วยรายงานข่าวที่ตรวจการพบข่าวที่2หน่วยละตเวณไแคท ทหารเมริกาผสมทหารเวียดนามใต้24คนเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วขณะนี้ฝั่งตัวอยู่ทางเหนือของยุทธพง์ห่างไปราว25กิโลเมตรพวกเขาตรวจพบเส้นทางลำเลียงอาวุธที่พุ่งตรงเข้าหาจุดฝั่งตัวของยุทธพง์พบร่องรอยการลำเลียงอาวุธด้วยเรื่องที่3กําลังทหารราวหนึ่งกองพันตามคําร้องขอของเราตอนนิสนันไบรอคําสั่งเครื่องกําลังอยู่ที่อุบลแอร์เบสพร้อมด้วยซนุก6เครื่อง เรื่องที่สี่ขณะนี้เครื่องบินโจมตีเพื่อการสนับสนุนทางอากาศเตรียมพร้อมสามารถอ n t a ท g e เกตได้ภายในเวลาไม่เกิน15นาทีและก็เรื่องที่ห้าอันนี้สำคัญมากฝ่ายข่าวในไ้งอนตรวจสอบแน่นอนแล้วว่าเวียดนามเหนือกำลังํำเรยงจรวดระยะยิงปานกลาง SS2 จำนวนหนึ่งเข้ามาเตรียมไว้ในเขตแขวงอตเปือเพื่อจะใช้ทาการยิงใส่กรุงไซงอนในการลุกใหญ่หน้าแรง ข่าวนี้ไม่ได้แจ้งหรอกนะว่าขบวนจรวด SS2 ขบวนนี้คือขบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์ตามข่าวของแบ็กเล่หรือไม่และนี่คือสาเหตุใหญ่ที่กองกำลังไซงอนต้องขอให้แบ็กเล่ทำการบินตรวจตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยโอเคงั้นผมขอเวลาตรวจสอบกับยุทธพงศ์ก่อนตอนที่26จ่ายยุทธพงศ์ฝั่งตัวอยู่ห่างไปทางตะ ว, วันออกราว3กิโลเมตร เปิดเครื่องไอคอมสแตนด์บายรับฟังรับทราบเรื่องราวทั้งหมดเพราะวิทยุตั้งความถี่เดียวกันไม่ต้องรอให้หัวหน้าทีมเป็นฝ่ายเรียกส่งวิทยุสวนตอบทันทีโอเคพี่สั่งการมาได้เลยทางผมพร้อมอยู่แล้วเออให้มันได้อย่างนี้สิวะเรื่องใจร้อนระทนัดดีนะักโถพ่พี่นั่งๆ น, นอ น, น, อนๆอยู่อย่างเนี้ยเซ็งจนง่อยกินแล้วพี่น่าจะให้ผมสี่คนและตะเวนเข้าหาไว้แคทเลยนะพี่เพื่อมีงานสําคัญที่ให้หน้าทําบ้างเราน่าจะเป็นฝ่ายค้นพบเป้าหมายประหลาดพิสดารพวกนั้นก่อนเขานะ เอางั้นเหรอแนนอนนอนแน่อยู่แล้วพี่โอเคถ้าต้องแยกชุดออกไปทำงานอย่างอิสระได้มะไม่มีปัญหาพี่พูดยังกับพวกเราไม่เคยแยกกันทำงานอย่างนั้นแหละโอเคถ้างั้นมุ่งขึ้นเหนือหมายตำแหน่งระยะ25ห้ากิโลเมตรไว้ให้ดีเกาะเส้นทางสายนี้นี่แหละอย่าลืมรายงานข่าวเข้ามาก่อลงมือปฏิบัติการทุกอย่างนะรับรองพี่ สองนักรบลับจ้างผู้มีประวัติการทํางานประเภทไล่ล่าตามค่าตามสังหารเล่าศัตรูหัวแดงเข้าขากันอย่างดีเยี่ยมสแตนบายวิทยุด้วยความรู้สึกเชื่อมัน่นจ่ายยุทธภงเข้าใจและอ่านแผกนการของจ่าดาวเหนือออกอย่างทะลุปุก ป, ปรลงเตรียมสนองนโยบายทั้งการปฏิบัติต่อปัญหาเฉพาะหน้าต่อปัญหาระยะยาวอันหมายถึงขั้นตอนสุดท้ายของภารกิจข้างจ่าดาวเหนือเองก็ยอมรับในฝีมือของเพื่อนรุ่นน้องแม้บางครั้งออกจะบูมบาม่าบ้าดีเดือดมุทะลุหัวชนฝ่าบ้าง แต่ครั้นถึงคราวต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของทีมงานกลับใจเย็นสุขุมค่อยๆ อ, อ่านเกมแล้วดำเนินกลยุทธ์ตอบโต้ได้ชนิดคาดไม่ถึงเสมอนักรงหลับจ้างหัวเราเบาๆในลําคอก่อนหันมาหาพันตรีโรเจอร์ในความมืดหนาต่างฝ่ายต่างไม่เห็นประกายเจิดจ้าในแววตาซึ่งกันและกันแต่น้ําเสียงของจ่าดาวเหนือบ่งบอกชัดว่าความสําเร็จของภารกิจใกล้เข้ามาแล้วเมเจอร์ Major, สั่งการทหารราวหนึ่งกองพันมุ่งเข้าพื้นที่ได้เลยครับพันตรีโรเจอร์หัวเราขึ้นมาบ้าง จองเขม่งบนใบหน้าเพื่อนนักรบต่างชาติผู้มีชั้นยศน้อยกว่าแต่ล้ำลึกเฉียบขาดด้วยแผนการรบบนภาพสรุอลางๆนั้นเห็นเงาสะท้อนในดวงตาชัดเจนก็ให้รู้สึกโล่งไปทั้งตัวนอสตาคุณยังไม่ได้กําหนดแผนการแลนดิ้งเลยนะโอ้จริงสิลืมสนิทเลยเดี๋ยวก็ได้เห็นไปลงในเขตเวียดนามเหนือเสร็จกันพอดีเปลยออกมาอย่างใจเย็นนักรบรับจ้างลงแผนที่ออกมาจากซอกอ ก, อกเตรียมกลางแผ่พันตรีโรเจอร์เตรียมไฟฉายพลางแสงช่วยโอเคเมเจอร์ okay, บนเนินยอดโลนโลนเนี่ยมีเนื้อที่กว้างเกือบตารางกิโลเมตรรอบด้านเป็นป่าปโปรง่งระยะห่างหลายกิโลเมตรห่างจากจุดฝั่งตงเซอร์เจนซานไปทางตะวันตก3กิโลเมตรกว่าผมว่าใช้ได้นะก็ดีผมเห็นด้วยพันตรีโรเจอร์พูดจบทั้งทั้งสองก็ต้องเหลี่ยวหน้ามองฟ้าทางทิศนั้นห่างไกลออกไปสายฟ้าแรบยาวแปรเปล่าสว่างสวัยมองเห็นขอบรูปลักก้อนเมฆขนาดใหญ่ ม, หมาหืมาสงสัยคืนนี้มีฝนนะน อ, นอสตาใช่ครับเมเจอร์ Major. เมตั้งเขาแบบนี้ก็คงมีต่ฝนหรือแม่ก็อาจมีพายุด้วยคุณกําลังห่วงเรื่องแลนดิ้งใช่ไหมใช่ครับไม่มีปัญหาหรอกสีนุกมีกาลังเครื่องยนต์สูงสู้กับพายุดได้สบายผมว่าเป็นการดีนะถ้าฝนตกอ่ะ VC ออปฏิบัติการไม่สะดวกไงตรงกันข้ามเลยไมเจอร์ธรรมชาติภูมิประเทศความยุ่งยากทุกอย่างยิ่งมากเท่าไหร่กองโจรเวียดกงมันยิ่งชอบเท่านั้นเพราะมันหมายถึงข้อจํากัดของทหารผู้ดีอย่างเรา ฝ่ายเราคล่องตัวน้อยเท่าไหร่ฝ่าย VC จะช่วยโอกาสโหมใส่ทันทีชนิดไม่ยั้งมือเลยเชียวแหละจริงไหมครับเออใช่แล้วนอสตาคุณพูดถูกนะแต่ผมไม่เคยเห็นคุณเอาหลักการข้อนี้มาใช้กับ VC เลยนี่ก็อยากใช้อยู่เหมือนกันแต่ VC ไม่เคยเผยจุดอ่อนทำนองนี้ออกมาไม่เห็นสักทีถึงต้องค้นหาช่องทางอย่างอื่นมาทดแทนไงครับโอเคผมว่าเราผ่านเรื่องของคุณไปก่อนดีกว่าการแรนดิ้งของฐานลาวคราวเนี้ถ้าทัศนวิสัยเป็นอุปสรรคคุณจะแก้เกมยังไง ใครสามารถแก้ไขธรรมชาติได้เล่าเมเจอร์นอกจากต้องระมัดระวังตัวเองเท่านั้นสิ่งไหนขาดเหลือก็หาสิ่งอื่นมาชดเชยเท่านั้นก็สิ้นเรื่องแล้วอะไรล่ะที่มันขาดแล้วอะไรที่มันต้องชดเชยไม่รู้สิครับเมเจอร์ถึงเวลาสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดเองเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนส่งข่าวผ่านแบ็กเลย์เลยดีกว่าให้แลนดิ้งภายในเที่ยงคืนตรงดีมว V ซี VC ล่ะเอ้าเมเจอร์ซก็ V ีซสิครับไม่เห็นยุ่งยากตรงไหนเลย ผมหมายความว่าถ้ามันโจมตีฮอลแลนดิง้งเราก็เหมือนกันอีกนั่นแหละเมเจอร์โจมตีก็คือโจมตีใครไปห้ามมันได้เราเพราะว่าเมเจอร์อย่าวิตกกังวลให้มากนักเลยดีกว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขืนมัวแต่กังวล เ, เห็นทีไม่ต้องรบไม่ต้องทาสงครามกันโอเคโอเคงั้นผมจะการตามแผนของคุณก็แล้วกันพันตรีโรเจอร์ยังไม่เคลียร์ต่อแผนการส่งตรงของจ่าดาวเหนือในครั้งนี้มากนักเพราะไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิน้นนอกจากคําสั่งสั้นๆว่าให้ส่งตรงบนยอดเหนือนักเวลาเที่ยงคืนตรงเท่านั้น อยากซักไซด์ถึงแผนการปฏิบัติคณะส่งลงและหลังการส่งลงว่าควรเน้นหรือควรระมัดระวังอะไรอย่างไรบ้างแต่จ่าดาวเหนือไม่เว้นช่องว่างให้สักทีสุดท้ายต้องตัดบทรับไปดําเนินการอย่างว่าง่ายจ่าดาวเหนือจบจากพันตรีโรเจอร์โดยไม่สนใจว่าฝ่ายนั้นรู้สึกขัดข้องใดใบ้างยกไอคอมเครื่องประจําตัวแน่ปากพูดแล้วกรอกเสียงลงไปซารูนจากนอสตารายงานสถานการณ์ด้วยโอเคนอสตาขณะนี้เซอร์มอนกับลูกน้องกลับมาสมทบกับผมเรียบร้อยแล้วนั่นไง ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่เนี้ยไม่เกินความสามารถของแซมอนหรอกง่ายกว่ากระพริบตาสกจริงไหมผมว่าฟุกมากกว่านะจงบอกวีซีมันเถอเพอดีระหกักเฮซารูลงานแบบเนี้ยไม่มีใครเผลอหรอกแล้วนั่นนะวีซีนะไม่ใช่ทหารลาวที่เอาแต่ลับ u, θε, เอาเถอะเอาเถอะผมก็พูดประชดประชันคุณไปงั้นแหละมีอะไรเพิ่มเติมสั่งการมาเลยดีกว่าอยากทราบความเคลื่อนไหวของ VC นะ่ยว่าตอนนี้มันทำหน้ายังไงบ้างซารูลพอมองออกไหมหรือว่ต้องกระชากหน้ามันมาดูใกล้ๆผมต้องการจริงๆนะไม่ใช่ประชด ฝ่ายพันตรีมิริกันถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนลำคาญเต็มประดาอยากตะโกนเสียงดังๆให้ลั่นป่าแต่ก็จนปัญญาพราะแต่งว่าข้าศึกจะได้ยินจำใจจำยอมบีบเสียงกระซิบกระซาบตอบในวิทยุไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกทุกอย่างยังเ ห, เ, เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรอ่ะก็ของเดิมเป็นยังไงผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเฮ้นอสตาร์ใกล้ที่ผมประกบอยู่หน่วยจนอายุสี่คนจัดชุดเตรียมอบร้อมแซลมอนนั่ไงอ๋อโอเคไอซีสรุปประกบระยะเท่าไหร่ ตัวผมเอง350เมตรตรวจการด้วยกล้องได้ทั่วถึงดีตัวแซลมอนเองเขาใกลหน่อยห่างแค่ร้อเมตรคอยตรวจสอบท่าทีหรืออาจจะมีรายการแจกรอยตามถ้า V ีซกลุ่มนี้มันเคลื่อนที่ออกไปความจรงิงแซลมอนไม่จำเป็นต้องประกบชิดขนาดนั้นก็ได้นะโอเควันนี้ V ีซีชุดเสริมใช้เส้นทางด้านไหนของซารูนพอกําหนดได้ไหมมันมาทาง7จ็นาฬิกาคาดว่าตรงดิ่งมาตามแนวนี้ตลอดทําไมมีอะไรเหรอผมกําลังพิจารณาเส้นทางให้ซาลูนเล่นเกมสังหารนะสิ ไม่เห็นเกี่ยวอะไรตรงไหนนอสตามันจะมาทิศไหนก็ช่างมันดิแต่ขณะ น, นี้มันอยู่บนทางปืนของผมแล้ว ก, กระบะตกล่องแรงจับชัดทุกเป้าหมายมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะสิใจผมมาอยากเล่นทั้งของเล็กของใหญ่พร้อมกันเลยต่างหากหมายความว่าไงก็หมายความว่าผมจะให้ซาลูนนาทีมซลมอนเล่นงาน VC กลุ่มนี้ในขณะที่ทีมของผมอะ่ะก็จะไปเล่นกับพวกทางด้านเหนือน่นไม่ยากเลยนอสตาผมว่าผมทําได้ร้อ ใช่ครับผมเชื่อแต่งานนี้ผมอยากปิดฉากทหารเวียดนามเหนือกองพลทหารราบ6 12นี้ไม่ให้ทําการลบต่อไปได้เลยผมต้องการละลายกองพลนี้มันหายไปจากโลกเลยซารูลคิด่ามีทางทําได้ไหมด้วยคนของผมสิบสองบสามคนแค่นี้น่ะเหรอไม่ใช่ยังมีทหารราบลาวอีกหนึ่งกองพันหน่วยบินสนับสนุนทางอากาศจํานวนไม่จํากัดพอไหวไหมหรือว่าต้องการนาวิกโยธินกรีนแบเร่อีกสักเท่าไหร่โอเคไอซี่้างั้นคุณแจงแผนการของคุณมาเลยผมยินดีรับทราบรั บ, รบปฏิบัติ ท่าทีน้ำเสียงของพันตรีคอรลินอ่อนลงมากเข้าใจลึกซึ้งว่านักรบรับจ้างยังจ่าดาวเหนือนั้นทำการลบด้วยดุดมการมากกว่าคิดทำการลบเพียงเงินค่าคอมมิชชั่นเมื่อถึงคราวลงสู่สมรภูมิลบแล้วสมควรอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติการให้มันคุมค่าต้องสังหารทำลายล้างค่าศึกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ในคำสั่งภารกิจระบุไว้เพียงพิสูจน์ทราบและทำลายแหล่งอาวุธสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อกลุงไส้งอนซึ่งยังไม่ทราบชัดว่ามันคืออะไรก็ตาม ครั้น ง, งานพิสูจน์ทราบใกล้ความสำเร็จนักดบรับจ้างยังจ่าดาวเหนือก็มาคิดวาดแผนการใหญ่เตรียมถล่มกองกำลังค่าศึกไว้แล้วเสียงวิทยุจากจ่าดาวเหนือเงียบไปนานนานจนผิดสังเกตพันตรีคอรลินต้องกดสัญญาณเรียกฟรีเป็นเชิงเตือนคอยก่อนซารูนผมกำลังวิเคราะห์บางอย่างจากแผนที่โอเคทราบไม่มีอาการลบเลาหรือเล่งลัดอย่างเคยเป็น พันตรีคอรินนึกภาพตอนจ่าดาวเหนือกับพันตรีโรเจอร์กำลังปรึกษากันเรารู้สึกเสียดายที่ตนไม่ได้อยู่ในโอกาสนั้นด้วยแต่กระนั้นก็ไม่ยอมอยู่นิ่งยกกองเร่งบนสันปืนซสาดส่องสำรวจแนวฝ่ายตัวเองเราเลยไปทางข่าสึกพร้อมกับครุ่นคิดต่างๆน า, นานาถึงแผนการขยายผลการลบจากเป้าหมายตามคำสั่งไปสู่เป้าหมายข้างเคียงที่มีความสำคัญพอกันหรืออาจจะมากกว่าอย่างน้อยกรมปรชาการทหารระดับกองพล ก็ถือเป็นหน่วยมันสมองสําหรับสั่งการถึงหน่วยปฏิบัติติดอาวุธให้ทําการลุกลบหากขาดมันสมองสักอย่างเดียวหน่วยรองลงมาย่อมเหมือนแขนขาร่างกายที่เป็นอมภารการรวมอํานาจทําการลบการประสานแนวทางปฏิบัติไปสู่จุดหมายเดียวกันการกําหนดนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์เพื่อครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่และเงื่อนไขสาคัญอื่นๆทุกเงื่อนไขจะต้องหยุดชะงักอย่างทันทีทันใดปฏิบัติการทางทหารที่ขาดหลักยุทธศาสตร์ มีแต่หลักทางยุทธวิธีแม้ทำการรบชนะก็ชนะแบบเป็นจุดๆในบริเวณแคบๆไม่สามารถครอบครองอนาบริเวณทั้งหมดได้ผู้ช่วยในทหารยุทธการพยายามระงับอารมณ์จัดความรู้สึกใหม่ลดความสำคัญเป้าหมายเวีทกองกลุ่มนี้ลงให้เหลือเป็นเพียงเป้าหมายหนึ่งในจำนวนหลายๆเป้าหมายเท่านั้นผู้ที่ทำการรบที่ชาญฉลาดนั้นต้องสํานึกเสมอว่าคาสึกมิใช่มีเพียงหน่วยเดียวหลายหน่วยและทุกๆหน่วยต่างมีระบบประสานกันอย่างเหนียวแน่น หากมุ่งหวังเพื่อชัยชนะขั้นเด็ดขาดอย่างแท้จริงจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำการโจมตีทุกหน่วยหรือให้มากหน่วยที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามแผนการกำหนดรูปแบบและจัดลำดับในการลุกโจมตีเวล่วงหน้าเหมือนคนเล่นสนุกเกอร์มือเสียงก่อนตบลูกนี้ต้องเตรียมตบลูกต่อไปและต่อๆไปไว้ด้วยหาไม่แล้วจะมีโอกาสได้ตบเพียงลูกแรกลูกเดียวชัันใด นักลบรับจางเยี่ยงกาดาวเหนือก่อนโจมตีค่าสึกหน่วยนี้ก็ได้เตรียมแผนโจมตีหน่วยต่อไปไว้ด้วยฉันนั้นเสียงกดคีย์ฟรีดังขึ้นสามครั้งพันตรีคอรลินกำลังเพลินกับความคิดของตัวเองถึงกับสะดุง้งยกไอคอมขึ้นแนบหูแระลำละลักตอบโอเคโอเคนอร์สตาใจเย็นใจเย็นสา ร, รูนว่ามาเลยผมพร้อมฟังแล้วโอเค เราได้ข่าวมาแล้วว่กากองบัญชาการกองพลเวียดนามเหนือที่612ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือห่างไปราวสิบกิโลเมตรเส้นทางจากพิกัดซารูนไปที่นั่นขนานกับเส้นทา ง, งยุทธภงที่กําลังมุ่งขึ้นเหนือเหมือนกันโดยมีผมอยู่ตรงกลางแผนการขั้นต่อไปของเราก็คือให้ซารูนทําการรบรวง VC กลุ่มนี้มุ่งหน้าไปหาทหารราวหนึ่งกองพันนั้นก่อนหลังจากนั้นให้ซารูนผ่าออกมุ่งหน้าไปกองบัญชาการกองพลที่612 สมทบกับผมซึ่งผมจะเตรียมแผนการไว้รอระหว่างเส้นทางถ้าพบ V4 ประเภทหน่วยจรยุทธ์สังหารได้เลยไม่มีการยกเว้นถ้าทุกขั้นตอนสำเร็จตามแผนนี้นะผมคิดว่าคืนพรุ่งนี้คงจบภารกิจส่วนของซารูนก็มีแค่นี้ก่อนแล้วมีอะไรจะเพิ่มให้ภายหลังโอเคมะโอเคโนสตาร์แลนดิ้งเที่ยงคืนตรงผมจะจัดเวลาเริ่มลงมือเองตอนที่ยี่สิ็ด ทีมงานแซลมอนหน่วยลบพิเศษอเมริกันกรนแบร์เร่เริ่มคึกคักมีชีวิตชีวายขลังหลังจากซุ่มเงียบมองดูเหล่าเวทโกงมานานถึง3วัน4ี่คืนเมื่อได้ยินคําอนุมัตจากหัวหน้าภารกิจในเครื่องไอคอมประจําตัวที่เปิดสแตนบายหลายคนแอบทําเสียงเป่าปากเบาๆตามในใิสัยเคยชินแบบไม่จงใจให้ใครได้ยินแต่ที่ทําก็เพราะอยากระบายความอึดอัดในหัอกกับทางเพื่เป็นการกระตุ้นความรู้สึกที่เฉยชาให้กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้นเป็นการยืดเส้นเอ็นไขข้อที่ยึด ให้ไหลลื่นคล่องแคล่วเหมือนอย่างเก่ากระชับ M203 XM A1 ในมือรูบๆคำค ำ, คำกล้องเลงกลังขื น, นบนสันปืนกับกระบอกเก็บเสียงปลายลำกล้องด้วยอารมณ์ฮึกเหิมและเชื่อมั่นในศรัทธาประสิท ธ, ธิภาพอันวิเศษสุดของมันบางคนยังไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะสถานการณ์เป้าหมายไม่อำหนวยแต่เห็นจากผลงานของเพื่อนกับคำพูดคำบอกถึงสรรพคุณแล้วคงต้องยอมรับบัดนี้อีกไม่นานพวกตนจะได้ทดสอบมันด้วยน้ำมือของตัวเอง เชื่อและหมายใจว่าต้นจะสามารถนําใช้ประสิทธิภาพอันสูงส่งของอาวุธสร้างความตายให้กับศัตรูได้ดีเหนือกว่าที่เราแล้วมาอย่างแน่นอนเมื่อสิ้นเสียงนอสตาเซย์เจนไปไม่นานซารูนในฐานะผู้รับผิดชอบเกมรอ่อกึ่งสังหารเวียทกงก็เริ่มติดต่อกับทีมงานเซย์เจนซามคุณหมายหัวกระ บ, บ้านในตัวหัวหน้ามันได้หรือยังเสียงกระซิบกระซาบลงบนไอคอมพอได้ยินสําหรับตัวเองในขณะที่เครื่องปลายทางทุกยกขึ้นแนบหูจนชิดฟังชัดเจนดี จะแสมยิ้มเครียดเหนือมุมปากเคนเสียงตอบด้วยความมั่นใจไม่มีปัญหาเมเจอร์ Major. ผมทดสอบเส้นเลงเอาไว้กากระ บ, บาด ท, ทาบแสกหน้ามันแล้วนับครั้งไม่ท้วนไม่ใช่แค่ตัวหัวหน้าเพียคนเดียวนะแม้แต่สามตัวลรคส ม, มุนนั่นก็ไม่รอดโอเคนอกจากสี่คนนี้คุณตรวจการเห็นโนจดลยุทธสี่คนชุดเตรียมประกบข้างบ้างไหมเห็นกี่ชุดเส้นเลงเป็นยังไงบ้างหรือมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ก็ไม่มีปัญห า, านั้นแหละเมเจอร์ Major. ทุกคําถามที่ถามมาเคลียร์ปอดโปรงเห็นชัดเจนย่งกับมันมานั่งอยู่ตรงปลายปากลํากล้องปืนเราประกันว่าไม่มีคําว่าผิดพลาด3ามชุดสิคนถ้างั้นคุณสองคนรับงานสังหารในตัวหัวหน้ากับลูกน้องผูกก้ใกล้ชิดเสร็จแล้วหาทางเล่นงานหน่วยจลยุทธ์ต่อสังหารให้มากคนที่สุดเท่าที่จะมากได้ยินดีเลยเมเจอร์ทางผมขอรับพวกกลุ่มใหญ่หน่วยเสิร์มงิงโอเคทราบแล้วแผนลดอกดึงไอเดนตายพวกนี้ไปให้ทหารลาวเชื่อทำไง ใช่แล้วเซอร์เจนเราต้องดึงไอ้พวกนี้ให้ตามเราไปทางทิศฐานราวให้ได้การแลนดิ่งจะปฏิบัติกันตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มส่งกระสุนนัดแรกใส่แสกหน้าไอ้เดนตายคนแรกสามทุ่มตรงเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่ได้เลยระหว่างเคลื่อนที่ก็ให้สังหารมันไปเรื่อยๆเท่าที่พระเจ้าจะประทานโอกาสให้ดีไหมโซ so really, real. กดเร็วๆบนเส้นทางเคลื่อนไปทางตะวันตกรอคอยสำรวจแนวซึ่งกันและกันเอาไว้ชัวต้องแน่นอนอยู่แล้วเมเจอร์ Major. แนวของเราวางไว้ด้านเดียวผมวา่าน้อยไปนะ คอยเดินตายพวกนี้มันสามารถหลบหลังกำบังได้แต่ถ้าเรามีบางส่วนคอยตลบหลังคอยแกะรอยตามปิดชีวิตมันอ่ะผมว่าต้องได้บอดีเ้เขานับไม่ถ้วนเลยนะแมชชีอร์ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีไอ้พวกเดินตายพวกนี้มันไม่ตามแน่เพราะมันต้องคิดว่ากําลังถูกปิดล้อมรอบด้านการตามไล่ล่าเรามันก็จะไม่เกิดเราต้องการให้มันติดตามเราเพราะฉะนั้นต้องทําการยิงล่อจากด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเข้าใจไหมโอเคโอเคไอซี okay, okay, เข้าใจแล้วผมว่าน่าจะมีหนทางอื่นเสริมอีกนะไม่งั้นได้บอดี้เขาไม่หมดนะ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาถ้ามันลุกไล่เราจริงๆอ่ะโอกาสที่มันต้องหลุดมาจากแหล่งกําลังก็ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาเราวางกําลังเป็นแนวยาวเข้าไว้ผมว่าไม่ใครคนใดคนหนึ่งในพวกเราก็ต้องเห็นพวกมันแน่กล้องเล็งย้ระยะสิบห้าเท่าแบบเนี้ยเท่าที่ผมผ่านงานมันนับครั้งไม่ถ้วนการันตีได้เลยไม่มีปัญหาโอเคไอซีงั้นเอาตามแผนของเมเจอร์แล้วกันดีมากเซอร์เจนตอนนี้ไอเดนตายของคุณมันกําลังทำอะไรกันอยู่ก็เหมือนเดิมครับอยู่เฉยๆไม่เห็นทำอะไรอืม แสดงว่วมันรอเวลาให้เราเคลื่อนตัวเข้าหามันนะเพราะหลังจากมืดแล้วเราเคยย้ายฐานทุกวันวันนี้มันก็คงคิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นอีกมันไม่ยอมเป็นฝ่ายลุกเข้าหาเราเองเพราะไม่แน่ใจเรื่องที่ตั้งกับแหล่งกำบงังมันเลยขอเป็นฝ่ายตั้งรับปฏิบัติการซุ่มยิงนี่แหละโอกาสทองของเราแเส่นพระเจ้าเข้าข้างเราแล้วโอเคภารกิจกรณีนี้ถ้าล้มเหลวหรือเสร็จสิ้น ถ้าเกิดปัญหาการรวมตัวกันอีกครั้งเรานัดหมายจุดนัดพบไว้ให้ยึดแนว12บสนาฬกาจากจุดสลดยกำลังครั้งสุดท้ายขึ้นเหนือไปบริเวณ2กิโลเมตรนะโอเคเมเจอร์ okay, ทุกคนรับทราบนะวิทยุทุกเครื่องตั้งความถี่เดียวกันเราเปิดสแตนบายตลอดเวลาทําให้ทุกคนในทีมงานรับทราบแผนและคําสั่งได้อย่างทวนทั่วโดยไม่ต้องชี้แจงซ้าซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เพียงในทีมงานแยกตัวมาปฏิบัติการเป็นอินสระอย่างทีมงานเซลมอนเท่านั้นบนไอคอมของทีมงานนะักรบหลับจางก็รับข่าวได้เช่นกัน ทุกคนทุกหน่วยรับทราบและเตรียมตัวปรับแนวทางปฏิบัติของตนให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยหรือคนข้างเคียงรอไว้พร้อมขณะสถานการณ์ทางด้านทีมงานแซลมอนกำลังรอเวลานอสำหรับการลั่นกระสุนขนาด 5.56 คาลิเบอร์ัวรละเบิดนั้นทีมงานพิสูจน์ทราบล่วงหน้าของเจ้ายุทธพง์ไอ้เล็กไอ้เปี๊ยกไอ้ชาติก็ได้ move ออกไปก่อนตั้งแต่ตะ ว, วันยังไม่ชิงพบตามเส้นทางในข่าวสารของ Back เล่ทั้ง4ทราบแผนของทีมงานแซลมอนจากวิทยุที่สแตนบาย เวลาเดียวกันทีมงานของจ่าดาวเหนือยังคงปักหลักนิ่งอยู่ณแหล่งเดิมโดยพันตรีโรเจอร์ใช้ไอคอมความถี่แบนบติดต่อกับนักบิน U7 แบ็กเล่ทำการตรวจสอบพิกัดของทุกหน่วยในเขตยุทธภพบริเวณแล้วแจ้งลงมาให้ทราบตลอดเวลาโดยเฉพาะเส้นทางลาดตระเวนของทีมงานจ่า ย, ยุทธพง์ซึ่งคำตอบครั้งสุดท้ายคือถูกต้องทิศทางนั้นตรงข้อหาทิศทางของหน่วยไวทแคทระยะห่างซึ่งการละการตามแผนที่เท่ากับ18กิโลเมตรโอเคแบ็กเล่ ตอนนี้เครื่องมือค้นหาของคุณยังจับตรวจเป้าหมายขบวนยายนยนต์ที่ไม่ใช่ยายนยนต์นั้นอยู่ได้หรือเปล่าแน่นอนซัมซันผมไม่เคยให้มันคลาดสายตาไปได้แม้แต่วินาทีเดียวขอทราบพิกัดด้วยสิ 5.13 นาิกาิมกิโลเมตรของวแคทเสรนาฬิกา5กิโลเมตรของยุทธพง์แล้วก็2อนาฬิกากิโลเมตรของชุดคุณโอเคไหม พันตรีโรเจอร์เจาะวิทยุแนบหูให้จ่าดาวเหนือฟังเพื่อทําการคลอดพิกัดลงบนแผ่นที่โดยตนเองช่วยส่องไฟฉายพลางแสงให้เรียบร้อยแล้วจึงดึงวิทยุกลับไปพูดต่อโอเคแบ็กเลอร์รู้สึกมันเคลื่อนที่ช้ามากเลยนะก็ใช่น่ะสิผมถึงไม่ยืนยันว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่คิดว่าใช่ขบวนเดินของคนแบบกองทัพมดต์ไหมไม่น่าใช่นะ่ะขบวนเดินแบบกองทัพมนตในจอภาพไม่ใหญ่โตไม่หนาไม่กว้างลักษณะสั ญ, ญญาณไม่คมชัดขนาดนี้เพราะผมเคยตรวจสอบสั ญ, ญญาณขึ้นจากขบวนเดินกองทัพมนต์มาแล้ว แต่ลักษณะความชัดเจนของคลื่นสัญญาณ น, นั้นคุณแน่ใจเนะเป็นโลหะขนาดใหญ่ตรงตามข่าวที่ว่าเวียดนามเหนือมีการเคลื่อนย้ายจรวด SS2 ใช่ลักษณะสัส้นข่าวรายงานกับข่าวสัญญาณคลื่นตรงกันข้อสงสัยก็คือทําไมมันจึงเคลื่อนที่ช้ามากเหมือนกับว่ามันใช้คนแบกหามแล้วเดินไม่ใช่บรรทุกบนยานยนต์อย่างที่เรารู้ๆกันเฮ SS2 สูงเกือบเท่าหลังคาบ้านน้ําหนักเกือบหนึ่งตันคุณว่าต้องใช้กําลังคนกี่คนทําการแบกหามเป็นไปไม่ได้นะ่า คุณก็คิดอย่างเดียวกับผมเปรียบเลยเพราะฉะนั้นเห็นทีต้องเล่นวายแคสกับยุทธภพให้พิสูจน์ทราบเราเร็วสะละถ้าทําสําเร็จจะช่วยเรามีข้อมูลการเดินทัพของเวียดนามเหนือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิธีแล้วคุณว่าไงโอเคผมจะรีบดําเนินการให้คุณตรวจสอบเป้าหมายพิกัดกรมบัญชาการกองฐานล่าที่6 1 2อีกครั้งซิว่ามีการเคลื่อนย้ายไปไหนหรือเปล่าทุกอย่างยังอยู่พิกัดเดิมเมื่อช่วงหัวค่าเครื่องตรวจสัญญาณคลื่นวิทยุงผมตรวจพบว่า บริเวณนั้นมีการส่งคลื่นวิทยุคาดว่าบอกหกรอยสิ 12, ส่งข่าวกับหน่วยเหนือในเขตเวียดนามใต้เสียได้คุณไม่มีเครื่องดักฟังนอกจากเครื่องตรวจจับสัญญาณธรรมดาธรรมดาเราเลยไม่รู้มันรับส่งข่าวเรื่องอะไรกันบ้างนั่นนะสี่สามสั้นทำไมคุณไม่เอาชุดเครื่องมือของคุณมาเองจอกเหนียงจานหรือทุ่งไหอหินเราทั้งผมไม่มีหรอกมันขัดข้องหลายอย่างนะแบกเลสสถานที่ตั้งระยะทางกำลังเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่เครื่องบินและตัวเวีนทางอากาศทุกอย่างในเขตลาวภาคใต้าขาดแย้งอย่างมาก อ่าเป็นพราะกองกําลังศาสตร์ในลาวมุ่งความสนใจกับทางภาคเหนือมากเกินไปจนมองข้ามลาวเขตภาคใต้ไปก็ได้กลับไปคราวนี้เห็นทีต้องเสนอแผนป้องกันลาวภาคใต้ใหรือไม่ไม่งั้นฝ่ายเราสกัดกั้นการบุกของเวียดนามเหนือตวเวียดนามใต้ต่อขเขมรไม่อยู่แน่คุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือแม้แต่การจัดชุดจรากา ร, รทางอากาศอย่างผมก็น่าจะจัดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นด้วยเท่าที่สังเกตท่าทีของผอบกกองกำลังไส้งอนเราเห็นเขาสนใจพื้นที่การรบด้านนี้มากนะตั้งแต่ผมส่งผลการตรวจการให้ทราบครั้งแรก ใช่ผมเองก็คิดว่าซันไรก็ต้องสนใจด้วยเหมือนกันเอถ้างา น, นสงสัยพวกเราต้องเพิ่มงานเพิ่มภารกิจมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวซะแล้วก็มังแนนอนอยู่แล้วซามซันเรื่องนี้ไม่พ้นคุณหน้าถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครล่ะจริงมะโอเคแบ็กเลเก็บเรื่องนี้ไว้ค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้นอสตาฝากให้ตรวจสอบหรือว่าค้นหาพิกัดทางทงหารนู่นอื่นๆนอกจากบอก612ว่ามีอยู่บริเวณไหนบ้างเท่าที่ตรวจสอบด้วยระบบคลื่นสังสีความร้อนเมื่อช่วงหวค่า พบที่ตั้งเล็กๆประมาณ78จุดกระจายรายล้อมบอกอหกร้อเป็นระยะล่าสมีไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เหลือสัญญาณนั้นอีกแล้วหมวายความว่ามีฐานเวกงอยู่บ้างแต่ไม่มากใช่ไหมผมคาดการอย่างนั้นไม่ได้หรอกแซมสั้นแต่ถ้ายึดถือตามหลักความจริงตามแนวะทางการรบแล้วเมื่อมีหน่วยระดับกองพลก็ต้องมีหน่วยระดับกรมกองพันกองร้อยก่อนไล่ลงไปถึงหน่วยจรยุทธ์หน่วยทหารขนาดเล็กใช่ไหมผมพยายามใช้เครื่องมือค้นหาจนเต็มโวลลุ่มก็ยังตรวจไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แสดงเวียดนามเหนือหน่วยนี้มีการพลางดีมากแม้แต่การเกาะกองไฟก็ไม่ทำก็อาจเป็นได้กระทั่งการรับส่งข่าวทางวิทยุก็น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆจนผิดสังเกตจนผมชักจะงงออกมากๆแล้วบริเวณนี้มีฐานเวียดนามเหนือหน่วยใหญ่ระดับกองพลเข้ามาตั้งฐานจริงหรือเปล่าเพราะรหัสสัญญาณเตือนต่างๆมันน้อยหรือเกินแต่คุณก็มีสัญญาณคลื่นโลหะจากเครื่องมือค้นหาของคุณเอามาเทียบกับข่าวจากฝ่ายข่าวแค่นี้มันก็พอประมาณการได้ไม่ใช่เหรอว่ามันมีฐานเวียดนามเหนือเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้จริง ใช่แต่ทั้งสองอย่างมันน้อยเกินไปนะแซมสั้นเราควรได้รับข้อมูลข่าวมากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือค้นหาของผมอืมจริงๆด้วยเราภาคใต้นี่เล่นยากกว่าเราภาคเหนือมากนะเท่าที่ผมเคยออกภารกิจทางภาคเหนือมาไม่เคยพบข้อยุ่งยากเกี่ยวกับการหาข้อมูลข่าสึกแบบนี้เลยโอเคผมว่าคุณปฏิบัติภารกิจของคุณต่อไปเรื่อยๆดีกว่ามีอะไรเพิ่มเติมเกาเรียกกันอีกทีตอนนี้สแตนบายนะ โอเคสแตนบายขณะนี้ทีมยุทธพง์ใกล้เป้าหมายเข้าไปมากแล้วถ้าเครื่องคำนวณไม่ผิดผมว่าห่างแค่5้ากิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นอันที่จริงเขาไม่ต้องเคลื่อนที่ก็ได้นะเพราะเชื่อเลืเกินว่าค่าศึกต้องเคลื่อนขบวนเข้ามาหาเขาแน่เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ยุทธพงศ์หาจุดฝังตัวดีกว่าหรือคุณว่าไงโอเคขอบคุณแบ็กเล่ขอผมปรึกษากับนอสตาก่อนละกันสแตนบายทั้ง2ติดต่อวิทยุกันนานเกือบครึ่งชั่วโมง จาดาวเหนือรับทราบความเคลื่อนไหวของข้าศึกจากการชี้ใบให้ของพันตรีโรเจอร์ลงบนแผ่นที่นักหลบหับจ้างเข้าใจทันทีทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่มีรายละเอียดคําอธิบายจาัด ก, การดึงวิทยุประจําตัวขึ้นมาจากซอกอ ก, อกแล้วกดคีย์ฟรีสองครั้งเรียกจ่ายยุทธพงศ์ครับพี่ส่งข่าวได้เลยหยุดอีก5้ากิโลเมตรเตรียมใจเอ๋แกวนะฮะอีก5กิโลเท่านั้นหรอพี่ทําไมมันเร็วจังอ่ะก็เราไม่ได้เป็นฝ่ายเดินฝ่ายเดียดวนี่หว่ามันก็เดินเข้ามาหาพวกเราด้วยมันก็เร็วสิสภาพปา่าเป็นยังไงบ้าง ปากโปรง่งสรับยอดเนินเตี้ยๆราดน้อยๆพื้นดินแข็งบริเวณตรวจการรอบตัวดีแล้วเส้นทางสายนั้นล่ะกว้างใหญ่ดินแข็งราบเรียบใช้การได้ทุกฤดูการโอเคถ้างั้นเตรียมหาจุดซุ่มฝังตัวเตรียมแผนโจมตีเตรียมเส้นทางถอนตัวและก็เตรียมพื้นที่สําหรับพวกเราเข้าไปเสริมด้วยงานนี้ไม่แน่ใจนะว่าขบวนปริศนาหาเหวเนี่ยจะมีกําลังทหารคุ้มกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเผื่อเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ดีครับพี่ไม่มีปัญหานี่เพิ่งสามทุ่มเท่านั้นเองนะพี่เดี๋ยวแซลมอนคงเริ่มเปิดฉากเล่นลิเกมั ก็คงทํานองนั้นแหละยังไงยังไงถ้าเจอขบวนไอ้แกวอย่าเพิ่งลงมือนะเว้ยส่งข่าวมาก่อนไอ้เวนเอ้ขบวนอะไรของมันแน่วะสงสายชิบหายเลยวะครับพี่ตอนที่ยี่สิบปดหลังสิ้นแสงอาทิตย์ไปแล้วความมืดเค็มคร่ำงาอนาบริเวณเวียดกงชุดเกาะติดศัตรูกรีนแบรล์เมลิกันไม่สามารถตรวจการเป้าหมายด้วยสายตาเปล่าได้แต่ด้วยประสบการณ์เยี่ยงนักลบผู้เจนจัดต่างจริงยิ่งเชื่อวศัตรูยังคงปักหลักฝังตัวอยู่ที่เดิม เวลานาทีผ่านไปทุกอย่างเป็นเช่นเดิมไม่มีวี่แววหรือปรากฏการใดๆซ่อให้เห็นว่าการออกจากจุดฝังตัวเราเคลื่อนกำลังมุ่งสู่ทางทิศเหนือเหมือนกับเมื่อสามวันก่อนจะเริ่มขึ้นหรือแม้แต่เสียงคนเดินย่ำใบไม้กระทบพื้นดินแหวกวงล้อมก็ไม่มีสามทุ่มตรงเหมือนพระเจ้าเข้าข้างเละยมบาลเป็นใจก็สุดแท้แต่เวทกงที่ได้รับคาสั่งตรงให้เล่นเกมค้นหาศัตรูให้ครบ จากหคนที่พบอยู่แล้วนี้ก็เริ่มหมดความอดทนแผนการบางอย่างผุดขึ้นมาในสมองดังเป็นอาณัติเมื่อเวาลาสุดท้ายของชีวิตกำลังมาเยือนพอบร้อ ย, ยืนขึ้นจากท่านางราบกับผืนสูงเด่นเต็มรางเงียบกริบไม่ปริปากคำใดสายตาเพ่งจ้องไปทางทิ่ศัตรูเขม่งราวกับจะแหวกม่านความมืดให้เห็นเงาหัวศัตรูมือขวากระชับอากาเสียงปลดใบหามไก่ดังกลิกลูกน้องสองคนอยู่ข้างๆชักสงสยัยจึงกระซิบถามเบาๆสายท่าน เริ่มเปิดฉากโจมตีเลยใช่ไหมใช่เราต้องการแสวงประโยชน์จากความมืดทําการลบตรึงกําลังศัตรูความมืดฝ่ายสายนักรบเราเสียเปรียบนะท่านเสียเปรียบยังไงในเมื่อต่างฝ่ายก็ต่างมองไม่เห็นเราไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเราไม่ใช่หรอชั้นเชิงการลบต่างหาจะเป็นเครื่องวัดงานสืบทอดอุดมการครั้งนี้คือลบหน่วงเวลาฝ่ายนักรบต้องทําการลบแบบเปิดโอกาสให้ศัตรูใช้อาวุธต่อสู้สร้างเงืนินไขศัตรูเห็นว่าสามารถตอบโต้เราได้แล้วเมื่อต่อสู้แล้วก็มีหนทางเอาชนะในบ้านปลายทําไงล่ะท่าน ก็เปิดฉากการยิงแต่น้อยคนเพราะความมืดนั้นนะ่ะศัตรูจะเห็นเพียงแสงไฟปักลำกล้องสายนักลบคนไหนยิงคนนั้นย่อมถูกเห็นคนไหนไม่ยิงคนนั้นยังถูกปิดลับอยู่เราจะทําการยิงเพียงสาคนเฉพาะเราเท่านั้นถ้าศัตรูไม่คิดสู้กับหาหนทางแหวกวงล้อมหนีละ่ะฝ่ายสายนักลบล้อมอุดช่องทางไว้หมดแล้วข้อนี้ไม่น่ากังวลสิ่งที่พึงกังวลอย่างมากก็คือถ้าสายนักลบแสดงตัวว่ามีกําลังเพียง3าคนซึ่งน้อยกว่าศัตรูจากอเมริกาถึงครึ่งหนึ่ง สหายคิดไหมว่าศัตรูมันต้องต่อสู้ใช่แล้วสายท่านเราจะทำการลบหลอกมันให้มันยิงตอบโต้มากๆเสียงปืนนั่นแหละจะเป็นสัญญาณเรียกพวกมันมาที่นี่ถูกต้องสหายสายพร้อมหรือยงังพร้อมแล้วสายท่านแต่แต่เรามองไม่เห็นมันนะสายท่านไม่เป็นไรทำการยิงซุ่มไปก่อนเพราะมันตอบโต้มาเราเค่อยยิงใส่ตาแหน่งของแสงประกายไฟปากลำก้องใช่แล้วใช่แล้วสายท่าน เวียดกงลูกน้องอสองคนลุกขึ้นเคียงบ่าเคียงไหล่พอบอร้อยแล้วแยกตัวกันออกซ้ายขวาหาแหล่งกำบังใหม่ตามโคนต้นไม้ใหญ่ที่หมายตาเอาไว้อาก้านในมือทุกยกขึ้นประทับบ่าเริ่มทําการเหล็งด้วยหลักการใช้อาวุธในตอนกลางคืนทั้งสองพร้อมแล้วเหลือเพียงรอเวลากระสุนนัดแรกของพอบอร้อยดังขึ้นเท่านั้นคราวถึงชะตาขาดเวียดกงลืมสิน้นข้อที่ใคร่แคลโจดขานกันว่าศัตรูสามารถมองเห็นในความมืดได้หรือแม้แต่ ศัตรูยิงปืนแม่นชนิดเจาะแสกหน้าจับจุดตายเสมอผู้ขขาวหาได้สำเนียกภัยใดๆไม่ว่าบัตรนั้นกากบาทก้องเลงสองอันกำลังจับส่วนหนาของร่างกายบริเวณผ่นหลังอย่างเหมาะเหม็งขออนุญาตหายใจอีกสักครั้งก่อนออกแรงฝ่ายนิ้วกระตุกไก่และแล้ววินาทีสังหารก็มาถึงอยออ๋อ เสียงลมเป่าปากลมกล้องดังขึ้นสองครั้งไล่เรียกกันจนเกือบจะเป็นเสียงเดียวไม่ปรากฏเสียงสนั่นคำรามของอาวุธแต่เสียงแหกปากร้องของเวิ่งโกงทังคูกับอาการผวาล่างแอนตัว2มือโยนอากาทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีทําให้คนข้างๆรู้แล้วว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นสัญชตาตญาณความกลัวตายสั่งการตัวเองแทนสมองเริ่มโดยการย่อตัวลงต่ําหันหน้าไปทางข้างเตรียมพุ่งเหล่าเข้าหาแรงกางําบังแต่ดูเหมือนนรกได้ขึ้นบัญชีคนดวงขาดเอาไว้แล้วโอกาสของมันจึงมีเพียงได้ย่อตัว อยอยยเมื่อสังหารกรีนแบเร่เตรียมรับเหตุการณ์นี้ไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มทันทีที่เสร็จจากเหยื่อสังหารรายแรก M203 วาดต่ำขวาหมายล่างเวทกองตรงจุดวางตัวพอดิพอดีกระสุนหัวระเบิดสองนัดเบิ้ลจับเป้าแถวแถวชายโครงทั้งคู่ความเจ็บปวดจึงเพิ่มเป็นสองเท่าจากคู่แรกท่ามกลางเสียงแหกปากร้องของเวทกงทั้ง3ามปนด้วยเสียงดิ้นเ ก, กลึกริ้งบนพื้นนั้นผ่านเสียงคนกลุ่มใหญ่เริ่มตะเบงขึ้นมาบ้าง เสียงลมเป่าปากลำก้องดังขึ้นได้ยินเพียงเจ้าของแต่เสียงคนร้องตอนเจ็บปวดดังลั่นทั่วป่าเวทดกงถึงกับเสื้อกินเพราะไม่สามารถจับทิศทางได้แน่นอนว่าความตายในความมืดเหล่านี้มาจากแหล่งใดแม้แต่จุดปรากฏเสียงร้องยังเอาแน่นอนไม่ได้ปีสองข้างส่วนกลางส่วนหลังสลับผัดกันบางคนโดนชายโครงด้านซ้ายบางคนโดนขาข้างขวาเจาะแสกหน้าตรงๆก็มีแผงอกแันหลัง แยกแย้มไม่ออกกำหนดไม่ถูกว่าฝ่ายศัตรูมีแนววางตัวโจมตีอย่างไรเสียงคนย่ำเทา้ากุกกักไปไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดแหกปากร้องแอนตัวตะกายอากาศหลมหน้าฟาดพื้นดินแน่นิ่งดับอายุไขเล่นอาคนตามหลังต้องรีบเพ่นพุ่งตัวหมอบชนิดไม่กลัวคอหักแต่ชั่วพิบตาเดียวก็ต้องเมียนเป็นไปด้วยกระสุนเพชฌฆาเจาะเขาข้อเท้าอย่างแม่นยำเวทผงเจ็บปวดสุดชีวิตทะลึ่งพลดพลาดขึ้นนัง่งด้วยอารามลืมตัวลืมแมก้กระทั่งความตายซ้ำสองที่กำลังตามหา กระสุนนักตัดสินเจาะเข้ากลางใบหน้ารูเล็กนิดเดียวสะเก็ดแตกกระจายคว้านอาวัยวะภายในส่วนหัวแหลงอัดระเบิดส่งล่างคนนั่งทางล่างกระเด็นนอนหงายหมดลมหายใจในบัดดลอเมริกันกลีนแบลเรย์สำโรจผลงานตัวเอง ในช่วงสิบวินาทีแรกจากกล้องเล็งกลางคืนยุดระยะ15เท่าด้วยความพอใจบรรจงวาดกากบาดกล้องเล็งออกซ้ายไปขวาพบเงาดำบนพื้นสีม่วงรูปลักษณ์สันฐานเป็นคนในท่าหมอบนอนท่ายืนกำลังคืบคานหรืออยู่นิ่งๆก็สุดแทะเป้าหมายตั้งแต่ปลายเส้นผมจนหลดเล็บเท้าไม่มีการเลือกตรงไหนจุดใดบนล่างแม้ไม่ถึงกับเสิ้นชีวิตก็ต้องเอาไว้ก่อนสร้างความเจ็บปวดให้มันทนไม่ไหวต้องตะเกกตะกายเอาล่างส่วนหนามาเป็นเป้ารับกากบาดจนได้ ไม่มีการสั่งการไม่มีการกำหนดเป้าหมายไม่ต้องแบ่งสรรต้นส่วนของใครเป็นของใครมือสังหารเลือกเป้าตั้งแต่ใกล้สุดอยู่ตรงหน้าไปจนถึงไกลสุดอยู่ด้านหลังไม่พ อ, อยังเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ตามความพอใจเวียดกงหมดปัญญาแก้เกมหมอบอยู่นิ่งหลังกำบังคนไม้ใหญ่ก็ยังโดนชารหาแหล่งกำบังใหม่ก็ไม่หลอด กำบางด้านหน้าก็ถูกยิงจากด้านข้างขยับตัวทีนึกว่าผลกลับเจอเข้าอีกหมอบอยู่คู่กันกับเพื่อนก็โดนไปซะแล้วเลยชักเสียวเดี๋ยวตัวเองต้องโดนบ้างเป็นแน่ตั้งใจจะหนีไปให้ไกลแต่ก็ไปได้ไม่กี่ก้าวกระสุนนัดหนึ่งหรือสองนัดจับเข้าร่างจังเบอร์เสียงคล่ำครวญโหยหวนดังระงมไปหมดลุกหน้าก็เจอออกทางถอยหลังก็เจอคนตายคนเจ็บจานวนนับไม่ถูก แนววางตัวเคยสม่ำเสมอหน้ากระดานตั้งรับโจมตีเปลี่ยนขบวนมั่วซั่วทับสนปนเปและเกะละกะจนแทบวิ่งชนกันเองเกือบหนึนาทีผ่านไปยังไม่มีท่าทีหรือสิ่งบอกเหตุใดๆว่าความตายในความมืดคลาวนี้จะสิ้นสุดยุติหรือ ส, สร้างซาลงเวียดกงหลายคนยังมีชีวิตรอดพยายามรวบรวมเลี้ยวแหลงตั้งสติสมวิญญาณ น, นักสู้ส่งเสียงสร้างการกันเองดังลงเลงจับใจความได้บ้างไม่ได้บางตามแต่กรณี แล้วแล้วความเป็นนักรบผู้ถูกปลูกฝังอุดมการ์มาตั้งแต่จําความได้ก็เริ่มสมแดงเดชออกมาให้ประจักษ์าก้านับได้หลายสิบกระบอกแพร่เสียงแหลมออกมาเกือบจะพร้อมกันแนวประกายไฟปากลําก้องยาวล้มแขนโทหลาก็จัดกระจายไม่เป็นแถวเป็นแนวสองแสงสว่างสวัยทั่วราวป่าชุดแรกยิงออกมาก่อนชุดสองชุดสามสี่ห้าตามติดติดเวีทโกงกลากปืนเข้าใส่พื้นที่ด้านหน้าตัวเองยังไม่มีจุดหมายแน่ชัดโงไหนก็ได้ทักทั้งนั้น หมายภุ่มโคลนหมายเนินดินจอมตลวกไม่เลือกเว้นความมุ่งหมายคือหยุดอำนาจการยิงของศัตรูให้ได้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อหาโอกาสพอดลมหายใจหรืออาจจะมีโอกาสได้ปรับแนววางตัวใหม่บ้างท่ามกลางเสียงอาก้าที่แผคำรามจนแสบแก้วหูอเมริกันก็สั่งการกันเองนูฟว่างอมอนคำสั่งถูกสื่อต่ อ, อยังรวดเร็ว หลายคนกำลังเพิิดเพลินกับเยื่อสังหารไม่มีทางซูจนเป็นต้องระงับอารมณ์เล่งปฏิบัติตามแผนประการด่วนสายกระสุนอาก้าบางส่วนเลนตัดหน้าตัดหลังเชียดทัวกระบาลอเมริกันไม่ใส่ใจก้มหมอบต่ำแล้วลุดหน้ามุ่งสู่ตะวันตกอย่างรวดเร็ว พันตรีคอร์ลินนำเดียวไปก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เห็นปฏิกิริยาเมื่อเวกงงลำพูรับตายิงต่อสู้แล้วก็สแสยยยิ้มคนเดียวในความมืดเ2 0 3ประจำตัวทุกทอดก็บอกเก็บเสียงออกเจ้าของยกขึ้นประทับบ่าเร่งผ่านกล้องเล็งกลางคืนเลือดเอาอากากระบอกใกล้สุดเป็นอันดับแรก เสียงปืน <altro> นัดแรกนัดเดียวดังขึ้นประกายไายปากลำกล้องยาวแค่คือพ่นพวยออกมาเวียดโกงชะตาขาดถูกทดลองความแม่นยำจากการยิงระยะกว่าสามรอยห้าสิบเมตรโดนเขากลางซอกไข่ปลาอย่ยังเหมาะเหมิงไงหลังตีลังกาดิ้นทุรนทุลายก่อนขาดใจบตดดนอาการจำนวนเกือบเท่าที่มีก็เริ่มสาดกระสุนตอบโตเวียดกกงทำการยิงอย่างย่มใจเพราะตั้งแต่ฉากความตายเริ่มขึ้น เพิเห็นการเผยตำแหน่งวางตัวของศั ต, ตรูเป็นครั้งแรกมืออาร์พีจีริ้งซ้ายสองรอบได้มุมหญิงใต้โคนไม้ใหญ่เล็งตรงไปยังจุดกำเนิดแสงปากลํากองแล้วกดไกทันทีตําบลเล็งไม่แน่นอนเพราะศั ต, ตรูหยุดยิงไปแล้วทั่วบริเวณมีแต่ความมืดสีดําร์พีจีหัวปลีมรณะร้อยข้ามหัวเสียงแผนหางนําทิศ ต, ตัดอากาศดังมาก่อนเสียงระเบิดของหัวจรวลดประกายไฟวาบใหญ่ส่องสว่างสวายมองเห็นทั่วชั่วคลิปตาเดียวแล้วหายไป คงเหลือแต่ประกายฝ่อาการที่ยังบ้าและหําทําการยิงพันตรีคอรลินยิ้มเครียดบนมุมปากน้อยๆใบหน้าแคร่งเฉิมมองผ่านกล้องเล็งเห็นฝ่ายเดียวกันทยอยถอยออกมาอย่างเป็นระเบียบดีตัดสินใจปฏิบัติการโหนสองด้วยการเลือกมือ R ารพีจีพุ่วาหางกาวาดกองเล็งเข้าหาจัดกร ะ, กระบาดท่ทาบเงาสีดําชัดใต้โคนไม้ใช้เวลาไม่ถึงอึดใจทุกอย่างก็พร้อมอ๋ออ้อกระสุนไรก็บอกเก็บเสียงนัดแรกดังขึ้น เป้าหมายคือไหลด้านขวาของไอ้เมือ RPG ได้ผลเกินคาดเมื่อความเจ็บปวดแ่นขึ้นจับคั้หัวใจเวืยดโกงถึงกระบอกเครื่องยิงทันงลัตัวเองออกมานอกงุมกำบงังโย่แผงอกรอรับความตายอย่างท้าทายมือสังหารระดับพันตรีวาดจาั ก, กบาดตามติกดกดไกซ้ำอีกครั้งทงั้งๆที่ใช้เวลาเล็งเพียงครึ่งอึดใจกระสุนนัดนี้จับได้ยอดอกพดิบพอดีสิ้นเสียง M203 ยังไม่สิ้นเสียงคนแหกปากร้อง การเสียงอาก้าก็ระลัวขึ้นเป็นข้าวตอกแตกทุกระบอกมุ่งไปทางทิศเสียงเป็นหนึ่งเดียวกันมือสังหารรู้เดียวเวียดกงต้องเล่นเกมนี้แน่เพราะประจักษ์ชัดว่าศัตรูอยู่ตรงไหนและท่ามกลางเสียงอาก้านั้นเวียดกงอีกอจำนวนหนึ่งนับไม่ได้ก็ต้องมีอันดับบินความที่ตัวเองชาร์จยาวหมายตามศัตรูให้ทันทําให้ต้องออกมานอกแหล่งกําบังเอ็มสองูนยสาติดกระบอกเก็บเสียงจึงได้โอกาสซัดเอาซัดเอา แต่วีตโกงก็ไม่ยออ่อท้อคนตายให้ตายไปคนเจ็บปล่อยไว้ก่อนที่เหลือก็พากันลุกไล่ยังไม่ลดละเสียงอาก้าเบาบลงเพราะเป้าหมายหายแต่คนยังช้าต่อพันตรีคอร์ลินประสบโอกาสงามๆอีกครั้งเห็นเงาดำในกล้องเลงวิ่งไปวิ่งมาสลับซ้ายขวาซิกแซกตามคนไม้กับไม้ภุมจัด ก, การวาดกระกระบาดตามหมายใจว่าใครคนใดคนหนึ่งหยุดเมื่อใดเมื่อนั้นคือความตายสำหรับมัน ไม่นานความตั้งใจก็ปรากฏความจริงขึ้นเวียดกงขดริมสุดหยุดยืนแอบร่างเข้ากับต้นไม้อาก้าในมืออยู่ในท่าเตรียมยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงปืนดังขึ้นนัดเดียวแต่เสียงคนร้องดังขึ้นถึงสามเสียงเวียดกงชักงงหนักพากันหมอบราบลงกับพืนใช้ยุทธวิธีคืบขานแทนการโผล่แบบยืนเต็มตัวลุกหน้าบุกต่ออาก้าแขนหนักสาตชุดยาวส่วนเขาใส่ตำแหน่งของเสียงเป็นพลวัน โอโอยโอยอยยคราวนี้ไม่มีเสียงปืนจากศัตรูแต่กลับมีเสียงคนแหกปากร้องเวียดโกงสามคนมาจากไหนไม่รู้พุ่งตัวเข้าหาแหล่งกำบังอันเดียวกันอยากแย่อยักยันว่าคนไหนควรเลือกมุมไหนเป็นมุมเล่งยังตกลงกันไม่เสร็จพลันความตายก็มาเยือนเสร็จก่อนร้อนถึงคนข้างเคียงผ้าเสียขวัญเพราะแหล่งหลบซ่อนตัวบริเวณนี้เสียรับทุกศัตรูจับได้เสร็จแล้วต้องเปลี่ยนหามุมใหม่โอคนดวงขาดเคยหมอบอยู่นิ่งๆศัตรูมองไม่เห็น ถูกมาจุราส ก, กิดเตือนให้กลิ้งตัวข้างๆหมุนแผ่นหลังไปรอรับกากบาทก็จงตายเสียเถิดบัดนั้นแนวผมเวียดโกงตังหยุดชะงักอาการ์อาพีจีทั้งหลายยุติการยิงอย่างสิ้นเชิงเมื่อประจักษ์ชัดว่าศัตรูมีความสามารถเหนือธรรมชาติทั้งปวงนอกจากความแม่นยำในการใช้อาวุธชนิดยิ่งกว่าผีจับยัดแล้วยังมองเห็นในความมืดได้ซึ่งไม่ใช่การมองเห็นเหมือนคนปกติทั่วไปในพุ่มไม้ใต้คนไม้ลังโขดหิน ศัตรูมองลอดผ่านจนเห็นคนหมอบกำบงังทำการซัดอาวุธเงียบเข้าใส่ไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่บางคู่เริ่มปรึกษากันสาหาหัสตูอยุกไอญมากนะใช่ราวสามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรทำไมศัตรูยิงแม่นจังข้อนะั้นไม่น่าสงสัยหรอกถ้ามีอุปรกรณ์เครื่องช่วยการยิงดีๆใครก็ทำได้แต่ที่น่าสงสัยมากกว่าก็คือศัตรูมีคนเดียวศัตรูมีคนเดียวเวียดโกงย้ำคำสุดท้ายเสียงดัง จงใจให้เพื่อนคนอื่นๆได้ยินด้วยทุกคนเกิดความรู้สึกเหมือนกันเห็นด้วยกับคำพูดนั้นสักครูจึงเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาอีกสายสังเกตไหมบางทีศัตรูไม่ได้ยิงแต่สายนักรบของเรากับถูกยิงใช่ถ้างั้งนใครยิงใครยิงตอนที่ย9กอเมริกันกรีนแบเรสทั้งสะใจทั้งสมแขน ความเกล็ดชังที่มีตะเวียดกงจนฝังลึกลงไปถึงเม็ดเลือดได้มีโอกาสระบายออกเสียบ้างช่วยให้สภาวะจิตใจปลอดโปร่งอารมณ์เย็นขึ้นมากโขปฏิบัติการกึ่งลวงกึ่งสังหารคราวนี้ยิ่งได้ผลมากเท่าไหร่ความสุ ข, ขุมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่ละคนเปิดปากยิ้มด้วยความพึงพอใจกราดใส่กลก้องเลง็งสํารวจแนวพวกเดียวกันสลับแนวไล่ติดตามของเวียดกงไปมาแล้วเตรียมขยายแนวเปิดปีกกว้างรองรับ M203 ห like, ลายกระบอกจับเป้าได้อย่างถนัดถนีมองเห็นล่างเงาสีดำเวทโกงวิ่งตะคุมตะคุมเดี๋ยวพลดเดียเด๋ยวโผล่ตามพุ่มไม้โคนไม้ใหญ่แต่ต้องใจยเย็นปล่อยชีวิตนวนไปเพราะคำสั่งจากหัวหน้าให้ระงับการยิงทุกกรณีทั้งนี้เพื่อเปิดช่องวางให้เวทโกงได้ติดตามโดยมีพันติคอริอนเพียงผู้เดียวทําการยิงล่อด้วยกระสุนไร้กระบอกเก็บเสียงเวีทโกงผู้สืบสายเลือดนักรบมาตั้งแต่ครั้งสงครามเรียกร้องอิสรภาพจากอํานาจกดขี่ข่มเหงของฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยเดียนเบียนฟูทำการรบอย่างห้าวหานกำลังรบกว่าครึ่งตายเจ็บไปแล้วได้รับการช่วยเหลือจากกำลังส่วนหนึ่งซึ่งไม่มากนักส่วนที่เหลือก็ทำการรบต่อไปด้วยหลักการสืบทอดอุดมการณ์รบยืดเยื้อยาวนานรอเวลาให้ศัตรูกลุ่มใหญ่อีก18คนเคลื่อนกำลังเข้ามาให้จงได้โดยหัวใจอุดมการอันเด็ดเดี่ยวในความรู้สึกของทุกคนยังคงเชื่อและตระหนักแน่ว่าศัตรูมีกำลังเพียงไม่กี่คนหรือมีจำนวนเท่ากับที่ประกบแกะรอยมาเท่านั้น แม้แต่เสียงปืนที่ดังขึ้นทีละนัดทีละนัดย้ายจากจุดนี้ไปจุดนั้นโผล่ๆหา ย, หายไม่เป็นแนวรูปขบวนก็ยังเป็นเครื่องช่วยยืนยันได้ว่าศัตรูมีน้อยคนสหายทำไมเราไม่ไล่ติดตามไปให้เร็วกว่า น, นี้ล่ะเร็วมากไม่ดีหรอกสายเรายังพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าศัตรูมีกำลังมากน้อยแค่ไหน มันก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละใช่พวกนี้คือกลุ่มที่สายนักรบของเราประกบไว้แต่สหายอย่าลืมซิว่ายังมีศัตรูอีกสิบแปดคนนะที่เรายังไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเราต้องการให้มันเปิดเผยตัวออกมาไม่ใช่เหรอ <_ A>. ก็ใช่นะ่ะสิศัตรูกลุ่มสิบแปดคนนั้นจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อศัตรูกลุ่มนี้ตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายนักรบจนกระดิกตัวหลบไปทางไหนไม่ได้แล้วแต่ถ้ายังอยู่ในสภาพเช่นเนี้ศัตรูกลุ่มสิบแปดคนนั้นก็คงไม่จําเป็นต้องเข้ามาช่วยหรือมาเสริมจริงไหมสหายที่สหายคิดก็ถูก ถ้าระหว่างเส้นทางลุกเร็วของฝ่ายนักรบถูกศัตรูสิแปดคนตีโอบตลบหลังล่ะฝ่ายายนักรบไม่เสียเปรียบเหรอสหายงานสืบทอดอุดมการครั้งเนี้ยฝ่าย่ายนักรบต้องไม่คํานึงถึงความเสียเปรียบเพราใจของงานเราอยู่ที่ศัตรูที่เหลือฝ่ายนักรบต้องทําการทุกอย่างเพื่อดึงให้มันปรากฏตัวออกมาแม้ฝ่าย่ายนักรบต้องพ่ายแพ้ก็ตามอย่าลืมสิว่าเราก็ยังมีกําลังส่วนใหญ่จํานวนมากที่พร้อมเข้ามาเสริมทําการบทขยี้ศัตรูนะสหายถูกแล้วสหาย พวกเราคือตัวแทนของสหายนักรบทั้งหมดทําหน้าที่เป็นใบหอกทิ้มแทงศัตรูสร้างความเจ็บช้าให้กับศัตรูสหายนักรบของเราส่วนหนึ่งสละชีวิตเพื่อดูดลมการไปแล้วยังเหลือเราซึ่งต้องดํานงสืบทอดต่อให้บรรลุผลสำเร็จหากสหายยังชักช้าไม่รีบร้อไล่ล่าติดตามอย่างเนี้ยงานสืบทอดอุดมการสลายกําลังศัตรูหน่วยรบพิเศษของจกักรวรรดิอเมริกาต้องล้มเหลว อ, อย่างสิ้นเชิงแน่เอาตกลงสหายถ้าอยางนั้นชักชวนสายนักรบพวกเราจงรีบลุกไล่ให้เร็วกว่านี้ได้เลยถูกต้องแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนสาหายอย่าใจร้อนทําไมเราไม่ลวงศัตรูบ้างล่ะลวงยังไงก็ลวงด้วยการยิงแต่น้อยให้ส า, ายนักรบเพียงคนสองคนเท่านั้นทําการยิงเพื่อศัตรูหลงคิดว่าฝ่ายสายนักรบมีกําลังน้อยส่วนที่เหลือให้ทําการลุกไล่ติดตามไปเฉยๆรอจังหวะจนกว่าจะแน่ใจแล้วค่อยทําการยิงสาหายเห็นด้วยไหมดีมากสาหายเราเห็นด้วยเวียดโกงยามขาดผอร้อยเป็นผู้นําคอยบัญชาสั่งการให้แนวลุกเข้าทําการรบ ความเป็นนักรบที่ถูกฝึกมาไม่ให้ยึดติดกับตัวบุคคลแต่ให้ยึดมั่นปฏิบัติตามแผนนโยบายอย่างมีเอกภาพและเสรีในการปฏิบัตินั้นบุคคลระดับรองลงมาซึ่งเป็นใครก็สุดแท้หากมีแนวคิดเพื่อความสำเร็จสามารถเสนอแนะซึ่งกันและกันได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆมาเป็นข้อกำหนดว่าผัววุโสกว่าเท่านั้นจึงจะมีสิทธินับเป็นความฉลาดแสนลึกล้ำของผู้นำกองทัพ ในอันที่จะรวมแนวความคิดจากคนทั้งหมดสู่ส่วนรวมสิ่งที่ได้รับยังเห็นได้ชัดคือความหลากหลายแนวความคิดเวทโกงปรับแผนการไล่ล่าใหม่ความยาวรูปขบวนหน้ากระดานเพิ่มมากขึ้นกำลังส่วนหนึ่งล้ำหน้าเป็นระลอกแรกส่วนหลังตามห่างๆคอยทำหน้าที่เป็นระลอกสองตามหลักนิยมของกองทัพอากาศสิกระบอกกระสุนนำทางยิงซัดไปก่อนไม่ต้องเลือกเป้าหมายเล็กใหญ่ใกล้ไกลซ้ายขวาหวังหยุดการเคลื่อนที่ของฝ่ายศัตรูให้จงได้ อเมริกันสำรวจแนวเคลื่อนตัวของเวียโกงและยิ้มน้อยๆพยายามจัดระยะห่าง300เมตรให้คงที่หมายตาจับตำแหน่งค่าสึกแต่ละคนว่าเมื่อใดยังอยู่เมื่อใดหายหายไปทางไหนโผล่ อ, ออกมาใหม่บริเวณใดภาพปรากฏในกล้องเล็งคมชัดไม่ว่าเดินคลานกลิ้งหรือหมอบราบเพราะการเคลื่อนตัวนั้นทำให้เกิดอาการที่แตกต่างจากวัตถุธรรมชาติที่มักจะอยู่นิ่ง พันตรีคอรลิสรับหน้าที่หลวงด้วยการยิงอย่างเปิดเผยตำแหน่งวางตัวย้ายมุมยิงออกขวาเกือบชิดปลายปลกีกรอกระทั่งลูกน้องส่วนหนึ่งใกล้เข้ามาห่างแค่ห้สิเมตรจึงตัดสินใจเล่นเกมอีกครั้งกากบาทเลือกจับเป้าเวียดกงมืออากายิงนําคนริมสุดตรงกับตัวเองท่าทางยืนพิงโคนไม้ประทับสะโพกซาดกระสุนเห็นประกายไฟปากลํากล้องพ่นยาวร่มแขนมือสังหารใช้เวลาไม่นานก็ลั่นไกโ่โอ้ยโอ้ย รูปลักที่ปรากฏในกล้องเร็งแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งไปขวาคืออาก้าคู่มือส่วนหนึ่งไปซ้ายขนาดโตคือล่างของคนทั้งล่างอาก้าล่นถึงพื้นก่อนแล้วคนจึงลงตามพันตรีเมลิกันไม่ใส่ใจว่าผลออกมาตายหรือเจ็บวาดกากบาดกล้องเงล็งไล่ตามเวทกงที่กำลังโผพวาเข้าหาแรงกำบังจ้าละวันชั่วพลิบตาทั้งแนวตั้งหลบหลังคนไม้หายวับไปจากกากบาทอาก้าที่เหลือหมายตำแหน่งศัตรูได้ม่อีกครั้งบรรจงสาดกระสุนเข้าหายังไม่ดีรอ ใส่กระสุนพุ่งไปลำแสงตรงดิ่งข้อหาอยัางหน้าว่าเสียวความเสี่ยวก็คือความเสีย่ยงไม่ใช่ความเจ็บปวดระยะยิงไกลเกินอำนาจหวังผลของอากากว่าจะถึงตำบลเป้าหมายกระสุนหลายนัดฉลับอากาศลอยเลี้ยวสิงตอนอเมริกันคนอื่นๆตลอดแนวเริ่มคันขยเยอนในหัวใจภาพเวียโกงผูบเข้ากบาบังไม้พุ่มด้านหน้าแล้วโชวด้านข้างเด่นหลาร่อเป้าดีแท้ แต่ต้องทนระงับใจหัวเราะเบาขบ่มอารมณ์ละวาดกล้องเลงซองมือสังหารเห็นกําลังย้ายตําแหน่งวางตัวกลับไปอยู่แถวกลางแนวเตรียมทําการยิงอีกครั้งเวียดกงจับจุดวางตัวศัตรูได้ด้วยความมั่นใจผ่ากันชาซ้ายขวาเตรียมถมกําลังทั้งหมดเข้าหาหมายใจว่านั่นคือเซ็นเตอร์ของกลุ่มเป้าหมายอาศัยยามอาก้ายิงกลาดนําทําการคลานคืบเรีวจีแอบหลังโคนไม้บางคนต้องกลิ้งออกไปอีกเพราะตรงนั้นมีพักพวกกําบังอยู่ก่อนแล้วถึงสองคน เมื่อไม่ทันใจคืนชักช้าเมื่อไหร่จะได้ชยชนะเวียดกงดวงสวยจึงยืนขึ้นเต็มรางโผล่ช่วงสั้นๆเข้าหาแรงกำบังแต่ไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องจอดโอ๊ยโอ้ยเสียงเอ็มสองศูนสามดังขึ้นก่อนเสีย ง, C งร้องของเยอสังหารก็ดังตามมาติดๆทันอากา้าอาพีจีเวยดกงสวนเข้าหาแต่ช้ากว่ามากผมมวตวาดลาก้องจะปีก้ายมาสู่แนวกลาง แล้วมืออภิ์พีจีผู้ว่องไหวสามารถต่อต้ได้อย่างรวดเร็วก็ต้องถึงคราวของตัวเองบ้างเมื่อมือสังหารย้ายกากบาดก้องเล็งจับแสกหน้าพอดีโอ้ยมือสังหารทําการยิงจากจุดเดิมใจแรกนั้นว่าจะย้ายตําแหน่งวางตัวก่อนแต่ครั้นทนหมันไสเวทโกงไม่ไหวจําเป็นต้องตอบแทนมันที่อุตส่าห์ส่งของใหญ่มาให้แนวเวทโกงระสํราระสายทันทีเมื่อปรากฏศัตรูขึ้นใหม่คนหนึ่งซึ่งอยู่กันคนละแห่งมุมกําบังตรงหน้าต้องเร่งปรับเปลี่ยนเพื่อทั้งทิศทางเดิมและทิศทางใหม่ หลายคนได้แสงสว่างจากประกายไฟปากลํากล้องอากาชาร์จเข้าหาแหล่งกําบังได้ในขณะที่หลายคนต้องลดความเร็วลงเพราะไม่แน่ใจในแหล่งกางําบังอาการ์อาร์พชุดนําทุกตัดไปแล้ว2เมื่ออาวุธอย่างเดียวกันคู่ใหม่เขาทําหน้าที่แทนประเดิมด้วยกระสุนทั้งแม็กก์หลักยาวเขาใส่ตรงชุดกําเนิดเสียงเป็นชุดๆจนเกลียงไอคนใหม่ใจเด็ดยืนนิ่งพิงต้นไม้ประทับอากาเข้ากับสะโพกพร้อมส่งเสียงสั่งพวกตัวเองให้เล่งบุก อพจซัตว์นำบางช่วยเบิกทางให้เพื่อนอีกแรงเวียดกงย่ำใจพากันดาหน้าขึ้นเป็นแผงไมยมั่นเต็มที่ว่าต้องเปิดฉากประทาระยะประชิดให้ได้อเมริกันเห็นท่าทางเอาจริงเอาจังของเวียดกงแล้วรู้สึกสมเพชสะบดคำโตะออมาดังลั่นไอพวกถุนไม่เห็นลงศกไม่หลั่งน้ำตาวอนหาที่ตายสิจริงๆนะมึงไม่ตายไม่เข็ดเซี่ยวกลายคนยุส่งให้สั่งสอนบทเรียนแกมันคนถูกยุ่งกำลังจะทำตามคำยุ คนดีเสียงเรียกจากด้านหลังดังขึ้นเสียก่อนเฮ้ขมอนเมเจอร์สั่งให้ถอยเร็วเร็วรีบไปไหนกันวะหรือเวลาตั้งเยอะแยะไม่ได้ครึ่งชั่วโมงฐานเราจะแลนดิง้งทำไมเร็วนอกวะระยะทางยังเหลือตั้งไกลไม่ไกลแล้วอีก1กิโลก็ถึงวิกฤตแลนดิ้งแล้วเราต้องถอยแค่ครึ่งกิโลเมตรแล้วเตรียมผ่าออกเข้าใจไหมในความมืดไม่มีใครตรวจสอบระยะทางได้หรือแม้แต่เช็คเวลาก็ไม่วางเพราะต่างมัวเพลินกับเป้าหมายล่างเวียดกองในกล้องเลง ครันได้รับคํายืนยันจากเพื่อนเป็นมั่นเป็นเหมาะหลายคนจึงพากันเสียดายทําท่าฮึดฮัดฮึดดไม่อยากไปคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่าต่อให้มามากกว่านี้เท่าตัวกูก็ไม่กลัวแกวเดนตายแค่นี้ซัดให้เรียบเลยไม่ได้หรือไงวะเพื่อนคนข้างๆตัดสินใจวิ่งฝ่าห่ากระสุนอาการเข้าไปฉุดกระชากเพื่อนออกมาไปเร็วเดี๋ยวก็ได้ไ ต, ต่หัวไต่ห่ากันเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ซัดมันก็บอกให้เมเจอร์ซัดสิวะเมเจอร์กระชากออกข้างในไปแล้วนําทางออกไปนู่น ทำไมต้องรีบนาะว่ะกูไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ได้มึงต้องเข้าใจแผนการเขากําหนดเวลาทุกคนต้องทําตามแผนอะไรวะยังงงไอแก้วไม่ใช่มีเพียงเท่านี้พวกเรายู่มีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าโ น, นู่นนี่มันแผนเนาะสตาร์แซมสั้นเวยเพราะฉะนั้นพวกเราทําตามไปเร็วทั้งฉุดทั้งกแจงเหตุผลกว่าจะทําความเข้าใจได้สําเร็จเล่นเอาเสี่ยงตายกับกระสุนอาการะเบิดหวดัวโจรวจ R ารพีจีไปหลายลูกอเมริกันชุดสุดท้ายของรูปขบวนจึงถอนตัวพลาดจากพื้นที่รอพื้นที่สังหาร ยังไม่มีวี่แวะวะว่าเวทโกงจะยุติการไล่ติดตามอาวุธในมือตามอัตราของหน่วยจรยุทธ์ยังคงกระนำนำเป็นเครื่องเบิกทางเป็นระยะระยะสกายไฟอาพีตีระเบิดยามกระทบเป้ากะระสุนอาการส่องแสงเป็นทางยาววาบสว่างสวยราวดอกไม้ไฟเมื่อมีมีการยิงเกลฝ่ายไศัตรูเวทโกงยิ่งคิดว่าศัตรูกํลาลังหนีรวมตัวกันาศาสอาวุธเข้าใสเป็นว่าเล่นกระทั่งล้าผ่านบริเวณที่ศัตรูเคยวางตัวไปมากบางคนจึงเริ่มคิดขึ้นได้ สายศัตรูหนีไปหมดแล้วใช่มันต้องหนีเพราะคนของมันน้อยกว่าเราแล้วทำไมพวก18คนนั้นไม่ออกมาสมทบกับพวกมันสายคิดว่ามันฝังตัวอยู่ที่ไหนไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้แต่ถ้าสายนักรบยังล้อมศัตรูหกคนนี้ไม่ได้เชื่อว่าสิคนนั้นก็ต้องไม่ปรากฏ ต, ตัวแน่เวียดกงเริ่มเข้าใจความผิดพลาดของฝ่ายตนที่ไม่สามารถสืบทอดอุดมการณ์ทําการรบแบบยืดเยื้อยาวนานตามแผนและคําสั่งของหน่วยเหนือได้สหายเราหยุดตามได้แล้วเราให้สว่างเขาออกแกะรอยใหม่ดีกว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงศัตรูพวกนี้หนีไปทางไหนต้องค้นหาให้ได้แต่ถ้าขื่อเราขืนไล่ติดตามไปแบบนี้นะฝ่ายสายนักลอบเราจะเสียเปรียบคําพูดประโยคสุดท้ายเล่นเอาหลายคนถึงกับเสียวสันหลังวา่าภาพคนตายคนเจ็บปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกจนป่านนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ทําไมศัตรูจึงสามารถทําการยิงได้ดีทั้งแม่นยําและแน่นอนทําไมความมืดจึงไม่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกับพวกตนบ้างและแล้วในความมืดนั้นเวียดกงก็ต้องตะลึงเหลียวมองไปทางทิศตะวันตกเป็นจุดเดียวฝ่าย สียงเครื่องบินใช่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หลายเครื่องด้วยกําลังตรงมาทางนี้หอมารับศัตรูกลุ่มนี้กลับใช่ไหมไม่รู้ต้องคอยดูต่อไปเอา้าแล้วถ้าศัตรูถอนตัวกลับไปหมดแล้วงานสืบทอดอุดมการสลายกําลังศัตรูก็ต้องล้มเหลวสิทําไงได้ละ่ะสหายบางครั้งศัตรูก็มีความสามารถเหนือใส่นักรบเราเหมือนกันนะถ้างั้นทําไมเราไม่รีบเครื่องกำลังไปตรงจุดที่ฮอมาลงรับศัตรูเมื่อสังหารตัวศัตรูต่งตางๆไม่ได้เรายิงทําลายมันพร้อมหอไปเลยไม่ได้เหรอตกลงสหายรีบไปเถอะ ตอนที่30เกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากเ2 0 3ปลอดกระบอกเก็บเสียงยุติลงหน่วยรบพิเศษอเมริกันกลีนแบลเลยทั้ง13คนพลาฮังเวียดกกงมาเป็นระยะทางไกลโข ổ. ทิ้งเสียงคลางกระหึ่มของเฮลิคอปเตอร์ซีนุกส่งลงท่าหาดลาวไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกหลายอย่างสายฝนเริ่มปล่อยเม็ดของฟ้าทรงสายแ ล, ลบแปบราบส่งเสียงคำรามสนั่นจนสะท้อนสถานเข้าไปในอก นักรบต่างเชื้อชาติต่างแผ่นดินแต่มีอุดมการณต่อชาโรกเป็นอันเดียวกันเร่งลุดฝ่าฝ่าโปรง่งตามดิ่งมุ่งสู่ทิศเหนือเตรียมรับภารกิจใหม่ตามแผนและขั้นตอนพันตรีคอรลินผู้รับผิดชอบภารกิจลวงสังหารเวสโกงก้าวลำหน้านําทีมงานมาตลอดเส้นทางตั้งแต่ถอนตัวครั้งแรกยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความเร็วเดินลงจนลูกน้องคนแรกที่เดินตามหลังมาส่งเสียงทักเมเจอ้อควายหายแล้วครับลูกน้องเล่นบทตลกเลว ทำเอาพันตรีคอรลินต้องหยุดเท้าตัวเองแล้วหันมาทำตาขวางใส่เชื่อพูดไม่ได้เข้ารูหูคนเลยนะมึงเอา้าก็เห็นเดินเอาเดินเอาไม่รู้จะรีบร้อนไปไหนทั้งๆ ท, ท, ที่ออกห่ายแก้วมาทั้งหลายกิโลเมตรแล้วนะงานสำคัญรออยู่ข้างหน้าเว้ยเซอร์เจนแซมเดินอยู่ตรงไหนท้ายสุดครับทำหน้าที่ระวังหลังเมเจอร์ Major ต้องการเรียกพบเหรอครับไอโง่ทำไมต้องเรียกพบวะไม่รู้หรือว่าแม้แต่ตัวมึงเองก็มีไอคอมพันตรีคอรลินด่า บ, บนบนแล้วออกเดินนําต่อด้วยความเร็วเดิม ลูกน้องไม่ลดละสอดคำพูดตามไปอีกรู้ครับแต่ไม่อยากใช้โดยไม่จำเป็นในสนามรบจริงๆควรงดการใช้วิทยุเพราะอาจทำให้คาสก่ะจับความถี่ระดักฟังการติดต่อสื่อสารได้คราวนี้พันตรีคอรินต้องหันมาคอนึกหมันไส้ลูกน้องที่บังอาจสอนบทเรียนแสดงว่าไอ้นี่ยังรู้ไม่จริงไอ้อมลุ่นเนี้ยไม่เอี่ยมเพิ่งมีใช้เป็นครั้งแรกในโลก ยังไม่มีวิทยุเลยดักฟังมาได้หรอกกูใช้อภารกิจมานับครั้งไม่ถ้วนจับต้องมันจนฝ่ามือไม่มีขนแล้วเพราะฉะนั้นมึงวางใจซะเถอะเด็กน้อยโถเมเจอร์ oh, วิทยุรุ่นไหนดักฟังไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเราจะกล้าปฏิเสธไหมใช่กูไม่ปฏิเสธแล้วมึงว่า V ีซีมันจัมาจากไหนวะไม่แน่นะเมเจอร์ Major. VC อาจจับตัวนอสตาเซอร์เจนไปแล้วยุดวิทยุเครื่องนั้นมาดักฟังเสียของเมเจอร์ก็ได้ พันตรีคอลินเกิดผลลัพธ์กับคำพูดแบบติดตลกของลูกน้องผู้ไม่ยอมลดลาวาศอกในการเถียงนึกถึงตัวเองขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ส่งข่าวถึงทีมงานเกี่ยวกับสถานการณ์ครั้งสุดท้ายจนถึงขณะ น, นี้อยากขอบใจที่เตือนแต่ก็ไม่ขอบใจเพราะกลัวมันได้หน้าถือเอาเป็นความดีความชอบปลดวิทยุตัวเองเออกมาแล้วกดทีฟรีสามครั้งเป็นการเรียกสักครู่ก็มีเสียงตอบกลับมาโอเคสาลูนสมอนส่งข่าวได้เลย นอสตาผมถอนตัวมาเรียบร้อยแล้วภารกิจทุกอย่างไปไปตามแผนพิกัดกระเพราการปัจจุบันพิกัดห่างจากยอดเนินแลนดิ้งโซนมาทางหนึ่ง 1. นาฬิการะยะทาง4กิโลเมตรกว่าสถานการณ์ปกติบนเส้นทางถอนตัวราบลื่นสะดวกดีโอเคยึดนาทีนั้นมุขต่อไปสองกิโลเมตรแล้วฝังตัวคอยโอเคทราบคุณพอจะบอกแผนการขั้นต่อไปให้ทําผมทราบหน่อยได้ไหมเตรียมโจงตีกองประชาการกองพลนฐานราดที่6ก2เวียดนามเหนือเฮ้ยรวดเร็วปานนั้นใช่เหรอ อย่าตกใจอย่าเสียงดังไอ้แก้วแถวนั้นจะได้ยินโอเคนอสตาตอนนี้ทางคุณกําลังทําอะไรแล้วทางยุทธพงศ์ล่ะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วไม่มีอะไรมากหรอกท้งผมกําลังเตรียมเล่นเกมกับไอ้แก้วสิคนส่วนของยุทธพงศ์คาดว่าอยู่ไม่เกินหนึ่งหรือสองชั่วโมงข้างหน้าคงได้เห็นตัวจริงไอ้ขบวนยานยนต์ประหลาดประหลาดนั้นโอเคงั้นสแตนบายก็แล้วกันพันตรีคอรินตอบเสียงอ่อยเข้าใจสถานการณ์ต่างๆดีทุกขั้นตอน เก็บวิทยุข้อซอกอกและยกกล้องเล็งบนสันปืนขึ้นส่องสำรวจพื้นที่ด้านนาเห็นลูกน้องสองคนทําหน้าที่ลาดตระเวนนานํานทางไปก่อนทาทางธรมรมะถมแดงดีทั้งคู่เดินเคียงกันแบ่งซ้ายขวารับผิดชอบจึงค่อยเบาใจเหลือบมองเวลาบนพายน้ํานาฬิกาขา้อมือครั้งเพิ่งเห็นว่าตีหนึ่งกว่านิดหน่อยก็ไม่มีความรู้สึกหรือเกิดอาการใดๆทั้งสิน้นสํารวจแนวลูกน้องคนอื่นๆจนครบแล้วหยุดรอดจ่าแสมเพื่อปรึกษางานโจมตีเป้าหมายแห่งใหม่ จ่าดาวเหนือรล้วงับวิทยุกับพันตรีคอรลิสแล้วหันมาทางพันตรีโรเจอร์ที่เพิ่งเสร็จจากเช็ควิทยุกับไอ้มนโอเคพี่มนเข้าพื้นที่วางตัวละมุมตรวจการดีมากระยะห่างวีซีตอนเนี้250เมตรหรือน้อยกว่ากําลังเดินทางตรงดิ่งมหาเราพอดีท่าทางระวังตัวมากอาวุธมีแต่อาก้ากับบารพจีพันตรีโรเจอร์แจกแจงรายละเอียดตามแบบที่เคยกระทํากันมาเป็นประจํจาจ่าดาวเหนือรับทราบแต่ไม่ออกความเห็นหันไปสนใจกับภาพในกล้องเลงกลังคืน คณะส่องสำรวจลักษณะภูมิประเทศตามรายทางซึ่งคาดว่าเป็นทางสรรัญจรของเวียดกงเสร็จแล้วลดปืนลงวางมาาเฉยนอสตาคุณไม่ตรวจแนววางตัวของพวกเราหน่อยหรอน้ำเสียงพันตรีโรเจอร์คล้ายคนมีกังวลอะไรบางอย่างอยู่ในใจจากดาวเหนืหอหัวเราะเบาๆแล้วตอบก็กมีเจ้าตรวจแล้วไม่ใช่หรอครับ <combien S 2> <which S 1> <blockchain> ใช่แต่เพื่อความแน่นอน <program ming> ผมอยากให้คุณตรวจซ้ำอีกครั้งบางทีคุณอาจมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้ผมหวังอย่างนั้นนะ ใครทําหรือใครตรวจก็เหมือนกันนั่นแหละเมเจอร์ไม่ว่าผมหรือเมเจอร์หรือพวกนั้นคุณมีแผนการอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเพิ่มทําไมล่ะครับเมเจอร์เพื่อพลาดไงไม่พลาดหรอกนะ vc สิบสองเราเก้าเว้นเสแต่ว่า vc บางคนกลับใจไม่มากับเพื่อนมันบนเส้นทางสายนี้แยกตัวย้อนกลับไปก่อนแล้วว่าไปอีกเรื่องแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆละ่ะคุณจะแก้ไขยังไงผู้ช่างมันเถอะเมเจอร์อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดปัญหา ย, ยังมาไม่ถึงถึงแล้วก็รู้เองคําตอบลีลาดเดิมๆน้าเสียงไม่ผิดเพีย้ยน ขาดแต่แววตาเท่านั้นที่มองไม่เห็นเพราะความมืดพันตรีโรเจอร์ไม่แน่ใจว่าภายในลึกๆของนักลบลับจ้างคนนี้แฝงความกังวลใดๆไว้บ้างหรือไม่แต่ที่แน่นั้นไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคนยังเขามองผ่านปัญหานี้ไปเพราะทุกครั้งเมื่อมีการกล่าวอ้างถึงปัญหาเป็นต้อพูดทางแก้เสมอจนเคลียร์แม้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ก็ถือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเริ่มซึ่งอาจเป็นหนทางไปสู่ความสําเร็จในตอนสุดท้ายก็ได้แต่คราวนี้เขากลับพูดง่ายๆง่ายอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน จึงอยากรู้ว่ามีแผนการอะไรอยู่เบื้องหลังกําลังจะเอ่ยปากถามพอดีเสียงสัญญาณวิทยุดังขึ้นเสียก่อนพี่ผ่านผมไปแล้วกาลังอยู่ตรงไอเชิดไอ้มนเป็นคนรายงานการเข้ามาของเวีทกงสามหน่วยจรรยุทธ์รวมสิบสอคนหัวหน้าทีมนักลบหลับจางคํานวณระยะห่างในใจเหลื อ, อกเกือบหนึ่งรอเมตรจึงจะถึงตนและการที่ไอ้มนสามารถส่งวิทยุได้ก็แสดงว่าสถานการณ์อานวยมาครบสิบสองไหมไม่ครบพื่มีแค่สิบเท่านั้นพันตรีโรเจอร์ได้ยินแล้วเสียวแสบไปทั่วไขสันหลัง นึกไม่ถึงว่าการคาดการเมื่อครูจะเป็นจริงขึ้นมาได้จ้องหน้าจาดาวเหนือเขม่งเพื่อดูว่าจะมีทางออกสําหรับปัญหานี้อย่างไรแต่จนใจอ่านแววตานั้นไม่ออกเพราะความมืดแต่ก็อุส่าห์เงียบรอฟังคําสั่งการเป็นไปได้ไงวะสงสัยตอนแรกนับผิดหรือพี่ไม่ผิดหรอกเพราะหน่วยจรยุสมันต้องมีหน่วยละสี่อยู่แล้วไอ้สามหน่วยนี้อาจจะมีประทัดที่ไหนสักแห่งถูกจําหน่ายไปสองแลง้วมั้งพี่เลยเหลือแค่เนี้ ปะทะกับไทรที่ไหนวะเม่นรู้เรื่องมึงพูดอย่างเงาว่ามีกําลังจากหน่วยอื่นเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกับเราอย่างนั้นแหละก็หน่วยไวคัตไงคือโถไอ้เปลตอยู่คนละทิศละทางคนละซี่โลกกันเลยถ้าไแก้วปะทะ ก, กับไวคัจริงก็คงไม่ละเหตุหนีมาถึงนี่หรอกงั้นเพื่อมันหายไปไหนถ้าไม่มีรายการจําหน่ายซะก่อนแยกตัวไปก่อนไงออกไปไหนออกไปทําไมอะพี่เอา้าก็กลับไปรายงานพ่อมาไงเไหงียนยาวซางไงคื อ, อ พ, พ, พี่รู้ เออมึงอยากควนคลางไปหน่อยเลยจากจุดใดจุดหนึ่งเหมือนเส้นทางตั้งแต่มึงตรวจพบมันครั้งแรกมาถึงบริเวณที่มีทางแยกไปบกอของมันน่ะไอ้สองคนนั้นน่ะรับหน้ากลับไปรายงานผลการลาตะเวนเว้ยเข้าใจซะด้วยครับคือให้มนทําเสียงอ่อยหรู้ทันทิวตนเองบกคร่องในหน้าที่พยายามทบทวนภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ตรวจพบเวียกองกลุ่มนี้ครั้งแรกวัยสองคนนั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก ผอมั่นใจว่าไม่ได้ละก้องเล็งออกจากกลุ่มเป้าหมายเลยแม้แต่วินาทีเดียวตัดสินใจเรียกวิทยุถึงหัวหน้าทีมอีกครั้งเป็นการด่วนคือไอ้สองคนนั้นอย่าเพิ่งไอเวนหมูก่กาลังจะขึ้นเขียงหัวหน้าทีมเน้นเสียงผ่านลิมฝิปากเบาๆช่วงจวังหวะฟ้าคำรามพอดีจึงพออาศัยพรางเสียงได้บ้างไอ้มนต์ต้องสํานึกผิดเป็นหนสองที่เทเลท่าเรียกวิทยุเข้าไปน่าจะรู้ว่าช่วงระยะเวลาขนาดนั้น เวียดกงเริ่มเข้าถึงบริเวณเขตสังหารแล้วจึงเก็บวิทยุและรีบเบนกล้องเล็งตามหลังแนวขบวนเดินของเวียดโกงไปทันทีเห็นร่างไหวๆของไอ้คนสุดท้ายห่างราว2งรอหสิเมตรตัดสินใจด้วยตัวเองเลือกไอเดนตายคนนี้แหละเป็นเป้าซ้อมมือจ่าดาวเหนือนั่งพิงคนหมายด้วยท่าสบายๆถือไอค้อมไว้ในมือเอ็มสพาดอยู่บนหน้าขามองดูพันตรีโลเจอร์ทำท่านอนหยิงเตรียมเล็งกระกระบาดไปยังร่างเวียดโกงคนนำนาด้วยความรู้สึกเฉยๆ คนในใจนั้นกำลังวาดภาพเวีทกองสองคนหลบฉากออกไปก่อนว่ามันได้เหตุการณ์อะไรก็ไปราย ง, งานเจ้านายเหนือหัวของมันบ้างปล่อยความคิดล่องลอยไปเรื่อยๆกระทั่งเสียงย่ำเท้าเบาๆของคนดังแว่วเข้ามารีบสลัดความคิดนั้นออกและหันมาสนใจเวีทกองอย่างจรงิงจังเสียงย่ำเท้าดังแรงขึ้นแต่มองไม่เห็นเพราะไม่ได้ใช้กล้องส่องกัดระยะเป้าหมายด้วยประสาทสัมผัสว่าเหลืออีกเพียงครึ่งสนามฟุตบอลสัญญาณเริ่มยิงคงเริ่มดังขึ้นเลิกสายตามองพันตรีโรเจอร์คนรับหน้าที่เปิดเกม เราไม่เกิดความรู้สึกเป็นห่วงแต่ประการใดทุกอย่างเป็นไปตามคาดการระยะห่าง39มองภาพตัดเส้นขอบฟ้าเห็นล่างยงยงของคนกำลังเดินความเร็วไม่มากไม่น้อยเสียงย่ำเทา้าเสียงพูดคุยดังเบาๆพอได้ยินจากดาวเหนือ ย, ยิ้มเครียดอยู่คนเดียวในความมืดกำลังจะใช้ปลายเท้าซึ่งอยู่ไกลสักกิดเชิงเตือนพันตรีโรเจอร์ให้เริ่มสัญ ญ, ญาณได้แล้วแต่กลับยกเลิกความคิดนั้นปล่อยให้ผู้ปฏิบัติทำหน้าที่ของตนไปยังเสรีดีกว่าหาไม่จะเป็นการไม่เชื่อมือกันเปล่า และวินาทีสังหารก็เริ่มต้นขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยแยกไม่ออกว่าเสียงลมเป่าปากลํ า, าลก้องหรือเสียงคนแหกปากร้องเสียงคำรามจากท้องฟ้าพายุฝนเสียงไหนเป็นเสียงไหนอะไรดังก่อนอะไรดังหลังละงมปนเปกันไปหมดพันตรีโรเจอร์หมายได้แสกหน้านัดเดียวเวทกองถึงกับอาการหมวนเสือลงไปหายุมบ้านทันทีส่วนไอวิทซัดเข้าปากอย่างเจตนาเพราะเห็นถ้าอาปากพูดแล้วทุเรศเป็นที่สุด กระสุหัวระเบิดซัดผ่านแผงฟันพ่านกระเดืด่อทะลุเข้าทำลายกระดูกต้นคอจนพินาศย่อยยับมือสังหารไม่มีโอกาสได้ยินเสียงร้องของมันเห็นแต่อาการคอพับค่อยลงซบลายตัวเองเห่าล่างทางล่างจึงค่อยๆงนเงยนลงกระแทกผืนไอ้นิดที่เล่นนึกถึงหัวใจนักร้องข้างขวามากไปหน่อยเพราะหุ่นตรงสเปกเลยกล้ายิงข้างขวาเผื่อว่าเวีทกองคนนี้อาจมีหัวใจอยู่ข้างเดียวกันกับนักร้องคนนั้นบา ง, า ง, า ง, างแต่ผิดคาด เวียดโกงมีอาการเซผงะหลังยังไม่ตายขาทีจําต้องซ้ำข่าวนี้ตัดสินใจเลือกเอาโซนหัวสัตว์ฟุกสองเรียบร้อยไอม้มนคนสุดท้ายล้าจากเป้าหมายขนาดใหญ่บนแผ่นหลังขึ้นเล่นของสูงเร็งหัวกระบาลเสร็จเลยนัดเดียวรู้แล้วรู้ลอดไปไอ้ผลไอโนบอยู่กลางแถวสัตว์ลายแรกดับดินไปแล้วต้องรับลายที่สองต่อช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเป้าหมายล้มตัวลงหมอบแต่มือสังหารรู้ท่าเตรียมการกรบาดไปรอท่าล่วงหน้าทันทีที่มันล้มตัวกระทบพื้น ยังไม่ทันได้กลิ้งหาแรงกำบังก็ต้องมีอันเป็นไปเสียก่อนจากดาวเหนือหัรล้อฮือๆค่อนข้างดังมองดูพันตรีโรเจอร์ว่ากล้องเล็งสำรวจผลงานซ้ำเห็นท่าทางพยายามยิงอีกแต่ไม่ได้ยิงก็รู้ทันทีว่าไม่มีเป้าหมายไหนเหลือรอดมาให้นอสตาคุณไม่ได้ยิงเหรอก็เมเยอร์ยิงแทนผมแล้วไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> คุณนี่มั่นใจขอเยือกเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งสิอีกนะใครบอกเราเมเยอร์ ผมนี่แหละตัวใจร้อนเลยผมกำลังคิดแผนตามไปเอาชีวิตไอ้ปากหมาสองคนนั่นรอพวกเราไว้แล้วแบบนี้ยังว่าใจเย็นอีกเหรอครับหมอตาตอนที่สามสิบเอ็ดพันตรีโรเจอร์ถึงกับตีสีหน้าปั้นยากขึ้นมาทันทีนึกได้ว่าเมื่อก่อนฉากการยิงเริ่มนั้นไอ้มนรายงานเรื่องเวทกงสองคนหายไปจากขบวนเดินกำลังคิดอยู่ว่าเวทกงหายไปไหนหรือคนรายงานนับไม่ท้วน พลต้องยุติความคิดนั้นชั่วคราวพระถึงเวลาเริ่มประเดิมกระสุนนัดแรกเพื่อเป็นสัญญาณแก่คนอื่นๆระวังฉากการยิงกําลังดําเนินกระทั่งทุกอย่างเสร็จสิน้นเรียบร้อยตามแผนกําหนดพึ่งเห็นว่าคนยังจ่าดาวเหนือกล้าหาญขนาดปล่อยมือลูกทีมให้ทําหน้าที่ซุ่มยิงกันเองตามลําพังโดยตัวเองไม่ต้องลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวด้วยความเชื่อมั่นในแผนการอันแยบยนต์และด้วยฝีมือแบบมีประกันของลูกน้องทุกคนสามารถปลิดชีวิตเวียดกงทั้งสิบคนได้ภายในเวลาไม่ถึง10วินาที ท่ามกลางสถานการณ์ร่อแหลมต่อความเป็นความตายนั้นเขาก็ยังเหลืออารมณ์เก็บไปคิดแผนการขั้นต่อไปโดยแม่อนาทรใดๆเสียงลูกน้องสองสาคนเข้าเคลียร์พื้นที่ทําการตรวจสภาพศพเวียดก่งพูดคุยกันเบาๆพันตรีโรเจอร์ปล่อยผ่านเรื่องนั้นไปแล้วหันมาตั้งคําถามกับจ่าดาวเหนือแทนนอสตาคุณรู้มาก่อนหรือเปล่าว่ า, วามีวีซีหายไปสองคนเฮเมเจอร์ hey Major, ถ้าผมรู้ก็แสดงว่าผมเป็น V ีซีเข้ามาเป็นไส้ศึกพวกเร า, เาสิโอเคแสดงว่าคุณรู้ทีหลัง แล้วคุณรู้ได้ไงว่า VC สองคนนั้นจะกลับไปรายงานเจ้านายเหนือหัวมันดาวเอาครับทางทางที่ไอ้หมอนก็ไม่แน่ใจอย่างนั้นน่ะเหรอใช่คาไม่เจอทํทำไมเหรอไม่ใช่การดาวหรอกนะสตา์คุณต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเป็นแน่คืออย่างนี้นะม่เชอร์ที่ผมบอกว่าดาวก็เพราะเรายังค้นหาเส้นทางตามคาดการไม่ได้เหตุผลประกอบการดาวก็คือบริเวณนี้อยู่ห่างจากพิกัดกรงบัญชาการกองพลทหารราบที่612แค่ไม่กี่กิโลเมตร ตัดตรงบนแผนที่เพราะฉะนั้นของจริงก็คงอยู่ไม่ห่างไกลาจากระยะในแผนที่สักเท่าใดนักหรอกการแยกตัวของหนวลจรยุต์นั้นน่ะถ้าเป็นธุรกิจลบต้องไปกันทั้งชุด4คนแต่ที่ไปแค่2คนสแสดงว่าไปงานอย่างอื่นถ้าไม่ใช่ไปบอกรัมเมเจอร์ Major, คิดว่ามีเหตุผลอื่นไหมล่ะครับคงไม่หรอกนอสตาถ้างั้นการมาของพวกเราก็ถูกค้นพบโดย VC2 คนนั่นแหละสิทาไมเมเจอร์จึงคิดว่าพบแล้วล่ะครับก็าจากการประทานี้ไง ไม่มีโผลดอมเอเจอร์ไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวนี่เพราะ V ีซีไม่ทันได้ยิงกระสุนของพวกเราจับจุดตายฉับพลันทุกนัดแม้แต่เสียงร้องก็คงดังไปไม่ไกลเพราะเสียงฟ้าร้องกับเสียงเม็ดป่นกลบเอาไว้อืมโอเคไอซีจริงด้วยนะนอตาถ้ามันมามันก็ต้องผ่านด่านในมลแล้วใช่ไหมไม่แน่มันอาจเปลี่ยนไปใช้เส้นทางใหม่ก็ได้เพราะมันรู้แล้วว่าบนเส้นทางสายนี้มีความตายรอมันอยู่อาจเป็นได้โอเคแต่ผมว่ามันยังคงไม่รู้เรื่องนี้หรอกแล้วคุณจะจัดการ V ีซีพวกนี้ยังไงต่อไป ผมหมายถึงท่านหนุ่ยจลยุทธ์ของมันรัตะเวนมาเห็นเข้าช่างมันอะไรเมเจอร์ถึงยังไงยังไงเช้ายันสายตลอดวันพุ่งเนี้ก็ไม่มีกองพลทหารราบที่612ของเวียดนามเหนือจะอยู่ในแขวงอัตปื้อต่อไปแล้วคุณแน่ใจขนาดนั้นเชียวเหรอครับเมเจอร์ผมขอหัวเป็นประกันนอสตาเป็นครั้งแรกที่พันตรีโรเจอร์ได้ยินคําพูดแบบนี้ของจา่าดาวเหนือลูปจระปากของเขาเองอดีตที่ผ่านมานี้หากการใดไม่แน่ใจเขามักพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้เสมอ ซึ่งหากเป็นทหารลาวทหารมงอาจจะย้อนได้ว่าโหมแต่นี่เป็นจ่าดาวเหนือเพราหน้าทีมนักรบหลับจ้างผู้มีประวัติการรบอย่างโชคชนจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเป็นที่ขรนครามของเหล่าศัตรูหัวแดงทั่วทุกสารทิศนับตั้งแต่เขตอีสานประเทศไทยไปลาวแล้วต่อจนถึงเวียดนามเหนือนักรบยังจ่าดาวเหนือไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวมาคราวนี้แม้ไม่เชื่อแต่ก็ไม่รู้จะหาเหตุผลข้อใดมาอ้างคุณมีแผนไงบ้างเนาะสตาบอกผมได้ไหม พันตรีบริการถามด้วยนำเสียงราบเรียบเป็นปกติทางทางที่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความสงนนักรบลับจ้างวางท่าเฉยไม่มีท่าทีใดๆว่าต้องรีบเร่งขวนขวายเรียมการบางอย่างเพื่อความสมเร็จตามคำพูดยังเลเมเจอร์ต้องสอบถามทางยุทธพงศ์กับแบล็คเรงก่อนว่าผลงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วโอเคงั้นคุณถามยุทธพง์ก็แล้วกันผมจัดการแบล็คเองทั้งสองแบ่งหน้าที่กันจากด้านเหนือกดคีย์ฟรีทำสัญญาณเรียกสองครั้งสักครูจ่จายยุทธพงศ์จึงตอบ โอเคพี่ทําที่เรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยทางโน้นล่ะเรียบร้อยเหมือนกันพี่เรียบร้อยอะไรว่าไม่เห็นรู้เรื่องเอา้าก็พี่จะไปรู้เรื่องได้ไงในเมื่อผมยังไม่ได้ไรายงานมนโยกโยนอ่ะมีอะไรคืบหน้าก็ว่ามาขบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์นะสิพี่เต็มพฤชยาวเหยียดสุดลุกหูลุกตาเลยอะไรวะเงงวะ่ะไม่ต้องงงไม่ต้องเงงช้างครับพี่ช้างพี่เคเห็นช้างมห อยากจะย้อนว่าช้างพ่อช้างแม่มึงหรืองไงแต่ก็ไม่พูดไม่ใช่จ่าดาวเหนือเพียงคนเดียวที่งงต่อข่าวนี้ทีมงานคนอื่นๆที่ถือข่ายวิทยุบนความผี่นี้รับทราบข่าวก็ต้องพลอยเกิดอาการเดียวกันไปด้วยจ่าดาวเหนือพยายามระงับสติอารมณ์เพราเชื่อว่าจ่ายุทธพงศ์คงไม่คิดตลกเล่นหรือมือระดับนั้นคงไม่พลาดถึงขนาดเห็นอย่างอื่นเป็นช้างแน่รายละเอียดแน่ๆซิยุทธครับพี่ เวียดนามเหนือใช้ช้างแทนรถยนต์ลากฐานยิงจรวดลากปืนใหญ่แล้วก็ขนสัตว์ไรเยอ ะ, พะเพลอเกลเลยพี่ใช้ช้างแทนรถยนต์เนี่ยนะนหัวหน้าทีมนักบรบลับจ้างทำเสียงคลางในลำคอทวนคำรายงานของจ้ายุทธพง์ในสมองเร่งคบคิดอย่างแรงว่ามีทางปึงไปได้แค่ไหนโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักทรงใหญ่ๆทางต้นลากถูไปกับพื้นดินพื้นหินช้างยางลากไหว ในขณะที่ฐานยิงจะระดดมีน้ำหนักน้อยกว่าต้นสูงมีล้อช่วยในการเลื่อนไหลทุ่นแรงกว่าตั้งหลายเท่าทำห้ช้างจะลากไม่ได้แล้วหวนคิดถึงแนวทางทำการลบสไตล์กองโจรที่เวียดนามเหนือถนัดอีกเหตุผลหนึ่งจึงพอสรุปให้ลงตัวได้ว่าต่อไปสิยุทธมันใช้ช้างสองเชือกลากจรวดหนึ่งฐานยิง ส่วนพวกลากปืนใหญ่ใช้ค็เชือกเดียวเดียวมีทหารคอยควบคุมระบบเบรกเอาไว้ตอนลงราดเท่าที่เห็นแล้วตอนนี้นะพี่มีฐานยิงจรวด6ฐานลากมาเป็นขบวนยาวเกือบ500เมตรปืนใหญ่ร้อยสามอีกหระบอกขบวนยาวพอกันช้างขนสาร ะ, ะสงสัยเป็นกระสุนปืนใหญ่กับเครื่องประกอบของฐานยิงจรวดอีก12เชือกสารพลาใส่รางขนาดใหญ่บรรทุกหลังช้างไว้มีกําลังทหารคุ้มกันนำขบวน50คนเป็นแถวตอนกลางขบวนประมาณร้อยคนแทรกอยู่ตามช่องว่างส่วนท้ายขบวนยังมาไม่ถึง คาดว่าน่าจะมีไม่น้อยเหมือนกันครับพี่โอเคเป็นไปได้เป็นไปได้อะไรกันพี่นี่พีหาของโกหกเหรอไม่ใช่ว่าโกหกแต่กูมันต้งจะบอกนะักลบกองโจมมันก็ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นต่างหากโอเคตอนนี้พวกเราวางตัวกันยังไงภูมิประเทศช่วงนั้นยุ่งยากสักแค่ไหนอยู่บนพื้นระดับเดียวกับมันนี่แหละพี่ห่างออกมาสามร้อยเมตรป่าปโปร่งมีไม้พุ่มนิดหน่อยพื้นดินราบเรียบใช้กล้องส่องสำรวจแล้วชัดเจงแล้วพี่ฝนกําลังพรํำแบบเนี้ช้างเดินคล่องดีไหมวะ ก็ไม่เห็นจะเชื่องช้าตรงไหนนะพี่ไอ้คนเป็นควานจับขู่ช้างเดินเฉยๆไม่ได้ขึ้นไปขี่คอเหมือนอยังควานช้างบ้านเราหรอกพี่แล้วก็ไม่ต้องส่งเสียงเล่งช้างด้วยอืมอะไรพวกนี้มันร้ายกาจจริงๆไหวหา่าหลงคิดแทบตายว่ามันเป็นขบวนอะไรยานยนต์ก็ไม่ใช่แต่เสือกเคลื่อนที่ได้เวียดนามเหนือนี่แม่งโคตรฉลาดเลยว่ะจ่าดาวเหนือเลยคนเดียวทางวิทยุแต่จ่ายยุทธภง์กับคิดตรงข้ามฉลาดก็ผีอะไรลรอพี่ผมว่ามันโง่บัดซบมากกว่า โง่งไงวะมันทําในสิ่งที่ใครก็คาดไม่ถึงแบบนี้เรียกโง่ได้ไงวะโถพ่พี่นี่มันลบกันนาะไม่ใช่ช้างในป่าไม้ช้างทําความเร็วได้แค่นี้พี่คิดหรือว่ามันจะสามารถหลบหนีการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้เออมึงนี่ฉลาดนี่ว่าจา่าดาวเหนือยิ้มแก r ้มปิเมื่อพบช่องทางทําลายขาบวนอาวุธหนักจากคําพูดเพียงประโยคสั้นๆของจา ย, ยุทธพงศ์สมองนักลบอัจฉริยะแล่นิวมองเห็นหนทางเอาชนะได้อย่างปลุกโตกล่ลาวกับอาจลมือตัวเองขึ้นมาทันที โอเคยุทธ okay, ถ้าจะทำลายขบวนช้างดำเลียงอาวุธขบวนนี้มีทางทำได้ด้วยวิธีไหนวะมีลุกทางเลยพี่สำคัญแต่ว่าสะดวกทางไหนเท่านั้นใช้ทหารราบเข้าโจมตีทางพื้นดินเป็นไง mm. ได้เลยพี่ใช้กำลังทั้งสามกองพันธุ์หรือมากกว่าเพรา ก, กว่าจะเข้าถึงตัวได้เวียดนามเหนือนะ่ะมันก็ต้องป้องกานกันสุดชีวิตหน้าการส่งลงคงต้องเอาป่าทึบแถวนี้นี่แหละเราก็ต้องรอหลังฝนหยุดด้วยไม่งั้นเครื่องลอยตัวลําบากแล้วถ้าพวกเราทำเองเหรอวะเออ อันนี้ต้องคิดหนักหน่อยพี่ระหว่างคนช้างจรวดปืนใหญ่เราควรซัดไอตัวไหนก่อนซัดจรวดสิวะโอเคพี่ซัดจรวดด้วยกระสุนจอกเกราะเพลิงเขาใส่ส่วนลำตัวหรือไม่ก็ส่วนหัวอาศัยดินระเบิดในตัวมันทําลายตัวมันเองระยะห้าร้อยเมตรพี่คิดว่าเราหลบผลนรัเสยียอำนาจจรวดระเบิดขนาดใหญ่ไหวไหมพี่คงไม่ไหวว่ะทางการซัดปืนใหญ่กับช้างกระบวนสำพะลาเขาไมีปัญหาจอกกราะเพลิงได้ใช้หน้าแล้วเรื่องถอนตัวหลังโจมตี ไม่มีปัญหาหรอกพี่โลบเลีงลีกหนีได้สบายอยู่แล้วหนีไปเขายิงมันายทีละสี่ห้าคนที่กร้านทั้งกองพลก็ไม่เหลือไ ม, มไม่คุ้มว่าไม่คุ้มวิธีนี้อย่าเสี่ยงดีกว่าเสี่ยงตายเถอะพี่ไม่มีตายอยู่แล้วใช่ไม่ตายแต่ก็เลี้ยงไม่โตไอ้ที่ว่าคุมไม่คุ้มอ่ะก็คือเราทํางานได้แต่ปืนใหญ่กับอาวุธระเบิดที่มันทุกมากับช้างหัวใจของงานเนี้ยมันอยู่ที่จะหลด Ss2 เว้ยเราต้องทําลายตัวนั้นถ้างั้นก็ต้องคิดหนักหน่อยพี่ ั่น่านสิถึงต้องให้ช่วยคิดไงเรามีเวลาแค่คืนนี้กับกลางวันพรุ่งนี้นะทำไมพี่พี่จะรีบกลับเหรอผมว่าเสร็จงานจรวดนี้แล้วจะออกล่าหาข้าวหัวกินก่อนไม่ดีกว่าเหรอมึงพูดยจงกับหัวคนมันเอาแขวนไว้ตามกิ่งไม้อย่างนั้นแหละไม่คิดถึงตอนเขาล่าหัวบ้างเลยใช่ไหมโธ่ไม่มีทางอยู่แล้วพี่ผมว่ายแกล่ะตะปืนเนี่ยมีแต่พวกอ่อนหัดนะพี่อย่าประมายุดอย่าประมาทกว่าจะพิสูจน์ทราบว่าขบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์เนี่ยก็เล่นเอาเกิดหัวใจวายตายไม่ใช่หรอวะ ถางั้นพี่คิดว่าสมควรเรื่องการโจมตีแบบไหนเหลือท่าอากาศทางเดียวอ่ะนักบินลาวโม้งหรืออเมริกันเราก็เครื่องแบบไหนต้องนักบินอเมริกันเท่านั้นว่ะส่วนเครื่องแบบไหนคงต้องหลายๆแบบผสมกันถึงงานก็เถอะผมกลัวไม่ได้ผลร้อเนตะพี่เพราะความแม่นยำนี่แหละพี่คิดเผื่อไวบ้างหรือเปล่ากำลังคิดว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์ขบวนเป็นไงบ้างมันก็ยังเคลื่อนไปเรื่อยๆนะพี่ท้ายขบวนยังมาไม่ถึงพี่ทำไมมันไม่พักกันบ้างล่ะมันกัดเล่นเดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอ คงเร่งด่วนมั้งวะอาจาเป็นเพราะว่าเราเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้มันเลยกลัวจะถูกโจมตีซะก่อนทั้งทางพื้นดินและทางอากาศมัง้งถ้างั้นเราก็ต้องเร่งหน่อยสิพี่คือรอชาร้า จ, จะโหลดถึงฐานยิงแล้วตั้งยิงแส่ไฟ้งอนเลยมิแย่เหรอก็คงแย่มัง้งงั้นพี่ก็สั่งการมาทีสิโอเคคอยตอนที่สามสิบสองจ่าดาวเหนือพยายามใจเย็นในขณะที่จ่ายุทธพงศ์กลับใจร้อนอยากระเด็จศึกเสด็จโลเลว ตึงต้องสั่งระงับวิทยุแล้วให้คอยไปก่อนเห็นพันตรี er, โรเจอร์กําลังติดต่อวิทยุกับกองพันทหารลาวหลังการส่งลงเสร็จฟังเพื่อนๆก็พอรู้ว่าที่นั่นเริ่มมีการประทะเกิดขึ้นแล้วท่านที่มั่นทหารลาวบนยอดเหนินทุกเวทกองเข้าตีจ่าดาวเหนือปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนหลวงแผ่นดินออกมาจะคลอกอกใช้ไฟฉายพลางแสงซ่องอ่านรายละเอียดเองสายฝนเริ่มหนาเม็ดขึ้นจน ก, กลายเป็นตกหนักเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามหายไปกลายเป็นเสียงสายน้ําป่าซัดดังอู้อูมาแต่ไกล นากบรบลับจ้างพยายามเพ่งสายตาผ่านมา่านสีแดงของไฟฉายพลางแสงอ่านรายละเอียดบนแผนที่ด้วยความยากลําบากหยดน้ําฝนเปียกโชกไหล ย, ย้อยผ่านใบหน้าราดลดแผ่นกระดาษต้องคอยใช้มือปัดเข้าใจดีว่าสถานการณ์ยามนี้เวลาคือตัวแปรที่สําคัญที่สุดการปล่อยให้ขบวนช้างลําเลียงเดินทางห่างไปกว่านี้อาจหมายถึงความสําเร็จของฝ่ายเวียดนามเหนือซึ่งต้องส่งผลกระทบไปถึงไส่งอนและกองกาลังทหารสหรัฐประจําเวียดนามใต้เป็นแน่ใช้เวลานา น, านล่มนาที จึงสามารถตกลงใจได้กดคีย์ฟรีสองครั้งเรียกจ่ายยุทธภงเตรียมฟั่งการโอเคพี่ท้ายกบวนมาถึงแล้ว่านคุ้มการเต็มเลยราวร้อยห้าสิคนเห็นจะได้อาวุธหนักเต็มาตราทั้งปืนกลปลสอพอไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ช่างมันมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือหรอกรับรองพระอาทิตย์ขึ้นอาวุธพวกนี้ก็กลายเป็นเศษเหล็กส่วนคนก็คงเป็นผีเฝ้ากลุ่มทรัพย์เศษเหล็กต่อไปทำไงถึงจะเป็นแบบที่พี่ว่าได้ไอ้เปรตมึงนี่ถามแปลก โอเคหาทางแกะรอยตามมันย้อนลงมาทางใต้3กิโลเมตรใช้เส้นทางเดิมนั่นแหละให้พวกเราขึ้นไปฝั่งตัวอยู่บนยอดเนินหัวโลลูกทางตะ ว, วันตกของเส้นทางไปถึงก่อนขอบวนช้างนะเว้ยเสร็จแล้วเตรียมการชี้เป้าหมาย่ยสำหรับเครื่องบินเขาทําการโจมตีโอเคไหมเวลานอนเราพี่เครื่องบินสามารถออนทาร์เกตได้ภายใน15นาทีเพราะฉะนั้นเมื่อขอบวนช้างมาถึงบริเวณนั้นเครื่องจะเริ่มโจมตีทันทีเวลานอต้องแล้วแต่ขบวนช้างโอเคพี่เข้าใจละ ถ้างั้นม o v ได้เลยส่วนพี่จะไปบกหกหกสองจัดการด้านนั้นเองงานนี้ไม่มีจุดนะทดบถ้าใครพลาดให้หาทางติดต่อนหน่วยเหนือแล้วขอความช่วยเหลือเอาเองเว้ยโอเคไหมโอเคพี่ได้เลยจากยุทธพงศ์ทําเสียงเริงล่า ด, ด้วยความรู้สึกซาดใจเกิดอารมณ์อยากเล่นเกมของใหญ่อย่างนี้มานานแล้วทุกครั้งเคยดูแต่หัวหน้าทีมเล่นเองบางครั้งทูกใจบางครั้งเห็นว่าเบาไปนิดมาคราวนี้ถึงตาตัวเองมั่นหมายเต็มทีไม่มีการผ่อนเบาอย่างเด็ดขาด ชวนลูกทีอีกสามคนมูฟออกจากแหล่งฝังตัวพร้อมกับวาดแผนการไปพร้อมเลยจากดาวเหนือเสร็จจากใจ ย, ยุทธพงค์หันมาทำพันตรีโรเจอร์ซึ่งได้จังหวะรถวิทยุจากแนบผูสแสดงว่าระงับวิทยุแล้วเช่นกันสถานการณ์เราเป็นยังไงบ้างครับเมนเจอร์พันตรีเมริการถอนหายใจเฮือกใหญ่ใช้ฝ่ามือปาดเม็ดฝนบนใบหน้าและตอบเสียงเครียดโง่บ้าเซอร์นสินอสตาทหารเราจะมีอะไรมากไปกว่านี้เกิดอะไรขึ้นครับ เวทโกงชุดที่ผ่าจากแซลมอนทําการโจมตีต่อตอนนี้ราวตายไปแล้ว6กบาดเจ็บสเห็นว่าเวทโกงเขาตีรอบด้านทร้อมกันเลยเวทโกงมีกําลังเท่าไหร่ครับลาวว่าสองร้อยคนแต่แซลมอนรายงานมาครั้งสุดท้ายก่อนถอนตัวว่าไม่เกิน80ดสิคนสแสดงว่าราวกาลังอ้อนขอความช่วยเหลือเขาขอข อ, อะไรบ้างครับขอฮอดอกันเนอร์กับเครื่องบินช่วยทิ้งแฟรส่องสว่างผมก็เลยบอกมันไปนว่าฝนตกอย่างนี้เครื่องมาบินคงลําบากต้องร้อยฝนหายซะก่อนแล้วลา ว, ว่าไงครับ มันบอกมันไม่ยอมถ้าไม่มีฮอมาช่วยมันจะถอนตัวหนีกลับให้หมดเลยงั้นเหลยครับไอ้พวกนี้ร้ายกาจไม่เบานะและ Major ้วเมเจอร์ตอบมันว่าไงผมก็เลยบอกมันไปว่าถ้าอยากตายก็ถอนลงมาจากยอดเนินบนนั้นภูมิประเทศสูงกว่าได้เปรียบอยู่แล้วถ้าตั้งรับดีๆยิงระวังระวังอย่าเปิดเผยที่ตั้งมากนักรับรองอยังไงเวียด ก, กงก็เข้าไม่ติดหรอกอย่างดีก็ยิงอยู่ห่างๆคุณว่าจริงไหมจริงคราเมเจอร์สถานการณ์อย่างอื่นล่ะครับ ก็ไม่เห็นมีแรม่องกรณีพิเศษเลยทุกอย่างเป็นการเข้าตีตามปกติอย่างที่มันเคยโดนกันประจำประจำนั่นแหละปืนใหญ่ปืนคอก็ไม่มีอย่างดีก็แค่พอลสก็ปืนกลเท่านั้นแหละไอ้พวกนี้ขี้ขาดตาขาวไปเองเราน่าจะเพิ่มกาลังให้เขาสักหนึ่งกองพันนะครับส่งลงใกล้ๆกันนั่นแหละเอางั้นเหรอครับเมเจอร์สั่งการไปเลยให้แลนดิ้งทันทีเมื่อพระอาทิตย์เริ่มแสงเพื่ อ, อไรนอสตาเพื่อดึงกําลังทหารเวียดนามเหนือให้โผล่มามากๆแล้วทุ่มกาลังไปที่นั่นไงครับ คงคิดว่า ง, งานส่งรงข่าวนี้ต้องมีการเคลียร์พื้นที่กันก่อนไม่งั้นฮอไม่ปลอดภัยแน่ถ้าจําเป็นก็ต้องทําครับเมเจอร์ Major. แล้วพวกเราล่ะยุทธพงษ์จะจัดการขบวนช้างําเรียงเราจะไปบกหกร้อสิบสองเสร็จแล้วจึงจะตามไปช่วยทหารลาวโอเคไหมครับง่ายขนาดว่าปากเปล่าได้เชืเ่อเลยนอกตาก็ไม่เห็นมีอะไรยากนี่ครับเมเจอร์ Major. ถ้าเราไปช่วยทหารลาวไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยถึงยังไงกําลังลบทั้งสองกองพันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปเถอะจริงไหมครับไม่ไหวมากนอกตา์ เวียดนามเหนือหนึ่งกองพลกับเราสองกองพันลําพังเท่าๆกันเรายังรับไม่ไหวถ้ามากกว่ากันขนาดนี้ผมว่าเรา ว, วิ่งป่าราบแน่ก็ช่างหัวเราอีกนั่นแหละเมเจอร์ภารกิจหลักของเราคือบอกอกองพลฐานราบที่6กรเพราะฉะนั้นต้องหาทางใช้เราเป็นตัวล่อหลอกให้เวียดนามเหนือทุ่มกำลังไปที่นั่นให้มากเราจะได้ทํางานสะดวกไงครับโอเคว่าไงว่าตามการคุณกล้าเล่นผมก็กล้าได้เหมือนคุณแหละ พันตรีโรเจอร์เห็นดีเห็นงามพอสนุกไปด้วยภายใต้ไฟฉายพลางแสงสีแดงเลื่อยๆนั้นช่วยมองเห็นใบหน้าอันแท้จริงของจา้าดาวเหนือค่อนข้างชัดเจนรอยยิ้มกับแววตาที่เปล่งออกมาช่างไม่ต่างไปจากครั้งก่อนๆแม้แต่น้อยนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษมีนักลุเริ่จ้างเป็นแกนนําสนธิกําลังกับทหารเสือพรานไทยเข้าตีเนอรสกายไลย่เป้าหมายยุทธศาสสําคัญแห่งทุ่งห่ยหินตอนตายจากการยึดครองของเวียดนามเหนือเวียดโกงดักโกง เราก็ทําให้รู้สึกขนลุกสู้เกิดจากการร้อนๆหน า, ๆาวๆเล่ากับไข้ขึ้นเวทกองทําการรบแบบตั้งรับในที่มั่นอันแข็งแรงโดยมีปืนใหญ่และรถถังเป็นอาวุธสนับสนุนหลักสกัดกั้นการบุก ข, ของฝ่ายตรงข้ามนัดระยะไกลด้วยขอ้อปรลสและตลอดแนวป้องกันชั้นไหน่งวางปืนกลอาการ์อากับระเบิดนานาชนิดพร้อมกําลังรบมากกว่า200คนแต่กระนั้นก็หาได้ต้านทานอํานาจการเจาะถะลวงด้วยแผนการอันชาญฉลาด ของนักรบรับจ้างคนนี้ได้ไหมแนวตั้งรับอันแข็งแกร่งราวกำแพงยักต้องยับเยินปล่อยให้ฝ่ายบุกเข้ากระชากวิญญาณถึงใจกลางฐานที่มันทําการรบด้วยยุทธวิธีดอกโบบานตามสไตล์ถนัดของเวียดกงเองจนต้องพบกับความพ่ายแพ้ชนิดหมดรูปกลายเป็นรอยแผลในความทรงจําที่เหล่าเวียดกงกองทัพเวียดนามเหนือไม่อาจลืมได้ตลอดชั่วชีวิตนี้ชีวิตหน้าอีกครั้งที่นักรบรับจ้างคนเดิมสแสดงอาการของความมั่นใจอย่างนั้นออกมาให้เห็น เชื่อเหลือเกินเขาต้องทำได้และต้องทำได้จากดาวเหนือของเราชอบใจขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลโดยพันตรีโรเจอร์คาดดาวถึงสิ่งภายในใจไม่ออกเห็นท่าทางเก็บพับแผ่นที่ยัดเข้าซอกอ ก, อกแล้วดึงไอคมอมออกมาจากซอกอกกดทีฟรีส่งสัญญาณสองครั้งก็พอรู้ว่าต้องการติดต่อกับทีมงานของพันตรีคอรลินหรือจ่าแซมโอเคโนสตาส่งข่าวได้เลยสถานการณ์ที่นี่ปกติดีมากซาลูนมุฟถึงไหนแล้วจากวิกัดเดิมแนวทิศเดิมกว่า1กิโลเมตรภูมิประเทศป่าปโปร ไม่มีวิเววข้าศึกปรากฏตัวคาดว่าพวกมันยกกระโนไปนเสริมกําลังโจมตีทหารเราบนยอดเนินแลนดิ้งมีอะไรเป็เครื่องสังเกตว่าค้าศึกไปที่นั่นรอยเท้าจํานวนมากเป็นแถวยาวเหยียดพุ่งย่าลงพื้นดินแถฉผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมุ่งไปทางทิศนั้นเดาออกไม้ว่าค้าศึกพวกนี้ไปจากฐานที่มั่นหรือบริเวณฝังตัวบริเวณไหนหมายความว่าอาจจะไปจากบอกอกองพล6กรหรือจากกองพันธุไหนสักกองพันหนึ่งที่เป็นกองพันธุ์แอตรากองพลน่ะ เดาไม่ออกหรอกนอสตาเพราะเราไม่ได้ตามพิสูดรรอยตั้งแต่จุดเริ่มน่าเป็นการตรวจพบระหว่างเส้นทางเท่านั้นโอเคทราบเส้นทางช่วงนั้นคดเคี้ยวมากไหมกะเวลาสิสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงถึงพิกัดตามแผนน่าจะภายในชั่วโมงนี้แหละนอนสตาเข้าแผนซารูนเข้าแผนแล้วพบกันนะตอนนี้สแตนบายจ้าดาวเหนือดีดนิ้วดังเปาะเปิดยิ้มกว้างจนเต็มใบหน้าลีลาคาพูดบอกถึงความพอใจเป็นอย่างยิ่ง พันตรีโรเจอร์เร็จจากการส่งข่าวขอรับการสนับสนุนเสริมกําลังทหารเราเพิ่มอีกหนึ่งกองพันพอดีอยากเอ่ยปากถามที่ว่าเข้าแผนนั้นหมายถึงอะไรทีมงานเซอร์มอนใกล้ถึงจุดวางตัวแล้วแต่ทีมงานของตอนนั้นยังไม่รู้อยู่บริเวณไหนของเป้าหมายบอกอกองพลทหารราบที่612อย่างพูดอีกว่าเข้าแผนเข้าแผนฟังเราก็งงกําลังจะถามแต่ไม่ทันได้ถามพอเห็นยกวิทยุขึ้นหน้าปากจึง ท, ทนฟังต่อไปอีกมอนตอนนี้มีอะไรไหมโปรติโอพี่ ตอนนี้ใครอยู่ใกล้มึงที่สุดไอวิทย์เขาพี่โอเคงั้นมึงสองคนแกะลอยย้อนเส้นทางนี้ขึ้นไปค้นหาทางแยกที่แก้วสองตัวนั้นแว บ, บหลบให้ได้เส้นทางนั้นนั่นแหละคือประตูสวรรค์ว่ะพูดแค่เนี้ยพอเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่เริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยเล่นกันตอนฝนตกหนักๆ น, น, นี่แหละถึงจะเ ต, ต็มไม้เต็มมือเสียงปสทคำรามแข่งกับเสียงของสายฝนดังแววมาจากทิศยอดเนินที่กองพันธ์ทหารลาวอยู่ นานๆครั้งจึงจะมีเสียง R ารพีจีกับเสียงอาก้าสอดแทรกมาบางสแสดงว่าสถานการณ์ลบด้านนั้นยังไม่คลี่คลายเวียดกงยังคงมุ่งมั่นต่อภารกิจอย่างเหนียวแน่นนักรบรับจ้างหลายคนอดเหลียวหน้าไปมองไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าในความมืดกลางดึกท่ามกลางสายฝนกับระยะไกลป่านนั้นไม่มีทางมองเห็นเป็น cross สัญชตตาตอย่างเสียงปืนเสียงอาวุธเหล่านั้นล้วนหมายถึงความตายทั้งสิ้นใจไม่กลัวแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างเดียวกันจะเกิดขึ้นกับตนหรือไม่และเมื่อไหร่ ขบวนเดินเริ่มขึ้นเมื่อไอ้พลนวิทย์ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่พลรัตเวนนำความเข้มข้นของสถานการณ์รอบตัวตั้งแต่เวทโกงสิบคนที่เพิ่งเสร็จไปเวทโกงอีกสองคนก็หายไปจ่า ย, ยุทธพงศ์พิสูจน์ทราขบขบวนช้างลำเลียงได้แล้วของพันท่านเรากำลังถูกโจมตีและนักลบหลักจางเตรียมผเด็จศึกขั้นสุดท้ายเข้าสลายกำลังกองบัญชาการกองพลทุกอย่างเป็นตัวเร่งให้ออกแรงสาวเท้าก้าวเดินเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจพันตรีโรเจอร์เดินตามประกบจ่าดาวเหนือชนิดก้าต่อก้า ถึงมีโอกาสสอบถามแผนการเพิ่มเติมน้องสตาคุณเตรียมแผนโจมตีบอกอมันยังไงยังไม่ได้เตรียมเลยเมเจอร์ถ้าเตรียมแล้วผมก็ต้องบอกเมเจอร์สิจริงมหมยัยงไม่ได้เตรียมดูคุณใจเย็นเหลือเกินนะตรงข้ามเลยเมเจอร์ผมนี่แหละตัวร้อนเลยทื่ว่ายังไม่ได้เตรียมก็เพราะเรายังพิสูจน์ทราบไม่ได้ต้องให้เห็นลักษณะเป้าหมายก่อนรูปแบบของการวางกําลังป้องกันต่า ง, งๆนาน า, นาเราถึงจะวางแผนถูกตอนนี้เราเริ่มเข้าเขตกองพลของมันแล้วนะใช่ครับ แล้วทันทีที่ยุทธพง์เริ่มเปิดฉากอ่ะเราอาจจะเริ่มได้เหมือนกันผมพูดว่าอาจจะนะครับแต่ถ้าได้เห็นเป้าหมายแล้วนั่นแหละถึงจะแน่นอนโอเคพันตรีโรเจอร์ยังนึกภาพเหตุการณ์ตามแผนของนักลอบรับจ้างไม่ออกแต่ก็ไม่อยากสูสีถามจึงปิดปากตัวเองไว้เราหันมาสนใจสภาพภูมิประเทศในกล้องเล็งแทนเห็นได้สองคนนำหน้าล้ำห่างไปสามร้อยเมตรหยุดยืนอยู่กับที่ท่าทางกำลังใช้ความคิดก่อนตัดสินใจพอดี ตอนที่33มามสายฝนยามดึกกระพือโหมหนักจนแทบลืมหูลืมตามไม่ึ้นสร้างความหนักใจให้แก่ทาหารเราบนยอดเนินเป็นที่สุดเวียดกงเริ่มเปิดฉากโจมตีหลังจากการแลนดิ้งของซีนุกลำสุดท้ายเสร็จไม่กี่นาทีโดยที่ทหารเรายังไม่มีการเตรียมตัวใดๆทังสิน้นการกระจายกําลังวางตัวรอบที่ตั้งเพื่อระวังป้องกัน ร, รอบตัวเองการแบ่งเขตการยิงเขตรับผิดชอบเขตประสานการยิงเขตรวมอํานาจการยิงแนวตั้งรับด้านนอกด้านไหน อาวุธประจำหน่วยจำพวกขอปออสอปืนกลยังเข้าที่ไม่ได้กับระเบิด TNT เครโโอเครื่องแจ้งสัญญาณเตือนภัยยังไม่ได้จัดวางระบบสื่อสารประจำทียังไม่ได้ประกอบติดตั้งทหารเรามีเพียงอาวุธประจำกายกาย M16 M79 M72 ใหญ่โตหน่อยที่พอนำพาไปได้ด้วยคนเพียงคนเดียวก็มี M60 กับปรลอสอห้สเจ็ดประทับบ่ายิงนอกนั้นเป็นระเบิดคว้างสังหาร M 26 M67 หรือ MK2 ถูกตวงแต่ยังไม่เคยคาดคิดมาก่อนตั้งตง้องรีบเพ่นเข้าหาแหล่งกำบังธรรมชาติเท่าที่ค้นหาได้พ่ายังไม่มีการสํารวจและทําการต่อต้านด้วยสัญชาตญาณโดยไม่ต้องรอคําสั่งหรือการสั่งการใดๆอาวุธทุกชนิดในมือยามนี้ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิน้นปืนอะไรก็ได้ขอให้มีเสียงมีอํานาจทําลายล้างศาสตร์ัดเข้าใส่ตําแหน่งกระกายไฟกันอุตลุดทั่วแนววางบนยอดหนึ่งเทียงคำนวณประมาณความกว้างไม่ถูกดูสับสนวุ่นวายเวทกงยิงมาตรงไหนเราเป็นต้องเพ่นหนีไปอีกทาง เขาไม่แน่ใจว่าจุดนี้ตรงนี้เป็นเป้าที่เปิดเผยแล้วหรือยังเหล่ากลุ่มใหญ่โฮซุคโฮซุม ห, หนีไปกองรวมกันไปกระจุกต้องแยกกระจายรลบซ้ายรลบขวาวุ่นวายจนไม่ดูเรื่องเวทกองราว80คนเหมือนโชคเข้าคางหรือจะเป็นเคราะหร้ายซ้ำสองก็สุดจะเดาเมื่อพลาดจากการไล่ล่าศัตรูอเมริกันกรีนแบลเลย์มาพบศัตรูคนใหม่อ่อนเชิงกว่าจึงหมกําลังเข้าโจมตีโดยยังคิดอยู่ว่าศัตรูอเมริกันชุดนั้นหนีขึ้นไปสมทบกับทหารลาวหน่วยนี้ เริ่มจากการโจมตีด้านเดียวทางฝั่งตะวันตกของยอดเนินโดยมีอาร์พจีประสานกับปรอสทำหน้าที่นำล่องเบิกช่องทางกดการเคลื่อนไหวทุกชนิดของฝ่ายเหลา่ายังรุนแรงต่อเนื่องและทั่วถึงพร้อมกับเปิดโอกาสเล่นกำลังส่วนปีกขยายออกโอบล้อมหมายเปิดศึกรอบด้านปรุงกำลังทาหารเหลา่าไม่ให้กระดิกตัวได้เมื่อโตงรู้ดีว่ากำลังฝ่ายตนนั้นน้อยกว่าฝ่ายเหล่าที่ตั้งรับเสียเปรียบในเชิงภูมิประเทศแหล่งกำบัง จึงยังไม่คิดตีหกักคั้นเด็ดขาดเอาเสียเดียวนี้แต่ใช้หลักการลบทวงเวลารอกำลังส่วนเสริมเดินทางมาถึงแล้วค่อยจัดกำลังเป็นระลอกเข้าโจมตีก่อนถึงเวลานั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำการตรวจสอบที่ตั้งอาวุธแนววางตัวของทหารลาวรอไวอาการ์ปืนเล็กยิงล่อแล้วหลบซิกแซกไปมาลาวย่ำใจซัดสวนด้วยปอ mm, ลอ57มลเมตรระทับบาหรือไม่ก็จะโดเ็ม 7.2 ให้หลันดักปลาไหล เวียดคงไม่แน่ใจตรวจสอบซ้าอีกครั้งเด้ว อ, อาก้าคนเดิมคราวนี้เราวส่วนได้ M อ็มหกสิ่งกระสุนสายยาว1นึ่รนัดรวดเดียวเกรียงเยียดคงพอใจส่งอารพีจีเบิ้ลสามลูกศรตอบสนองเล่นเอาทั้งเหลา่าทั้งเอ็มถึงการราววสารแนวลุกเวียดคงปักหลักนิ่งอยู่ในระยะเดิมแต่การสับเปลี่ยนกันยิงจากอาวุธจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างยังดูคล้ายว่าทั้งแนวมีการเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนตาแหน่งกําบังกันตลอดเวลา เราหลงกลคิดว่าเวียดก่งคอยลบอำนาจการยิงจากฝ่ายตนเมื่อคิดบุกตามแนวด้านนี้ไม่ได้จะต้องย้ายไปแนวด้านหนนหลงตะโกนสั่งบอกกันลง้งเด้งลงเล ง, ลงให้คอยระวังแล้วย้ายอาวุธประเภทปืนกลตามไปรอรับมือเอ็มเจ็กระสุนขนาดสี่มลเมตรชนวนกระทบแตกกระทบยอดไม้ศาสสเก็ตลงล่างรวมกับปลอสอที่ซัดตรงตรงตามจุดใกล้เขียงได้ผลรือล้มเหลวไม่สนใจแต่ต้องซัดออกไปก่อนเวียดก่งทําการยิงสวนมาหลายครั้ง เราพาทาเปิดเผยแหล่งวางตัวของตนโชบละกายฝ่ายปากลำกล้องหลาจึงถูกสอยด้วยอารพีจีที่มีการเล็งกระนีดกว่าซินทาไปแล้วลายแล้วลายเรากรนั้นเราก็หาได้สำนึกไม่ยังคงดำรงการยิงต้านแบบสุ่มเสียงเวียงแห้ต่อไปแม้แต่คนเจ็บคนตายก็ไม่สนใจปล่อยทิ้งให้ร้องโอดโอยอย่างนั้นเพราะยังหาช่วงต่อการยิงจริง ๆ, ๆไม่ได้คนอยู่ต้องทาการลบคอยต้านทางการบุก ข, ของเวสโกงอย่างเอาเป็นเอาตาย หลายคนกระทําการได้ผลแต่บางคนยิง เ, งเล่อยเปยเหมือนจงใจอาศัยเสียงปืนเป็นเพื่อนเหล่ายิ่งยิงก็ยิ่งเปิดเผยที่ตั้งจุดวางอาวุธแนววางตัวความหนาแน่นจํานวนคนมากน้อยเวียดกงเลยรู้หมดสิน้นแล้วจัดแบ่งกําลังบางส่วนให้ปักหลักหิ่งใช้มาตรการยิงล่อในขณะที่กําลังส่วนหนึ่งลุกเงียบขึ้นไปแผนการลุกของเวียดกงได้ผลยังคาดไม่ถึงเมื่อ RPG จอาการชุดแรกเริ่มเปิดฉากการยิงในระย80 100ะ 80-100 เมตรจากยอดเนินลงมา ส่งวิญญาณทาหารเราไปเยือนเมืองผีได้อีกหลายคนเราต้องดิ้นหล่นเฮือกใหญ่เมื่อตระหนักถึงภัยว่ามาใกล้ตัวแล้วกำลังส่วนข้างเคียงชาร์จเข้าหาเต็มประจันหน้าเวียดกงใช้กำลังคนที่มากกวเวียดกงถึงสามเท่า M 6กสิบสามกระบอกปกลสสองกระบอก M เ2็ดสิบอ M เจเก้า M 1 6หกระนำเข้าใส่แบบสามมคคซันโบใส่แนวไม่ยาวนักของเวงียดกง ทุกคนยิงอย่างบ้าเลือดด้วยปริมาณกระสุนที่ไม่มีอันเลนอวีตดกงต้องล่าถอยหลายชีวิตเวียดโกงสังเวยเป็นศพฉากการลุกลับของทั้งสองฝ่ายดำเนินไปนานโขผลวิทยุลาวใช้ PRC 25เปิดคลื่นความถี่ข่ายยุทธการเมื่อประจากว่าซีนุกเครื่องหนึ่งยังคงบินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเหนือหัวกระบาลตรงดิ่งส่งเสียงเลขนอสตาแซมสันซารูนแซลมอนมั่วไปหมด ทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้สัตว์นิตรวิทยุความถี่นั้นสามารถติดต่อกับหน่วยใดในพื้นที่การลบขนาดนี้ได้บ้างรู้เพียงอย่างเดียวว่ามีหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากกองกําลังนเวียงจันทร์เข้ามาปฏิบัติการแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยู่พิกัดไหนอีกนั่นแหละตัดสินใจเสี่ย ง, งเรียกเพราะไม่มีที่พึ่งกระทั่งถึงคราวฟุบบังเอิญหรือเป็นแผนของหน่วยเหนือเตรียมไว้ให้ก็ไม่ทราบบนสีนกเครื่องนั้นมีเครื่องช่วยถ่ายทอดแปลงสัญญาณคลืนวิทยุ PRC ยี่สิ ไปหาคลื่นความถี่ของไอคอมได้นั่นแหละจึงมีเสียงตอบจากซารูนหลังจากตรวจสอบรายงานสถานการณ์เรียบร้อยแล้วพันตรีคอลินจึงแนะนําแนวทางการปฏิบัติแก่กองพันลาวทําทการยิงตึงไว้อย่าเปิดเผยที่ตั้งโดยไม่จําเป็นทําการยิงตึงเข้าใจไหมยิงแต่น้อยทุกนัดต้องแน่ใจว่าได้ผลกระจายกำลังวางรอบฐานระวังการตีต่อแนวระหว่างนี้ให้เล่งดัดแปลงแหล่งกำลังขุดหลุมขุดล่องเลส เวทกงไม่มีคอไม่มีปืนใหญ่สนับสนุนไม่มีอาวุธวิถีโคง้งมีแต่อาวุธเลงตรงถ้าแหล่งกำบังด้านหน้าแข็งแรงดีสามารถต้านทานการบุก ข, ของเวยียดกองได้แน่ๆปักหลักตั้งรับเขาไว้อย่าถอยลงมาเปน็นนันขาดถอยเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นนั่นแหละปริมาณการยิงปานเม็ดฝนของฝ่ายราวจึงลดลงทหารลาวทำการยิงระมัดระวังมากขึ้นอาวุธหนักหลายอย่างจ้องแล้วต้องอีกจนแน่ใจจึงลั่นกระสุนกำลังส่วนหนึ่งเล่งดัดแปลงสนามเพลาะกับอีกส่วนหนึ่งเตรียมสร้างหลุมฐานยิงคอสำหรับป้องกัน ร, ระยะไกล เราลดความรุนแรงในการยิงลงเวียดกงก็พลอยลดลงด้วยเพราะหมายแนววางตัวไม่ได้ไม่มีจุดประกายฝ่ายปากลําก้องให้เป็นเครื่องสังเกตทั้งสองฝ่ายจึงประจันหน้ากันอยู่เฉยๆมีการยิงบ้างเพียงปลากปลายบางครั้งต่างฝ่ายต่างคุมเชิงซึ่งกันและกันพันตรีคอลินสอบถามสถานการณ์อีกครั้งทราบแล้วแนะนําแนวทางตั้งรับเพิ่มเติมให้อีกใช้คอทําการยิงกระสุนสองวิถีระวังการเสริมกําลัางฆ่าศึกใช้ระเบิดคว้างสังหารแทนปืนเพราะปิดรับที่ตั้งได้ดีกว่า ใช้เกลียวมวางดักหน้าป้องกันการชาร์จของข้าศึกและเพื่อให้ทหารราวกองพันนี้สามารถต้านทานการบุกของข้าศึกซึ่งเชื่อว่าต้องมีการเสริมกำลังเพื่อทำการลบขั้นแตกหักแน่พันตรีคอรลินตีแจ้งทุกคนให้ทราบปฏิบัติการโจมตีทางอากาศการใช้ปืนใหญ่ยิงสนับสนุนจะเริ่มเมื่อมีแสงสว่างเมื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำเร็จภารกิจแล้วจะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้การปฏิบัติของทหารราวก็คือทำการรบตรึงกำลังข้าศึกให้อยู่บริเวณตีนเนินนั้นให้ได้ ระวังการเน้นโจมตีเฉพาะจุดเพื่อทะลวงเขาทาการลบจากใจกล า, างเป้าหมายออกสู่ด้านนอกให้ได้ทหารลาวที่เคยขวัญเสียเริ่มกลับมาดีขึ้นเป็นลําดับแนวรุกของเวียดกงรอบตีนเนินชะ ง, งักไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์ฝ่าอุปสรรคเครื่องกิดขวางทางธรรมชาติและความได้เปรียบเชิงภูมิประเทศขึ้นหาทหารลาวได้ต้องปักหลักอยู่กับแหล่งกําบังเดิมแล้วคอยจับตาสังเกตความเคลื่อนไหวของฝ่ายลาวเมื่อมีการยิงน้อยลง สิ่งบอกเหตุต่างๆโดยเฉพาะตำแหน่งวางตัวจึงน้อยลงด้วยแต่ก็ใช่ว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมยุติการยิงเสียอย่างสิ้นเชิงยังคงมีการยิงต่อ ต, ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเวียดโกงยิงหนึ่งเล่ายิงตอบบ้างหนึ่งชุดเท่ากันเวียดโกงใช้อารพีจีเหลายใช้เอ็มเจสิบสองส่วนเลาวใช้ปรอสเวียดโกงก็ใช้ปลอสอด้วยเสนอหน้าเท่าเทียมกันดีต่างฝ่ายต่างอมมือทวงเวลารอกําลังส่วนเสริมซึ่งกันและกันท่ามกลางสายฝนที่ถล่มเทลงมาเลากับฟ้ารั่ว สถานาการด้านจายยุทธภงก็เริ่มใกล้จุดไคลแมกเข้าไปทุกขณะเมื่อน้ำป่าไหลทะลักจากพื้นดินสูงลงสู่พื้นดินต่ำกว่าบริเวณเส้นทางลาเลียงของขบวนช้างนักหลบหลับจ้างตรวจการด้วยกล้องบางคนเห็นว่าบริเวณฝั่งตัวนั้นมองออกแล้วก็เสี ย, ยยิ้มมาด้วยความพอใจกดทีไอคอนสองครั้งส่งสัญญาณเรียกฝรีถึงหัวนหน้าทีมโอเคว่ามันเลยยุตเข้าพิกัดวางตัวเรียบร้อยพี่ผมมาถึงกว่างขบวนเกือบครึ่งชั่วโมง ผมมีประเทศบนจุดวางตัวสูงกว่าบริเวณเป้าหมายป่าโปร่งร่างทึบบนต้นไม้ใหญ่ไม่มีไม้พุ่มมุมตรวจการดีมากระยะห่างจากผมถึงเป้าหมายเราสา0รอเมตรโอเคไหมพี่ว่าต่อไปเลยยุทธน้ำป่าไหลทะลักท่วมเส้นทางระดับน้ำสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งไหลแรงมากจากเหนือลงไปใต้ขบวนลำเลียงต้องหยุดลงเพราะความช้างควบคุมช้างลำบากส่วนระวังป้องกันขบวนก็ไม่คล่องตัวโอเคไหมพี่โอเคว่าต่อไปขบวนช้างแยกเป็นสาขบวน ขบวนจรวดนำหน้าขาบวนปืนร้อยสาอยู่กลางขาบวนขนอุปกรณ์อยู่ท้ายแต่ละขบวนห่างกันราวส2งรเมตรรูปแบบขบวนขนาหยุดเป็นไงแต่ละขบวนเข้ามาอยู่รวมกันชิดกันเรียงลําดับเป็นแถวอย่างเดิมช้างลากยังผูกติดอยู่กับของที่มันลากมาทุกตัวยืนนิ่งใช้งวงพ่นน้ําเล่นหน่วยคุ้มกันหนีบริเวณน้ําท่วมขึ้นไปรวมเป็นกระจุกตามบุนดอนข้างทางทําให้ระบบกระจายกําลังระวังป้องกันเสียสภาพความพร้อมในการใช้อาวุธไม่เหลือเลยพี่เพราะต้องคอยหลบฝน มีท่าทีหรือสิ่งบอกเหตุอะไรสักอย่างมาว่าขบวนช้างลําเลียงต้องหยุดพักอีกนานก็น่าจะนานแหละพี่อย่างน้อยก็ช่วงระหว่างฝนตกหรือไม่ก็ต้องรอระดับน้ําลดซะก่อนฝนตกหนักพื้นดินบนเส้นทางอ่อนไหมเป็นบางช่วงครับพี่เจอตรงไหนดินอ่อนล้อฐานยิงจะหลดล้อปืนร้อสิบจมลงเกือบครึ่งล้อจนติดเผาไอควานช้างต้องกระถุงช้างให้ออกแรงเพิ่มขึ้นไม่งั้นมีหวังตกลมโอเคถ้าลองแบบเนี้คงต้องรอระดับน้ําลดก่อนหนะ้า พิจารณาซิวา่าถ้าใช้การโจมตีทางอากาศป่าไม้บริเวณนั้นเป็นปัญหาลูปรสรษาอะไรไหมโจมตีทางอากาศหมายถึงการยิงด้วยดอการ์นเนอร์ยิงจรวดหรือทิ้งบอมเลรอพี่ว่ารายละเอียดมาทั้งหมดนั่นแหละถ้าดอการ์นเนอร์กับจรวดอากาศสู่พื้นคงไม่ไหวนักบินตรวจการไม่ได้แต่ถ้าใช้วิธีทิ้งบอมแบบปูพรมให้เต็มพื้นที่พอไหวครับโอเคคอยไม่มีอะไรที่ไม่เชื่อมือกันจากดาวเหนือรับทราบข้อแนะนําจากจ่ายุทธพงศ์แล้วสั่งให้คอยคําตอบส่วนตัวเองหันมาทางพันตรีโรเจอร์เพื่อปรึกษาเรื่องพเด็ศศึก งานนี้ต้องหนักหน่อยแล้วครับเมเจอร์หนักไงผมต้องการบอมเบอร์หสิเที่ยวสำหรับเป้าหมายขบวนนี้เฮ้ย hey, ทำไมมากจังไม่มากเลยเมเจอร์เพื่อดอปอร์ซของการทำลายผมต้องการถอดลากถอนโคนขบวนลำเลียงของเวียดนามเหนือทั้งขบวนนี้กับขบวนต่อๆไปทุกขบวนเรียกว่าเอาให้มันสูน์พนันเลยทีเดียวนั่นแหละทำได้ไงนอสตาผมยังมองไม่ออกเลยจริงๆ บอมเบอร์สิบเที่ยวบินต่อหนึ่งขบวนมีทั้งหมดสาขบวนก็รวมเป็นบอมเบอร์ ส, สิบเที่ยวบินสิบเที่ยวบินสำหรับทำลายเส้นทางด้านใต้ของเป้าหมายอีกสิบเที่ยวบินที่เหลือสำหรับเส้นทางด้านเหนือเราต้องทำลายทั้งอาวุธในขบวน ล, ลาเลียงแล้วก็ทำลายป่าแถบนั้นด้วยทำลายต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่เรียกว่าเปิดป่าให้มองเห็นหน้าดินกันเลยและ ต่อไปเมื่อเครื่องบินขึ้นรลตัวเวีทาอากาศจะได้ไม่มีปัญหาข้อยุ่งยากหรือแม้แต่แบกเล่ก็จะสามารถพูดได้ทันทีว่าขบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์นมันคืออะไรแน่ไม่ใช่มาพูดแบบอึมครึ ม, มไม่รู้เรื่องแล้วก็ชวนสงสยัยกระทั่งไม่กล้าตัดสินใจอย่างทุกวันเนี้ไม่เจอเห็นด้วยกับผมไม่เล่าจาดาวเหนือล่ายาวน้ำเสียงลีลาการพูดขายอยากระบายความอัดอั้นในใจซะมากกว่าพันตรีโลเจอร์ฟังแล้วคิดวาดภาพตามไปอย่างเข้าใจท่องแท้ตัดสินใจส่วนคําตอบทันทีโอเคผมเห็นด้วยเราเริ่มกันตอนนี้เลยใช่ม ถูกต้องเมเจอร์ทันทีที่ฝนหยุดตกหรือเมื่อพระอาทิตย์เริ่มแสงอย่างไหนมาก่อนก็ยึดถือวันนั้นใช้เครื่องแบบไหนดีให้ได้ทั้งนั้นแหละขอเป็นบอมเบอร์แล้วกันนักบินอเมริกันด้วยนาะอ๋อเว้ Big นตะ์บิ๊กบอมบอร์ B52 น่ะมันใหญ่โตเกินไปโอเคงั้นเราใช้ F4 จ้ากูโบน Air ์เบสก็แล้วกันเมเจอร์ Major สั่งสแตนบายไว้แต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอใช่สามารถออนแทรเกได้ภายในสิบนาทีอย่างที่นอสตาเคยพูดนั่นแหละตามใจเมเจอร์ก็แล้วกันอาวุธอะไรที่สร้างความพินาเให้กับค่าศึกได้อ โอเคงั้นผมจัดการเองตอนที่สามสิบสี่ระหว่างจาสิบเอกกับพันตรีมีความเห็นสอดคล้องกันเรากับเป็นคนคนเดียวกันเมื่อคนหนึ่งเสนออีกคนก็ต้องสนองโอเคทันทียังไม่มีเงื่อนไขหรือข้อขัดข้องให้หมองใจแม้แต่น้อย ดูอุดมการณ์ที่ฝังเกรดต่อคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือจนบางครั้งคิดว่าความรุนแรงระดับนี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำตัดสินใจเด็ดขาดตกลงมอบภลังจิตทำลายขบวนช้างดำเหลียงให้กับหน่วยบินสนับสนุนการโจมตีทางอากาศพันตรีโรเจอร์ใช้ไอคอมเครื่องเดิม ส่งคลื่นผ่านเครื่องช่วยถ่ายทอดบนยูเจ็ดแบ็เรถึงศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีฐานบินจังหวัดอุบลราชธานีในประเทศไทยกับรับหน้าที่ตรวจเช็คเป้าหมายจากแบ็กเรยกำลังเกาะติดอีกครั้งเพื่อความแน่นอนในขณะที่จ่าดาวเหนือซึ่งสั่งจ่า ย, ยุทธพง์ให้คอยมานานร่วม10บนาทีนั้นกดขีสองครั้งส่งสัญญาณเรียกฟรีเตรียมส่งข่าวโอเคพี่คาดสุดจะเหมือนเดิมดีละฟังให้ดีนะ ตกลงใช้ F fighting ทําการทิ้งบอมห้สิเที่ยวบินต่อเป้าหมายนี้นักบินอเมริกันทั้งหมดเพื่อประกันความแม่นยําแค่นี้มีปัญหาไหมมีพี่เรื่องชีวิตเปลาล่ะอ๋อนึกว่าจะไม่ถามเรื่องนี้ซะแล้วไม่แน่จริงนี่หว่ามึงโถพี่ขึ้นชื่อว่าระเบิดทิ้งจากเครื่องบินแล้วต่อให้นักบินแม่นยําแค่ไหน แ, แรงสั่นสะเทือนกับเสียงปานแผ่นดินถล่มนั่นนะ่ะถึงไม่โดนสะเก็รเดระเบิดก็มีเสียตายนะพี่เออดีโอเคหัดกลัวก็บ้างชีวิตจะได้ยาวยืนเอางี้ ใช้ไอค้อมสาเครื่องให้1เครื่องต่อหนึ่งขบวนช้างเปิดสัญญาณแจ้งพิกัดอัตโนมัติเราซ่อนขบนที่สูงป้องกันน้าท่วมบริเวณกึ่งกลางมวลเป้าหมายเราจะใช้ไอค้อมนั่นแหละเป็นเครื่องชี้เป้าแค่นี้พอเข้าใจไหมควรห่างเป้าหมายเท่าเท่าไหร่ดีพี่พ500เมตรป้องกันแ ร, รางอัดระเบิดทําเครื่องพังขอแนะนําว่าทุกๆงานควรห่างระยะเดียวกันนักบินจะได้สังเกตง่ายๆพอทําได้ไหมโอเคพี่แล้วหลังจากนั้นล่ะจะให้พวกผมเฝ้ารอตดผลงานก่อนหรือว่าตามไปสมทบกับพวกพี่เล่นเกมที่โน่น ไม่ต้องเฝ้างานนี้มันชัว์อยู่แล้วรีบขึ้นเหนือเตรียมสมทบกําลังถล่มบอกอกองพลหกร้อสิบสองดีกว่ารับรองมันแล้วก็อร่อยกว่าด้วยโอเคพื่พี่ถึงที่นั่นตอนไหนอ่ะเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ง่ายๆเหลือไอ้ข้อมีเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นสี่คนแบ่งกันใช้ให้ดีๆนะเว้ยทัลเลอรทะลล่าไม่มีวิทยุใช้แล้วก็หัวใครหัวมันรักษากันเอาเองนะเว้ยสร้างการเสร็จหันมาทางพันตรีโรเจอร์ซึ่งเสร็จจากการติดต่อวิทยุพอดีเช่นกันแจงรายละเอียดส่วนของตนจนไปที่เข้าใจจึงงสอออบบบถามเเเรื่แลยกัฟฟไติ แบ็กเลย์ว่าไงครับทุกอย่างโอเคสัญญาณภาพตรงตามคำรายงานของยุทธพงษ์ทุกประการแม้แต่คลืนสัญญาณแจ้งพิกัดอัตโนมัติของไอค้อมทุกเครื่องก็ไม่มีปัญหานอกจากเป้าหมายขบวนช้างนี้แล้วในบริเวณใกล้เคียงแบ็กเลย์ตรวจพบเป้าหมายอื่นบ้างไหมครับไม่พบเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีค่าศึกนะซึ่งถ้ามีก็น่าจะมีแค่หน่วยจรยุทธขนาดเล็กๆ เ, เ, เท่านั้นน่ะค่าดวฝนเทลงมาหนักๆอย่างเงี้ยคงไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรอกมั้งก็ 50-50 ครับเมเจอร์เพ่อไหน อย่างน้อยอผมเชื่อวีซกลุ่มใหญ่อาจเป็นหน่วยระดับกองพันเลยก็ได้น่าจะกําลังมุ่งหน้าเข้าเสริมหน่วยที่กําลังเกาะติดทหารลาวกองพันธุ์นั้นอยู่ยังไงล่ะครับเออจริงสินะผมลืมเช็คข่าวนี้เสียสนิทเลยถามขึ้นไปใหม่ดีไหมไม่ต้องหรอกมิเจอร์ไม่จําเป็นถึงยังไงยังไงแบ็กเล่ ก, ก็ตรวจไม่พบหรอกเพราะไม่มีสื่อสัญ ญ, ญาณอะไรเลยโดยเฉพาะคลื่นความร้อนอืมใช่ฝนตกหนักอย่างเงี้ยวีซีคงไม่กาะกองไฟหรอกเอาไงดีนอะสตารเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ มิเชลล์คอนลินรับปากหานลาวเวล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเมื่อเริ่มแสงสว่างจะมีฐานลาวหนึ่กองพันไปเสริมพร้อมกับการสนับสนุนทางอากาศอ่ะใช่ใช่ใ ช, ใช่โอเคถ้างั้นให้มิเชลล์คอนลินขาสั่งการเองก็แล้วกันเรามาว่าเรื่องทางนี้ต่อเลยดีกว่าไม่มีปัญหาครับเมื่อยุทธพงวางไอคอมระยะพันห้ารเมตรได้แล้วเราคงต้องรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ฝนจึงจะหยุดหรือจะเริ่มแสงสว่างก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยสั่ง F อฟไฟติงโอเคไอซีรอที่นี่นะไม่ใช่ครับที่บอกอกองพลหกร้อยสิบสอตาหั นักลบลับจ้างโหดลับ เ, เบาๆในลําคอใช้สันมือปาดเม็ดฝนบนใบหน้าแล้วยืดตัวขึ้นยืนเต็มร่างด้วยท่าทางที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจเพียงสายตาเปล่าฝ่าความมืดสู่ทางทิศ ท, ที่ลูกน้องสองคนล่วงหน้านําไปก่อนจําได้ว่าเห็นครั้งสุดท้ายก่อนหยุดเวลาไปสั่งการจ่ายยุทธภพนั้นไอ้มนมีท่าทางสงสัยสงสัยระหว่างทางสามแคร่งควรเลือกแคร่งไหนดีระบัดหนี้ไอ้มนก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วหันมาใช้ฝ่ามือตบเบาๆบนไหล่พันตรีโรเจอร์แล้วชวนออกเดินทาง เมเจ้าสักรีพยักษ์ร้ายอย่างเรามันต้องกินเนื้อแมกวางไม่ใช่ลูกกวางโตกระจ้อย้อยระดับเวียดกงปายแถวแบบนี้คุณหมายถึงตัวผอบอกองพล612ใช่ไหมก็ทํานองนั้นแหละเมเจอร์ Major. คุณแน่ใจได้ไงว่าเราเหรือมนจะค้นพบเส้นทางแล้วแน่นอนสิเมเจอร์ Major. ลูกน้องผมนะผมรู้จักพวกมันดีถ้ามีทีท่าเลิกเลิกแบบนั้นแล้วก็แปลว่ามันเจอเส้นทางแล้วไม่เชื่อไปพิสูจน์อย่างนี้เลยก็ได้พันตรีโรเจอร์นั้นเชื่อจ่าดาวเหนือแต่ชักจะไม่เชื่อตัวเอง เราเพิ่งประจักษ์อีกอย่างหนึ่งว่าคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของทหารไทยคนนี้คือรู้จักลูกน้องทุกคนเป็นอย่างดีรู้แม้กระทั่งอากับกิริยาอย่างไรใครกำลังคิดอะไรจนสามารถยืนยันได้ด้วยคำพูดที่แน่นอนเด็ดขาดหากเป็นตัวเองบ้างเท่าที่สังเกตลูกน้องมาพยายามคาดเดา ว, ว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยมีความมั่นใจเลยว่าการดูของตนนั้นถูกต้องจนไม่เชื่อแม้แต่ตัวเองจ่าดาวเหนือพูดจบแล้วออกเดินนําไปเลย ทันตรีโรเจอร์เหลียวมองทางด้านหลังสํารวจลูกทีมนักรบรับจ้างสองคนที่ทําหน้าที่ราตระเวนหลังกระปิดสองคางข้างละสองคนเห็นเรียบร้อยดีทุกคนเริ่มออกเดินโดยไม่ต้องรอคําสั่งทั้งนี้เพราะเห็นการปฏิบัติของหัวหน้าทีมจากกล้องเลงของตนบนเส้นทางที่ผ่านการสํารวจไว้แล้วทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยใช้เวลาไม่นานก็ถึงสามแยกเลิกลักตามฉายาของไอ้มนหัวหน้าทีมนําเดี่ยวออกทางขวาของทางแยกตามรอยมันไปอย่างไม่ลังเลกระทั่งพบกับไอ้คนเจ้าปัญหา กำลังนั่งคุกเข่าต่ำแอบกำบังข้างโคนไม้ใหญ่ใช้กล้องเล็งส่องสำรวจพื้นที่ด้านหน้าอย่างสนใจรู้โดยสัญชตาตญาณบวกประสบการณ์ทันทีว่าข้างหน้าณจุดใดจุดหนึ่งมีเวียดกงวางตัวอยู่มันจําเป็นต้องส่องกล้องสำรวจเชื่อมือลูกน้องอยู่แล้วจึงตั้งคําถามได้เลยกี่คนวะสี่คนครับพี่หน่วยระวังป้องกัน ร, รอบฐานนั่งเงียบหลบฝนอยู่ใต้โคนต้นไม้ในมือมีแต่อาก้า ก, ากับระเบิดห้อยเอวอยู่ระยะห่างเท่าไหร่แค่ร้อเมตรเท่านั้นล่ะพี่แถวแถวนี้มีหน่วยระวังป้องกันกี่ชุด สุดระยะกล้องเล็งนะเห็นแค่หน่วยเดียวนะพี่ไอ้ฮาฝนตกหนักอย่างนี้กล้องเล็งละระยะลงเยอะเลยเห็นแค่ไม่ถึง300รอเมตรละมั้งกว่าครับพี่บางครั้งก็ไปได้เต็มขีดห้าร้อเมตรเลยนะเอาไงดีต่อไปพี่จ่าดาวเหนือยกปืนขึ้นประทับเล็งผ่านกล้องเล็งสำรวจแนววางตัวของเวทโกงแล้วสายซ้ายขวาสองสมรอบไม่ใช่ค้นหาเวทโกงกลุ่มต่อไปพอเชื่อว่าไอ้มนไม่พลาดแต่เป็นการค้นหาช่องทางเพื่อลงมือกระทาการบางอย่างต่างหากไอ้มนอยู่ ข, ข้างๆช่วยส่องสำรวจอีกแรงแต่เป็นการค้นหาเวทโกง แล้วหัวหน้าทีมก็หันมาสั่งการเก็บเงียบเรียกไอ้เชษไอ้พลไอ้น้ขึ้นมาสิมึงกับไอเชษออกซ้ายไอ้สอคนนั่นออกขวาทำไงก็ได้มันตายไม่ห่วงเสียงร้องนุย้ยแต่ห่วงเสียงปืนไปได้แล้วลูกน้องไม่สงสัยแม้แต่น้อยทําไมต้องใช้วิธีการนี้หลายครั้งในภารกิจที่นักรบลับจ้างต้องใช้กําลังเข้าประชิดทําการสังหารฆ่าสึกแบบเก็บเงียบดังนั้นครั้งนี้จึงไม่ใช่ของแปลกใหม่แต่อย่างใดในทางกลับกันมือสังหารทั้งสี่รู้สึกพอใจออกจะชอบเกมเสียเส่ยงแบบนี้ออกมากๆเสีย ด, ด้วยซ้ํา ท่ามกลางสายฝนที่กระนำหนักจนคนเดินป่าไม่อยากกระดิกตัวเคลื่อนย้ายไปทางไหนแม้ตระหนักดีถึงสถานการณ์ยานี้ต่างฝ่ายต่างต้องระวดระวังให้จงหนักนั้นเวื้อกงสี่ขนกับปักหลักจมปลักหลบฝนเฉยไม่มีวี่แววและแคละขายสักนิดว่าภัยมหันต์กำลังคืบคานเข้ามาสายน้ำป่าไหลดังอู้อูแววมาแต่ไกล ของฝาคำรามเสียงคลื่นๆสลับฟ้าแบบลบแตบกราบมาแต่ไกลเป็นครั้งคราวเชวยกลบเกลื่อนเสียงย่ำเท้ากับชุดส่องทางเป็นอย่างดีมองเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มของเวียดกองหลา ง, ลางนักรบรับจ้างทั้งสี่ไม่กังวลอะไรมากนักใช้กล้องเล็งบนสันปืนส่องจ้องหน้าเรียงลําดับทีละคนก่อนอันดับแรกเราวาดลงสำรวจความเรียบของผิวทางเดินยกขึ้นจับเป้าใหม่ครั้งคราวนี้เริ่มสาวเท้าย่างสามขุมเข้าหา พรมพร้อมกับจัดกระกะบาดรักษาภาพการเล็งหมายหัวกระบาลเป้าหมายตลอดเวลาเหนียวชี้อยู่ในโครงไก่พร้อมเสมอสำหรับการสร่งกระสุนเด็ดชีบเวทกองก่อนหากมันรู้ตัวหรือเอะอะวอยวายขึ้นแนวเคลื่อนที่ระยะเกือบหนึ่งรอเมตรผ่านไปได้กว่าครึ่งมือสังหารวกออกคางเตรียมเข้าด้านหลังตามเส้นทางเลาะพุ่มไม้ย้อนกลับลงมาจนได้เหลือระยะห่างช่วงสุดท้ายไม่ถึง3าก้าวเก็บเอ็มสอสาะพายเฉียงพาดหน้าอกแล้วดึงโบวีมีสังหารขึ้นมาถือแทนเลิกใช้กล้องเล็ง หันมาสายแสงฟ้าแลบช่วยส่องทางเท้าย่างต่ออย่างนุ่มนวลไม่มีเสียงเหยียบย่ำบนยอดหญ้ากิ่งไม้แห้งแม้แต่น้อยมือสังหารเดินเลี้ยงนากระดานตรงดิ่งเข้าหาเวดกงจนเข้ามายืนอยู่คนเราฝั่งต้นไมย้ยังไม่มีอาการท่าทีว่ามันรู้ตัวสายฟ้าแลบแปลบยาวอีกครั้งตัดสินใจเบี่ยงกายออกข้างเตรียมประจันหน้าเยอือเคราะไรอีกก้าวสั้นๆเพียงเก้าเดี่ยวเวียดกงเงยหน้าขึ้นตกใจสุดขีดยิ่งกว่าถูกผีลหลอกมือหนึ่งเอื้อมสัมผัสอาก้าบนตัก ลำตัวขยับจะลุกขึ้นแต่ทุกอย่างช้าและสายเกินไปเสร็แล้วเสียงโบวี้ช้าแรกเนื้อคนเสียงดังพิลึกเกือบพร้อมกันสี่เสียงไอ้มนส่งใบมีดเขาใส่แผงอกใต้ราวนมข้างซ้ายช้าแรกแหวกกระดูกซี่โครงต้องหัวใจพอดีเบียดกงแหกปากร้องลันด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิตทะลึ่งตัวพลวดขึ้นมือสังหารขยับใบมีดซ้ายขวาสองกึกหัวใจขั่วนั้นพนลันหลุดจากแหล่งพร้อมกับบิน ญ, ญ, ญาณลอยจากไปเช่นกัน ให้พลใช้ความชำนาญในการตวัดข้อมือเหยงใบมีดจากซ้ายไปขวาโบวิคมกลิบเฉือนผ่านกระเดือ่อและญ้าลึกราวสองถึงสามนิ้วฟุตกระดูกอ่อนต้นหนันงเ ป, ง ป, ปล่าหรือจะทานไหวมือสังหารกระทำการอย่างไม่ชางักงานเราต้องกระทบกระดูกลำคอเมื่อหลอดคอขาดสะบ้านลงในพิษตา สุดปัญญาที่เวกงจะเป่งเสียงรอดออกมาได้แม่พยายามตะเบงจนสุดแรงเกิดแล้วก็ตามไม่มีการปฏิบัติการซ้สองครั้งเดียวเรียบร้อยถึงไม่ตายอย่างทันทีทันใดแต่ก็เชื่อว่าในหนึ่งนาทีข้างหน้าต่อไปนี้มันต้องไปเมืองผีแน่ไอ้นพในท่ายืนเข้าประชิดติดตัวเยื่อสังหารซึ่งอยู่ในท่านางที่กําลังตกตะลึงโบวีในมือชูหลาขึ้นเหนือหัวสุดแขนจวงตรง ต, งตงปักลงกลางกระหม่อมด้วยกําลังแรงสุด เสียงใบมีดชำแรละกะโหลกหัวดังปึกและตามด้วยเสียงร้องของเวียดโกงร่างทั้งล่างสะดุ้งเหือกแต่ไม่มีปัญญากระทำการสิ่งใดเพราะสมองหยุดสั่งการชับครันร่างนั้นค่อยๆงโนนเงินล้มลงกระแทกผืนขาดใจตายในเสี้ยววินาทีส่วนไอ้นบเล่นบทยาว ใช้เท้าข้างขวาสวมคอมแบตเบอร์แปดเย็ยบลงบนใบหน้าแล้วส่งแรงกระแทกจนเหยื่อสังหารไงหลังนอนพังภาพหมดปัญญาช่วยตัวเองโบวี่วัยปานมาแมลงกระพือปีกปักเข้าท้องน้อยอันดับแรกเหมียดกงทําเสียงอึกอักอึกอักเพราะถูกรองเท้าอุดปากไว้พลิปตาต่อมาโบวีเล่มเดิมย้ายจากท้องน้อยขึ้นมาท้องใหญ่อีกหนึ่งคลิปตาปักเขา้าชายโครงด้านขวาย้ายไปด้านซ้ายแทมต้นคอตรงต่อกับแผงอกทั้งซีนห้าแผลห้าลูกมิดใบมีดทุกครั้งใช้วเวลาไม่ถึงสามวินาที ความเจ็บปวดหนุ่นเนื่องเขาสูกระดองใจติดต่อกันถึงห้าครั้งสอนใครในโลกคงทนไม่ไหวเวียดโกงขอตายดีกว่าจาดาเหนือปล่อยหน้าที่พันตรีโรเจอร์ใช้กองสํารวจความสําเร็จของผลงานตามลําพังด้วยความมั่นใจว่าสามารถแก้เกมได้หากเกิดการพลาดทันทีที่เสียงแหกปากร้องของเวียดโกงดังขึ้นจัด ก, การกดขีสามครั้งส่งสั ญ, ญญาณฟรีทันทีและท่ามกลางเสียงร้องต่อตอมาพันตรีคอร์ินก็ตอบวิทยุโอเคนอสตารองข่าได้เลยตอนนี้ซารุนอยู่พิจัดไหน ผมตัวจสอบจากแบล็กเลยแล้วผมอยู่ทางก้านนาฬิกาของคุณระยะเจ0ดร้อเมตรพอดีโอเคดีมากงั้นในครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราคงมีงานใหญ่เตรียมตัวนะแน่นอนนอสตาผมพร้อมอยู่แล้วทางคุณนะ่ะกำลังเล่นอะไรอยู่เก็บเงียบ v ีซีนะสิตอนนี้ทางเปิดแล้ววีซีกองผนฐานราบที่ห1ร้อสิบสองเวลข้ามพวกเราแล้วเวลนอสตาตอนที่สามสิบห้าแช่น้าฝนมานานกว่าครึ่งคืน เบียกโชคทั้งกางเกงในและถุงเทา้าแต่พันตรีคอรินกับมีอาการร้อนเหมือนล่นลงไปในเตาผิงที่ไฟกำลังลุกโชนศักดิ์ศรีของนักรบอเมริกันถูกดับบูบลงจนหมดลมัศมีเมื่อนักรบรับจ้างจากกองทับกไทยสแสดงความเป็นคนจริงที่เหนือชั้นกว่าแสงหน้าทำการสังหารเวียดกงในทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงคิดไปแล้วตนเองและจ่าแซมก็ไม่น่าจะน้อยนาเพราะมาถึงก่อนและตรวจพบเวียดกงได้ก่อน แต่ยังไม่ทันได้ลงมือสังหารเพียงแค่ประกบรอเวลาไว้เฉยๆบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเร่งรีบกอบกู้ศักดิ์ศรีนั้นกลับคืนมาจึงตัดสินใจทันทีโดยไม่คิดส่งข่าวรายงานให้ทีมงานทราบเรียกลูกน้องอีกสองคนขึ้นมาสมทบเพื่อช่วยรับงานพวกเราสี่คนแบ่ง VC ซีกันคนละคนนะเรียงลําดับซ้ายขวามือสังหารกรีนแบลเลยทั้ง4ี่วาดกากบาดก้องเล็งสํารวจตําแหน่งวางตัวของเวียดกงไล่เรียงลําดับซ้ายขวาตรวจสอบแน่นอนแล้วว่าของต้นคือคนไหน ใสกหน้าผากเท่านั้นนะพักพวกนัดเดียวต้องจอดแล้วก็ต้องไม่ให้มีโอกาสแหกปากร้องด้วยเลงดีๆให้แนนอนเด็ดขาดร้องค่อยๆได้ไหมครับเมเจอร์ Major? ได้แต่อย่าให้ดังกว่าเสียงฝนตกก็แล้วกันนะเว้ยงั้นก็ต้องเอาโซนคอมแบทไปอุดปากมันไว้สิครับลูกน้องคนข้างๆกลายเป็นคนที่สงสัยขึ้นมาอย่างไม่น่าจะเป็นแกลงถามเล่นๆทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่างานประเภทนี้สากล น, นิยมเขาปฏิบัติกันอย่างไรบ้างพันตรีคอรลินขยับกระบอกตาจากกล้องเลงหันมาค้อนให้แล้วด่าแทนคําตอบ ปากมากนะเนี่ยมึงพูดเก่งแล้วลบเก่งด้วยหรืึเปล่าวะอยู่แล้วครับสบายมากไม่ต้องห่วงเอาหรือยังเลเมเจอร์พันตรีคอรลินสบดพื้พนพำในลําคอแล้วรีบหันกลับไปทําการเลงต่อใช้เวลาไม่ถึงอึดใจทุกอย่างพร้อมดังเดิมเราใช้เสียงสั่งการเบาๆพอได้ยินทั้งสี่คนระวังไฟเสียงลมเป่าปากลํากล้องดังขึ้นพร้อมกันจนเป็นเสียงเดียวผลการยิงเป็นไปตามแผนทุกประการไม่มีเสียงร้องแม้แต่แอะเดียว มือสังหารสำรวจความเสียหายของค่าศึกจากกล้องเล่งภาพที่เห็นเป็นพื้นเงาสีดํามีรูปร่างเหมือนตัวคนทุกประการมองไม่ออกว่ากระสุนเจาะเขาตรงไหนแต่จากอาการเหงื่อหน้าสะบัดหัวไปทางด้านหลังนั้นก็พออนุมานได้ว่าส่วนหัวของมันถูกแรงประทะอย่างแรงการไม่ส่งเสียงร้องก็เพราะสมองหยุดสั่งงานอย่างฉับพลันร่างของคนขนาดนั่งค่อยๆงวนไปทางข้างหลังแล้วแผ่พังภาพราบแนบกับพื้นดินไม่ไหวติง่งใดๆอีก สัตว์นรกเอ้ยตายตั้งแต่หลังยังไม่แตะพื้นเลยนะมึงน้อยชิบหายแล้วว่าไม่พอมือกูเลยลูกน้องสองคนที่ถูกเรียกมาสมทบบนกระปอดกระแปะตามประสาด้วยความสะใจลถปืนลงจากท่าประทับเล็งขึ้นจูบอย่างสเสน่หาทําเสียงจุก ป, ปากเบาๆในความรู้สึกนั้นชื่นชมกับคุณสมบัติอันวิเศษของมันเป็นล้นพลต่อเลยไหมเมเจอร์ Major? ลูกน้องถามขึ้นคราวนี้พันตรีคอรลินต้องคิดหนักทบทวนประสบการณ์ตัวเองอย่างรวดเร็ว ไรืองไอเดียนี้น่าสนใจนี่ว่าอันที่จริงฐาน V ีซไม่ว่าที่ไหนที่ไหนคงไม่ใช่มีหน่วยระวังป้องกันฐานแค่สองหน่วยนี้หรอกใช่เหรอครับเมเจอร์มันต้องจัดวางจุดรอบวงล้อมฐานไว้ทั้งหมดตอนเนี้ยเรารู้แล้วมีสองฐานห่างกันเจ็ดร้อยเมตรผมว่าระหว่างช่วงเนี้ไปทางขวาหาเมเจอร์โรเจอร์ต้องมีอีกหนึ่งชุดแล้วออกทางซ้ายไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันต้องมีแน่มึงพูดถูกไรเด็กน้อยนี่แหละที่เขาเรียกว่าประสบการณ์จำเอาไว้พันตรีคอรลินเห็นด้วยกับแนวคิดของลูกน้อง ผู้สั่งสอนบทเรียนแบบประชดประชดแล้วกดคีย์ฟรีบนไอคอกซสาครั้งเรียกพันตรีโรเจอร์หรือจ่าดาวเหนือโอเคสรุนส่งข่าวได้เลยคราวนี้เสียงพันตรีโรเจอร์มาแทนเสียงจ่าดาวเหนือจึงชักเริ่มสงสัยว่าหัวหน้าทีมนักลบหลับจ้างน่าจะมีภารกิจอื่นใดบางอย่างแน่ผมสังหารวีซีชุดวางป้องกันฐานแบบเดียวกับหมคุณเรียบร้อยไปแล้วสี่คนแล้วไงต่อคาดว่ากองพลฐาน ร, ราบที่6กรเนี่ยคงวางกําลังหน่วยจรยุทธ์ระวังป้องกันที่ตั้งไว้รอบฐาน เราน่าจะค้นหาต่อไปอีกนะแล้วตัวเวนเก็บจนครบทุกชุดแล้วค่อยหาโอกาสทะลวงเข้าใจกลางฐานแ้วคุณว่าไงแน่นอนเม่ใช่คอรินคุณคิดแล้วก็คาดการถูกต้องตอนนี้นอสตากับลูกน้องเขาสามคนกำลังมุกไปทางซ้ายคือเขาเข้าไปหาคุณนั่นแหละ เราเชื่อว่าช่วงห่างเจ็ด้อยเมตรเนี่ยต้องมี VC หน่วยกับระยุทตอย่างน้อยหนึ่งหน่ว ย, ยฝังตัวอยู่หลังจากพิสูจน์ทราบการวางกําลังของหน่วยนี้ได้เราคงสามารถกําหนดแนวหรือระยะเคียงระหว่างหน่วยต่อหน่วยได้นั่นแหละคือแผนการลุกทะลวงเข้าข้างในถึงจะกําหนดได้ครั้งโอเคไหมโอเคอีกครั้งหนึ่งที่อเมริกานต้องช้ากว่านักรบไทยพันตรีคอรนตอบตกลงรับทราบเสียงอ่อยๆเข้าใจดีทุกอย่างว่าสถานการณ์หรือการปฏิบัติลำดับต่อไปสําหรับตนนั้นมีอะไรบางไม่พูดไม่จ่าวางข้างเงียบขรึมจนลูกน้องสงสัย พยายามจ้องหน้าผ่านความมืดและสายฝนเพื่อมองให้เห็นว่าขนาดหนี้พันตรีคอรินกำลังกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจอะไรหรือเปล่าเตรียมจะตั้งคำถามพอดีเสียงวิทยุสแตนบายดังขึ้นเสียก่อนจำได้ชัดเจนว่า น, นั่นคือเสียงของนอสตาเฟอร์เจนแซมสันซ า, ารูนพวกเราทุกคนได้นะหน่วยจะระยุทตจุดนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคาดการล์ลวงหน้าได้เลยว่าทุกๆระยะ300้อยถึงสี่อเมตรจะมีหน่วยระวังป้องกันฐานตั้งอยู่โอเคนอสตาคุณกำหนดแผนการออกมาเลยโอเคแซมสัน แซมซันพากำลังออกขวาซารูนออกซ้ายพบหนวยจะระยุ ต, ตรงไหนจัด ก, การสังหารได้เลยเรียบร้อยระ ว, วางคนของเราไว้สี่คนที่เหลือออกและตะเวนต่อพบอีกก็สังหารอีกระ ว, วางคนอีกวางจนกว่าแนวทั้งหมดของพวกเราจะเป็นครึ่งวงกลมล้อมบอกอไว้โอเคไหมเราจะตรวจยังไงว่เาเป็นครึ่งวงกลมแล้วหรือยัง ข้อนี้ไม่มีปัญหาผมจะบุกเข้าไปพิสูจน์ทราบองว่าเซนเตอร์ของบอกอกองพลนี่มันอยู่พิกัดไหนเมื่อรู้เซนเตอร์แล้วเราจะจ้งให้แัลกเล่ช่วยตรวจสอบเกลียบเพียบระหว่างพิกัดเป้าหมายกับพิกัดวางตัวของพวกเราทุกคนทุกชุดโอเคไหมโอเคไอซีงั้นเริ่มกันเลยทุกคนในทีมงานทั้งอเมริกันและไทยเข้าใจแผนการลุกลบครั้งนี้จากวิทยุประจำตัวที่สแตนบายเชื่อว่าแม้แต่ทีมงานสี่คนของจ่ายลุทพงศ์ก็สามารถรู้ได้ด้วยวันนี้ทีมนักรบรั บ, บจ้างสั่งการเสร็จ ก็เริ่มเคลื่อนตัวทันทีด้วยการจับเส้นทางสายเดิมที่เอ็มมนตรวจพบทั้ง4เดินเรียงตามกันเป็นแถวตอนทิ้งระยะต่อซึ่งกันและกันไม่มากนักช่วงระยะ100เมตรแรกก่อนถึงโคง้งไม่จําเป็นต้องอาศัยกล้องกลางคืนเพราะสำรวจไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมสังหารเงียบกอบกับมีสายฟ้าแลบแรงบ้างค่อยบางสาดแสงลอดกิ่งไม้หนาทึบลงสู่พื้นช่วยในการมองเห็นได้ถึงโค้งแรกใช้กล้องส่องสำรวจอีกครั้ง ทั้งตามคนไม้เนินดอนพุ่มก่อที่อาจจะเป็นแหล่งอาศัยโรคฝนเห็นปลอดโปร่งดีจึงลุกต่อพร้อมกําลังคิดว่าถ้าตัวเองเป็นเวทกงตัวเองควรวางจุดระวังป้องกันที่ตั้งระยะไกลไว้ตรงไหนบ้างคิดเองสรุปเองตัดสินใจเองแล้วสายเท้าเร่งความเร็วออกไปโดยไม่ต้องเหลียวมามองหรือสั่งบอกลูกน้องทั้งสามที่ตามหลังแม้ต้องทําความเร็วนักรบอาชีพก็หาได้ทําให้เกิดเสียงดังกว่าปกติไม่ทุกฝีเท้ายังเงียบกลิบ เบาแน่นอนและไร้ร่องรอยเหมือนอย่างเดิมถึงทางโค้งซึ่งคาดไว้ก่อนแล้วว่าต้องเป็นโค้งสุดท้ายจากดาวเหนือย่อตัวลงตำ่ำแนบกายเบียดเข้ากับโคนไม้ใหญ่ข้างเส้นทางส่องกล้องสำรวจพื้นที่ด้านหน้าด้วยความสนใจเสียงลูกน้องย่ำเท้าลงบนพื้นหญ้าเฉยแฉะมาทางด้านหลังเราแยกออกซ้ายขวาวางตัวเป็นรูปหน้ากระดานเราใช้กล้องส่องสำรวจทันทีทั้ทงด้านนาด้านคางและด้านหลังที่เพิ่งผ่านมา เสียงสัญญาณเรียกฟรีดังขึ้น3าครั้งจนต้องหยุดการสำรวจด้วยตัวเองปล่อยหน้าที่ให้กับลูกน้องแล้วหันมารับวิทยุโอเคซาลูนซมมอนสังหารหน่วยจรวดระวังป้องกันฐานได้อีกหนึ่งชุด4คนส่วนหนึ่งยึดแนวนี้เวลาส่วนหนึ่งค้นหาต่อ ต, อตามแผนขอทราบการปฏิบัติชุดที่ยึดได้แล้วปักหลักคอยระวังวีซีหน่วยอื่นจะเดินทางผ่านชุดค้นหาต่อให้ค้นหาอีกค้นหาให้ได้สักหนึ่งแนวโอเคไหมโอเคโนสตาแซนไบแซมซันเป็นไงบ้าง กำลังวัดรอยเท้าซารูนข้างหน้า250เมตรเราพบหน่วยจรรยุ์แล้วอีกนาทีรู้เรื่องโอเคสแตนบายจ่าดาวเหนือรับรายงานจากพันตรีคอร์ลินแล้วสอบถามสถานการณ์ด้านของพันตรีโรเจอร์ต่อหลับทราบแล้วหันมาทางลูกน้องขณะที่กําลังส่งกล้องสํารวจบริเวณที่สงสัยใช่ไหมว่ามลหมายถึงที่ตั้งบอกอกองพลฐานลาดที่612ไอ้มนไม่ต้องรอให้ซ้ําคําถามกระบอกตายยังแนบติด ก, กองแล้วตอบร้อเซครับพี่ เห็นเพิงหมางเงนขนาดใหญ่สาเพิงล้อมรอบด้วยเพิงขนาดเล็กเจ็ดแปดเพิงเวทโกงเดินไปมาสี่ห้าคนนอกนั้นหลบนั่งตามโคนไม้กับในเพิงกันฝนอาวุธเห็นหลุมปืนกลกับปรสอย่างละสองหลุมพี่มีผ้าพลาสติกปิดกันฝนเอาไว้สายกาวิทยุไม่มีพี่ไม่เห็นนะเส้นทางเข้าออกรอบตัวเลยพี่ป่าโปร่งร่างคลุบบนพุ่มไม้นิดหน่อยส่วนใหญ่ราบโล่งพื้นดินไม่มีน้ําขังมองเห็นขอบฐานด้านหลังฝั่งโน้นไหมวะไม่เห็นรกพี่ เลยไปกะขนาดของฐานไม่ถูกหรออ้อมไปดูไหมไม่ต้องคอยประกบไว้นะตรวจสอบพิก่ายกับแบ็กเล่ก่อนจา่าดาวเหนือเกิดอาการรังเลขึ้นมาอย่างกระทันหันนึกไม่ออกว่าทําไมหน่วยทหารเวียดนามเหนือระดับกองบัญชาการกองพลถึงกล้าตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีหน่วยระดับกองพันธุหรือมีกําลังทหารอื่นสมทบรวมอยู่ด้วยดึงไอคอมขึ้นมาจากซอกอ ก, อกแล้วเปลี่ยนความถี่ไปแบรนบีเรียกหน่วยบิน U7 แบ็กเล่จากนอสตาโอเคจากแบ็กเล่ชัดเจนดีส่งข่าวได้ สัญญาณแจ้งพิจารณโนมิกระพิบ3าครั้งนี่คือที่ตั้งของผมคุณตรวจได้ไหมโอเคพบแล้วตอนนี้ผมพบทั้งหมด6จุดวางเรียงกันเป็นโคง้งครึ่งวงกลมแต่มีจุดเดียวที่กระพิบอยู่ตรงกลางของทั้งหจุดกับอีกหนึ่งจุดอยู่เดียวห่างไปทางใต้เราสองกิโลเมตรโอเคหกจุดนี้เป็นของพวกผมกับทีมงานทั้งหมดส่วนจุดเดียวทางใต้เป็นของยุทธพงศ์กำลังมุฟเข้ามาสมทบแล้ว3จุดที่กระบวนเป้าหมายละ่ะคุณตรวจพบไหม พบแล้วพบแล้วก็ตรวจสอบอุทยานแห่งชาติที่เรียบร้อยแล้วด้วยทั้ง3จุดโอเคถูกต้องทุกประการเชื่อว่านักบิน f อฟไฟติง้งคงพอใจคุณมีอะไร้ผมช่วยเหลือบ้างไหมตอนเนี้ยมีสิบแบคเลยช่วยตรวจสอบพิกัดผมทีขนาดนี้ผมอยู่ห่างจากพิกัดของบกก อ, องพลที่6กรอยสิบเท่าไหร่เพราะผมไม่แน่ใจว่าตําบลที่ผมตรวจพบเนี่ยใช่เป้าหมายนั้นหรือเปล่าแ น, น่ น, นอนถูกต้องตอนนี้คุณอยู่ห่างจากพิกัดของบกกองพลที่6กรอยสิบไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแค่300เมตรเท่านั้นหรือว่าคุณก่อขอบฐานที่มั่นมันแล้วก็ไม่รู้นะ โอเคถ้างั้นผมคงเข้าเกาะเป้าหมายได้แล้วคุณนี่เก่งมากๆเลยนะโนสตาผมบินตรวจการทำนองนี้มานานยังไม่เคยเห็นหน่วยปฏิบัติการหน่วยไหนทำงานได้แน่นอนเท่ากับคุณเลยช่างวินเทอนาแบกเลยย ม, มชมกันเองอยู่เลยผมอยากทราบสถานการณ์ด้านกองพันฐานลาวบ้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโอเคนอสตา ผมจัดการให้เครื่องถ่ายทอดของผมรับคขึ้น PRC 25้าแล้วส่งไปบกเวียงกันสําหรับกองพันลาวรับส่งข่าวได้แล้วขณะนี้สถานการณ์ประทั ย, ยังทรงตัว VC ยังบุกไม่ได้แล้วก็ยังไม่ยอมถอนตัวผมตรวจสอบพบ VC กลุ่มใหญ่อยู่ทางตะ ว, วันตกของกองพันทหารลาวประมาณ6 km. กิโลเมตรกําลังเคลื่อนที่ข้อหากองพันทหารลาวคาดว่าน่าจะเป็นหน่วยเสริมเตรียมทําการลบขั้นแตกหักกรณีนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้รู้เรื่องก็ได้นะโอเคทราบถ้ารลาวที่จะมาเสริมอีกหนึ่งกองพันละ อีก45นาทีออนแทร็ตบริเวณทางใต้ของกองพันแากห่างไป3กิโลเมตรพร้อมได้ปืนใหญ่105 4กระบอกส่งลงหลังจากเริ่มแสงแล้วโอเคทราบแซนไบตอนที่36นักบิน U7 คงจะเหงาเพราะต้องอยู่บนท้องฟ้าที่เวิรางว่างเปล่าแรมไปทางไหนรอบกายมิแต่สีดำแม้แต่ทางพื้นดินก็ไม่มีแม้แสงเท่าหิ่งห้อยถึงต้องการเพื่อนคุย พยายามพูดคุยยาวๆพูดมากๆเพื่อจะได้ระบายความอัดอั้นเสียบ้างแต่จ่าดาวเหนือไม่มีเวลาจึงทําสั้นๆเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญเข้าที่นักรบระดับมันสมองจะพึงถามคลานรู้เรื่องแล้วจึงบอกระงับวิทยุทันทีเล่นเอานักบินแบ็คเลงงงเปลี่ยนความถี่วิทยุกลับมาแบนเออย่างเดิมแล้วกดขี่ส่งสัญญาณฟรีสองครั้งโอเคพี่ส่งข่าวได้เลยช่วงนี้ปลอดโปร่งดีมากพูดยาวๆแบบนี้สงสัยเหงามันนักบิน จ่าดาเหนียมเครียดเหนือมุมปากไม่ออกความเห็นแล้วถามต่อบนเส้นทางเจอไอ้แก่วบ้างไหมเจอสงชุดพี่ซัดเรียบร้อยแล้วด้วยกระสุนเก็บเสียงเจาะแสกหน้าคนละหนึ่งนัดเท่าเทียมกันดีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครสงสัยไอ้แก้วพอพอพอแล้วมึงพูดสั้นๆก็พอตรวจสอบพีกัดตัวเองจากแบ็คเลงหรื อ, อยังตรวจสอบมื่อสหนาทีที่แล้วตอนนี้ห่างจากพี่สองกิโลเมตรแนวทิศเคลื่อนที่ตอนนี้กี่นาฬิกาสิบสองนาฬิกาตรงดิ่งภูมิประเทศเดินสบายตรวจการได้รอดตัวเท่าระยะกล้องเร่ง โอเครักษาแนวทิศนี้มาเรื่อยๆตอนเนี้ยพี่พบที่ตั้งบอกอมันแล้วแน่นอนอยู่แล้วมือระดับพี่ถ้าค้นหาไม่เจอแล้วใครจะเจอ่ะจริงมะจา่าดาวเหนือรับทราบสถานการณ์ทั้งหมดแล้วสั่งสแตนบายไปเลยหันมาทางไอ้มนเตรียมดำเนินงานในส่วนของตนต่อมนออกทางขวาสักร้อยหสิเมตรตรงพุ่มไม้เตี้ยๆนะั่นแล้วสำรวจข้างในสิตรงนั้นรู้สึกมุมตรวจการดีอยู่ตรงนี้ว่ะเชิดออกซ้ายนะริมต่อไม้ล้มนั่นแหละตรวจเข้าไปข้างในลึกๆนบข้างหน้าตรงๆเลย เสร็จแล้วทุกคนฝังตัวรอตรงนั้นก่อนคอยวิทยุเข้ามาแล้วพี่ล่ะเดี๋ยวคอยระวังหลังให้เส้นทางสายนี้ไว้ใจ ย, ยากว่าเดี๋ยวต้องคอยวิทยุพวกเราอีกขืนบุมบ้ามเข้าไปใกล้แกว้วมีหวังมันได้ยินเสียงวิทยุพี่ปากหลักคนเดียวแล้วให้แก้วมันมาสี่คนเออนะูรักษาตัวรอดได้เราวนะมึงไม่ต้องห่วงไปไปได้แล้วลูกน้องพูดด้วยความเป็นห่วงรู้ดีว่านิสัยจ่าดาวเหนือนั้นแม้สุขุมรอบครอบเพียงใดก็มักชอบและทําการเสี่ยงๆอยู่เสมอใจหนึ่งแว บ, บคิดขึ้นมาว่า ทวีตกงหน่วยจัตระย์มาพร้อมกัน4ี่คนจากดาวเหนืออาจตัดสินใจเล่นเกมสังหารซีเองแบบสต่อหนึ่งก็ได้ท่ามกลางความตายที่มีอยู่รอบด้านเช่นนี้จําเป็นอย่างยิ่งต้องมีใครสักคนคอยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตตัวอย่างประสบการณ์เคยมีมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้นได้รับคํายืนยันแน่นอนลูกน้องก็ไม่อาจจะขัดความประสงค์ต่างแยกตัวเข้าตําแหน่งวางตัวแห่งใหม่ตามคําสั่งไม่ถึง5้านาทีไอโมนเริ่มรายงานเข้ามาเป็นคนแรก พี่จุดนี้เห็นชัดเลยเห็นเพิงหมางันขนาดเล็กทางด้านหลังโน่นนี่เกือบสิบเพิงนะพี่ในน้ำมีฐานเวียดนามเหนือโลกฝนอยู่มีทั้งนั่งหลับทั้งนอนแพ่อาวุธติดตัวทุกคนสงสัยมันคงเตรียมพร้อมคอยรับเหตุการณ์เหมือนกันนะพี่ระยะเท่าไหร่วะก็ตั้งแต่200เป็นปจนถึง500น้นู่นแหะพี่โอเคเตรียมมุมยิงตรงนั้นเลยไอ้มนจบรายงานไม่นานไอเชตก็เริ่มรายงานบ้าง ทางผมตรวจการในเพิงอันใหญ่ชัดเจนดีพี่ในนั้นมีแกวจับกลุ่มคุยอยู่สี่ห้าคนสงสัยระดับนายทหารหรือไม่ก็คณะผอบอพลเลยนะพี่เพิงเล็กๆ ล, ล่ะก็เหมือนขอยมนละพี่สงสัยเห็นเพิงอันเดียวกันมั้งแล้วทางปีกมีไหมไม่มีพี่มันปลูกเพิงรวมกันอยู่เป็นกระจุกใกล้กันผมว่านะพี่กําลังคนขนาดเนี้ยน่าจะเป็นหน่วยระดับกองร้อยสักสองกองร้อยอืมราวๆสักร้อยห้าสิบคนนะพี่ใช่มึงพูดถูกแล้วต้องหน่วยระดับนี้เท่านั้น ไอ้ที่อยากรู้ก็คือมีหน่วยระดับกองพันธุ์อยู่แถวนี้หรือเปล่าเท่านั้นแหละทําไมพี่ถึงคิดว่ามันต้องมารวมกันอยู่เป็นกระจุกใหญ่ด้วยละ่ะมันน่ากระจายกันออกจระยุทดฝังตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะพี่หรือไม่กระทัส่งไปเสริมพวกที่กําลังโจมตีกองพันทหารลาวก็ได้เออใช่เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เท่าๆกันโอเคนบเห็นเพลิงอันใหญ่มีนายทหารอย่างที่เช่เห็นไหมเห็นครับพี่มีทั้งหมดหกคนกากบาดก้องเร็งผมมาจับชัดทุกคนเลยดีหมายตารอไว้แล้วกันฝนชักเริ่มเบาลงแล้ววนี่่า ตอนนี้เพิ่งตีสี่สงสัยได้เริ่มงานกันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแงะเลยก็ดีสิพี่ไม่ต้องคอยนานตรวจสอบพื้นที่ตรวจการของทุกน้องส่วนสามคนเสร็จแล้วพันตรีโรเจอร์รีบแทะไขวิทยุขึ้นมาทันทีลอสซาเรียบร้อย1ีจดสี่คนเอาไงต่อดีใจยเยน็นแซมซันขอเวลาเช็คซารูนก่อนโอเคจากซารูนสามนาทีเรียบร้อยอีกหนึ่งจุดสี่คนเหมือนกันพันตรีคอรลินส่วนวิทยุตอบทันทีโดยไม่ต้องรอเรียกพอสแตนบายฟังอยู่แล้ว จดาวเหนือพอใจกับความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นอย่างมาจนบัดนี้ยังไม่มีรหัสสิ่งบอกเหตุใดๆที่ชี้บ่งบอกว่าเวียดนามเหนือกองพลทหารราบที่612เริ่มสำเนีกกับความตายแม้แต่น้อยตอบรับข้อความทราบถึงพันตรีคอรเลนเสร็จก็สั่งการแผนขั้นต่อไปโอเคแซมสันซารูนเตรียมปิดล้อมกองพลทหารราบที่612นี้วางกาลังคู่กระจายกันให้เต็มครึ่งวงกลมเริ่มเปิดฉากการยิงพร้อมดอกันเนอร์ สันผมต้องการฮิวิ่ยดอกัรเนอร์หนึ่งเครื่องออนแท겟ที่นี่ในครึ่งชั่วโมงมีทางไปไปได้ไหมปันตีโรเจอร์หยามเฝ้าจับตาสังเกตท้าศึกในเพิงหมาแงานกำลังเพลินกับความคิดของตัวเองว่าควรเริ่มเปิดฉากโจมตีเมื่อไหร่ดีและควรใช้อาวุธอะไรจึงจะสามารถสลายกําลังเวียดโกงกองพล น, นี้ได้ชนิดไม่ให้เหลือซากพลต้องสะดุง้งฉวยไอคอมขึ้นมากรอกเสียงตอบในครึ่งชั่วโมงคาดาฝนหยุดตกพอดีใช่ไหมก็คงทํานองนั่นแหละใช้เวลานอนฝนหยุดแทนเริ่มแสงก็แล้วกัน ดีผมเห็นด้วยเสร็จภารากิจคงเริ่มแสงพอดีงานเคลียพื้นที่จะได้สะดวกถ้างั้นเราสั่งดอกแกรนเนอร์ออนแทรเกตพร้อมกับเอ Fighting เลยดีไหมให้ Fighting สร้างสถานการณ์ด้านใต้ในขณะที่ดอกแกรนเนอร์เล่นอยู่ทางด้านเหนือส่วนทางตอนตกที่กองพันหน้าราอยู่นะ่ะมีทั้งแลนดิ้งแล้วก็ดอกแกรนเนอร์หรือไม่ก็สปุกี้ทํางานควบคู่กันไปเลยภารกิจเดียวกัน3พื้นที่พร้อมกันนักบินไม่ชนเงินการากาาศหรือแซมสนคงไม่หรอกนะเรื่องแบบนี้นักบินของคงมีวิธีการของเขาคุณไม่ต้องห่วงนะผมรับประกัน โอเคงั้นแซสมสันสั่งการได้เลยการมีระบบสื่อสารประเภทเครื่องใหญ่ส่งขึ้น อ, ออกไปรับขึ้นวิทยุขนาดเล็กแทนการใช้วิทยุขนาดเล็กส่งขึ้น อ, ออกไปด้วยกํลาลังส่งของตัวเองซึ่งเครื่องใหญ่แบบนี้ติดตั้งเปิดเครื่องสแตนบายตลอดเวลายอยู่บนเครื่องบินจลกรรม U7 ณักความสูง 50,000 ฟุตนั้นเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวิทยุไอคอมมือถือให้ส่งขึ้นเป็นหลายๆเท่าตัวเครื่องรับขึ้นเมื่อรับละปอนเข้าเครื่องช่วยถ่ายทอดทันทีพร้อมกับส่งเข้าข่ายยุทธการข่ายบังคับบัญชา ขายอำนวยการหรือข่ายแจ้งภัยได้ทันทีทุกข่ายหรือเฉพาะข่ายใดข่ายหนึ่งตามต้องการจึงไม่แปลกเลยหากพันตรีนอร์แมนเสนาธิการใหญ่กับคณะ น, า, นายทหารฝ่ายเสนาธิการคนอื่นๆจะร่วมฟังอยู่ด้วยภายในที่ตั้งกองบัญชาการกองกําลังในกรุงเวียงจันทร์การติดต่อวิทยุของไอคอมทุกแบบทุกครั้งที่ได้กระทําลงไปไม่ว่าจะเป็นแผนการสั่งการรายงานร้องขอเสนาธิการใหญ่ทราบด้วยพร้อมกับทีมงานในสนาม สิ่งยืนยันก็คื อ, อยังไม่ทันที่พันตรีโรเจอร์จะได้แจ้งข่าวสารไปยังบอกอเลยคำสั่งอนุมัติก็มีมาแล้วโอเคสามสามั้นซารูารนอสตาผมอนุมัติทุกอย่างตามคำร้องขอไม่ใช่เพียงสามคนที่ถูกเอ่ยชื่อรหัสในวิทยุเท่านั้นที่ออกจากงง ง, งลูกทีมคนอื่นๆทั้งอเมริกันทั้งไทยในที่นี้ไม่รวมเหล่าก็พลอยงงไปด้วยซันไลรู้ด้วยรอผมร้องขออะไรบ้าง เชี่ยต์แซมสนผมรู้ทุกอย่างแหละว่าคุณกําลังทําอะไรกันบ้างยว่าแต่สิ่งที่พวกคุณกําลังทําเลยแม้แต่ใจคุณกําลังคิดอะไรผมก็รู้คุณว่าผมหน้าไหมเหล่าบางคนอยากจะอ้วกสวนกลับไปแต่พันตรีโรเจอร์ไม่คิดทําอย่างนั้นเพราะยังไม่หายงงตะลึงจนเงียบเสียงไปนานเซนาธิการใหญ่ต้องเป็นฝ่ายเรียกกลับมาผมไม่อยากให้เสียเวลาโอเคผมมันวัดเอฟเฟ้งสิเครื่องทําการถึงบอมตามแผนของนอสตาซีนุกสําหรับส่งลงหกเครื่องส่งลงแล้วจะกลับมาเอาร้อยห้าฮาวิสเซอร์ไปสนับสนุนอีก พีอีดอกันเนอร์สี่เครื่องสปุกี้สองเครื่องโอวิสหนึ่งเครื่องคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเล่าคราวนี้พันตรีโรเจอร์หายงงยิ้มออกมาได้ด้วยความพอใจระหว่างฟังรายการเครื่องสนับสนุนนั้นภาพฉากการลบพุดขึ้นในสมองมองเห็นความพินาศของทหารเวียดนามกองพลทหารราบที่หกร้สบสชัดเจนช่างเป็นภาพที่เล่าร้อนยิ่งกว่าการลบครั้งไหนๆฉากการลบครั้งนี้สุดบรรยายออกมาเป็นคําพูดโอเคแค่นี้คงพอถ้าต้องการเพิ่มก็ร้องขอใหม่ดีกว่า พอได้ไง ส, สันซัพวกคุณไม่อยากได้ข่าวกาลังฝ่ายเราจะเขตยื้อนนำใต้เตรียมเข้าปฏิบัติการบนพื้นที่ที่พวกคุณกําลังปฏิบัติงานอยู่บ้างเลยหรือไงไม่ความว่าไงสันไลโอเค ส, สันซัช่วงนี้รายการร้องขอของคุณถูกส่งไปถึงหน่วยปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างรอผมกับคุณมีเวลาคุยกันได้คืองี้นะกองกําลังไส้งอนตกลงใจส่งเกรนเบเล่หนึ่งกองพันพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนการรบเตมิตาสึก ทั้งหมดส่งลงทางอากาศบนพื้นที่ที่คุณปฏิบัติการหลังจาก f อฟฟี่ติ้เสร็จสิ้นภารกิจกำลังหน่วยนี้จะรับช่วงภารกิจต่อจากคุณทําการกวาดล้างเวียดนามเหนือและเข้าควบคุมพื้นที่ต่อไปโอเคทราบแล้วเหน่ือปฏิบัติการไว c a t ล่ะ w ไวแคทเป็นหน่วยลาตระเวนล่วงหน้าเตรียมการเคลียร์พื้นที่ก่อนการส่งลงเท่านั้นพวกเขาจะไม่เข้าปะท้ายอย่างเด็ดขาดท้าไม่จําเป็นหน่วยนี้คุณไม่ต้องห่วงเว้นเสแต่ว่ามีความจำเป็นต้องสานงานกันบางอย่างในบางครั้งเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีไม่ใช่เหรอ โอเคทราบที่ไม่ได้ประสานนะเพราะไม่มีเรื่องต้องประสานอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ข่ายวิทยุกันด้วยถูกแล้วซาซ้าเรื่องนี้คุณผ่านไปได้เลยสถานการณ์กองพันทหารเราเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่มีปัญหาทหารเรากองพันนั้นสามารถตรึงกําลังเวียดนามเหนือไม่ให้บุกต่อได้เรามีการติดต่อตลอดเวลาผมกับทีมงานที่นี่คอยควบคุมสั่งการให้เขาปฏิบัติทุกอย่างไปไปตามแผนสัญลัคิดว่าฉากสุดท้ายของเราทหารกองพันเนี้จะจบลงแบบไหนอืมเวียดนามเหนือคงเป็นฝ่ายถอนตัวไปเองหลังจากเอฟเฟกติ้งเสร็จภารกิจ บกอกองพลทหารราบที่612ถูกทําลายการส่งลงของราวกองพันใหม่การทํางานของ h e เดอกัรเนอร์รวมทั้งฮาวิสเซอร์105คาลิเบอร์เริ่มเปิดฉากการยิงแล้วกลินบลเลยจากไซ่ง่อนล่ะนั่นก็ด้วยกลินแบลเลยจะสมทุกําลังกับทหารราวสองกองพันภายใต้การสนับสนุนชนิดไม่มีข้อจํากัดสําหรับการกวาดล้างเวียดนามเหนือจนกว่าจะไม่มีตัวตนเหลืออยู่ในแขวงอัตกปือแม้แต่คนเดียวหรือคุณว่าไงพันตรีโรเจอร์อยากพูดว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่พูดพยักหน้าช้าๆอยู่คนเดียว พอมกับเหลยวมองเงาตะคุ่มตะคุ่มของจ่าแซมคนที่วางตัวทัดไปทางซ้ายราวสิบเมตรเห็นกําลังใช้กล้องส่องสํารวจโดยไม่มีอาการปฏิกิริยาใดๆเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็เข้าใจทันทีว่าทุกอย่างคงยังเหมือนเดิมจึงหันกลับมาพูดวิทยุกับเสนาธิการใหญ่ต่อสันไรถ้าสถานการณ์พิกร็อกไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหมายล่ะหมายความว่ากองพันทหารราวแตกการส่งลงกองพันทหารราวไม่ล้มเหลวกลีนบรเร่เป็นฝ่ายถูกตามล่าตามกวาดล้างเสียเองใช่ไหมใช่ดีคุณตอบสั้นดีมาก เมื่อคุณตอบสั้นผมก็จะตอบสั้นเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะพวกคุณก็ต้องรับภารกิจแทนพวกเขายังไงล่ะพันตรีโรเจอร์อมยิม้มรู้ว่านั่นเป็นการพูดแบบประชดแผนการที่ตัวเองกำหนดขึ้นต่างหากและเชื่อว่าเสนาธิการคงไม่สั่งการมอบภารกิจตามพูดแน่เมื่อหมดเรื่องต้องพูดพันตรีโรเจอร์จึงขอสแตนบายตอนที่สามสิบเจ็ดตีสี่กับสิบห้านาทีฝนหยุดตกสนิท เสียงมแมลงกลางคืนกบแล้วอึง่งโกรกตะเบงเสียงกันเซงแซะตอนรับความชุ่มช่ำของลาวป่าฐานเวียดนามเหนือกองผลฐานราบที่หกร้อกเริ่มขยับขยายที่ทางและท่าทางที่เคยคุดขูอุดอู้รบฝนอยู่ในเพิงเล็กๆแคบๆก็ออกมาข้างนอกบิดขี้เกียจ ด, ดัดเนื้อดัดตัวให้เส้นเอ็นผ่อนคลายความตึงเครียดส่งเสียงเรียกหาทักทายกันลงแรงเดินไปมาขวักไข่ถามหากันอย่างคลึกคลืน ความสบายใจหลังฝนเทจนกระดิกตัวออกมาทางไหนไม่ได้นั้นทําให้หลายๆคนเริ่มทําตัวง่ายๆไม่ระแวงระวังหลายคนเดินมือเปล่าปลั๊จากอาวุธเท่าเล่มเข็มบางคนมีแต่กระไล่ไม่มีปืนอากาอารพีจีอยู่คนละทิศละทางพอมีบางที่บางคนเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมตระหนักถึงสถานการณ์ยามมีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเคลื่อนไหวปฏิบัติการเข่นฆ่าสังหารฝ่ายตนเป็นว่าเล่นพลญิงปืนกลกลับเข้าไปในฐานยิง เปิดผ้าพลาสติกออกตรวจสอบสภาพการใช้งานชุดยิงคอกําลังช่วยกันวิทน้ําออกจากหลุมเสียงดังเจาะแจ๊จาแจ๊จจจจบังเกอร์ปรอรอสกําลังจัดระเบียบการวางกระสุนใหม่ใช้เศษผ้าเช็ดกล้องเล็งพร้อมกับโศกทําความสะอาดลํากล้องอีกครั้งคนยิงปืนกลในหลุมแบบเปิดช่วยกันปรับฐานขา ย, ย่างด้วยการยกขึ้นทําการปรับดินที่อ่อนเหลวหาวัสดุบางอย่างมาหนุนรองเพื่อความแข็งแกรง่งแล้วนํากลับมาวางตั้งลงอย่างเก่า คณะนายทหารในเพิงหมางนอันใหญ่อยู่กลางวงล้อมของเพิงอันเล่ต่างเงียบเสียงคุยกันมานานเพราะหมดเรื่องต้องคุยต้องปรึกษานังจับเจา้ากึ่งหลับกึ่งตื่นรอฟังข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์รอบด้านด้วยทัศนวิสัยอันเลวร้ายหน่วยจลยุทธ์ทั้งหลายพากันหลบฝนแอบซุ่มตามแหล่งต่างๆหยุดการเคลื่อนไหวอย่างสิ้นเชิงพันเอกเหงียนยาวส้าง ผอบอ ก, กองผลทหารราบที่หกรอยสิบสองในฐานะผู้รับผิดชอบภาพพรกิจทั้งปวงเหนือดินแดนแขวงอัตประหลุกขึ้นจากท่านั่งเอ็นหลังพิงเสาเพิงท่าทางไม่สดชื่นหนักเดินออกมาคนเดียวนอกชายคาเพิงทอดสายตาฝ่าความมืดเงียหูฟังเสียงลูกน้องทํางานปรับปรุงที่ตั้งกับบางคนพูดคุยกันตามประสาแล้วยิ่งต้องคิดหนักสักครู่จึงย้อนกลับเข้าไปในชายคาแล้วตั้งคําถามกับพันโทฟาร์วันห่าวลองผอบอกกองผลฝ่ายทหารเป็นคนแรกสหาย ข่าวจากขบวนลำเลียงอาวุธจรวด SS2 ถึงไหนแล้วในทหารหลายๆคนเริ่มขยับเยืย่อนเนื้อตัวจัดท่านั่งใหม่พยายามสลัดความง่วงเหงาห่าซึมออกจากล่างแล้วเรียกความกระปี้ระเป๋ากระชับกระเฉงให้กลับคืนปรับอารมณ์ความรู้สึกให้เข้ากับสถานการณ์รบอีกครั้งฟังรองผบพลตอบด้วยความตั้งใจฝ่ายท่านข่าวิทยุจากสายนักรบขบวนลำเลียงแจ้งมาว่าเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย ตอนนี้หยุดพักขบวนเดินทางอยู่ปลายหุบด้านใต้จําเป็นต้องหยุดเพราะพื้นดินอ่อนเส้นทางหลายช่วงมีหลุมขนาดใหญ่จนล้อถ่านยิงจรวดกับล้อถ่านยิงเป็นใหญ่ร้อยสติดลมแต่สายนักรบเหล่านั้นก็สามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมถูกต้องสายท่านสายนักรบหน่วยนั้นมีความมานะพยายามกันมากทุกคนตั้งใจสืบทอดอุดมการต้องการไปใหถึงเป้าหมายกองพันสี่สิให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้แต่ตอนเนี้ฝนหายแล้วสายนักรบเริ่มเคลื่อนขบวนกันหรือยังสายท่าน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝนตกแต่อยู่ที่พื้นดินอ่อนเพราะฉะนั้นแม้ว่าฝนหยุดตกแล้วก็ใช่ว่าจะสามารถเดินทางได้เลยเมื่อไหร่ต้องรอสักระยะหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็น่าจะประมาณครึ่งวันเพื่อให้พื้นดินเส้นทางแข็งกว่านี้สักหน่อยจึงเริ่มเดินทางได้หาไม้แล้วบนจุดจะเกิดปัญหาสายนักรบอัดพบปัญหาที่ตั้งแหล่งกำบังการพลางจากการตรวจการทางอากาศหรือแม้แต่การปะทะกับศัตรูระหว่างทางเหตุผลของพันโทฟาร์วันห่าวนั้นถูกต้องแต่กลับไม่ถูกใจพันเอกเหงียบยาวสัง สีหน้าจึงบึ้งขึ้นกว่าเดิมแล้วสวนด้วยคําพูดดังลัน่นสหายขาบวนลำเลียงยิ่งช้าเท่าไหร่อันตรายจากศัตรูก็ยิ่งมากเท่านั้นแต่ไม่มีแต่สหายสายสั่งการถึงขบวนลำเลียงให้เร่งเดินทางเร็วกว่านี้เท่าตัวหาไม่แล้วอาจถูกศัตรูตรวจพบแน่และเมื่อนั้นสาหายนักรบจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้เลยพันโทฟาร์บันห่าวรีบปิดปากตัวเองทั้งๆ ท, ที่อยากเสนอข้อคิดเห็นสําหรับแนวทางปฏิบัติบางอย่างเกี่ยวกับขบวนลำเลียง S อสกับขบวนปืนใหญ่หนึ่ง้อยสมมลเมตรขันถูกสั่งการเด็ดขาดจึงจําเป็นอย่างยิ่งต้องถ่าตัวเองออกไปสั่งการผ่านหน่วยสื่อสารให้ดําเนินการส่งข่าวพระเอกเงียนยาวซางอารมณ์ขุ่นขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าสหายนักรบแห่งเวียดนามเหนือไม่สามารถดําเนินภารกิจได้ด้วยปัญหาเพียงฝนตกแค่นี้ความตายยังหยุดสหายนักรบไม่ได้ทําไมแค่ฝนต้องกลัวกันด้วยเปลย อ, ออกมาดังๆให้ได้ยินทั่วกันทุกคนในเพลิงกองบัญชาการ เราหันไปทางพันโทเดืองห้ามฝ่ายในทหารฝ่ายวางแผนของกองพลพร้อมคําถามเกี่ยวกับศัตรูฝ่ายเดืองฝ่ายหนอจลยุทธ์เข้ามารายงานผลการก่อติดศัตรูจกักรวรรดิอเมริกาทั้งหกคนนั้นบ้างไหมไม่มีเลยสายท่านคาดว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วอีกไม่นานคงมีเข้ามารายงานข่าวครั้งสุดท้ายว่าไงบ้างศัตรูหนีจากการไล่ล่าของฝ่ายสายนักรบขึ้นไปสมทบฐานราวบนเนินหัวโลนขณะดนี้ฝ่ายสายนักรบกําลังวางกำลังล้อมเนินลูกนั้นแล้วก็เริ่มเปิดฉากโจมตีแล้ว เสายสั่งไปหรือเปล่าให้สายนักรบเวียดกงทําการลบแบบยืดเยื้อยาวนานทวงเวลาโจมตีให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะจุดอ่อนของฐานลาวอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากทําการลบนานๆสั่งการไปแล้วสายท่านขณะนี้สายนักลบเวียดกงก็กำลังสืบทอดอุดมการ์ข้อนี้อยู่สายนักรบเนยเสริมละ่ะสามารถเริ่มสืบทอดอุดมการได้เมื่อไหร่ในทันทีที่พาทิตย์เริ่มแสงตามแผนสืบทอดอุดมการณ์ครั้งนี้สายนักรบเวทโกงจะยืดเยื้อการโจมตีตลอดทั้งวันจนกว่าศัตรูฐานลาวจะเกิดอาการล้าหรือขวัญเสียแล้วถอนตัวออกไป สายสายคิดแผนการไล่ล่าตามสังหารทหารลาวไว้หรือยังที่นี่คือแขวงอัตปือนะแต่ทหารลาวพวกเนี้ยมันอาจมาจากเวียงจันท์ศัตรูทหารลาวจะหนีไปทางทิศไหนในเมื่อไม่รู้จักกับแขวงอัตปือมาก่อนใช่แล้วสายท่านเรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยไม่เป็นไรสายเดือนทุกอย่างยังไม่สายเกินไปหากศัตรูทหารลาวแตกถอยเมื่อไหร่สังการให้สายนักรบเวทโกงตามไล่ล่าจนสุดชีวิตเมื่อนั้นที่นี่ฝ่ายสายนักรบได้เปรียบอยู่แล้วเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่เพราะฉะนั้นการไล่ล่าคงทําไม่ยากทราบสายท่าน เรื่องการพิสูจน์ทราบศัตรูจกักรวรรดิอเมริกาที่เหลือ18สดคนดาเนินไปถึงไหนแล้วเรื่องนั้นน่ะยังไม่คืบหน้าเลยสายท่านเราสงสัยว่าพวกนั้นอาจจะออกจากพื้นที่แขวงอัตปือไปแล้วก็ได้เพราะทุกเส้นทางที่สายนักรบเวียดกงดักกงจรยุตไปไม่พบร่องรอยอะไรของมันเลยขอจริงอย่างนั้นเธอสายเดืองถ้าเหลือแค่6คนกับศัตรูทหาราวบนเนิน่ะ ไม่นานสายนักรบเวทโกงก็คงสังหารมันได้สายสังการถึงสายนักรบเวทโกงที่กำลังปิดล้อมโจมตีศัตรูทหารลาวเลยว่าพยายามสกัดการเส้นทางหนีของศัตรูถึงที่สุดอย่าให้มันแหวกวงล้อมออกไปได้โดยเด็ดขาดทราบสายท่านในทหารฝ่ายวางแผนรับคําสั่งเสียงอ่อยๆหายใจลึกๆนอกจากจะหวันว่าสายนักลบเวทโกงอาจทาไม่สาเร็จแล้ว โอกาสที่จะถูกศัตรูอีกสิคนนั้นแอบแกะรอยตลบหลังก็มีทางเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทั้ทงนี้เพราะไม่มีหลักฐานใดสามารถยืนยนันหรือใช้เป็นเหตุผลในการอ้างอิงได้เลยว่าศัตรูถอนตัวออกจากพื้นที่ไปแล้วแม้แต่แนวความคิดที่ว่าศัตรูแยกกลุ่มเป็นสี่กลุ่มทำการเคลื่อนไหวพิสูจน์ทราบ พ, พื้นที่แขวงอัตาเปือโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ส่งลงเป็นจุดเริ่มตน้นก็ไม่ปรากฏว่าหน่วยจรยุทธ์ซึ่งฝั่งตัวอยู่เต็มพื้นที่จะตรวจพบ บรรยากาศภายในกองบัญชาการเพื่องหมางาเงียบลงบรรดาในทหารระดับมันสมองของกองพลพากันหยุดใช้ความคิดพยายามหาข้อสรุปแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลเด็ดขาดแน่นอนต่อสตระกุ่มนี้พยายามแล้วพยายามอีกทุกอย่างยังมืดแปดดานแผนการทุกอย่างที่สั่งการไปไม่สำลิดผลหน่วยจรรยุทธุกหน่วยต่างขว้าน้ําเหลวไม่พบเบาะแสใดๆในอันที่จะสามารถนํามาเป็นข้อพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนหลักการทางยุทธวิธีได้เลย ท่ามกลางความมืดยามดึกกลางป่าทึบที่มีแต่เสียงน้ำฝนค้างใบไม้ลนกระทบพื้นล่างดังเปาะแปะเปาะแปะนั้นผมก็ ต, ต้องสะดุ้งเพื่อเมื่อเสียงคำรามของเครื่องยนต์แบบไอพ่นดังขึ้นบนหน้า้าเหนือหัวตรงดิ่งความเร็วเหนือเสียงทำให้ตัวผ่านไปแล้วจึงได้ยินเสียงเครื่องบินเ f i g h t i n g ใครคนหนึ่งลำพึองออกมาไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงติดอยู่แค่ลำคอ เวทโกงทั้งหมดพากันเงียนหน้าขอตั้งบ่าตแล้วมองตามทางทิศจากไปของเสียงเครื่องบินไอพอลจนหน้าหันกลับหลังแต่ก็มองไม่เห็น F ing, เอฟไฟติงเอฟไฟติงครื่องเดียวเดียวบินโฉบต่ำความสูงเรียยยอดหมายลัทธยานหายไปสู่ความสูงบนท้องฟ้าทิ้งเสียงคำรามคำรนลั่นสะเทือนปานฟ้าถลม่มให้คนอยู่เบื้องล่างทางพื้นดินเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนสายทำไมเครื่องบินศัตรูบินมาตรงจุดที่เราอยู่ได้ พอบอกองพลทหารราบที่หกร้อยสิบสองถามขึ้นมาลอยๆดังลั่นด้วยจงใจตะเบงเสียงแข่งกับเครื่องบินคงไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาบินมาตรงนี้โดยตรงหรอกสายท่านไม่เจตนาแล้วทำไมบินโฉบได้ตรงดิ่งเหนือหัวพอดีอย่างนี้เล่าอาจบังเอิญมากกว่าสายท่านเพราะถึงอย่างไรในพื้นที่แขวงอตาปือรอบๆเขตอิทธิพลของกองพลเราก็เคยมีศัตรูทางพื้นดินเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่แล้วเครื่องบินเอฟมาช่วยพวกมันใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกสายท่านแม้แต่ทหารราบบนยอดเนินก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะอะไรสายเดือง อันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันนะสีสายท่านขณะนี้สายฝ่ายนักรบกอะเกาะติดศัตรูทหารเราระยะห่างเพียง300เมตรเท่านั้นเมื่อ F อฟไฟติงจะทําการโจมตีต้องห่างจากกําลังฝ่ายเดียวกันอย่างน้อย3ามกิโลเมตรหรือถ้าเป็น b ีหก็ต้องห่างอย่างน้อยเป็น10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเครื่อง F เครื่องนี้บินมาเพื่อข่มขวัญ่ายนักรบฝ่ายเรามากกว่าพอบอกกองพลทหารราบที่612ทําสีหน้าวางเฉยรับฟังเหตุผลจากนายทหารฝ่ายวางแผนแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่เชื่อเมื่อไม่คิดใช้เครื่องบิน F เขาปฏิบัติการทางทหารแล้วศัตรูอย่างจากักรวรรดิอเมริกาคงไม่ส่งมาแน่ที่น่าสงสัยอย่างมากก็คือทำไม F เครื่องนี้จึงโฉบลงตรงหัวได้พอดิบพอดีเช่นนี้ต่างหากและแล้วความกังวลของผบอกองพลทหารราบที่612ก็เริ่มเผยความจริงออกมาสหายไม่ได้มี F เครื่องเดียวสหายฟังสิทางด้านใต้ยังมีหลายเครื่อง ทุกคนนิ่งพยายามหยุดทุกอย่างในตัวเองระวัง Mac แม็กระทั้งเสียงลมหายใจของตัวเองไม่ให้รบกวนเสียงแวววาของเครื่องบินระยะไกลทางทิศใต้เหนือนเมื่อประจักษ์แน่ชันแล้วว่าผ อ, อกองพลพูดถูกทุกคนถึงกับใจหายแวบสายท่านนั่นอาจเป็นเอบินคุ้มกัน B ี2เข้าไปปูพรมในประเทศเวียดนามเหนือก็ได้เพราะศัตรูจกักรวรรดิอเมริกาปฏิบัติอยู่เป็นประจำคราวนี้ผ อ, อกองพลทหารราบที่6กริบหันหน้ามาศพลในทหารฝ่ายวางแผน จองนิงง่งเขม่งในาแววตาสอบประกายความเด็ดเดี่ยวออกมาล้นปลีจนใครใครไม่กล้าสบตาด้วยไม่ใช่สหายเอฟไฟติงที่คุมกันบี2ที่ขึ้นมาจากจังหวัดอุบลประเทศไทยนะ่ยจะไม่บินผ่านแขวงอตะปือเพราะเมื่อขึ้นจากสนามบินแล้วจะบินล้อตามแนวลาน้ำโขงผ่านแขวงสวรรเขตมุ่งหน้าขึ้นเหนือสุเวียงจันทร์แล้วจึงจะเลี้ยวขวาผ่านทุ่งหินหินซำเหนือเข้าเวียดนามเหนือตั้งหากยังไม่ทันที่พันโทเดืองฮามไฟ ในทาหารฝ่ายวางแผนจะได้ชี้แจงเหตุผลว่าเครื่องบิน F คุ้มกัน b ีหภารกิจปูพรมเวียดนามเหนือไม่ได้ขึ้นจากจังหวัดอุบลแต่ขึ้นจากจังหวัดอุดรกับส่วนหนึ่งขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินในอ่าวตังเกียทะเลจีนใต้ส่วนเครื่องบิน F ภารกิจปฏิบัติการในเวียดนามใต้และขเขมร น, นั้นจะขึ้นมาจากจังหวัดอุบลจังหวัดนครราชสีมาอุตเผาสตัตหีบกับบางส่วนขึ้นมาจากเรือบรรทุกเครื่องบินในอ่าวคามรันพันโทฟาร์มวันหา่าวโผพรวดพาดเข้ามาพอดีสีหน้าตื่นตระหนกท่าทาาางงรรรร้้ออออนนคลยมีะไใใจจกกเื่ บินเหรือกลับที่ปรากฏตัวฉายเดี่ยวเหนือน่านฟ้าบนกระบาลตรงดิ่งในขณะ น, นี้พอบอกกองพลฐานราบที่6กรเหตุแล้วเอ่ยปากถามขึ้นก่อนสายฟาร์มมีอะไรเร่งด่วนสายท่านที่ตั้งขบวนลำเลียง s อชถูกศัตรูตรวจพบแล้วฮะสายว่าไงศัตรูตรวจพบได้ยังไงกลางคืนฝนตกหนักไม่มีการประทะระหว่างทางไม่มีสิ่งบอกเหตุอะไรสักอย่างว่ามีศัตรูเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่หรือว่าศัตรูส่งเครื่องบินคึ้นาดตะเวนทาอากาศพอบอกกองพลทฐานราบที่6กรตะเบ่งเสียงดัง ลายยาวเหตุผลว่าไม่มีทางเป็นไปได้เร็วเปรือจนแทบฟังไม่ทันสีหน้าบึ้งตึงแววตาเครียดขมยิ่งขึ้นแต่คราวนี้ไม่มีใครหลบสายตาต่างจ้องเขมิงรอฟังคําตัดสินใจพันโทฟาร์มวันหา่าวสวนคําตอบทันทีที่ผอบอ ก, กองพลพูดจบสายนักรบในเวดน้ำใต้ส่งข่าวมาเมื่อกี้นี่เองสายท่านพวกเขารู้เรื่องไงว่าศัตรูจับลับได้สายฝ่ายข่าวในไสง้งอนเป็นคนรายงานรายงานว่าไงบ้างไม่มีรายละเอียดมากนะักสายท่านรู้แต่ว่าศัตรูใช้ระบบตรวจการทาอากาศเท่านั้นตรวจการทาอากาศ เป็นไปได้ยังไงสหายในเมื่อเราอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นเครื่องบินศัตรูบินขึ้นมาแม้แต่ลาเดียวเพิ่งมีก็เมื่อกี้นี่แหละเครื่องบินเอฟเพียงเครื่องเดียวตอนที่สามสิบแปดพอบอกกองพลทหารราบที่6 12เอ่ยถึงเครื่องบินเอฟเครื่องนั้นขึ้นมายังมีความหมายเมื่อแหล่งข่าวยืนยันมาว่าศัตรูพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายตนด้วยระบบตรวจ ก, การทางอากาศแวบหนึ่งของสมองชุกคิดขึ้นมาได้ว่าการปรากฏตัวตรงดิ่งเหนือฐานที่มั่นกองมัญชาการกองพลได้อย่างแม่นยําเมื่อครู่นี้ ศัตรูอาจทําได้ด้วยวิธีการเดียวกันและแล้วฉับพลันนั้นทั้งนายทหารในเพิงมางานทั้งเวทโกงพลทหารระดับลูกแถวต่างก็ต้องสะบัดหน้าและผ่านความมืดไปทางทิศใต้อย่างเร็วจนบัวคอกเล็ดอย่างพร้อมเพรียงเสียงกำปนาดกึกกร้องของระเบิดขนาดใหญ่กับเสียงแพดของเครื่องบินเอฟดังขึ้นต่อเนื่องกันทุกคนเกิดอาการชาว่าไปทั่วไขสันหลัง หลายคนยืนตะลึงนิ่งในขณะที่หลายๆคนย่อตัวลงต่ำแอบข้างคนไมายแหล่งกําบังข้างกายคลื่นเสียงนั้นเกิดจากแรงอัดของระเบิดขนาดใหญ่สัานไปทั่วพื้นดินตรงที่ยืนอยู่สั่นสะเทือนจนรู้สึกเครื่องบินเอโจมตีทิ้งระเบิดขบวนลาเลียงขบวนลำเลียงจรวดเอสอสองปืนใหญ่ร้อสมสิบกระสุนระเบิดเสียงเครื่องบินเอฟยานขึ้นสูงโลว์ออกทางคางห่างไปทางทิศตะวันออกแล้วค่อยเบาลงไม่ถึงครึ่งนาทีให้หลังพรานเสียงกัปตันกึกกล้องทํานองเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้ง จำนวนครั้งความรุนแรงตำแหน่งของเสียงเท่าเดิมเหมือนเดิมทุกประการปัตณิเป็นที่แน่นอนแล้วว่าแหล่งข่าวสายรับเวียดโกงรายงานข่าวถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตสถานการณ์ทางด้านตายถูกนำมาผูกพันกับสถานการณ์รอบที่ตั้งกรมราการกองผลอย่างรวดเร็วของบอกองผลทฐานราบที่หกร้อยสิบสองขยับตัวเสียงสั่งการถึงส่วนระวังป้องกันที่ตั้งหน่วยของตนแต่ทุกอย่างก็ดูจะช้าไปเสียแล้วเมื่อมัจุฬาจัาจดคิวตายสําหรับเวียดกกงระดับผู้นําหน่วยไว้พร้อมกันถึงสี่คนโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ ย, อยเสียงแหกปากร้องดังลั่นแข่งกับเสียงคำรามคำรนของระเบิดจากระยะไกลเหตุการณ์คาดคิดไว้ก่อนแล้วแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะบังเกิดกับตนภายในช่วงระยะเวลารวดเร็วเพียงนี้พันเอกเงียนยาวซางผอบอ ก, กองพลทหารราบที่612ถูกยิงเจาะหน้าผาก พันโทฟาร์มวันเห่ารองผอบอกองพลฝ่ายทหารถูกยิงเจาะกลางใบหน้าพันโทเดืองหามไฟรองผอบอกองพลฝ่ายวางแผนประสานงานถูกยิงเจาะชายโครงด้านสายพันโทเตียงวันถุยรองผอบอกกองพลฝ่ายการข่าวถูกยิงกึ่งกลางแผงอกด้านสาย ช่วงคลิปตาต่อมายังไม่ทันที่นายทหารระดับรองรองลองมาสองคนจะทันได้ตั้งตัวยังไม่หายตะลึงกับเหตุการณ์ตายชนิดต่อหน้าต่อตาลมหายใจครั้งที่แล้วยังไม่หมดและยังไม่ได้หายใจใหม่พลันความตายอย่างเดียวกันก็พุ่งเข้ามาฉุดกระชากวิญญาณเสกกรโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย ชุดแรกสําหรับ V.I.P. ระดับกองชาการกองพลต้องใช้อย่างหนาจับจุดตายเท่านั้นส่วนชุด2ระดับรองลงมาตามสายการบังคับบัญชาใช้อย่างบางยี่ห้ออะไรก็ได้กากบาทกองเร็งรัดจากเป้าหมายชุดแรกเข้าหาเป้าหมายชุดที่2ด้วยระยะเวลาห่างกันเพียงเซี่ยวของมแมลงกระพือปีกอาศัยส่วนหนาสุดเป็นช่องเร็งกระสุนหัวระเบิดขนาด 5.56 ทาหน้าที่ของมันยิ่งซื่อสัตย์ยิ่งหนักระยะห่างแค่100เมตรไม่เกินมือระดับนักลบหลับจางไม่มีคําว่าพลาด หนึ่งนัดหนึ่งคนตามสั่งเรียบร้อยร้อยเรียบถอยออกได้แล้วเว้ยหัวหน้าทีมนักรบรลับจ้างกอกเสียงสั่งการลงในแอคอมเตรียมถอยห่างเพื่อแผนการขั้นต่อไปไม่สนใจว่าหลังสิ้นเสียงเวดกงระดับนายทหารชุด ท, ที่สองแล้วเหตุการณ์ทานองเดียวกันได้เกิดขึ้นอีกอย่างไรบ้าง เสียงลมเป่าปากลำกองได้ยินแค่คนยิงเพียงคนเดียวจากอเมริกันกลีนแบเร่สิบสกระบอกจากทีมงานนักรบรับจ้างอีกห้ากระบอกรวมเป็น18กระบอกแนวยิงวางตัวเป็นครึ่งวงกลมรอบฐานบอกกองพลทฐานราบที่หกร้งทางฝั่งตะวันตกระยะเคียงระหว่างกระบอกสาบถึงห้เมตรตามลักษณะอํานวยทางธรรมชาติเห็นเหตุการณ์ในเพิงกองบัญชาการกองพลด้วยกล้องเล็งประจําตัวก็รู้ว่านั่นคือสัญญาณเริ่มยิง M203XMA1 รุ่นพิเศษสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษครบกระบอกจับเป้าหมายตามแผนและคำสั่งของจ่าดาวเหนือโดยการเน้นจุดหญิงป้องกันฐานระยะไกลสุดกับแหล่งกำลับบงแข็งแรงอันดับแรกจุดไหนก็ได้ตามถนัดเห็นเป้าหมายเวียดกรงระดับผู้บังคับบัญชาหกคนในเพิงอันใหญ่ไว้ให้สี่มือสังหารที่ลุกเข้าไปิสูจน์ทราบถึงภายในเป็นผู้จัดการ เกือบจะเป็นเวลาเดียวกันเมื่อเหยื่อสังหารชุดสองแหกปากรองขึ้นกระสุนหัวระเบิดทั้ง18นัดก็พันดังขึ้นทุกระบอบทุกนัดจับเป้าหมายได้อย่างคุมค่าตั้งแต่ระยะไกลสุดเกือบ350เมตรฟังตรงค้ามไล่ล้ะไปตามแนวขอบทั้งซ้ายขวาและตรงหน้าระยะไกลไม่ถึง100เมตร เวทกงในหลุมปืนคอหลุมปรอสอปืนกลหลุมเล็กสองคนหลุมใหญ่4คนถูกกระสุนหัวระเบิดขนาดเดียวกันกับพี่เจ้านายเหนือหัวของมันโดนอย่างพร้อมเพียงส่งเสียงแหกปากร้องดังระงมกระจัดกระจายทั่วทั้งแนวบางคนเริ่มจับเขาลางแห่งความตายได้ตั้งแต่ตอนการยิงฉากแรกในเพิงอันใหญ่ บางคนเพิ่งรู้เมื่อเห็นเพื่อนคนข้างเคียงโดนต่างพากันพุ่งหลา่าวหลบเข้าหาแหล่งกำบังถึงตัวมอบราบลงพื้นหรือไม่ก็ชาร์จออกจากบริเวณที่เพื่อนตายเพราะจุดนั้นถูกสัตรูตรวจพบแล้วเมื่อสังหารละจากเป้าหมายแรกวาดกากบาทไล่ติดตามภาพเงาดำบนพื้นสีม่วงอ่อนในกล้องเล็งอย่างไม่ลดละอย่ามเมื่อมันยังเคลื่อนที่ก็ปล่อยไปก่อนไม่ช้าไม่นาน คมไม่เกินครึ่งนาทีมันคงหยุดนิ่งรอรับคมกระสุนจนได้แต่งานนี้ไม่จำเป็นต้องรอหลายๆเวียดกงขยับย้ายเพียงช่วงสั้นๆหรือไม่ก็แค่กิ้งทางข้างสองสมรอบกบดานหลังแรงกำบังจดจ้องอากา RPG สอดสายสายตาเงี่ยหูฟังค้นหาที่มาของความตายเรานั้นจึงสมควรโดนได้เลย กระสุนแล้นผ่านกระบอกเก็บเสียงจำนวนน้องๆชุดแรกพุ่งจับเป้าหมายล่างเวทกองอย่างแม่นยำหนึ่งนัดต้องโดนหนึ่งเป้าหมายแม้ไม่ใช่จุดตายก็ต้องเป็นจุดบาดเจ็บตามเนื้อตัวแขนขาไหล แม้แต่ข้อเท้าหัวเข่าไม่มีเว้นด้วยคุณลักษณะพิเศษของกระสุนหัวระเบิดซึ่งเมื่อกระทบที่หมายแล้วจะแตกตัวกระจายสะเก็ดออกเองความเจ็บปวดจึงสาหัสกานยิ่งกว่ากระสุนธรรมดาไปหลายเท่าเมยกกงถึงกับลืมตัวว่าตนเองแค่บาดเจ็บอยู่หลังแร่งกำบงังก็เลยโผทะลึ่งพลดพลาดส่วนใหญ่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยที่ถึงคลาชีวิตดับ เวทผงคนข้างเคียงอยู่ไม่ได้ก็ต้องเพ่นบางบางคนหลบลอดไปได้บางคนเคยรอดแต่กลับมาโผล่โชว์หลาบางคนเคยเห็นวบ ว, บ, วบแบมแบมคราวนี้เผยแผง อ, อกแสกหน้ารับกากระบาดอย่างท้าทาย ยังไม่มีวี่แววที่เสียงลมเป่าปากลํากล้องจะุติปราดใดที่เวดกงยังเผยโฉมให้ปรากฏในกล้องเร็งตลอดเวลาจากสถานการณ์ปะทะหรือการเข้าตีธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานั้นฝ่ายสัโถมมีอุปกรณ์ช่วยลบชนิดพิเศษเพิ่ง น, นอกจากสามารถมองเห็นในความมืดได้แล้วยังย่นระยะจากไกลให้เข้ามาใกล้ได้อีกสิบ้าเท่ายอมหมดปัญญาที่เวดกงคนธรรมดาใช้ตาเปล่ามองหาตามธรรมชาติจะหลบผลได้กระสุนชุดแล้วชุดเล่ามากบ้างน้อยบ้างหนุ่มเนื่องเข้าใส่ถึงว่าเลน ทุกนัดไม่มีการพลาดให้ผิดหวังจับเฝ้าคราวใดไม่ตายก็บาดเจ็บหมดสภาพนักลบในคลิปตาเวียดโกงเซอร์ตาเอะมาเทิงส่งเสียงลงเหลงฟังไม่รู้เรื่องสอบถามกันเองถึงแหล่งที่มาของความตายว่าศัตรูอยู่ที่ไหนทำการยิงมาจากทิศทางใดบางคนว่าตรงหน้าคำพาว่าจะจริงเพราะไอ้คนข้างๆเคยโดนยิงแผงอกบางคนกลับว่าไม่ใช่เพราะเคยเห็นคนโดนยิงแผ่นหลังหลังเลลังเ ล, ล, งเลตัดสินใจไม่ถูก คนที่หมอบอยู่ติดกันโดนเข้าสิข้างด้านขวาส่วนคนโดนข้างสายก็ยิ่งพากันงงหนักเหลียวซ้ายและขวาไปตามแนวทิศที่คาดว่าศัตรูทำการยิงมาเราก็ต้องเหลียวต่อเพราะมีคนโดนเข้าจากทางทิศเดียวกันคลิปตาต่อมาก็มีคนโดนอีกโดนอีกแล้วก็โดนอีกพยายามมองตามเสียงร้องจนเป็นว่าเหลียวมองรอบตัวไปเลย Ka, RPG, อา้า RPG ปอรอสปืนกลรวมไปถึงคหกสิบมิลเมตรคแปสบอ็ดมิลเมตรจดจดจ้องๆ อ, อ, อย่างไรตั้งแต่เริ่มก็ยังคงจดจดจ้องๆ้อ ง, อ, งอยู่อย่างนั้นลำ้ลำล้จะทำการยิงสวนบ้างแต่ก็กำหนดแนวเร็งไม่ถูก เคยคิดจะยิงสุ่มตรงไหนก็ได้เอาทั้งนั้นหมายสกัดกั้นการรุกของศัตรูแต่ต้องยกเลิกความตั้งใจยังจำใจจำยอมเพราะกระสุนนัดหนึ่งซึ่งรู้มาจากทางขวาเจาะเข้ากลางขมับบริเวณทายามองพอดีขาดใจตายเสียก่อนตั้งแต่เสียงแหกปากร้องอยังไม่สิน้นหมดโอกาสแจ้งข่าวให้เพื่อนคนข้างๆช่วยแก้แขนว่าศัตรูยิงต้นมาจากทิศไหน ไอ้เพื่อนที่หวาดหวาดอยู่แล้วเห็นความตายตกอยู่ข้างกายเชียดชีวแค่เส้นขนถึงกับอยู่ไม่ติดเพนทุ่ง อ, อกจากแรงกำบังถึงซากศพเพื่อนให้เป็นผีเฝ้าเนินดินแต่ตามลำพังไม่ใช่เพียงลายนี้ลายเดียวเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นทั่วทุกตารางนิ้วของบริเวณฐานรับซ้ายขวาหน้าหลัง ใ, ใกล้ไกลไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นเสียงคนแหกปากร้องเสียงคนวิ่งเสียงเกลึกกริ้งทั้งคนเจ็บคนไม่เจ็บและงมเสียงแส จ่าดาวเหนือพยักไร้าแห่งอัตต์ปืรเสร็จสิ้นภารกิจสังหารค่าศึกระดับผู้นำหน่วยทั้งหของกองพลทหารราบที่612ถอนตัวออกมาตามแผนปล่อยลูกน้องคู่ใจเข้าแนววางตัวร่วมเกมสังหารกับทีมงานคนอื่นๆโดยไม่นำพาต่อสถานการณ์รอบด้านทั้งบนแนววางตัวฝ่ายเดียวกันหรือความสับสนวุ่นวายในฐานเวียดกงเดินลัดเลาะด้านหลังลูกน้องได้ยินเสียงกระสุนผ่านกระบอกเก็บเสียงแล้วยิ้มยิ้มก้าวขาสาวเท้ายาวต่อด้วยความทะนง มันจำเป็นต้องก้งมเงยคอยระแวงตามสัญชาตยานมันจำเป็นต้องแอบตามแหล่งกำลังต้นไม้หรือไม้พุ่มเพราะเชื่อเกินร้อยเปอร์เซ็นยู่แล้วว่าตราบใดที่กระสุนเก็บเสียงยังพุ่งเข้าจับเวียดกงอย่างไม่หยุดอย่างเช่นนี้ย่อมไม่มีทางที่เวียดกองจะสวนตอบด้วยอาวุธใดๆได้เนื่องจากไม่พร้อมในหลายๆด้านผ่านหลังไอพ้พอนผ่านหลังไอโนบจำได้ว่าจุดต่อไปคือพันตรีโรเจอร์ตัดลิงวกเข้าด้านไหนต้องข้อหาแบบไม่ยอมเสียเวลาและไม่ใช้กล้องเร็งส่องหาเมเจอร์ ทรงเสียงเรียกเพื่อรู้ในความมืดนั้นพันตรีมีการแอบกําบังอยู่ใต้โคนไม้ต้นไหนเรือใส่ไม้พุ่มวางตัวผมอยู่นี่นอตตาทงใส่ว่าทำไมพันตรีโรเจอร์จึงไม่แอบกําบังหลังแหล่งกําบังธรรมชาติประเทศโคนไม้ต้นแต่กลับไปอยู่บริเวณโลง่งๆไม่มีเงาตะคุ่มของเครื่องกําบังให้เห็นออกเดินอีกสิบก้าจึงประจักษ์ความจริงเมเจอร์ขุดหลุมกําบังเองเหรอครับอ๋อหลุมบุคคลเนี่ยเหรอผมไม่ได้ขุดหรอกวีซีมันขุดเอาไว้ผมยึดมาจากมันนะ่ะเอา้า แล้วเจ้ของเดิมเขาไปไหนแล้วครับถ้าสองคนนอนอยู่ได้ไงพันตีบริการตกแรงๆบทร่างขนได้ยินชัดดาดาวเหนือพึ่งกับตีหน้ายน่นนึกไม่ถึงว่าเกมสังหารคราวนี้จะโหดเยี่ยมขนาดเอาซากร่างไร้วิญญาณของเวทโกงมาวางเป็นเครื่องกำบังเมเจอร์วีซีวางทําเป็นเนินเลยเหรอใช่ด้านหลังเดิมมันไม่มีเนินดินเพราะวีซีไม่ได้ทำเอาไว้มันทําเฉพาะด้านหน้าของมันแต่เราต้องการจับทิศทางยิงผมก็เลยเอาสัยวานให้วีซีเอาล่างมันเป็นเนินดินให้ยังไงเราเขียบ เขียบจริงๆเมเจอร์นี่ง่ายประหยัดได้ผลแล้วก็รุนแรงจริงๆช่างเดหนือนอสตาคุณมาที่นี่มีอะไรพันตรีโรเจอร์ตัดบทพยายามไม่คิดเป็นเรื่องสลักสําคัญยกกล้องเล็งกละจายสำรวจแนวเวียดกงในฐานแล้วถามถึงการมาของจ้าดาวเหนือพอดอกันเนอร์ตามแผนที่ขอไว้ตอนนี้สแตนบายอยู่ที่ไหนครับห่างไปทางตะ ว, วันตกถึงเหนือเจ็กิโลเมตรเตรียมรับคําสั่งออนแทรเกตอยู่แล้วทางงานเรียกเข้ามาเลยครับโอเคไม่เกินหนึ่งนาทีรู้เรื่องเพียงชั่วเวลาสั้นๆที่พันตรีโรเจอร์กําลังเรียกคอโจมตีนั้น จ่าดาวเหนือกดคีย์สองครั้งเรียกฟีไปยังจ่ายุทธพงโอเคพี่ส่งข่าวได้เลยมุกถึงไหนแล้วอีกแปดร้อยเมตรถึงนาวางตัวพวกพี่ส่งข่าวแบ็กเล่ตรวสอบพิกัดเข้ามาแ ล, ล้วหรือยังตรวสอบตลอดเวลาพี่ระยะอีกแปดรอยเมตรที่ว่านี่ก็คือตามคําบอกของแบ็กเล่นะละั่นแหละทิศทาง11บเนาฬิกาภูมิประเทศป่าโ ป, ปร่งเคลื่อนย้ายได้เร็วดีครับพี่โอเคดีมากอีกไม่เกินหนึ่งนาทีดอกันเนื้อออนแทรเกต ขณะนี้ยพวกเรากำลังระดมเล่นงานในพวกกองคนทหารราบนี้อยู่ซัดล่วงไปหลายคนแล้วยังดูไม่ออกว่าเมื่อไม่มีหัวหน้าใหญ่คอยบงการสั่งการไอเดนตายที่เหลือจะอยู่สู้ต่อหรือถอนตัวเพราะฉะนั้นระยะทางข้างหน้าคอยสังเกตให้ดีด้วยนะเว้ยอาจจะมีพวกขี้ขาดตาขาวเพินหนีสวนทางออกไปก็ได้ไม่มีปัญหาพี่ถอยมาจริงๆเถอะรับรองไม่ผ่านมือสี่คนผมหน้าโอเคเข้าถึงแนแล้วเปิดฉากการยิงได้เลยนะเซนไบตอนที่สามสิบเก้า ขณะที่เกมสังหารเวทโกงกองผลฐานราบที่หกร้อยสิบสองกำลังดําเนินอยู่นั้นทางที่ใต้ห่างไปไม่ไกลนักเสียงแผดคํารามของเครื่องบินไอพ่น F-4 แฟนทอมก็กําลังดําเนินอยู่ปิศาจเวหาฝูงแรกสี่เครื่องตามคําสั่งของเสนาธิการใหญ่กองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศลาวจากฐานบินอุบลแอร์เบสใช้เวลาเพียงเจดนาทีนับตั้งแต่ฐานล้อหลุดพ้นพื้นลันเวทยานสู่อากาศก็ได้สําเร็จถูกต้องตามแผนทุกประการ ช่วงต้นของการบินในยามค่ำคืนนักบินได้ข่าวนำร่องจากเรดาร์ควบคุมทางภาค พ, พื้นดินที่สนามบินแม่ให้ใช้แนวคิดความสูงความเร็วเดินทางสู่เป้าหมาย พร้อมทั้งข่าวแจ้งเตือนอากาศยานฝ่ายตรงข้ามที่อาจขึ้นต่อตานกระทั่งถึงบริเวณที่หมายแฟนทอมได้รับข่าวจาก u ูเจเครื่องบินจัลกรรมเกี่ยวกับพิกัดเป้าหมายลักษณะเฉพาะรูปแบบขบวนและอื่นๆตามความจําเป็นสําคัญสุดซึ่งขาดเสียไม่ได้คือสัญญาณคลื่นไอคอมแจ้งพิกัดอัตโนมัติที่หน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นดินทิ้งไว้โชว์หลาชัดเจนบนจอเรดาร์ประจําเครื่องช่วยเน้นย้ําความแน่นอนได้เป็นอย่างดีแนวเป้าหมาย 0ถึง180ดีกรีเป้าหมาย 1, 2, 3ห่างกัน350เมตร400เมตรตามลําดับจากจุดคลื่นสัญญาณไอคอนไปทาง90ดีกรี 1,500 เมตรเหมือนกันทั้งสามจุดกระบวนลำเลียงหยุดเคลื่อนที่กลายเป็นเป้นเปานิ่งไม่มีอาวุธปโ ต, ะ อ, ตอต่อต้านบางส่วนของข่าวเป้าหมายแม้ไม่ละเอียดยิบของรายงานบนหน้ากระดาษนําเรียงเพื่อ ก, กรุณาทราบบนโต๊ะผู้บัญชาการแต่นักบินก็สามารถมองเห็นภาพได้ทะลุปลุกปลงเหล่าก็มองเห็นเส้นลายมือตัวเอง แฟนทอมทั้งสี่เริ่มจัดขบวนโจมตีตั้งแต่ระยะไกลเตรียมระดับเทดานบินก่อนการลดระดับครั้งสุดท้ายตั้งแนวบิน0ถึง180ดีกรีระยะห่างจากเครื่องนาตามแผนการบินตอนกลางคืนเส้นแนวบินฉากออกหลังการโจมตีกำหนดเป็น้ายสูงทางเดียวกันหมดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเที่ยวบินนี้ไม่มีการลาตระเวนเหนือเป้าหมายก่อน ไม่มีการสำรวจรายละเอียดครั้งสุดท้ายก่อนลงมือ F4 ลำหน้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยตั้งแต่ระยะไกลหมายปฏิบัติการแบบจู่โจมไม่ให้ข้าศึกตั้งตัวล็อกออนแทร์ก็ตได้นักบินตัดสินใจเด็ดขาดกดสวิตช์บนคันบังคับปลดระเบิดทันทีเจ n e r a l p u r p พ s e Bomb M117 ขนาด750ปอนด์เต็มอัตราโหลดสำหรับ F4B Phantom จำนวน18ลูกทยอยไหลจากช่องใต้ถองเรียงตามลำดับ ลูกแรกหล่นลงกระทบพื้นดินนั้นระยะ850เมตรก่อนถึงจุดเป้าหมายต่อกันเป็นความยาวทอดไปข้างหน้าระยะต่อระหว่างลูกต่อลูก100เมตรผาดผ่านศูนย์กลางแนวเส้นสมมติ 0-180 ดรือบนพื้นดินห่างจากจุดสัญญาณไอคอม 1,500 เมตรตามข่าวตั้งแต่เริ่มสงครามเวียดโกงขบวนลำเลียงไม่เคยพบเห็นเครื่องบินตระกูลเอฟไม่ว่าจะเป็นเอ4แฟนทอม F8 Crusader F105 y v e a s e l F111 Fighter หรือ F ใดๆปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเวลากลางคืนนอกจากทำหน้าที่ดินคุ้มกันให้กับ Big กบอมเบอร์ B52 หรือแม้แต่ปฏิบัติการปูพรมโดยบิ๊กบอมเบอร์ B52 ต่อเป้าหมายในเขตเวียดนามใต้ลาวมาจนถึงขเขมรก็ไม่เคยปรากฏถึงคาดไม่ถึงว่าการมาของ F4 Phantom ครั้งนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ทั้งยุธยทธวิธีของสองคราม ระเบิดชนิดอเนกประสงค์ M117 จำนวน18ลูกซัตว์ลงกลางเป้าหมายผลดิบพอดีอำนาจแรงอัดระเบิดบวกอำนาจความร้อนอันมหาศาลสุดประมาณนับสรงผลให้สรรพสิ่งบนพื้นดินล้าพนาสูงแนบกตาช้างงานสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดของโลกจรวด เอสอสองน้ำหนักหลายตันถึงกับประเด็นกระดอนตีลังกาหงายท้องพลิก ค, ความแหลกสลายแยกชิ้นส่วนไม่ถูกว่าชิ้นไหนเป็นเหล็กชิ้นไหนเป็นเนื้อช้างภายใต้ลัตมีครึ่งตารางกิโลเมตรอันจัดว่าเป็นระยะทำลายหวังผล น, นั้นร่างกายมนุษย์ที่มีเพียงเสื้อผ้าธรรมดาปกป้องหรือจะทานไหวมีทั้งตายด้วยแรงอัดระเบิดตายด้วยความร้อนตายด้วยสะเก็ดอาวุธจรวดต้นไม้ใหญ่น้อยล้มทับผืนดินถูกขุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ส่งเนื้อดินลอยขึ้นฟ้าแล้วหล่นลงทับร่างคน เลื่อนกลนทับถมกองพเนรคุ้มเกินคุ้มได้ผลเกินคาดโดยระบบเครื่องช่วยล็อกออนแทร็กตนักบินฝีมือดีขวัญกำลังใจเยี่ยมระเบิดเป็นสองลูกสำหรับเป้าหมายส่วนที่เป็นอาวุธอีก16ลูกสำหรับทำลายเส้นทางล้างป่าทั้งผืนเผยให้เห็นสภาพหน้าดินที่แท้จริงให้ได้ F4 ปีศาจเวหาเครื่องแลกปฏิบัติการสำเร็จไปแล้วนักบินเพิ่มความเร็วเร่งสัญญาบถายพยานขึ้นสู่เบื้องสูงก่อนเลี้ยวไปทางทิศที่กำหนดเปิดโอกาสให้ปีศาจเวหาตนที่2เข้ากระทำการโจมตีต่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อไม่มีปตอ ห, หรืออาวุธต่อสู้อากาศยานบางประเภทเข้ามาขัดขวางนักบินจึงไม่ต้องกังวลค่อยบรรจ o บังคับเครื่องให้ไต่ระดับคงที่จัดความเร็วความสูงให้เหมาะสมสังเกตสัญญาณแจ้งเป้าหมายจากไอคอมบนจอเรดาร์ข้างหน้าประกอบกับเปลวไฟคราบระเบิดจากเครื่องนำเป็นเครื่องนำล่อง ไม่กี่วินาที M117 จํานวนทั้งสิ้น18ลูกจากห้องโหลดใต้ท้องก็ถูกเทลงพื้นอีกครั้งโดยความประณีตโดยฝีมือในการใช้อุปกรณ์รุ่นล่าสุดของกองทัพเป้าหมายกระบวนลําเลียงถูกทําลายเรียบร้อยไปแล้วจากแฟนทอมเครื่องแรงบักนี้เป้าหมายพิกัดเดิมเดียวกนนันทั้งนั้นทูกอัดซ้ํ า, าอีกครั้งว่ากันตั้งแต่สุดเริ่มสําหรับ M117 ลูกแรกไร ย, ยาวเลี่ยงกันไปจนถึงลูกที่18ทับซ้อนตําบลเดิมแมนยำลาวกับใช้มือจับวาง ความพินาศสูญเสียเพิ่มจากเดิมไม่ใช่แค่สองเท่าแต่นับเป็นสิบเท่าเพราะความแหลกเหลวทั้งหลายไม่ใช่เรียกว่าเป็นชิ้นต้องเรียกว่าเป็นผงจึงจะถูกนักบินหัวหน้าฝูงตั้งระดับเพดานบินเหนือยุทธบริเวณบริเวณที่ความสูงสแตนบายเห็นเหตุการณ์ปรากฏบนเป้าหมายทับลอยที่ตนเคยทำไวแล้วช่วยแจ้งข่าวโอเคสั้สัสั่งการถึงแฟนทอมหมายเลขสามต่อระยะเดิมขยายผลทางซ้าย พร้อมกับสั่งแฟนทอมหมายเลขสซึ่งเพิ่งเสร็จภารกิจให้ออกไปทางขวาระยะสามกิโลเมตรเตรียมคุมกันพวกเดียวกันเองในขณะที่หมายเลขสี่บินลออยู่ทางซ้ายปีศาจเวหาเครื่องที่สามในจำนวนสี่เครื่องเป็นหนึ่งฝูงต่อภารกิจเข้าเส้นแนวบิน ระยะห่างจากเครื่องนา5วินาทีลดความเร็วลงเหลือน้อยสุดความสูงเลี่ยยอดหมายเท่าที่เครื่องวัดความสูงอัตโนมัติสําหรับการบินตอนกลางคืนจะช่วยได้ประจักษ์ชัดว่าสองเครื่องนําทํางานได้ผลเกินคาดไปแล้วตนเองต้องไม่พลาดพราะความเหนือกว่าความสำเร็จนั่นคือศักดิ์ศรีแห่งฝีมือการบินเที่ยวบินพิสูจน์ขีดความสามารถเบี่ยงทางซ้ายของแนวเดิมรักษาระยะห่าง500เมตรให้อานาบริเวณถูกระเบิดเลื่อมกันตามหลักนิยมเมัม่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามหลักการ นักบินจัด ก, การกดปุ่มทันทีเสียงหัวหน้าฝูงดังมาในเอีอโฟนโอเคกับคําสั่งในเครื่องสุดท้ายขยายผลทางขวานั่นแหละความพินาศช น, นิดสุดยอดของความพินาศทั้งฝูงเท่าที่เวียดกงจะพึงพบได้เมื่อผลการทิ้งบอมของนักบินผู้อาวุโสน้อยสุดในฝูงได้รับคําตอบจากหัวหน้าฝูงว่าโอเคย่อมหมายความว่าพื้นที่ถูกทําลายคิดเป็นปริมณฑลมีความกว้าง 1.5 กิโลเมตรยาวขนานกับแนวสัญญาณคลื่นไอคอมราว5กิโลเมตร แสงไฟโชดช่วงชัชวานสว่างสวายแผ่เป็นพืนกว้างตัดกับสีดำของมา่านราตรีในป่าทึบเห็นชัดบนความสูง 20,000 ฟุตเหนือพื้นดินบริเวณเป้าหมาย แบ่งทอมทั้งสี่เครื่องยังไม่ยอมจากไปยังคงบินวนเวียนคอยจับตามมองเหตุการณ์ที่แสดงถึงผลสำเร็จของภารกิจในว่าคำสั่งเน้นย้ำ ม, มาจากเสนาธิการใหญ่กองกำลังระบุชัดเจนเกี่ยวกับเอเอสต่อจรวดระยะยิงปานตา่างเปีนสุดยอดของอาวุธฝ่ายเวียดนามเหนือซึ่งต้องทำลายให้ได้แม้ต้องทุ่มเทสรรพอาวุธหรืองบประมาณด้วยปริมาณสูงเพียงใดก็ตาม ทางนี้เพื่อแรกกับความสูญเสียของฝ่ายมริกันอันมีชีวิตคนเป็นข้อพิจารณาหลักแลแล้วสิ่งหวังของนักบินแฟนทอมทั้งสี่ก็ปรากฏขึ้นแสงสว่างวาบใหญ่สีขาวเงินยวงปนสีส้มสดแบบเดียวกันกับของเอ็มหนึ่งหนึ่งเจ็ดที่ย่อนลงไปเมื่อหนึ่งนาทีที่ผ่านมาสาดกระจายแผ่กว้างลูกไฟเล็กใหญ่ลอยละลิ้วเคว้งคว้างออกเป็นรัศมีแล้วโค้งลงผืนแลดูสวยงามดี ลูกแรกนำก่อนลูกสองตามบ้างลูกสามต่อลูกสี่ห้าหกเรียงตามลำดับแรงหักระเบิดในตัวจรวดสูงกว่าแรงอัดของเอ1มหนึ่งหนึ่งเจดหลายเท่ากลายเป็นอำนาจเสริมเพิ่มปริมาณทนแห่งการทำลายตัวเองจนไม่มีอะไรเหลือโอ้จรวดมหาปัยที่เวียดนามเหนือเตรียมไว้เพื่อเข็นฆ่าศัตรู โดยไม่จํากัดว่าใครเป็นใครนั้นบัตรนี้ดาบนั้นได้คืนสนองแก่ตนแล้วอย่างหน้าอเนจอนาดส่วนหนึ่งของอํานาจการทํำลายส่งผลกระทบถึงขบวนปืนใหญ่130่ริคาลิเบอร์ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรช้างงานตกใจกลัวตื่นกระตกฉุดกระชากสิ่งที่พันธนาการติดตัวตะเลยหนีตามสัญชา ต, ตยานมนุษย์คู่โคกคุมตั้งก็กลัวตายไม่แพ้สัตว์ไม่สนใจช้างใช้งานไม่สนใจปืนใหญ่อาวุธหลักของกองทัพ่พากันเพนผนเข้าหาแหล่งกางําบังวิ่งหัวสุขหัวซุนนีตายจ้าละวัน หมายใจว่าต้องไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ร่างกายจะบรรดาลได้ปีศาจเวหาฝูงแรกรายงานความสำเร็จภารกิจถึงแอร์เบสทันทีศุภคุมทางอากาศยุทธวิธีรับทราบแล้วสั่งให้ถอนตัวออกไปทางตะวันออกเพื่อยึดครองน่านฟ้าฝั่งนั้นป้องกันการสกัดการทางอากาศจากมิกของฝ่ายตรงข้ามและเพื่อให้ปีศาจเวหาฝูงต่อไปเข้าปฏิบัติการ เพียงสองนาทีให้หลังเบียดกง ข, งขบวนลำเลียงปืนใหญ่หนึ่ง้อยสมสิยังหาแรงกำบังไม่เรียบร้อยช้างงานเพิ่งสลัดพันธนาการหลุดคววกปุเรงปุเรงส่งเสียงแผลน์แผลน์ตเตลิดเปิดเปิงเข้าไปได้ไม่ไกลหนักมาจุรา จ, จากบึ้งบนก็ปรากฏกายขึ้นมาคราวนี้ย่ามใจหนักเพราะมีรายละเอียดเป้าหมายเจ้าปีศาจวหาฝูงแรกเครื่องนําจัดระดับเตรียมทิ้งบอมมาแต่ไกลความเร็วสองจุดห้ามัดหรือความเร็วเหนือเสียงสองจุดห้าเท่านั้น ลดลงจนช้ากว่าเสียงนักบินจงใจบินด้วยความเร็วน้อยสุดทางนี้เพื่อผลคงความแม่นยำในการทิ้งบอม หัวหน้าฝูงนำทีมนำหน้าเข้าถล่มเป้าหมายมองดูกลุ่มไฟทางภาค พ, พื้นแค่พันถางแต่หันมาสนใจสัญญาณขึ้นไอคอมบนจอเรดาร์แทนหมายแนวทั้งสามจุดแล้วแยกออกข้างฝั่งตะวันออก 1,500 เมตรบินทับเส้นสมมติศูนย์ถึง180ง้แดสดีเอาไว้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายเพียง 2.5 วินาทีมือกดปุ่มสวิตต์ปล่อยระเบิดทำลายอนันหประสงเ็มเจันที เป้าหมายเป้าหมายเซ็นเตอร์เป้าหมายเซนเตอร์เป้าหมา ย, ามายแนวระเบิดพาดผ่านศูนย์กลางบริเวณ 1,500 เมตร90ดีกรีจากจุดโชสัญญาณคลื่นไอคอมพอดีหัวหน้าฝูงสั่งการตั้งแต่ทําท่าบินอิเมลแมนยังไม่เสร็จถึงพิสัสเวหาเครื่องที่2ระยะเดิมขยายผลทางซ้ายเครื่องที่2อลดระยะห่างจากจุดโชสัญญาณคลื่น 1,500 เมตรเป็น 1,000 เมตรบินตรงตามแนวเส้นสมมุดศูนถึง180ดีกรีเช่นเดิม หมายตำบลปลดระเบิดนะจุดเริ่มที่เครื่องนำทำไว้ก่อน M117 ละลอกสองทยอยลงพื้นอย่างบรรจงเชิงที่สมเปลี่ยนแนวครั้งแรกออกขวาห้าร้อยเมตรใช้เส้นสมมุติกับจุดปลดระเบิดอันเดิมทำให้พื้นที่ถูกทำลายขยายความกว้างท า, างข้างเพิ่มขึ้นก่อนเครื่องสุดท้ายของปีศาจเวหาฝูงที่สองเข้าทำการ ัว้น้าฝูงได้รับการชี้นำเดอนพิเศษจากเสนาธิการใหญ่กองกำลังในเวียงจันทไหนว่าเป้าหมายขบวนสองและสามนั้นบัดนี้ตัวเวทโกงอาจเพิ่งหนีไปไกลแล้วแต่วุธที่นํามายังวางตั้งอยู่ที่เก่า หรืออาจกระจัดกระจายเป็นบริเวณไม่กว้างนะักดังนั้นขอให้ฝูงบินปฏิบัติการซ้ำด้วยการยึดแนวเป้าหมายครั้งแรกนั่นหมายความว่าบริษัทวิหาเครื่องสุดหายต้องเข้าแนว1500เมตรทางขวาของสัญญาณคลื่นไอคอมบนเส้นสมมุติเดิมทำการทิ้งนึ่งหนึ่ทุกอย่างได้ผลตามแผนทุกประการป่าทึบทั้งป่าแปลสภาพจากความเขียวช อ, อุ่มเป็นทะเลเพลิงความร้อนกว่าห้าพันองศาเซลเซียส ร, ร้อนแรงเกินกว่าไม้ชุ่มฝนจะทานไหว ต้นเกียงหมายประเภทสนเมืองหนาวติดไฟง่ายตามธรรมชาติของมันช่วยเปิมตความกว้างของอานาบริเวณให้ไกลออกไปยิ่งขึ้นทะเลเพลิงจากพื้นที่ที่แฟนทอมฝูงแรกทาไว้บรนจบกับพื้นที่ใหม่ประมาณความยาวได้วกว่า2กิโลเมตรครอบคลุมเป้าหมายตามคลื่นสัญญาณไอคอมเต็มบริบูรเป็นหน้าที่ของหน้าแฟนทอมฝูงแรกต้องรายงานผลถึงเสนาธิการใหญ่ซึ่งสแตนบายวิทยุติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและคอยชี้แนะกากับเพิ่มเติ ม, ต, มตั้งแต่เริ่มภารกิจ เป้าหมายสาขาบวนถูกทำลายระเบิดทำลายตัวเองปะทุขึ้นทั่วบริเวณทั้งแนวเป้าหมายป่าถูกทำลายไฟไหม้เป็นทางยาวตามแนวกำหนดเสนาธิการใหญ่รับทราบรายงานตรงจากหน่วยปิสาจวิหาในขณะดูดันแบ็กเร็วเครื่องบินจัลกรรม U7 บนความสูงห 0,000 ฟุตเหนือเป้าหมายก็ช่วยรายงานซ้ำรายละเอียดทุกประการตรงกันสร้างความแน่ใจให้กับคณะบัญชาการลบมากยิ่งขึ้นทุกคนพอใจแต่ยังไม่หนำใจเพื่อการถอนราดถอนโวนอย่างเด็ดขาดเสนาธิการใหญ่ตัดสินใจปฏิบัติการซ้ำอีกหนึ่งฝูงแฟนทอม F4 แฟนทอมฝูงที่3าล็อกออนแทรเกตเมื่อ3นาทีผ่านเครื่องนําฝูงเข้าปฏิบัติการสาตั้งแต่จุดเริ่มที่แฟนทอมฝูงแรกลงมือทําการย่อนระเบิดโมเดลเดียวกันจํานวนเท่ากันโดยรูปแบบและยุทธวิธีเดียวกันตามเส้นแนว1500เมตรทางขวาของคลื่นสัญญาณอัลคอมเพื่อทําลายซากเป้าหมายที่อาจหลงเหลือและนํามาใช้ประโยชน์ได้ลํำแรกําท่าบินอิเมลแมนออกไปลำที่สองเข้าแทนใช้จุดปลดระเบิดต่อจากปลายสุดของเครื่องนํา เอมหนึ่งเจ็จำนวนทั้งสิปดลูกส่องประกายระเบิดสีสานสวยงามเป็นลูกไฟดวงใหญ่แหลงอัดระเบิดซัดซากไม้ติดไฟอยู่ก่อนคุ้งกระจายปิ้วแข่งสะเก็ดลูกไฟใหม่เพิ่มปริมาณความร้อนแหลงและแผ่ขยายอาณาบริเวณเป็นวงกว้างยิ่งขึ้นเครื่องที่สามซ้ำรอยเครื่องแรกเครื่องที่สี่ซ้ำร้อยเครื่องที่ 2, สองสรุปรวมเบ็ดเสร็จแนวเป้าหมายขาบวนลำเลียงถูกทิ้งบอมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีลูกไหนแหวกวิกถีไปนอกแนวแม้แต่ลูกเดียว F แฟน том เตรียมผ่าจากเป้าหมายฝูงแรกนำน้าโฉบลงต่ำผ่านใจกลางบริเวณทะเลเพลิงเครื่องแรกไปก่อนเครื่องสองสสตามไปเป็นขบวนผ่านพ้นแล้วเชิดหัว30องศาดิ่งตรงขึ้นสู่น่านฟาความสูงบินปกติฝูงที่สองทำตามเรียงลําดับก่อนละ่ะฝูงที่3าสุดท้ายต้องสร้างความประทับใจสุดยอดโดยการโฉบต่ำเลี้ยยอดไ ม, ม้หลมราวกับจะสัมผัสเปลวเพลิงด้วยมือไม่ถึงนาทีฉากอำลาครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้น ผมบินปีศาจเวหากับคืนสู่อุบลแอร์บสด้วยความปลอดภัยและสําเร็จรรภารกิจอย่างสวยงามเจ้าหน้าที่ใหญ่รับทราบรายงานแล้วส่งผ่านไปให้ทีมงานนักลงหลับจ้างเพื่อประเดชศึกครั้งสุดท้ายแซมสันซาลูนอสตาจากสันไลโอเคสันไลผมแัมสันผู้เองส่งข่าวได้เลยเป้าหมายขบวนทั้ง3ามขบวนเรียบร้อยแล้วชัวแค่ไหนไม่ใช่ V ีซที่เหลือแห่มาตลบหลังผูกผมนะชัวหรือชัวมากด้วยเพราะแม้แต่แ บ, บ็กเลยก็รายงานทุกอย่างตรงตามที่นักบินแฟนทอมรายงา น, างานทุกประการ ขอให้จริงเธอสันไรผมก็กลัวใจเรื่องการโจมตีทางอากาศซะจริงๆที่ไหนก็ต้องร้มเหลวที่นั่นทุกทีเิีเอาผมว่าคราวนี้วางใจได้นะโอเคโอเคผมจะพยายามวางใจสแตนบายตอนที่สี่สิระหว่างที่ฉากการโจมตีทางอากาศของปีศาจเวหาฝูงที่สองกำลังดำเนินอยู่นั้นสถานการณ์การรบด้านกองพันทหารเลาก็ได้ทวีความเข้มข้นขึ้นตามลาดับ ตามคำสั่งเสนาะธิการใหญ่กองกำลังในเวียงจันทร์สั่งการเสริมกำลังทหารลาวอีก1กองพันให้ทำหน้าที่สนับสนุนการรบแก่กองพันทหารลาวเดิมบนยอดเนินโดยกำหนดแผนให้ฮอดอกัรเนอร์สองเครื่องเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายเวียดกงบริเวณตีนเนินพร้อมกับซีนุกหอลําเลียงหกเครื่องส่งลงทหารลาวกองพันใหม่และอีก6กเครื่องทําการส่งลงปืนใหญ่เฮาวิสเตอร์สีระบอกห่างจากยอดเนินทหารลาวเดิมไปทางตะวันตก8กิโลเมตร แผนการต่างๆทำท่าว่าสามารถไปได้สวยการเคลื่อนย้ายขณะอยู่บนอากาศดูเรียบร้อยฉากการลบใหญ่เพื่อพเด็ศึกขั้นสุดถ่ายใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีการปฏิบัติทั่วไปดูเหมือนจะราบลื่นไม่ส่อเค้าหรือชายแววของความยุ่งยากให้เห็นแม้แต่น้อยจนเสนาธิการใหญ่กับคณะนายทหารฝ่ายวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการทางยุทธการอย่างใกล้ชิดผ่ากันโล่งอกสบายใจรอเวลาสำคัญมาถึง และเหตุการณ์ที่คาดคิดไว้เสมอๆทุกครั้งทุกครั้งว่าอาจจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้จริงๆเวทกงหน่วยใหม่เกือบ200อคนภารกิจเสริมกําลังชุดแรกที่เข้าเกาะทาหารลาวกองพันเดิมเคลื่อนที่เสี่ยงต่อการตรวจการพบของเอฟไฟติงซึ่งกําลังปฏิบัติภารกิจโจมตีขบวนลำเลียงฝ่ายตนทางตะวันออกเฉียงใต้เหลือระยะทางช่วงสุดท้ายเพียงหนึ่งกิโลเมตรจะถึงบริเวณเป้าหมายพลันเสียงเฮลิคอปเตอร์ซีนุกจํานวนมากกว่าหนึ่งเครื่องแว่วมาทางตะวันออก ทิศทางของเสียงบ่งชัดว่าต้องแล่นผ่านเหนือหัวแน่ความเร่งด่วนของภารกิจแรกจำเป็นต้องลดลงเวยดกงจัดอันดับพิคาสินุกศัตรูขึ้นมาแทนสั่งการชุดต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศให้เข้าทีสายนักรบจัดแซมเจ็ดเตรียมทำลายหอศัตรูชุดยิงแซมเจ็ดปักหลักฝังตัวทำลายศัตรูแลวค่อยตามไปสมทบ เวทกองพลยิงแซมเจ็ดเมดในโซเวียตคู่ปรับเลสไอเม็ดในอุเอสเอจรวดต่อสู้อากาศยานระดับต่ำนำวิถีความร้อนชนิดประทับบ่ายญิงด้วยคนเพียงคนเดียวจำนวน8ชุดยิงใน1ชุดยิงมี2คนสมทบด้วยหน่วยจลยุทธ์คุ้มกันอีกหนึ่งหน่วย40คนเร่งระบายกำลังออกวางตัวเป็นแนวยาวขนาดเท่ากับเส้นทางบินของซีนุกอย่างเร่งด่วน กำลังส่วนใหญ่เคลื่อนที่ต่อท่ามกลางเสียงกระหึ่มจากระเบิดของเ i ฟไ t i n g และจากการยิงยังปรับปลายนระหว่างศัตรูท่านราบนยอดเนินกับเวียดกงที่ตีเนินพอบอนหน่วยเวียดกงเริ่มปรับแนววางตัวของชาติการโจมตีอีกครั้งสายชุดยิงคอตั้งคอ60กับคอแปสิบเวบนแนวนี้สหายผู้ตรวจการหน้าเร่งลุกเร็วขึ้นไปก่อนเลยรีบส่งหลักฐานยิงให้ชุดยิงคอด่วนใายชุดยิงปรสอเข้าวางตัวระยะ500ร้อเมตร วางตัวได้เราก็เริ่มเปิดฉากการยิงทันทีเราต้องกดศัตรูราบบญยอดเนินให้หยุดซะก่อนสายชุดตีจ่อแนวตั้งรับศัตรูเร่งขึ้นไปพร้อมกับสายชุดผู้ตรวจการหน้าลุกเงียบเขา้าเกาะรอให้สหายชุดยิงคอกับสายชุดยิงปลรสรเปิดฉากการยิงซะก่อนสหายจงแสวงประโยชน์จากอาวุธหนักบุกเข้าหามันสายส่วนโจมตีหลักจัดกําลังเข้าโจมตี3ระลอกเน้นจ่อแนวด้านใต้อันดับแรกแผนการของฝ่ายเวทกงกําหนดขึ้นแบบเร่งด่วนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นฐาน การดำเนินการขั้นตอนต่างๆใช่ว่าจะราบเรื่นเหมือนใจคิดก็หาไม่เมื่อเสียงเฮลิคอปเตอร์ซีนุกย่างแววโดยที่ตัวจริงยังไม่ปรากฏพลัน OV10 เครื่องบินตรวจการและโจมตีจํานวน2เครื่องมาจากไหนไม่ทราบบินด้วยความเร็วเต็มสปีดบนความสูง 10,000 ฟุตจับคู่กันบินจากเหนือลงไปทางใต้เวิ่งกงหน่วยเสริมต่างพากันเห็นหน้าคอตั้งบาดเพ่งสายตาฝ่าความมืดยามใกล้สว่างขึ้นมองแต่จนปัญญาจะตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า สงสัยว่าเครื่องบินตรวจการคู่นี้มาทำไมในเมื่อไม่มีแสงสว่างให้ปฏิบัติภารกิจได้กระทั่งถึงตำแหนง่งเหนือหัวตรงดิ่งจึงเริ่มประจักเสียงระเบิดตัวเองของวัตถุบางอย่างดังอยู่บนท้องฟ้าต่อเนื่องกันเป็นระยะสม่ำเสมอตามแนวที่ OV10 บินผ่านไปสักครู่แสงสว่างเจิดจ้าพลันปรากฏขึ้นแฟร์สองสว่างติดล้มชูชีพลอยระลองอยู่บนความสูงระดับเดียวกันเรียงลําดับเป็นแถวเหมือนไฟราวในงานนักขัตเลิก จากจุดเริ่มที่ได้ยินเสียงระเบิดครั้งแรกไล่ตามเครื่องบินไปนับได้หลายสิบลูกรวมระยะทางไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตรโอวีสิบเลี้ยวกลับอีกครั้งทำการทิ้งแฟชุดที่สองห่างจากแถวคู่แรกไปทางตะวันตกราว5้0เมตรด้วยความเร็วความสูงระดับเดิมแสงแฟสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าเหนือยุทธบริเวณส่องสาดสู่พื้นเบื้องล่างช่วยสาหรับการตรวจการได้เป็นอย่างดี เวียด ก, กงยังไม่เข้าใจถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงของปฏิบัติการครั้งนี้ได้แต่เดาสุ่มกันไปตามภาษาศัตรูจะทําการกระโดดร่มลงสู่พื้นไม่ใช่ศัตรูใช้แสงสว่างสําหรับผู้ตรวจการหน้าใช้ตรวจการไม่ใช่ศัตรูเตรียมใช้ฮอดอร์กันเนอร์ทำการยิงต่างหากหนานาเหตุผลถกเถียงกันไปจนแล้วจนรอดก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามคาดให้เห็นสักทีกระทั่งเสียงประหึ่มของเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงซีนุกบินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ตรงตามทิศทางทิ่ประมาณเอาไว้เวียดกงเลิกสนใจแสงแฟร์หันไปจ้องจับภาพลางๆหรือบางครั้งเห็นเป็นจุดดำๆไม่ใหญ่โตนักบนท้องฟ้าด้านทางทิศใต้เป็นตาเดียวนึกกระยิมในใจว่าปฏิบัติการของโอวีสครั้งนี้เป็นการช่วยเหล่งสําหรับมือยิงจรวดแซมเจ็ดได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเสียงสีนุกกระหึ่มหนักขึ้นหลายเท่าเมื่อจํานวนทั้งหกลาเริ่มเข้าเขตพื้นที่ส่งลงบัดด น, นั้นลําแสงวัตถุจะภาคผื้นสองลำแสงพันพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า หมายตำแหน่งของลำตัวซีนุกเป็นเป้าโอแซมเจ็ดอันลือลั่นเริ่มทำงานแล้วเวียดกงพึงพอใจจ้องมองลำแสงนั้นพุ่งขึ้นด้วยใจระทึกเราเวลาอีกไม่ถึงคลิปตาต่อไปนี้การระเบิดกาอากาศจะต้องเกิดขึ้นนักบินสีนุกเตรียมตัวเพื่อการนี้มาอยู่แล้วทันทีที่ลำแสงแซมเจ็ดปรากฏขึ้นทางด้านขวานักบินรีบเปลี่ยนทิศเบนหัวเข้าหามันเพื่อหลบถอยเสียไปทางด้านหลังพร้อมกับลดเพดานบินลงอย่างรวดเร็วไม่สนใจว่าผู้โดยสารภายในจะรู้สึกเช่นไรบ้าง แซ เ, เคลื่อนที่เป็นอากาศอาศัยความร้อนจากเป้าหมายเป็นสื่อนําวิถีบังคับตัวจรวดให้พุ่งเข้าหาทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่สภาพปัจจุบันเพราะความร้อนเปรียบเทียบระหว่างท่อไอเสียของซีนุกกับความร้อนจากแฟร์ส่องสว่างปรากฏว่าความร้อนจากแฟร์มีมากกว่าหลายเท่าอนิจจาแสมเจดไม่มีชีวิตไม่มีมังสมองระบบภายในทํางานด้วยตัวเองซึ่งอยู่นอกขีดความสามารถของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของมันจะควบคุมบังคับการได้ จึงพากันเปลี่ยนทิศจากพุ่งเข้าหาท่อไอเสียของซีนุกเป็นการพุ่งทะยานสูงเข้าหาแฟร์ซึ่งมีความร้อนสูงกว่าแทนลูกแรกนำไปก่อนลูก2ตามมาลูก3ลูก4 ล, ลูกหลูก6ที่เวียดโกงเตรียมรับมือจำนวนเท่ากับเป้าหมายหลวนถูกเบี่ยงเบนวิถีทั้งสิน้นด้วยความเร็วที่มีตาเร่งสามารถไล่พิชิตได้แม้เครื่องเเครื่องไอพ่น เพียงพิบตาเดียวแซมเเหล่านั้นก็กระทบดวงแฝดแล้วระเบิดตัวเองเกิดเป็นประกายไฟดวงใหญ่วูบวาบอยู่บนท้องฟ้าชั่วครูความสว่างสวัยของแฟรลูกนั้นก็หายไปโอวีสิบินกลับจากการทิ้งแฟรรอบสองนักบินเห็นเหตุการณ์เบื้องล่างแล้วเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาเมื่อรู้ว่านี่คือจุดอ่อนของแซมเ ด, ดังนั้นจึงหน้าที่จะกระทำการล่อให้มันยิงขึ้นมาอีกยิงมากๆยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดียิงให้หมดจนไม่เหลือไว้พิฆาตเครื่องบินฝ่ายเดียวกันได้อีกคิดเสร็จ นักบินต่างตกลงกันทางวิทยุภายในบวกกับเขาปฏิบัติการเช่นเดิมอีกครั้งกระทั่งได้ระยะแล้วจึงจัดการปล่อยแฟลงมาทุกอย่างในการกระทำคงเป็นเหมือนเดิมทุกประการเวยดกงถึงกับตะลึงลานนึกไม่ถึงว่าแซมเจ็ดของตนจะคิดคดทรยศหลงแสงแฟมากกว่าการทำลายล้างศัตรู หลายคนกระทำการยิงซ้ำอีกครั้งคราวนี้ตั้งกากบาทต้องแหลงตรงดิ่งเข้าหาซีนุกอย่างมั่นเหมาะบางคนหัวสูงเลิกสนใจเฮลิคอปเตอร์กับหันไปสนใจโอวีสิบนความสูงที่เหนือชั้นกว่าแทนแซมเจ็ดทยานขึ้นฟ้าอีกระลอกเหตุการณ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแซมเจ็ดที่ทยอยกันพุ่งขึ้นไปนั้นเปลี่ยนเป้าหมายจากซีนุกที่เริ่มร่อนลงสู่พื้นแล้วพุ่งขึ้นไปหาแฟร์เป็นแถวๆสร้างความประหลาดใจให้กับเวียดโกงเป็นอย่างมาก สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งแซมเที่เคยครองความยิ่งใหญ่จากพื้นดินสู่ท้องฟ้าต้องเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาจนฝ่ายตรงข้ามจับได้แล้วทำการดัดหลังจนหมดรูปสิน้นฤทธิ์กลายเป็นของเล่นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ไปสิน้นอเมริกันมีความพร้อมมากกว่ากอบกับได้ ว, วางแผนซ้อนมากการรบครั้งนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วทางกลางเสียงกระหึ่มของเฮลิคอปเตอร์ซีนุกนั้นพลันเสียงเฮลิคอปเตอร์ฮิลล์อีดอกันเนอก็ดังขึ้นเหนือท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกจำนวน4ี่เครื่อง เหลียงหน้ากระดานพุ่งเข้าหาที่ตั้งเวียดกกงโดยยึดถือบริเวณที่ปรากฏลำแสงของแซมเจ็ดเคยปรากดอย่างพร้อมเพรียงเสียงคำรามของปืนกลอากาศจากประตูค้างข้างละสองกระบอกรวมเป็น4กระบอกในหนึ่งเครื่องหรือรวมทั้งสิ้น16กระบอกควบคุมการยิงด้วยระบบโซลินอยไฟฟ้าสาดกระสุนลงสู่พื้นล่าง เห็นแสงสองวิถีวิ่งตามกันเป็นสายยาวดอกกันเนอร์ไม่ได้ใส่ใจว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเห็นพื้นสีดำดำด้านล่างตรงแนวทิศทางของตนเป็นกฎไก่พ่นกระสุนทั้งนั้นเวียดกงถูกจู่โจมอย่างทันทีทันใดทั้งพวกชุดยิงแซมเจ็ดและพวกเตรียมตัวสร้างแนวและลอกโจมตีเป้าหมายต่างรีบเพ่นกันวุ่นวายปริมาณการยิงอย่างหนาแน่นจํานวนหัวกระสุนมากมายปานเม็ดฝนสาดซัดลงใส่อย่างหูดับตับไม้ ยามหนีต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนหากยังมีลมหายใจทําการลบได้ค่อยคิดแก้แค้นทีหลังดอกันเนอร์ผ่านรอบแรกไปนักบินวกกลับเหมือนรถยูเทินหัวถนนเตรียมซ้ําอีกครั้งใช้เวลาชั่วแราบเดียวทางทางที่เวียดกงยังเข้าแหล่งกําบังไม่เรียบร้อยฉากการหญิงก็เริ่มขึ้นอีกแล้วโดวยปริมาณความหนาแน่นไม่ต่างจากครั้งแรกทําเอาแนวที่เคยเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งลุกและลับต้องแตกกระสานซ่านเซน จ, จนรวมตัวกันไม่ติด ตามใต้โคนไม้ใหญ่แหล่งกำบังชั้นดีสำหรับหลบภัยทางอากาศเหล่าสหายนักรบเข้ารวมตัวเป็นกระจุกอาวุธบางอย่างสามารถใช้ทำการยิงต่อต้านเฮลิคอปเตอร์ความเร็วต่ำได้แต่ก็กลับไม่พร้อมยิงแสมเหลังจากพลาดหวังผ้ากันเข็ดหลบับมุดหัวคอยหลบกระสุนดอกกันเนอร์ลูกเดียวไทม์กลางแสงสว่างจากแฟร์หลายหลา ย, ลายลูกจากท้องฟ้าสาดให้เห็นทุกสรรพสิ่งในบริเวณนั้นเวียดคงเกรงถูกตรวจการพบต้องทนทำตัวนิ่งกบดานเงียบรอเวลาให้สถานการณ์คลี่คลาย เกือบครึ่งชั่วโมงภายใต้ฉากการยิงของเศรษฐีสงครามผู้ผลิตและจัดจําหน่ายอาวุธสงครามให้แก่คู่กรณีทั่วโลกทําการยิงกดเวียดกงให้กบ ด, ดันนิง่งกระทั่งกําลังลบหน่วยสนับสนุนแจ้งข่าวทางวิทยุว่าพร้อมนั่นแหละยูอีดอกันเนอร์ทั้ง4จึงฉากออกไปบินสแตนบายอยู่ทางด้านใต้โอวีสิบทำการทิ้งแฟงนวสุดท้ายก่อนฉากออกไปสแตนบายท้งทิศเดียวกันแต่คนละชั้นความสูงทั้ง2รอรับคําสั่งภารกิจครั้งใหม่ เวทโกงเริ่มหายใจหายคอได้บ้างส่งเสียงเรียกหากันดังลัน่นเล่งสำรวจยอดคนเจ็บคนตายแล้วเริ่มปรับรูปขบวนการใช้กำลังอีกครั้งความเงียบปรากฏขึ้นทั่วบริเวณคงมีแต่เสียงกำปนาตของระเบิดที่เอฟไฟติ g กำลังระดมเขาใส่เป้าหมายขาบวนลำเลียงไกลโพนโนช่วยให้ทุกคนคึกคักเล่งระดมพละกำลังุกวิญญาณ น, นักรบขึ้นมาจับอาวุธเตรียมสืบทอดอุดมการแห่งการต่อสู้ ช่วงเวลาไม่ถึงสองนาทีให้หลังหลังจากคิวอีกับโอวีสิบบินจากไปพลันเหตุการณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นเสียงกระสุนปืนใหญ่หนึ่งรอยห้ามิลเมตรัวถี่ยิบลงบนพื้นดินรอบกายประกายปรากฏบุบวาบุบวบ า, วาตรงนั้นตรงนี้ใกล้ไกลซ้ายขวานัวเนียนัวเนียไปหมดเป้าหมายเมื่อไม่มีอันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันทุกตารางนิ้วมีแต่ค่าสึกฝ่ายตรงข้ามปืนใหญ่ราวหนึ่งฐานยิงสิกระบอกใช้หลักยิงเริ่มต้น เปิดฉากการยิงหาผลจํานวนไม่จํากัดต่อนะัดต่อกระบอกซัดลงอย่างไม่อัน้นด้วยสำนึกอย่างเด็ดเดี่ยวว่าต้องทําความเร็วความรุนแรงและความต่อเนื่องเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของเวียดกงและเพื่อหวังผลการทําลายล้างพร้อมเสร็จเวียดกงต้องถูกเซอร์กินอีกครั้งกลุ่มนักลบเริ่มรวบรวมตัวเป็นรูปขบวนโจมตีได้ต่างต้องพากันแยกย้ายหาแหล่งกางําลังเป็นพลวันลกั้งชาติยาววิ่งซิกแซกรบซ้ายขวาไปตามแนวภูมิประเทศยามแสงแฟยังไม่สิ้นอย่างเด็ดขาด คงเหลือจำนวนหนึ่งทำหน้าที่ช่วยส่องสว่างแกรสนามรบเวีย ก, กงยังพอมองเห็นมุมกำบังได้บ้างกระนั้นก็หาได้ปลอดภัยไม่กระสุนระเบิดชุดแรกยังไม่สิ้นเสียงชุดสองสามสี่ตามมาติดติดทุกนัดทุกลูกทยอยลงสู่อนาบริเวณที่เวีย ก, กงวางตัวอย่างแม่นยำราวกับมองเห็นแล้วบรรจงจับวางด้วยมืออันประีตแนวรบที่เริ่มสับสนกับสับสนนักยิ่งขึ้น ความฉุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างเร่งหาแหล่งกำบงังป้องกันชีวิตตัวเองจากกระสุนระเบิดชนวนวีทีศัตรูเปลี่ยนใหม่เป็นชนวนแตกอากาศเราเริ่มบรรเลงทันทีสะเก็ดระเบิดที่เคยกระทบพื้นแล้วสั่ดขึ้นทำมุม45องศากับทางราบคราวนี้กับระเบิดบนความสูง ส, สั่ดสะเก็ดลงทำมุมเท่ากันเสียงกำปนาที่เคยแน่นทุมกลายเป็นแหลมลึกฟังคล้ายเสียงฟ้าผ่าสร้างบรรยากาศความรู้สึกให้หน่าหวาดหวากว่าเดิม เวียดโงเคยได้แร่งกำบังสำหรับลบกระสุนกระทบพื้นต้องเปลี่ยนใหม่ชาร์จออกหาคนไม้ใหญ่ได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนไปไม่รอดต้องบาดเจ็บล้มตายไปตามกรรำท่ามกลางความสับสนจนรวมตัวกันไม่ติดนั้นหัวหน้าใหญ่ตะโกนสั่งการลั่นลูกน้องคนข้างๆช่วยสื่อต่อจนทั่วบริเวณออกจากพื้นที่เขาขอเป้าหมายทีเนินอย่าอยู่รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่กระจายกันออกไปลบกำบางใต้เงาไม้ย่อไปอยู่กลางแสงสว่าง เวทกองได้สติเล็งชาร์จหน้าอย่างรวดเร็วความคิดว่าจะนีเปลี่ยนเป็นบุกรูปขบวนที่ไม่เป็นขบวนดาหน้าโผตามแรงกางําบังหมุดความมืดฝ่าป่าไมา้พุ่มแวกยญ้าลกๆ ล, ลุยข้ามพื้นดินเชิดแฉลบลงหน้าเข้าหาเนินทาหารลาวในระยะหนึ่งกิโลเมตรอย่างไม่เหลียวหน้าเหลียวหลังให้เสียวเวลาต่อไปความคับขันของฝ่ายเวทกอ ง, งยังไม่สิ้นแม้ชาร์จห่างออกมาจนคิดว่าพลรัศมีตรวจการของผู้ตรวจการหน้าแล้วปืนใหญ่ชะ ง, งักการยิงลงพลัน ฮิวอีดอกันเนอร์ฝูงเดิมกับเขาปฏิบัติการซ้ำพร้อมๆกับโอวีสิ it, ทําการทิ้งแฟต่อปืนกลอากาศจำนวนเท่าเดิมสาดกระสุนเข้าใส่บริเวณแห่งใหม่ของเวียดกงแทบเป็นบ้าเป็นหลังชุดยิงคอชุดยิงปลรสอบปืนกลพากันทิ้งอาวุธายเพ่นเอาตัวรอดอาร์พีจีเหลือแต่กระบอกเครื่องยิงจะหลดอะไรหลุดกระเด็นหายไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ละคนพึ่งหลบกระสุนปืนใหญ่ผ่านท้นมากลับมาเจอกระสุนปืนกลจากทางอากาศแทนเล่นเอาปราศรักลับ คิอีดอกันเนินไม่วันต่อแซมเจอีกต่อไปนักบินบังคับเครื่องเลี้ยวเลาะแนวตีนเนินหมายเล่นงานเวยดกงชุดแรกไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเลยเล่นออนไลน์ต่อหลายคนแตกกระเจิงเหล่าบนยอดเนินศพโอกาสเหมาะมีโอกาสเห็นเป้าหมายเคลื่อนที่ท่ามกลางแสงสว่างจากแฝรเริเงระดม M60 มหกสปลสสและขอเข้าใส่ หนุนเนื่องจนเวทกงแทบหยุดลมหายใจนีกระสุนจากท้องฟ้ามาเจอกระสุนจากยอดเนินหลบจากยอดเนินมาเจอกระสุนจากบนฟ้าสลับไปสลับมาจนไม่เป็นอันอยู่ซุกกายเข้าแหล่งกำบังแล้วเก็บตัวเงียบรอเวลาถอยครั้งสุดท้ายเมื่อสถานการณ์เบาบางลงตอนที่สี่สิบเอตอนจบ แฟนทอมเอฟไฟติงปีศาจเวหาทั้งสามฝูงเสร็จสิ้นภารกิจเทกราจัดเอ็มหนึ่งหนึ่งเจ็ลงเป้าหมายขบวนช้างลำเลียงทั้งสามขบวนเรียบร้อยไปแล้วเหตุการณ์ทางด้านยอดเนินกองพันทหารลาวกําลังคาราคาซังสัตว์กันนัวเนียฮิวอี้ดอกกันเนอร์กับโอวีสิสลับกันเข้าปฏิบัติภารกิจควบคู่กับปืนใหญ่ฮาวิเซอร์หนึ่งร้อยห้าคาริเบอร์ทั้งกระสุนกระทบแตกกระสุนแตกอากาศและบางส่วนจากกองพันทหารลาวเอง เวทกองถูกต่อต้านอย่างหนักด้วยอาวุธนานาชนิดจากนานาทิศทางจนระสำระสายเข้าไม่ติดกำลังรบกว่าครึ่งต้องจบชีวิตลงไปแล้วผลการโจมตีไม่คืบหน้ามีแต่สุดแนวรุกกระทำไม่ได้ลลายแนวต้องถอยออกมาพยายามปรับแผนจัดกำลังใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าทำการโหมกระนำด้วยระลอกเล็กระลอกใหญ่ก็ไม่ประสบผลถูกตอบโ ต, ต้ตีกลับทุกครั้ง แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าสภาพการมองเห็นสามารถทําได้รอบทิศทางนักรบปรับจ้างติดพันต่อเนื่องกับภารกิจสลายกําลังทหารเวียดนามเหนือกองบัญชาการกองพลทหารราบที่662ยังคงสารวณอยู่กับการใช้อาวุธติดกระบอกเก็บเสียงกองขยายยศระยะ15เทา่าครองความได้เปรียบเหนือฝ่ายเวียดกงตั้งแต่เริ่มต้นตลอดมาจ่ายยุทธภงกับลูกทีมสามคนเข้าประจําแนวทางด้านฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือโดยการวางตัวเดียวเช่นเดียวกับคนเก่าที่เคยทําอยู่ก่อน แนวด้านนี้เคยว่างเว้นจากการถูกรอบยิงแบบให้รู้ตัวมาตั้งแต่ตนเพราะอยู่คนละฝั่งกับแนวครึ่งวงกลมโจมตีครั้งแรกเวียดโกงหลายคนอยู่เย็นเป็นสุกดีแม้บางครั้งมีอาการหัวใจเต้นกระเซาบ้างก็ย่อมถือเป็นธรรมดาของการรบการทำสงครามเคยหมอบราบฟังเสียงเพื่อนฝั่งโนนแหกปากร้องโอดโอยกับเสียงวิง่งเกลึกกลิ้งเข้าหาแหล่งกำบงังแล้วคิดว่ายังห่างไกลจากตนเมื่อครั้งศัตรูสี่คนซึ่งล้วนมือระดับประการ โปรดปราณการฆ่าคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือเป็นชีวิตใจิตใจเข้ามาวางตัวเตรียมสมทบกับพวกแรกด้วยแผนสังหารที่เหนือชั้นกว่าหลังจากตรวจสอบเป้าหมายกับแนววางตัวส่วนปลายปีกสุดของฝ่ายเดียวกันแล้วทั้งสกรลุกคืบหน้าชิดเข้าไปหมายพิชิตเวียดกงถึงใจกลางฐานโดยไม่สนใจว่าบัตหนี้ตำแหน่งวางตัวของตนห่างจากเวียดกงบริเวณขอบนอกเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอลทั้ง4ี่กระจายขยายระยะเขียงซึ่งกันและกันออกไปเกือบ100รเมตร เจตนาให้เกิดช่องวางเพื่อให้เวีดกงแหวกวงล้อมนั่นหมายความว่าจะไม่มีไอเดนตายคนไหนรบลอดจากกรกบาดกล้องเล่งของคนใดคนหนึ่งใน4ี่คนไปได้เลยภาพปรากฏในกล้องเล็งกับเสียงแหกปากร้องของเวงีดกงบริเวณริมฐานฝั่งตรงข้ามดังมาเป็นระยะไม่เคยขาดทีมงานส่วนแรกยังคงรักษาระดับเกมสังหารได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่เวดกงยังไม่หายจากอาการเซิร์ ก, กิน ตัดสินใจไม่ถูกสักทีว่าสมควรเปิดฉากการยิงต่อต้านด้านไหนก่อนมือสังหารทั้งสี่รู้ว่าสถานการณ์ฝ่ายเวียดกงเริ่มเข้าใครแล้วไม่ใช่กลัวเวียดนามสู้ยิบ ต, ตาแต่กลัวมันตัดสินใจสู้ครั้งสุดท้ายตีกระนำด้านใดด้า น, า น, านหนึ่งแหวกวงล้อมตั้งหากซึ่งหากตั้งใจทำจริงก็ย่อมทำได้เพราะจำนวนคนยังเหลื อ, อกไม่ใช่น้อยเมื่อตรวจสอบระหว่างทีมงานสี่คนแต่ละคนมีเวียดกงอยู่ในกระกระบาดก้องเหล็งไม่น้อยกว่าสิบทั้งใกล้ทั้งไกลจ่ายยุทธพงษ์สั่งการทันที มีเวลาห้านาทีก่อนแสงสว่างจะมากกว่านี้ไล่จะใกล้ไปไกลก่อนเริ่มเลยพวกไลยคนในแนวโจมตีได้ยินจากวิทยุสแตนบายของตัวเองออกจากงงๆ ง, งกับการสั่งการของจ่ายุทธพง์อยู่บางแต่ไม่มีเวลาสอบถามเพราะกำลังติดพันกับเงาวุบ ว, วับวุบวับของเวียดกงคิดว่าอีกไม่นานผลจากการสั่งการนั้นคงเผยออกมาให้เห็นผลเองสี่มือสังหารไม่รอช้ากักะบาดกล้องเล็งเตรียมรอไว้แล้วนิ้วกดไกส่งกระสุนเข้าใส่ล่างเวียดกงทันที ไม่มีเสียงปืนเช่นเคยมีแต่เสียงคนแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดและงมระเบงไปทั่วเวียดโกงด้านที่เคยอยู่ดีถึงคราวอยู่ไม่ได้ต้องรีบเพ่นแต่ดูเหมือนมันจุฬาคอยฉุดล้างเอาไว้พ่าออกไปได้เพียงก้าวแรกก็ต้องพบกับชะตา ก, กรรมเมื่อมือสังหารหมายตาไว้ก่อนแล้วช่วงเวลาครึ่งวินาทีแค่วาดกกบาดออกข้างนิดเดียวมือสังหารกดไกซ้ำครั้งที่สองแล้วต่อครั้งที่สามยางรวดเร็ว ตั้งใจแน่วแนว่ว่าตรงไหนส่วนไหนของร่างกายเอาทั้งนั้นแม้ไม่ตายก็ขอให้บาดเจ็บเพราะนั้นคือไม้ตายที่จะหยุดเวียดกองได้ฉากแรกเริ่มขึ้นสี่มือสังหารซัดเวียดกองลงแล้วกว่าสิบคนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใกล้สุดไม่มีใครเหลือรอดแม้แต่คนเดียวฉากต่อไปคือการหมายหัวคนระยะไกลซึ่งไม่อยากพอกล้องเล็งช่วยยดระยะ15เท่านั้นขยายหัวกระบานคนให้ใหญ่กว่ากระดงฝัดขาวจนสามารถเลือกจุดตายจุดบาดเจ็บเอาได้ตามใจชอบ นักรบรับจ้างในแนวฝั่งตรงข้ามของสี่มือสังหารประจักษ์ความจริงว่าการสั่งการของจ่ายยุทธพง์นั้นหมายถึงอะไรและผลที่ออกมาก็คือเวีทโกงทั่วทั้งฐานวิ่งกันจนพรานบัดนี้ไม่เหลือทางทิศใดว่างเว้นความตายให้รบรอดได้แรงกำบางด้านหน้าว่าปลอดภัยกลับมาโดนด้านหลังศัตรูไม่เว้นแม้ฝ่าเท้าโคนขาหน้าแขงกระทั่งลูตูดลูกล้นเห็นตรงไหนเป็นซัดตรงนั้น ทำให้ยอดคนเจ็บคนตายเพิ่มเป็นเท่าตัวคนที่เหลือเริ่มหวาดผวาหนักไม่ยอมหยุดนิง่งกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาดินลนหา ม, มุมปลอดภัยนักหลบหลับจ่างมองดูภาพความหายนะของเวียดกงทั้งในกล้องเล็งทั้งจากสายตาเปล่านอกกล้องยังสะสมแก่ใจคำซากลางไร้วิญ ญ, ญาณกับร่างกระเดากระดาจากฤทธิ์ของความเจ็บปวดไปหาร่างที่กำลังวับวแบบแหวมหลบเขาหลังคนไม้ใหญ่ด้วยความรู้สึกเสียดาย แต่ไม่นานเวทโกงเดนตายคนนั้นก็ต้องถึงคาดเพราะยังมีกากะบาดจากแนวยิงด้านอื่นจับเป็นเป้าได้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มวินาทีแรกจากความมืดที่มืดจนมองไม่เห็นแม้เส้นลายมือตัวเองมาจนถึงยามที่แสงเริ่มลำไร้ลำไรการมองเห็นทําได้ดีแล้วฉากสุดท้ายหรือการแก้เกมของฝ่ายเวียดกงสมควรเริ่มเสียทีหาไม่จะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเหลือรอดนําเรื่องราวความโหดเหี้ยมของศัตรูไปเล่าสู่ทายาทให้ฟังเป็นแน่ การตัดสินใจของเวทกงจัดว่าเร็วแล้วแต่ก็ยังช้ากว่าฝ่ายศัตรูหลายขุมเมื่อจากดาวเหนือเริ่มกำชับสั่งการทีมงานก่อนสว่างแล้วมันเห็นตัวเราแล้ ว, ลวเตรียมแหล่งกำบังให้ดีเต็มแหล่งกำบงังระวังแวกวงล้อมระวังมันจะโอบตีแวกวงล้อมเมื่อสหารหลายคนเริ่มเปลี่ยนมุมยิงใหม่จากบริเวณแหล่งกำบังแบบห ล, มหลวมๆมาเป็นแร่งอันแข็งแรงมุมตรวจการจากเน้นระยะไกลามาเป็นระยะไกลยขยายระยะเคียงออกค้างเพิ่มความห่างให้ครอบคลุมพื้นที่รอบฐานยิ่งขึ้น ระหว่างดำเนินการทำให้ความพร้อมของบางคนลดน้อยลงแต่ปริมาณการยิงไม่ได้ลดตามไปด้วยเพราะกำลังส่วนที่พร้อมอยู่แล้วทำการโหมเพิ่มความถี่ในการยิงขึ้นเป็นการชดเชยไปในตัว เวทกงนั้นไม่ได้แสงสว่างยามเช้าเข้ามาช่วยจึงสามารถมองเห็นรูปแบบของอาการโดนยิงจากพวกเดียวกันทำให้การหมายแนวทิศทางแหล่งที่มาได้ง่ายและถูกต้องยิงขึ้นแม้ไม่มีเสียงปืนดังเป็นเครื่องชี้บอกแนววางตัวในฐานลับเคยเป็นฝ่ายตั้งรับยอมให้ฝ่ายศัตรูทำการโจมตีแต่ฝ่ายเดียวบัดนี้ถึงคราวเวชกงต้องตอบโตบางทันทีที่เพื่อนคนถัดไปถูกประสุลึกลับจับเข้าชายโครงด้านสาย อารพอย่างน้อยสองกระบอกอาก้าลาวสิบกระบอกเห็นจะได้ศาสตร์จะ ส, สวนตามทางทิศนั้นทันทีเป็นการยิงแบบดาวสุ่มเสียมากกว่าเผมไม่สามารถกําหนดจุดวางโกวศัตรูอย่างแน่ชัดได้เดือโก่งชุดแรกเปิดฉากการยิงแล้วชุดอื่นเลยเอาตามบางด้วยการหมายทางทิศที่พวกเดียวกันถูกยิงอาก้า R ารพจเป็นอาวุธหลักนําไปก่อนตรงไหนก็ได้เพียงหวังหยุดไฟศัตรูให้อยู่เท่านั้นเสียงอาก้าอารพีจระดมยิงขึ้นมาพร้อมกัน ทำให้ฝ่ายปิดล้อมรู้ทันทีว่ายังเหลือมนุษย์เดนตายอีกไม่ใช่น้อยและจา ก, การเปิดเผยตัวเช่นนี้นับเป็นโอกาสดีสำหรับมือสังหารใน ก, การวาดกล้องเร่งเข้าหาใช้เวลาไม่นานนักก็จับจุดบนร่างกายได้เวทกองใจเด็ดไม่ยอมแพ้ ง, ง่ายๆอาวุธหลักจำพวกปืนกลสองกระบอกเริ่มทำงานผลยิงจับตำแหน่งศัตรูไม่ได้ต้องใช้วิธีใส่ลำกล้องวาดไปมาซ้ายขวาสใสกระสุนชุดยาวเข้าใส่มือสังหารชอบใจมองเห็นแผ่นหลังเวทกองปืนกลอยู่ลิบลิ บรรจงจัดกรกบาดก้องเล็งเข้าทา่าพร้อมแล้วก็รั่นส่งความตายไปให้เพียงคนละนับเท่านั้นก็สิ้นฤทธิ์ปอลสอห้าสบเจ็ดกดดันมานานเห็นเพื่อนปืนกลมีอันเป็นไปจากทางด้านหลังรีบใส่ลําลก้องเข้าหาเพ่งสายตาฝ่าแนวไม้หมายค้นหาแหล่งที่มาของความตายให้จงได้มองแล้วมองอีกมองหาอย่างไรก็ไม่พบลืมไปว่าลําก้องยาวกว่าสองเมตรนั้นสามารถใช้เป็นเป้าได้เป็นอย่างดีโอ๊โ้ด กระสุนแล่นผ่านลำกล้องติดกระบอกเก็บเสียงนัดเดียวแท้พุ่งเข้าชายโครงด้านซ้ายปรสออาวุธหนักพันร่วงหล่นลงพื้นตัวเจ้าของเองถึงคราวตายจบชีวิตไปแล้วร้อนถึงเพื่อนคนข้างๆต้องรีบเพ่นเข้ารับหน้าที่แทนช่วยได้ปอลสอยกขึ้นประทับบ่าวาดลำกล้องไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วอึดอึดใจเดี๋ยวจะกดไกอยู่แล้วบังเอิญมือสังหารไวกว่าส่งกระสุนแบบเดียวกันเจาะแสกหน้าพอดีคราวนี้ไม่มีเวทกองคนไหนกล้ายแย้มอีก พวกที่เหลือพากันเพ่นหาแหล่งกำบังใหม่อาร์พีจีเห็นเพื่อนต้องตายต่อหน้าต่อตาถึงสองคนซ้อนจากทิศทางยิงนั้นจัด ก, การส่งหัวปลีมรณะสวนใสอาก้าอิกวาสิกตามบางแต่ทุกอย่างต้องล้มเหลวไม่มีทีท่าว่าศัตรูแม้แต่คนเดียวต้องตกตายตามในทางกลับกันมืออารพีจีกับมืออาก้าสองคนต้องสังเวยชีวิตถึงขั้นนี้เวียดกงเริ่มคิดว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะยืนหยัดต่อสู้ไปอีกต่างถอยหลังกลับเข้ามารวมกลุ่มแถวใจกลางฐาน แต่ละนั้นสกรู ก, ก็หายอมไม่เมื่อมือสังหารยังน้อยสี่คนด้านจ่ายยุทธพงมองเห็นพฤติกรรมโดยตลอดเล็ดลอดผ่านไม้พุ่มด้านหน้าเข้าหาชาร์จรวดเดียวกว่าห้าสิบกาวแล้วปักหลักแหล่งกำบังใหม่ส่งกระสุนชุดแรกทันทีโอ้ยโอ้ยหนึ่งชุด จำนวนเท่าตนได้ผลครบชุดแรกผ่านไปโดยไม่สนใจเสียงแหกปากร้องไม่สนใจท่าดีดดินกลิ้งไปกับผืนเป็นตายอย่างไรช่างมันไม่ต้องวาดลำกล้องไปทางไหนเพราะเป้าหมายจับกลุ่มร่วมกันอยู่แล้วมือสังหารกดไกส่งกระสุนชุดที่สองต่อชุดสองจบวาดลำกล้องนิดหน่อยส่งชุด3ามอีกชุด4ี่ต้องไล่กันเล็กน้อย ซึ่งก็มิเกินความสามารถเมื่อสังหารจัดการงวดสุดท้ายเสร็จต้องรีเนพนถูกเข้าหลังแรงกำบงังเวียดโกงเห็นกับตาว่าเพื่อนกลุ่มใหญ่สิบสี่คนต้องดับดินไปด้วยการจากฝีมือของศัตรูจากทางทิศนั้นเห็นถ้าไม่ดีคืนอยู่ต่อไปไม่หวังถึงคิวตัวเองแน่ต่างพากันพระถอยหลังเป็นแถวโดยไม่ต่อต้านด้วยการหยิ่งเร็งหามุมกำบงังจนลืมไปว่ายังมีศัตรูจํานวนหนึ่งกําลังรอรับมืออยู่ทางทิศที่กําลังถอยนั้น ภาพเวียดกงที่ถอยไม่เป็นกระบวนอยู่ภายในขอบเขตฐานรับที่เคยครอบครองมือสังหารนักรบรับจ้างปักหลักนิง่งคอยอาศัยจงังหวะช่องวางสังหารทีละคนทีละคนอย่างใจเย็นแต่อเมริกันกรีนแบลเลเย็นไม่ไหวจะาแซมถือโอกาสนำลูกทีมลุกเข้าหาเพื่อให้ได้ระยะตรวจการสำหรับการค้นหาร่างเวดกงชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในระยะเพียง50เมตร แต่ฝ่ายบุกมีความพร้อมมากกว่าแนวลุกที่วางตัวยาวเหยียดเกินความสามารถของเวียดกงจะระดมกราดอาก้าเข้าใส่ได้โอกาสทองจึงตกเป็นของฝ่ายไม่กันแต่ะคนยืนบางหลังคนไม้ใหญ่บรรจงส่งกระสุนแบบสิงเกินผ่านกระบอกเก็บเสียงเข้าใส่เวียดกงมีโอกาสเห็นร่างศัตรูเพียงชั่วระยะวับวแว่วแว่ล้วผุดหายไปเหลือแต่ความตายที่ส่งมาให้อาก้ากลายเป็นเครื่องส่ง เสียงแพทย์ร้องเรียกให้ศัตรูเข้าหาคนไหนยิงคนนั้นต้องโดนส่วนทุกทีทุกครั้งไม่มีเว้นจากจํานวนกําลังลบที่มากมายเป็นเรือนร้อยกับรถปริมาณลงเป็นเรือนสิบนับได้ไม่กี่สิบเวียดโ ก, ก่งเตรียมตัวถอยเต็มที่พยายามหาช่องว่างของแนวศัตรูเพื่อทำการโหมตีเจาะแต่ศัตรูรู้ทันทำการยิงสกัดจนเข้าไม่ติดรวมตัวกันไม่ได้แม้จะเลี่ยงสายลบขวาแล้วก็ตาม เคลื่อนตัวเข้าใกล้ขอบแนวฐานด้านไหนเป็นต้องพบความตายความพิการทางด้านนั้นเกือบตลอดแนววงรอบฐานเวียดกงแทบไม่มีโอกาสาได้เห็นหน้าค่าตาศัตรูไม่ได้ยินเสียงปืนไม่รู้ว่าศัตรูใช้หลักกลยุทธ์ข้อใดสําหรับการโจมตีครั้งนี้และแล้วฉากสุดท้ายซึ่งถือเป็นการลาวสารแห่งกองพลทหารรบเวียดนามเหนือกองพลทหารราบที่612ก็มาถึงเมื่อเมริการเกลินแบเลตัดสินใจชาัดครั้งสุดท้ายเข้าหาเวียดกงที่หลงเหลืออยู่เพียงสี่ห้าคน m อ็มสองศติดกระบอกเก็บเสียงภูมิเขาจับส่วนหนาของล่างอย่างจังไม่มีใครเหลือรับเป็นข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวจ่าดาวเหนือขยับตัวเปลี่ยนท่านอนราบเป็นนั่งพิงโคนต้นไม้ลวงบุหรี่ออกมาจุดสูบมองดูพันตรีโรเจอร์ด้วยสายตาที่เฉยเมยพันตรีอเมริกันยังเพลิดเพลินอยู่กับภาพอเมริกันกรีนแบลเล่ในกล้องเล็งจึงไม่รู้ตัวเองถูกมองกระทั่งนักรบรบจ้างพูดออกมาเมเจอร์ครับเกมจบแล้วสั่งแซลมอนเขเคลียร์จั ก, กายพผูที่ยังหายใจอ ย, อยู่สิ้นซากเถอะครับ พันตรีโรเจอร์ลัตสายตาจากช่องมองกล้องแหล่งยิ้มจิตจืดมองหน้าจ่าดาวเหนือแล้วดึงวิทยุขึ้นมากรอกเสียงสร้างการส่งข่าวสุนทรไล์เลยก็ได้ครับอีกครั้งหนึ่งที่จ่าดาวเหนือต้องเป็นฝ่ายบอกลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติพันตรีมรีการทำหน้าฝืนยิ้มแล้วเปลี่ยนแบนด์ความที่วิทยุเตรียมส่งคืนผ่านแบ็กเล่ไปถึงเสนาธิการใหญ่เรียกสองครั้งคําตอบก็มีมาโอเคสั้นๆ้นักงาของคุณเรียบร้อยใช่ไหมถูกต้องสุนทรไล์เรียบร้อยดีมากผมขอทราบแผนงานขั้นต่อไปเลย ก็ได้ไม่เสียเวลาดีด้วยขอทีมงานของคุณไปเคลียร์พื้นที่ที่เอฟไฟติ้งทํางานว่าเรียบร้อยหรือเปล่าอย่างไรโอเคไหมโอเคไม่มีปัญหาและเหตุการณ์ทางด้านกองพันทหารลาวล้วครับไม่มีปัญหาเหมือนกันด้านนั้น VC ยอมถอนตัวแล้วอีกเรา6กชั่วโมงหน่วยกําลังเก็บไส้งอนจะเข้าเสริมเตรียมกวาดล้าง VC ในเขตแขวงอัตรประยุตต่อไปหมายความว่าเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จทีมงานของผมสามารถเดินทางกลับได้เลยใช่ไหมถูกต้องสัมสั้นคุณเรียกคอเ อ, เองก็แล้วกั น, นเอาว่าจะให้ลงไปรับที่ไหน โอเคขอบคุณเพราะฉะนั้นคิดว่าค่ำเนี้ยผมต้องเรียกแนะ่สแตนบาย